สัมอาสัมพุทโอภาควาผู้ทังภาควันตังอภิวาเทสว่างข้าโตภาควาตาธรมโบธรรมงนามจาม สุปาติป oh ันโนภะควตโตสาวกสังโฆสังฆนามานามตัสสะภะคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธะ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 นาทิเมสระนังอันยังพุทโธเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะวัฏเธออย่างสัตตุสานินาทิเมสระนังอันยังธรรมโมเมสระนังวรัง เอเตนะสัจจวัชเชนะวัดเธอย่างสัตตุศาสเนนาทิเมสารนางอัญญังสังโคเมสารนางวารังเอเตนะสัจจวัชเชนะวาดเธอย่างสัตตุสาสเน กาเยนาวาจายวเจตาสาวาพู้เทกุกรมมงปะกตังมายายังพู้โทปฏิคันหาตุอาจจยันตังกาลันตเรสังวริตุงว่าผู้เทกาเยนาวาจายวเจตาสาวา ธรรมเมกุกรมมปะกะตังมยาอหยังธรรมโมปฏิคันหาตูอัจจยันตังกาลันตเรสังวริตุงวะธรรมเมกาเยนวะจายวะเจตสาวะสังเคกุกรมมปะกะตังมยาอหยังสังโคปฏิคันหาตุอัจจยันตัง กาลันตะเรสังวริตุงวสังเคกราบนมัส ก, การพระอาจารย์ขอรัตนาพระอาจารย์กรุณาแสดงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าค่ะวันนี้จะเป็นธรรมจักรกับพระวัตนณสูตรตอนที่สองนะคะ สัมมาสัมพุทธะนะโมทสะบอกวะโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมทสะบอกวะโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ใกลจะกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระจอมุณีผู้ประเสริฐ ทรงชนะมารทั้งห้าพร้อมด้วยกองทัพโดยสิ้นเชิงด้วยอรัตมะขายานบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณข้าพระเจ้าขอนอบน้อมกราบไหวพระผู้มียพระภาคเจ้าพระองค์นั้นและก็โพธิบัลลังนั้นพระจอมมุนีเสด็จออกจากโพธิพฤกษแล้วก็ประทับยืนอยู่หนสถานที่อันประเสริฐด้วยพระเนตรที่ไม่ทรงกระพริ บ, บดังพระจันทร์วันเพ็นบนท้องฟ้า ข้าพเจ้าข อ, อนอบน้อมพระจอมมุนีพระองค์นั้นพร้อมด้วยสถานที่ประทับยืนอันไม่กระพิบประเทศพระเนตรนั้นพระนาถเาจ้าผู้คลายอา mith แล้วทรงแสดงย ม, มกปฏิหารอันน่าอัศจรรย์เสด็จจงกรมนางดังราชสีนรัตน จ, จงกรมข้าพเจ้าข อ, อนอบน้อมกราบไหว้พระนาถเจ้าพระองค์นั้นและสถานที่จงกรมนั้น พระไตรโลกนาถผู้เปรียบดังเสาเขื่อนนั้นมั่นคงสเสด็จประทับณนะรัตนครเจดีเจดีเรือนแก้วยังมหาชนให้สมนัดด้วยพระราชมีรัศมีและฉัพพันณาลังศีข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระไตรโลกนาถพระองค์ น, น, นั้นพร้อมด้วยรัตนครเจดีและเรือนแก้วนั้นพระจอมมุนีทรงประเสริฐ ด, ด้วยรัศมีฉัพพันนาังสีแผ่ซ่าน มีบุญญาที่การนั้นยิ่งใหญ่เสด็จสู่ควงไม้อัชาปารานโคดข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระจอมมนีพระองค์นั้นพร้อมด้วยควงไม้อัชาปารานีโคดนั้นพระนาถาเจ้าพระองค์ใดทรงรุ่งโรจน์อยู่ด้วยใายพระราชมีมีฉพันนรังสีเสวยมิตุสุขใกล้สระน้ําสระใหญ่มุดเจริญดุจอาทิตย์จอมศักนัก ดุจอาทิตย์จอมนักสัตว์ข้าพเจ้าข อ, อนอบน้อมกราบไหว้พระนาถาพระองค์นั้นด้วยและก็สรน้ำใหญ่มุจลินนั้นด้วยพระศาสดาทรงกำจัดอวิชชาคือความมืดทรงคุณธรรมหาที่สุดไม่ได้ประทับนั่งด้วยพุทธสิรินะักควงไม้ราชายตนะคือไม้เกศข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระศาสดาพระองค์นั้นพร้อมด้วยสถานที่นั้น พระชินาจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทรงกำจัดศัตรูกิเลสและด้วยหกคือพยานยังอุปการชีวคให้ชื่นชมแล้วสเสด็จสู่ป่าอิสิปตนาะมิกทยายวันอันเป็นที่อภัยแก่เนื้อข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระชินาจา้าพระองค์นั้นพระบรมศาสดาผู้มีอนุภาพที่ยิ่งใหญ่ สเสด็จถึง ป, ป่ายสิปฒนามรุกทายวันเป็นโดยสวัสดีภาพทรงสแสดงธรรมจักรกับวัฒนสูตรเป็นเบื้องแรกแก่ปัญจวัคคีโดยชอบข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระบรมศาสดาพระองค์นั้นพร้อมทั้งสถานที่นั้นพระพุทธเจ้าผู้ทรงปกครองสงมีพระปัญญาอันใหญ่หลวงประธานมตตธรรมแก่มหาชน ส่วนใหญ่ประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระเจ้าพระองค์นั้นพร้อมได้วิหารเชตวันนั้นข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระาธาตุของพระเจ้าผู้คงที่ผู้สเสด็จ ด, ดับขันธบริณิพานนสารวโนทยานป่าสาละและขอนอบน้อมกราบไหว้พุทรูรปศีหาสายญาตพระองค์นั้นด้วยใจเคารพเพื่อเพื้อ สัมมาสัมปตโตมหาเตโชปัญจวัคคียาเพียคูนังสัมมาสัมดัมมะปวัตเตสีสัทธานาังนามมิตังสังคิสรโรมหาปัญโย ตัตวาตัณง์มาจ an ันทรสังดิโตจิรังเชตตมิสาวิหรงนามิต <t od ic in> ัณงบุดสาสารุญเยนีนิพุตสาซาจตาดิโนบุดสาตาสดาตุโย เสยธารูปังนามิหังสาธุสาธุสาธุาธขอโมทนาแกาพวกเราทั้งหลายนะที่ตั้งใจในการที่จะศึกษาพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาโดยเฉพาะจะศึกษาในส่วนของการที่พระบรมศาสดาทรงแสดง ธรรมจักรกับวัตนสูตรในส่วนของธรรมจักรกับวัตนสูตรนั้นะพระบรมศา ส, าสดาทรงประกาศธรรมจักรแต่ในครั้งที่แล้วนะได้กล่าวถึงในเรื่องของต้นมุจจลินแล้วก็เมื่อสักครู่ก็กล่าวถึงการนอบน้อมนะตรงนี้ทำความเข้าใจในฐานะที่เราทั้งหลายเป็นชาวพุทธเนี่ยไล่มาตามลาดับใช่ พระบรมศาสดาประทับที่โพธิบัลลังก์เจ็ดวันสเสวยมุติสุขในสถานที่ตรงนั้นนะนะหลังจากออกหนะ้าที่ตรงนั้นแล้วก็ทรงไปยืนไม่กับพิ พ, พเนตรเพ่งต้นพระสีมหาโพธิอีกเจ็ดวันนะแล้วก็ทรงเสด็จจงกรมหนะ้าที่จงกรมนั้นเทวดาก็ทรงเดรามิตรให้รัตนจงกรม บริเวณที่เราท่านทั้งหลายไปสการละบูชาแต่ที่ตรงนั้นเทวดาก็นิมิตเป็นเรือนจงกลมถวายผู้มีบุญระดับพระบรมศาสดาพระเจ้าก็เสด็จจงกรมมันเจวันสัปดาห์ที่สี่ก็ประทับที่รัตน์คราเจดีหรือเจดีเรือนแก้วตรงนั้นก็ทรงแสดงพิจารณาพิธรรมพิดกเริ่มแต่ธรรมะสังคณีบากจนถึงทรงพิจารณาปฐฐานบากอ แล้วชาพันธ์ใหลังสีของพระบรมศา ส, สดาก็แผ่ซ่านไปทั่วสานุทิศน้อยใหญ่ข้างล่างจรดเอเวจีเลยเอเวจียันอัจฉรากาศข้างบนก็ภวักกระพรมถึงอรูปกระพรมเลยถึงอัจฉรากาศเช่นเดียวกันส่วนขวางก็ไปแสนโกดจักรวาลอันนั้นคือพระราชมีของพระบรมศาสดาแม้ในปัจจุบันนี้รัศมีก็ยังปกครองอยู่ปกคุมอยู่ ผู้มีบุญทั้งหลายก็เห็นพระสมีของพระบรมศาสดานั้นเราท่านทั้งหลายที่บุญน้อยทั้งหลายก็ให้ฟังน้อมระลึกว่าเป็นอย่างนั้นวันใดวันหนึ่งเรามีเทพีจักขุยานอย่างพระพุทธเจ้ามีหรืออย่างสาวกของท่านมีเราก็จะเห็นข่ายพยานของพรรมศาสดายังปกคลุมอยู่ยังไม่จางหายไปนะที่นี่เราไม่มีโอกาสเหมือนอะไรนะ เหมือนกับภูเขาซิเนลุใช่ไหมตั้งลงที่มหาสมุทรแต่ยังเราก็มองไม่เห็นเพราะเป็นทิพเป็นโลกทิพนะแต่เป็นที่อยู่ของเทวดาแต่ละชั้นแต่ละชั้นผู้มีทิพ ป, ประจักษ์สุทั้งหลายที่มีบุญทั้งหลายก็ไปเห็นเนะี่แต่เราไม่มีตรงนั้นก็ไม่เป็นไรแต่เพียงให้รู้ว่าจริงๆสิ่งเหล่านี้มีอยู่นะเพราะเรานั้นเป็นใช้สายตาของเราไปวัดเทียบกับคุณ หรือระดับสิ่งที่เล่นรับระดับนั้นไม่ใช่ฐานนะไม่ใช่ฐานนะแต่ไม่ใช่ว่าปฏิเสธในสิ่งที่มันมีอยู่จริงถ้าบอกว่าในอากาศเชื้อโลกเต็มไปหมดนี่เราก็ยังไม่เชื่อว่ามีจริงแต่พอเออนักวิทยาศาสตร์บระคุหากันขึ้นมาแล้วก็เ อ, อจริง น, นี่ยอันนี้ซึ่งเราความรู้ของเราเอาแน่นอนไม่ได้ในสัปดาห์ที่ห้าพระองค์ก็ประทับที่พุธเจริญ มุจลินเนะนะมุจลินท่มูเลใกล้ต้นมุดจลินนะหมายความว่าต้นกระทุ่มเชื่อมุดจลินหรือชื่ออย่างหนึ่งนิจุราก็หมายความว่าที่ใกล้แห่งต้นกระทุ่มนะั้นคมุจรานะเป็นชื่อของต้นไม้แต่เรียกกันว่ามุจรินทะต้นกระทุ่มใหญ่เพราะเป็นต้นไม้ใหญ่ที่สุดในป่าปรระกาหนึ่งส่วนคําว่าอุทาปาที่ในแปลว่าเกิดขึ้นแล้วฝนนตกพรมมากมายนะ ทองฟ้าท้องจักรวาลก็คือว่าเป็นปกติเนาะฝนใหญ่ในเรื่องนี้เกิดขึ้นในเวลาที่พระเจ้าอุบัติเวลาที่พระบรมศาสดาอุบัติเกิดขึ้นเนี่ยนะคำว่าอุบัตินี่หมายถึงได้ตัสรุนุตตะสัมมาสัมโพธิญานเนี่ยฝนใหญ่ก็เกิดขึ้นทีนี้สะใหญ่หนะ้าที่ตรงนั้นเขาเรียกว่าสระโบกคารณีก็หมายความว่าสะมุจจลินเนี่ย อยู่ตรงข้างล่างลงไปมันติดกับภพบพญานาคทีนี้พญานาคเนี่ยก็ออกจากภพของตนคือนาคภพภพของตนนั้นน่ก็คือความดำริได้เกิดขึ้นแก่พญานาคบอกว่าพระบรมศาสดาประทับใกล้ควงไม้โพธิพฤกษ์ไม่ไกลาจากที่อยู่ของเราฝนก็ตกพ ร, รมตลอดเจดวัน พระ อ, องค์ควรจะได้รับสถานที่ประทับนะฮะความดั่งดีของพาญนานาคมุจจรินเนี่ยสถานที่ที่พระบรมศาสดาประทับบริเวณโพธิมณฑลโดยเฉพาะสถานที่ต้องอชัปปารณิโคต้นต้นเ อ, อ่ขอข้าไปเนะี่ยไม่ใช่ที่ต้นสา ม, มุจจรินเนี่ยไม่ใกล้ไม่ไก ล, ไไกลจากสถานที่โพธิพฤกษ์ แม้พญานาคนั้นจะสามารถเนรมิตปราสาทอันสําเร็จด้วยรัตนะเจ็ดได้ก็ดําี่ว่ากระทําอย่างนี้เราจะไม่รับแก่นสารจากสรีละคือพญานาคสามารถจะเนรมิตปราสาทเจ็ดชั้นก็ได้มีเต็มไปด้วยรัตนะพญานาคก็ทําได้แต่พญานาคบอกว่าถ้าทําอย่างนั้นตนเองจะไม่ได้สาระไม่ได้แก่นสารหมายความว่าอัตภาพของเราที่เป็นงูเป็นพญานาคจะไม่ได้สาระเลย เมื่อท่านดําริอย่างนี้เบีดเสร็จแล้วท่านก็เลยมาคิดว่าเอาละเราเนี่ยนะจักทําการเกื้อกูลพระทศพลด้วยสรีระพระทศพลยา น, นีพระพุทธเจ้านะั้นมีพยานสิบประการใช่ไหมฐานาฐานาุญาณเป็นต้นยานที่รู้จักฐานะแล้วไม่ใช่ฐานาพะพยานานาคดําริอย่างนั้นแล้วก็ขนดวงหางของตนเองอย่างใหญ่ทีนี้ แล้วเนลมิตรอัตภาพที่ใหญ่นั้นนะ่ะวงรอบพระบรมศาสดานั้นนะ่ะขนดเจ็ดชั้นแปลว่าวงขนดอย่างกว้างมากกว้างก็คือว่าในคำพีชัญรัตรกาถาท่านกล่าวบอกว่าในขนดของพญานาคนั้นนะ่ะเทียบเท่ากับเรือนคังของโลหะประสาทใหญ่ไหม เท่ากับโลหะประสาทสถานที่ภายในขนดน้นเทียบเท่ากับโลหะประสาทชั้นล่างเลยความประสงค์ที่ได้เกิดขึ้นแก่พญานาคว่าขอพระบรมศาพระบระมศาสดาจะได้พับประทับในยาบทตามปา่าท่านนคือถ้าพระศสาสดาจะเสด็จจงกรมก็ได้พระศาสดาจะเสด็จประทับนอนก็ได้พระศาสดาจะประทับยืนก็ได้พระศาสดาจะประทับนั่งก็ได้คือพญานาคดําริ และในขันโของตนเองนั้นน่ะก็จะประดับประดาตกแต่งตกแต่งละตันนไว้รอบนอกหมดเลยลอดลอด ร, ร, รอบในหมดเลยเพราะอะไรไม่ต้องการให้พระบรมศาสดานั้นได้รับกลิ่นกายของตนเองตนเองนั้นเป็นอบายศัสตร์แต่ต้องการให้พระบรมศาสดาได้รับกลิ่นที่มันโอลานด้วยวิจิต สมกับพระเกียตรติของพระบรมาสดาที่ตัดสรุนุตตาสมเาสญสมปติยานสมกับบุคคลที่สร้างบารมีธรรมมาระดับนั้นพญานาคก็ขหนดไว้รอบนอกแล้วก็ตั้งบัลลังก์ที่สำเร็จรัตตนาไว้ท่ามกลางตรงกลางก็ทำเป็นบัลลังก์เอไว้ให้พระบรมาสดาได้ประทับพระบรมาสดาก็ประทับนั่งบนบัลลังก์ที่ พญานาคมุจลินจัดถวายรอบนอกนั้นสามารถเดินจงกรมได้ทํากิจอะไรต่างๆเหล่านี้ได้ในขนดของพญานาคนั้นเบื้องบนเพดานก็มีผ้าดารดา ด, ด้วยของหอมพวงมาลัยดอกไม้วิจิตรด้วยดาวสีทองจุดประทีปสว่างสวัยตามไดนม้น้ํามันทั้งสี่มุมเมื่อก็เปิดผ้าอบไม้จันทร์ไว้ทั้งสี่ทิศเพื่อบูชาพระบรมศาสดาแล้ว ความประสงค์ว่าพระบรมศาสดาจะประทับด้วยยาบวชที่ทรงปรารถนานี้เป็นอัตยาสายของปญานาคเองเนะแต่พระบรมศาสดาได้ประทับนั่งอย่างเดียวนะการล่วงไปเจ็ดวันพระพุทธเจ้าไม่ได้ใช้ยาบวชอื่นพระพุทธเจ้านั้นประทับและในขณะนั้นก็คือว่าเมื่อมีฝนตกพรำตลอดเจ็ดวันในที่นั้นไม่มีความร้อนเลยถึงอย่างนั้นก็สมควรที่ปญ า, านาคนั้นจะคิดว่า ถ้าเมฆจะหายไปในหว่างนั้นความร้อนจะมีแม้ความร้อนก็จะได้เป็นเบียดเบียนพระวรากายของพระบรมศาสดาเลยสแสดงเหตุในการเนรมิตขณัตให้ใหญ่เพราะเมื่อขณัตเล็กไออุ่นที่เกิดจากสรีระของพญานาคก็จะรบกวนพระบรมศาสดาแต่ไอายุนเช่นนั้นไม่ได้รบกวนพระองค์ก็ด้วยการที่เนรมิตในขนาดใหญ่พญานาคดำริอย่างนั้นแล้วก็เลยทำขณัตตนเองนั้นให้ใหญ่และให้พระบรมศาสดาประทับใน ห้องโลหะประสานนั้นปัจจุบันนี้เราเวลาสร้างสร้างพญา น, นาคกันสร้างพุทธรูปปงางนาคปกนะเนี่ยก็เป็นนั่งบนขนดไอ้ น, นี้ไม่ตรงเลยเนะไม่ตรงจริงๆจะต้องทําเป็นโลหะประสานแล้วก็พญา น, นาคก็แผ่แผ่ไม่ใช่เจ็ดหัวนะศรีรษะเดียวจะแผ่พางานออกปกข้างบนไม่ให้ ไม่ให้ฝนตกถูกพระบรมศาสดาแต่ที่จริงสูงมากนะทาเงินสูงพระศาสดาก็ประทับนาที่ตรงนั้นอากาศก็ปลอดเปลงพวกวามาบัณฑิตย่อมรู้เนื้อความดังที่ได้กล่าวอันนี้ก็เลยเขอกล่าวในในมุมตรงนี้เขาไว้เพื่อเป็นเป็นเกรดนะทีนี้ต่อมาพระบรมศาสดาก็มาพิจารณาดังที่ได้กล่าวนั่นแหละพระธรรมที่บรมหลังจากมารทูนรัตนาได้กล่าวไปแล้ว มารก็ทูลรัตนาพระบรมศาสดาว่าพระเออไม่ใช่อภมนะครับพายถ้าหมหาพภมก็ราตนาพระบรมศาสดาเพื่อให้พระบรมศาสดานั้นแสดงธรรมได้กล่าวไปแล้วในครั้งที่แล้วนะที่จริงอามาพยายามจะเดินให้เล็วเพ่อจะไปถึงธ ร, าา ร, าารรมจักรกบวัรนสูตรก็จริงๆเรื่องรายละเอียดก็ไม่ ก, ก็ค้ำค่าง แต่ก็พยายามจะเดินในวันนี้จะจบแค่ไหนก็แค่นั้นน่ตรงนี้ก็คือว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็คือที่จริงถ้าถามบอกว่าในขณะที่พระบรมศาสดาได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยพระองค์ก็แทงตลอดแทงตลอดอริยสัจจะทมทั้งที่ได้กล่าวแล้วน่นะทีนี้ก็เลยบอกว่า สัตว์โลกทั้งหลายเป็นผู้ยินดีใช่ไหมท่านใช้คําว่าอารายอ่ะอารายเนี่ยสัตว์ทั้งหลายนั้นอารายได้เบนจากการมคุณนะอารายอันรียันติอะ่ะเสพคุณเนี่ยสัตว์ทั้งหลายก็ย่อมจะเพื่อภูน เ, เสพคุ้นกับกามคุณคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเราท่านทั้งหลายในยในโลกใบเนี้ถ้าเอากามคุณโปรยลงนะที่ไหนที่นั่นอพังหมดเลย เอาที่เอารูปสวยๆเสียง พ, อพอ่อๆกลิ่นน้มหอมรสอร่อยอร่อยสัมผัสที่เนื้อเนื้อโปรยลงนะที่ไหนอะโปรยลงในคำสอนของศาสน า, ศาพูดเนี่ยนะเกลี้ ย, ยงหมดแล้วไม่มีเหลือเลยสัตว์ก็จะแย่งกามาคุณกันเพราะสัตว์ทั้งหลายนะ่เป็นผู้มีความยินดีได้รับความเพลิดเพลินสนุกสนานก็ลืน่นเลยตรงนี้นี่แหละถึองบอกว่า อาระยะรามะเราสัสตว์ผู้มีรื่นลมด้วยตัณหาอะไรน่หมายถึงขย่ขยข่ของตัณหาดังกล่าวคือกามาตัณหาเพราะว่าตัณหาวิภาวะตัณหาะะตัณหาร้อยดที่เป็นไปกับอารมณ์ทั้งหกไกามมาตัณหาก็ได้6อารมณ์ใช่ไหทางตาหูจมูกเล่นกายใจก็เป็น6ในอดีตก็หใช่หในอนาคตก็หก็กลายเป็น18ใช่ไหม ภาวะตันหาก็ได้แบบเนี้สิบแปดวิภวะตันหาย ก, ก็สิบแปดสิบแปดสามก็กลายเป็นเท่าไรเท่าไรนนห้าสิบสี่ภายในห้าสี่ภายนอกเท่าไหรห้าสิบสี่ก็กลายเป็นร้อยแปดเนี่ยเนี่ยเราสัตว์ก็เพลิดเพลินยินดีด้วยราคะที่ยินดีกา ร, รคุณเปรียบดังพระราชาพี่เสด็จไปในราชอุทยานเกลื่อนกลนด้วยต้นไม้ เป็นที่ดารดาษด้วยดอกและผลมีการตกแต่งไว้ดีก็รื่นลมด้วยสมบัตินั้นๆลุ่มหลงปราบรื่มยินดีไม่เบื่อหน่ายไม่ปราถนาจะเสด็จกลับแม้ในเวลาเย็นฉันใดเหล่าสัตว์ที่ยินดีเพลิดเพลินในการมตัตหาภวระวะตัตหาวิภวะตัตหานด้วยตันหาร้อยแปเหล่านี้ก็ลุ่มหลงไม่เบื่อหน่ายอยู่ในสังสารวัตรชันนั้นเหมือนกัน ดังนั้นพระบรมศาสดาเมื่อจะสงจะแสดงกามคุณและตัณหาเหล่านั้นว่าน่ารื่นลมเปรอนเหมือนดังอุทยานพระองค์จึงบอกว่าผู้รื่น ล, น, น, ร น, รนลมในกามคุณเนะผู้รื่นลมในกามตัณหาเนี่ยรัตตาก็แปลว่ายินดีแล้วสุดถุมูทิตาก็เพลิดเพลินยิ่งนักก็หมายความว่าเพลิดเพลินยิ่งนักเพราะเสพคุ้นอย่างไรสัตว์นั้นก็ไม่เคยเบื่อหน่ายในสังสารวัฏที่ผ่านมานี่นะสัตว์ทั้งหลายน่ยติด ข้องในตันหาตายแล้วเพราะตันหาเนี่ยติดข้องในตันหาเนี่ยแล้วแล้วเราเราสังสารวัตรจนหาเบื้องต้นและที่สุดไม่พบเนี่ยนะก็เพราะสัตว์เหล่านั้นนะ่ะยินดีเพลิดเพลินในตันหาเหล่านั้นทีนี้การดิ้นรนต่างๆเหล่านี้เพราะอะไรเพราะหลักของการที่เราไม่รู้ตามความเป็นจริงของคําสอนใช่ไหมคือหมายความว่าอาวิชาเนี่ยแหละมันปิดทําให้สัตว์นั้นไม่รู้นะ เช่นกายกายโสุจริทธวจีสุจริทธมโนสุจริทธเนี่ยสัตว์นั้นควรจะได้แต่ไม่ได้อวิชาก็ปิดกระแสใจของสัตว์นั้นไม่เห็นสุจริทธส่วนกายยทสจริทวจีทสจริทธมโนทุจริทธสัตว์นั้นไม่ควรจะได้เลยใช่ไหมแต่เราท่านทั้งหลายก็ได้กันอยู่ทุกวันประกอบกันอยู่ทุกวันได้กายยทุจริตวจีทุจริทแล้วก็มโนทสจริทอยู่ตลอดเวลานั้นเพราะอวิชาก็เพระอวิชานี่มันปก ปิดหนังหน า, นานแน่นเลยเมื่อวิชาปกปิดอย่างหนานแน่นนี้แหละสังขารของสัตว์ทั้งหลายก็เป็นไปกับบุญและเป็นไปกับบาปก็ไม่เห็นทางอย่างการพ้นทุกข์นะสัตว์ทั้งหลายก็ดิ้นรนด้วยอํานาจของสังขารทั้งปวงนะย่อมสงบถามว่าสังขารเหล่านั้นจะสงบได้ด้วยอาศัยพระนิพพานนั้นเป็นอารมณปัจจัยแก่มรรคยา น, นันเบเสริฐนั้นนะ่ะนิพพานนั้นจึงชื่อว่าสัพพะสังขารสมถท สภาสังขารสมโถเป็นที่สงบแห่งสังขารทั้งปวงนั้นเป็นชื่อของพระนิพพานโดยสภาวะนะทีนี้ถ้าถามบอกว่าพระบรมศ า, ศาสดาตรัสพระนิพพานบอกว่าสับผูปะนิหรือสับผูปัติปตินิสักะที่สละอุปธิทั้งปวงนะ่ยกามูปฏิขันธูปฏิเป็นต้นเหล่านี้เพราะเป็นที่อาศัยสละปล่อยอุปธิคือกามแล้วก็ขันธ์เป็นต้นเหล่านี้ได้อย่างเด็ดขาด ตันหักยโยก็เป็นสิ่ง ส, ส, ส, สิ้นไปแห่งตันหาถ้าถามบอกว่าพระนิพพานที่พระบรมศาสดาทรงได้ตรัสรู้นั้นเป็นของที่ประเสริฐเป็นของที่ละเอียดนะสัตว์โลกนั้นไม่เห็นเมื่อสัตว์โลกนั้นไม่เห็นนั่นน่ะจะเข้าใจพระนิพพานของพระบรมศา ส, าสดาที่ได้แทงตลอดได้อย่างไรพระองค์ก็มาพิจารณาเนะีเออมาพิจารณาอย่างนี้นะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพรหมบอกว่า ขอให้พระบรมศาสดานั้นน่ยทรงเปิดประตูอมตะธรรมนะซึ่งถูกปิดมาอย่างยาวนานเธอว่างั้นนะพระบรมศาสดาก็บอกว่าอมตะอมตะสาธวาลังเนี่ยประตูแห่งอมตะธรรมก็คืออริยมรรคเนี่ยอันเปรียบเสมือนประตูทางเข้าอมตะธรรมกาวคือพระนิพพานก็หมายความว่าขอพระองค์เน่ยเปิดโปรดนะโปรดเนี่ยเปิดประตูใหญ่คืออริยมรรค คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะเนี่ยสัมมาวิมารสัมมาสติและสัมมาสมาธิบอกให้เปิดประตูใหญ่คืออริยมรรคเนี้ยประตูหรือทางเดินที่จะไปเข้าถึงนิพพานนครเนี้ยที่ปิดลงจำเดิมแต่การอันตรธานแห่งศาสนาพระกัสสป่าสัมมาสมุทรเจ้าด้วยพระหัตคือการเทศนาพระสัตธรรมด้วยเถอดคือประตูนี้นะถูกปิดมาอย่างยาวไกลแล้ว ศาสนาของพระบรมศาสดาเนี่ยผ่านมาหลายองค์ใช่ไหมเริ่มตั้งแต่พระตันหังกรเมธังกรตะรนางกรทีปังกรไล่มาตามลําดับเห็นไหมไล่มาตามลำดับเลยที่พระบรมศาสดา น, นี้หมายถึงนับเสียสง์ขายยิ่งด้วยแสนกับเนะืถ้าเป็นนับกรณีแห่งการที่ว่าไปถึงกรณีแห่งที่ว่าตั้งแต่ไล่มาตามลําดับมันยิ่งยากเลยไล่มาตามลําดับที่บอกว่าที่จริงบางแห่งนะ ถ้าเราไปสวดมนต์ในด้านของเวปสีสานมันดูจากกุมนตาสสิริมาโตเนี่ยเถ้าเราไปสวดบทอตาณติยาปริตเนี่ยเนีอันนี้ท่านกล่าวถึงการนอบน้อมพระฤาษีทั้งเจ็ดพระฤาษีทั้งเจ็ก็มีพระเวปัสีพรุทธเจ้าพระสิขีพุทธเจ้าพระเวสสภูพรพุทธเจ้า พระกูกูสันทัพดพระเจ้าโกนาเขามนะพระเจ้าแล้วก็กัดสปะาพทะเจ้าแล้วก็มาอังเีรสะพระพุทธเจ้าคือพระเจ้าองค์ปัจจุบันนี่นะองค์ที่7็ดพอดีเลยใครสาธยายได้ไหมวันนี้ได้ไม่ได้ไม่เคยสาธยายกันเลยจริงๆต้องสาธยายได้นะจะได้เห็นคุณของพระทเจ้าพระสาธยายวังสักเล็กแม้วันลองดูไหม เวปะเสสะนมันทูจากโคมันตาสสิริมโตสิกิสปินนามันทูนะฮสัมบภูตานุกัมปิโนเวสภุสันนามันทูนะฮะตะกาสะตะปันสิโน นามาตุกักุสันดสหมารเซนปมาดินโกนาคามนาสานามาทุบรมนาสวุสีมาโตกาสปัสนามาตุวปามุตาสัสับดีอังคิราสนามาทุ สกัญญาพุตธาสสิริมาโตโยมังดัมมาเดเสสีสับดุขาปนูดนังเยจ่าปิณิบพุตาโลเกยะธาผู้ตั้งวิปัสสุงเตชนะภิสุนามหันตาวิตาสารดา ที humanity, ่ตั้งเดวะมนุสานังยังนามาสันทิโคตะมังวิจาจรณสัมปันนังมหันตังวิตาสารดังวิจาจรณสัมปันนังบุตรทั้งวันดามาโคตมันตีสาธุสาธุสาธุตรงนี้ก็คือว่า ข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระวิปัสสิภูริเจ้าผู้มีพระปัญญาจักสุตผู้ทรงพระสิริขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระสิขีพูริเจ้าผู้มีปกติทรงขคาแก่สัตว์ทั้งปวงความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระเวสสภูริเจ้าผู้มีกิเลสอันล้างได้แล้วผู้มีตะบะความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระกุกุสันธาพูริเจ้าผู้ย่ำยีเสียซึ่งมารและเสนนา ความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระโกนาคมนะพุทธเจ้าผู้มีบาปอันลอยเสียแล้วผู้ทรงมีพรหมจรรย์นั้นอยู่จบแล้วความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระกสปะพุทธเจ้าผู้ทรงข้ามพ้นแล้วจากกิเลสทั้งปวงความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระอังคีรสะพุทธเจ้าผู้เป็นโอรสของสักยาราชผู้มีศีลพุทธเจ้าพระองค์ใดได้ทรงแสดงแล้วซึ่งธรรมนี้ เป็นเครื่องบรรเทาเสียซึ่งทุกทั้งปวงอันหนึ่งแม้ชนเหล่าใดเห็นแจ้งทำตามความเป็นจริงดับกิเลสแล้วในโลกชนเหล่านั้นไม่มีความส่อเสียดเป็นผู้ยิ่งใหญ่ด้วยคุณธรรมปราศจากความขรั่นครามพากันนอบน้อมอยู่ซึ่งพระเจ้าพราะองค์ใดผู้ทรงเป็นโคดมโครผู้เกื้อกูลเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้ทรงถึงพร้อมแล้วด้วยวิชาและจรณนะทรงเป็นผู้ยิ่งใหญ่ เป็นผู้มีความคลั่นคล้ามไปปราศจากแล้วไม่มีความคลั่นคลามแล้วข้าพเจ้าทั้งหลายข อ, อนมัสการพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงเป็นโคตรมโคตถผู้ทรงสมบูรณ์ด้วยวิชาและเจรณะพระองค์นั้นด้วยเสียนเก้าตรงนี้คือว่านี่แหละพระพุทธเจ้าแต่ละองค์แต่ละองค์ในอดีตนะไม่ว่าจะเป็นพระวิปัสสีพระสิกขีเวสภู กกสันธาโกนาะคมณนะกัสปะล้วนแต่เป็นบุคคลที่เปิดประตูอมตะธรรมแต่เมื่อสิ้นการศาสนาของพระเจ้าแต่ละองค์แต่ละองค์แต่ละอง ค, องค์ก็ประตูก็ถูกปิดเมื่อสองพันกว่าปีนูน้นก่อนที่พระรมศาสดาจะเสด็จอุบัติขึ้นตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณประตูก็ปิด สัตว์ทั้งหลายก็วิ่งพลานหาทางเข้าหาทางพ้นทุกข์กันไม่ได้วิ่งไปในพบน้อยพบใหญ่กระเสือกระสนหน้าก ร, รุณานักถูกราดลดด้วยสารพิษด้วยยาพิษกาวคือมิจฉาทิฏฐิสัตว์ทั้งหลายก็ติดมิจฉาทิฏฐิเสพคุณมิจฉาทิฏฐิในกระแสใจของสัตว์ทั้งหลายนันก็เต็มไปด้วยความเห็นผิดอย่างยาวไกลเลยไม่สามารถจะมีตาคือปัญญาเนี่ย มองเห็นทางเห็นความหลุดพ้นได้ถามบอกว่าที่นั่งนั่งกันทุกคนที่เกิดกันมาทุกคนเนี่ยทุกคนปรารถนาพ้นทุกข์ไหมปรารถนาพ้นทุกข์กันถึงนั้นแหละคนชั่วก็ต้องการพ้นทุกข์คนดีก็ต้องการพ้นทุกข์แต่ความคิดของว่าอะไรคือศกของแต่ละบุคคลมันไม่เท่ากันอยู่ที่ไม่เท่ากันนะเพราะสัตว์คิดด้วยด้วยมิจฉาทิฐิคิดด้วยความมิจนผิดมันหาทางออกไม่ได้เพราะไม่ได้เจอท่านผู้รู้มาวางแนวทาง ทีนี้พอเราเนี่ยไปเจอบุคคลที่ไม่ใช่พระบรมศาสดามาโปรโยสิ่งที่มันไม่ใช่พระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาก็มาบอกว่านี่นะเป็นทางเดินที่จะทำให้ทางพ้นทุกข์นะเราท่านทั้งหลายก็ไปเสพคุ้นกันมาอย่างยาวนานฉะนั้นถ้าเป็นคำสอนของพระเจ้าเนี่ยเราจะไม่ค่อยชอบฟังหรอกฟังแล้วมันปวดหูบ้างมันทุกบ้างมันทรมานใจบ้างหรือฟังแล้วมันไม่ค่อยเอือ้อเอื้อต่อการที่จะจะสนุกสนานใจเลยอะ แต่จะไปฟังสิ่งที่มันตรงกันข้ามกับพระธรรมคาสอนพุเจ้าเนี่ยพอฟังแล้วแม้มันรู้สึกชื่นใจเหลือเกินฟังแล้วมันประทับใจเหลือเกินเนี่ยนะนั่นคืออะไรไหรม ย, ยางยาวนานแล้วรัเหมือนร่างกายร่างกายที่ไม่เคยบริโภคอาหารดีๆเนี่ยรับประทานอาหารดีๆไม่ได้มันเคยกินแต่อาหารที่มันมีสารที่มันไม่ดีพอกินไปกินมามันก็เลยคุ้นเคยกับอาหารที่ไม่ค่อยดีเนี่ย แล้วก็สัตว์ทั้งหลายเอาอาี้นะยอมจะเอาอาหารดีๆไปให้หนอนมันกินเนี่ยมันไม่กินมันกินไม่ได้มันเหม็นมันอาหารต้องเป็นอาหารเน่าๆบูดๆเท่านั้นฉันใดสัตว์ทั้งหลายเนี่ยที่เต็มไปด้วยมิจฉาทิฏฐิทำทั้งหลายเอาธรรมะที่บริสุทธิ์เนี่ยไปประกาศเนี่ยเขาไม่ค่อยรับหรอกแต่ถ้าเป็นของอะไรก็แล้วแต่ที่มันเจือของบูดๆเน่าๆทั้งหลายเนี่ยเนียของแบบนั้นสัตว์ทั้งหลายก็พากันวิ่งพล่านเต็มไปหมดแหละ อย่าแปลกใจเลยมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นพระบรมศาสดาก็เห็นข้อเนี้เห็นว่าสัตว์โลกทั้งหลายนั้นอย่างยาวไกลแล้วเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่เห็นทางแห่งความพ้นทุกข์และพระธรรมของพระองค์โมศาสดาเนี่ยที่ทรงตรัสรู้ก็เป็นธรรมะที่ละเอียดสุขมุมอยู่เป็นธรรมะที่สะอาดบริจดบริสุทธิ์หมดจดอริยมรรคนั้นเปรียบเสมือนประตูทางเข้าอมตะคือพระนิพพานขอพระองค์ได้ โปรดเปิดประตูใหญ่เกลียดมรรักแห่งพระนิพพานในกรนี้ที่ปิดลงจําเดิมแต่อันตรธานแด่ศาสนากัสปะพระพุทธเจ้าที่กล่าวมามองค์ถัดไปมือาศาสนาของท่านปิดตัวลงตรงนั้นก็คือว่าด้วยพระหัตคำว่าพระหัตพระพุทธเจ้าก็คือเทสนานพระพุทธเจ้าในแทงตลอดสองส่วนหนึ่งปฏิเวท ธ, ธรรมจัก ปฏิเวท ธ, ธรรมจักที่พระบรมศาสดาสทรงแทงตลอดก็คือว่าทางตลอดอะไรใช่ไหมพระองค์มีจักคืออะไรมีจักคือสติปัฏฐานสี่สมปทานสี่อิทธิบาทสี่อินทร 5, ีย์ห้าภรรยห้าพชทชงเจ็ดอริยมรรคมีองค์แปดเนี่ยคือจักเนี่ยคือตัวธรรมจักของพระพุทธเจ้าสรุปลงคือศีลสมาธิปัญญาแต่นี้นะจักเหล่านี้ย คือพระ อ, องค์ได้แทงตลอดได้จากอันนี้ก็แทงตลอดพระธรรมเลยแทงตลอดขันธาตุอายตนะสัจจะอินทรีหมดเลยปฏิจจต่างแงตลอดทะลุทะลวงสรุปลงอริยสัจได้ตัดสูุเลยนั่นคือปฏิเวธธรรมจักทีนี้ปฏิเวธธรรมจักที่พระ อ, องค์ทรงแทงตลอดเนี่ยละเอียดสุ ข, ขุมลึกมากแต่ถ้าถามบอกว่าพระ อ, องค์จะเอาสิ่งที่ตนเองเห็นเนี่ยนะ ว่าคนที่จะสามารถเห็นได้จะต้องบ่มเพาะยานปัญญาไหมจะต้องเป็นคนสั่งสมบา ร, รมีมาใช่ไหมถึงจะเห็นได้แล้วสัตว์ทั้งหลายอ่ะส่วนใหญ่เนี่ยบ่มบา ร, รมีมาหรือไม่บ่มโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะถ้าหากว่าในยุคก่อนๆเนี่ยในยุคก่อนๆ ก, ก็น่าชื่นใจก็คำนวณสาวถีอ่ะประชากรเจ็ดสิบล้าน เฉพาะเมืองสาวัตถีไม่ใช่แฟนโกศลนะในตัวเมืองอเมืองสาวัตถีประชากรเจ็ดสิบล้านในจํานวนเจ็ดสิบล้านเนี่ยเป็นภาริยาเสียห้าสิบล้านอีกยี่สิบล้านเนี่ยไม่ได้เป็นภาริยะเอาประเทศไทยตัวเมืองหลวงสิบกว่าล้านประชากรทั้งหมดหกสิบกว่าล้านลองหาภาริยาสิในสักล้านไหมเนี่ย นี่คือปัญหามีปัญหาแล้วเพราะว่าพระธรรมเนี่ยพอระยะการเวลานยาวไกลเนี่ยการศึกษาละเลยการปฏิบัติละเลยการเข้าถึงไม่ต้องพูดยิ่งการศาสนาที่มันรุ่มรุ่ ม, มดอนดอ น, ดนพระธรรมคาสอนพระเจ้าที่มันลุ่มรุ่มดอนดอ น, นเนี่ยแปลว่าไม่มาไปพูดถ้าสิกขาสาม เก้าคือศีลสมาธิปัญญาเดินอยู่ในกระแสใจองโยมได้นะเดินได้เดินได้จริงนะศีล ส, สมาธิปัญญาสามารถเกิดในใจได้จริงแล้วใช้ได้จริงทุกียาบททุกคําพูดทุกการกระทําที่ออกไปศิกขาสามเดินได้มีศีลกํากับมีสมาธิปัญญากํากับในการยืนเดินนั่งนอนได้จริงแปลว่าตอนนั้นเน่ยโยมกําลัง ทำศาสนาให้หมุนในใจทำปฏิเวท ธ, ธรรมจักรระดับล่างๆก็ได้ให้หมุนอยู่ในใจไม่หลุดไปจากใจและโยมเองเชื่อว่าเป็นผู้ไม่ตกจากศาสนาและศาสนาก็รักษากระแสขันของโยมและโยมนั่นแหละเป็นผู้สืบทอดศาสนาถ้าโยมจะตายไปเนี่ยโยมสามารถจะบอกกับลูกได้ลูกในช่วงชีวิตของแม่เนี่ยศาสนาไม่เสื่อม จากใจของแม่ถ้าแม่ตายไปเนี่ยแม่ก็จะรักษาพระธรรมคำสอนของแม่ตามอัธยาศัยทุพภพแต่ถ้าศาสนาในในประเทศไทยมันจะเสื่อมมันไม่ได้เสื่อมเพราะแม่มันไม่เสื่อมเพราะป้า ม, มันไม่เสื่อมเพราะพ่ อ, พ อ, พอแต่มันเสื่อมเพราะพวกเองไม่สามารถจะสืบทอดศาสนาลงสู่ใจนำไปเป็นข้อปฏิบัติได้ ฉะนั้นคําว่าธรรมาศาสน า, ศ า, ศาจเจริญแล้วมันจเจริญอยู่ตรงไหนมันจเจริญอยู่ในขันธาตุอายตนะของแต่ละบุคคลมันจเจริญอยู่ที่กายวาจาใจของแต่ละบุคคลนะไม่ใช่ไปจเจริญอยู่พุทกุติวิหารหรือพระสองฆ์องค์กระา้ากฉะนั้นถ้าอาวมานี่สามารถเดินได้สมมติถ้าอาวมาเดินาศาสนาเดินศิกขาสามในใจได้นะถ้าอาวมาจะล้มหายตายจากจะพบนี้อาวมาจะบอกบอกเลย บอกว่าศาสนาไม่ได้เสื่อมยุคอาตมานั้นเสื่อมยุคที่เราจะสืบทอดต่อไปต่างหากมาทำหน้าที่เองตนเองบริบูรณ์แล้วแต่พวกท่านทั้งหลายต่างหากไม่ทาหน้าที่ไม่ทำศาสนาให้เดินขึ้นในใจใช่ไหมอันนั้นท่านต้องรับผิดชอบเนะว่าท่านไม่ได้สืบทอดพระศาสนาคำสอนของพระบรมศาสดาเองท่านต้องไปคิดว่าทาไมศาสนาคือปฏิเวทธรรมจักระดับโลกียะ ทำไมหมุนในใจได้ไม่นานเนี่ยมันทำไมหลุดอยู่เรื่อยหลุดอยู่เรื่อยมันอะไรต้องไปคิดที่กำลังวิ่งหาอะไรกันอยู่เนี่ยต้องไปคิดว่าอะไรมันมันมันเกิดขึ้นในกระแสใจเราท่านทั้งหลายนั้นถ้าเราทำหน้าที่แล้วเราเดินสิกขาสามในใจได้แล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลแล้วถ้าคนที่จะทำให้าศาสนาเสื่อมไม่ใช่ยอมแล้วใช่ไหมมันบุคคลอื่น พราะเราสามารถทรําสิกขาสาให้เดินในใจเราได้จริงออกมาเป็นข้อปฏิบัติได้จริงแล้วก็ภูมิใจในชีวิตชีวิตก็ภูมิใจแต่เราจะตายก็ตายอย่างชื่นใจเพราะชาตินี้เราได้ทําตามพระธรรมคําสอนของพระบรมศาสดาแล้วและเราได้ประโยชน์ได้ดื่ ม, มรสธรรมรสอัทธรสแม้ระดับโลกียะหรือถ้าบริบูรณ์ได้ประชมในโลกุตละได้ก็นับว่าเป็นบุญแล้ว ตรงนี้ต่งหากทีนี้พระบรมศาสดาเนี่ยเทศนาตอนนั้นพระองค์ยังไม่ประกาศเทศนาธรรมจักรพระองค์นั้นทรงแทงตลอดปฏิเวทธรรมจักรโดยโลกุตละปฏิเวทานี่มีสองส่วนนะโลกิยปฏิเวทากับโลกุตละปฏิเวทานะพระบรมศาสดานั้นแทงตลอดทั้งโลกิยาและโลกุตละคือประชุมในโลกุตละปฏิเวทายานได้ดวยการบ่มเพาะบารมีอย่างยาวไกล ได้แต่พระ อ, องค์ยังไม่ประกาศเทศนาธรรมจักรเพราะเห็นความลึกซึ้งที่พระธรรมที่ตนเองทําไมพระบรมศ า, ศาสดาจึงพิจารณาแล้วถึงขวนขวายน้อยดังกล่าวเพราะพระ อ, องค์เห็นว่าพระธรรมที่ทรงทรงตัดสรู้นั้นเป็นธรรมที่ละเอียดพอพิจารณาความลึกซึ้งของธรรมก็ลึกซึ้งจริจงๆจิตก็น้อมไปเพื่อความขวนขวายน้อยนั้นประการหนึ่งและต่อมาก็พรมก็ราตนาดังกล่าวสนุนันดูธรรมัง วิมเมนานุพุทธังที่ว่าขอสัตว์ทั้งหลายจงฟังธรรมที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าผู้หมดจดมุนทินตรสรู้แล้วตามลําดับหลังจากนั้นพระบรมศาสดา ก, ก็รับประรัธนาพอรับประราธนาจากท้ามหาพรหมเบ็เสร็จแล้วเนี่ยท้ามหาพรหมก็ประกาศเลยบรรดาผู้ที่นับถือพรหมทั้งหลายจงฟังทั้งนี้เคือพรหมประกาศแท้จริงพรหมประกาศตรงนี้นะพวกเราก็ไปขยายพรหมเนี่ยนะท่านประกาศ ท่านทั้งหลายที่นับถือผู้สร้างทั้งหลายเนี่ยท่านผู้สร้างประกาศเมื่อสองพันกว่าปีตอนที่พระบรมศาสดาตดรัสรู้ใหม่ๆพรมทั้งบอกว่าพรมท่านประกาศบอกว่าขอสัตว์ทั้งหลายจงฟังจงฟังจงใส่ใจในนะในพระธรรมที่พระบรมศาสดาสัมมาสมัมพุทธเจ้าผู้หมดจดจากมุนฑินมุนทินคือกิเลสคือราคาโทสาโมหะบอกท่านผู้นี้ยข้าไปเจ้ารับรอง พรมเนี่ยรับรองพุทธา้าพรมพรมบอกว่าท่านไม่ต้องมาเชื่อถือเราว่าเราเป็นผู้สร้างเพราะเราก็นับถือพุทธา้าฉะนั้นท่านทั้งหลายจงฟังข่าวพยาวนี้แล้วจงน้อมไปฟังพุทธา้าถ้าท่านทั้งหลายที่นับถือข้าวพยาอยู่เข้าใจใช่ไหมพรมก็ประกาศพรมก็ประกาศเลยบอกว่าจงไปฟังพระธรรมพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้หมดหมวลทินบอกครับ พุทเจ้าจีหมดมณทินจริงๆแล้วสามารถที่จะทําให้ท่านหมดมณทินได้เราไม่สามารถทําให้ท่านหมดมณฑินได้เนี่ยพรหมประกาศอย่างนั้นหมายความว่าเท้ามหมาผมทูลอ้อนวอนบอกข้าแต่พระพุทธเจ้าขอสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้จงสดับพระสัตธรรมทั้งสประการที่พระพุทธเจ้าเนี่ยผู้หมดมณทินนะปราศจากมณทินอันมีราคาเป็นต้นตรัสรู้แล้วตามลําดับก่อก็คือบอกว่าขอให้พระพุทธเจ้าแสดงอริยสัตว์นะ แสดงอริยาาสัจสี่ถามว่าพระเจ้าตรัสรู้อะไรตรัสรู้อริยสัจก็เถียงกันนี่แต่เนี้ยพระเจ้าตรัสรู้ปฏิจจ า, ร, ออ ร, า, ารือริยาาออสัจบอกตรัสรู้อริยสัจอีกคําสอนหนึ่บอกปฏิจจสมบัติแท้จริงพระเจ้าพิจารณาอริยสัจหรือพิจารณาปฏิจจสมบตัติแล้วก็ไปชมรงอริยสัตว์อันเดียวคนนีไ้ไมไ่ต่างกันหรอกใช่ไหม แต่ในยะการเทศนาพระองค์จะเทศนาลักษณะไหนตรงนี้เลยนะก็พุทธเจ้าก็อระพราหม์เนี่ยจะเรียกพรธเจ้าบอกว่าโดยมากจะเรียกพระเจ้าว่าสั ม, มโนโคธโมเนี่ยร ม, มโนาโคโดมคือพระธเจ้านั้นผู้มีพระคธรรมพุระเจ้านี่มีบุญพิธิหานหกประการเนี่ย ในชั้นทางอริท่านจะขยายไว้อิสริยะธรรมะยศาสสริกามไมาแล้วก็ปะยะัตตะอิสริยะก็คือพระบรมศาสดาเนี่ยมีความเป็นใหญ่สามารถเข้าพระสมาบัติได้อย่างช่ำชองเิรมิต ร, ร่างกายเล็กเป็นอนูหรือทำใหเ้เหาะไปในอากาศเป็นต้นได้ธรรมะหมายถึงพระบรมศาสดานั้นแทงตลอดโลกุตรธรรมเามรรคสี่ผลสีนิพพานหนึ่งได้โดยตนเอง แล้วก็รู้ว่าสามารถจะเอาโลกุตรธรรมเนี่ยให้ใครได้พุทธเจ้าแจกได้นยยังเราเนี่ยแจกไม่ได้พุทธเจ้าแจกโลกุตรธรรมเลยยะสาก็คือเกียรติยศที่บรรลุด้วยคุณธรรมที่มีจริงพระเจ้ามียศจริงเนี่ยสิริก็คือว่ามีสิริมงคลทางโู้วกรากายที่บริบูรณ์ด้วยลักษณะสามสองไรนุเบเยชนับแปดสิบกามะเนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยปรารถนาในการทําประโยชน์ตนประโยชน์พรุทธเจ้าปรารถนาอะไรสําเร็จเนะี่ย ปะยัตาก็คืออุตสาหานี่แรงมากคนที่จะสามารถระดับยิ่งใหญ่อย่างพระุทธเจ้าต้องบรรลุระดับว่าเป็นระดับที่ว่าพระเจ้านะถึงจะสามารถบรรลุถึงความอุตสาห์นั้นพระองค์เลยไม่มทอ้อถามว่าทําไมพระองค์ถึงเหมือนขวนขวายน้อยไม่ใช่พระองค์ท้อในการจะกล่าวประธรรความเป็นใหญ่ที่ยิ่งยวดเนี่ยนะยอดเยี่ยมในจิตของตนมีอยู่แก่พระองค์ แม้การเนลมิตร่างกายเล็กและอนูเป็นต้นก็ปรากฏในโลกมีอยู่แก่พระองค์ข้าพระองค์ผู้เป็นใหญ่ยิ่งข้าพระเจ้าขอนอบน้อมตรงนี้ก็เป็นคาถากล่าวนอบน้อมอันมาจะไม่นั่นจะตัง น, นจะช้าไปนะเป็นไปตามลําดับก็คือว่าพระบ ร, รมศาสดาก็คือหลังจากรับอาณาจนาจากพรมแล้วเนี่ยนะต่อมาผู้ทีเจาเ้าก็ไปพิจารณาพูทีเจ้าแล้วก็เป็นดังที่ได้กลา่าวพระเจ้านั้นมีพระปัญญาจากสุข มีอินทริย์ปรโปรปริยัติยานปัญญาที่รู้ความอ่อนความแก่ของอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายเป็นต้นด้วยอาศัยานุส ย, ยานปัญญาที่รู้อัตยาศายอนุสัยอย่างแท้จริงเป็นพุทธจักสูเป็นต้นเหล่านี้นะเป็นชื่อของสมันตาจักสูก็เป็นชื่อของสัพพยุตยานพระเจ้ามีสัพพยุตยานสั่งทำมาจักสูเป็นชื่อของมรรคยานชั้นต่ำสาประเภทอัประชักขะผู้มีทุรีกิเลสในจักสูน้อยหมายถึงอะไร คือราคาโทสะโมหะเป็นต้นน้อยในปัญญาจักรสูตรตามที่ได้กล่าวเนี่ยมหาลชัชขาก็คือผู้มีทุรีคือกิเลสในจักรสูตมากคือราคาโทสะโมหะมากถ้าถามบอกว่าอย่างเราเนี่ยมีราคาโทสะโมหะมากหรือน้อยเนี่ยเขาไปพิจารณาพุทธเจ้าก็จะพิจารณาเราเรียบร้อยแล้วในกระแสขันา ธ, ธนาตุอายตนะของเราติขินทริยะก็คืออินทรียก้าหรือมูทินทริยะอินทรีย์อ่อนถ้าศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญา อ่อนหรือกล้าเนี่ยพระพุทธเจ้าก็พิจารณาสวาการะผู้มีอาการดีอาการในที่นั้นเป็นชื่อของสัตถาเนียโยมเป็นคนมีอาการดีไหมเนี่ยเจ้าหน้ากันก็ถามเป็นไงตอนนี้อาการดีหรือเปล่าก็ถามกันนี่อาการดีหรือเปล่าก็ถามคําว่าอาการเนี่ยแปลว่าถามถึงสัตถานียถามถึงศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนะคยคำว่าอาการในที่นั้นถามดรื่อาการใช่ไหมถามว่าอาการดีไหมตอนเนี้เอาบางคนโกรธง่ายเนี่ยอาการดีไหม ไม่ค่อยดีนะโรบง่ายก็อาการไม่ค่อยดีหลงง่ายอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นคนที่หงุดหงิดฟุ้งซ่านง่ายๆ ง, ง่วงง่ายๆนี่ก็เรียกอาการไม่ค่อยดีคนที่นั่งหลับนี่ก็เรียกอาการไม่ค่อยดีนะเขาเรียกศรัทธาไม่ศรัทธาอ่อนวิริยะอ่อนไหมคนหลับนี่วิริยะอ่อนด้วยไหมวิริยะอ่อนสติอ่อนไหมสมาธิอ่อนไหมปัญญาก็อ่อนใช่ไหมปัญญาก็อ่อนอ่อนหมดเลย บอกว่านี่เขาเรียกว่ากลุ่มคนที่มีกลุ่มมุติธินทร ر ยะก็คือพวกอินทรีออนกลุ่มอินทรีออนเนี่ยไปที่ไหนก็คอผ้าคอเวียนก็คือเอาถ้าเกิดความง่วงทําไงเขาบอกให้มนสิการธาตุสามประการอรระธาตุนิกรมธาตุปรากกรมธาตุคือตรึกถึงความเพียรเริ่มต้นว่าจะออกจากมันให้ได้แล้วก็ก้าวออกจากความ ม่วงเหงาหานอนหรือออกจากความเกียดชันไ ด, ได้แล้วก็เพียนก็ถึงความเจริญจยิงๆขึ้นไปเป็นป ร, กรากมรรธาเลย ส, สุวินยาปยักก็คือผู้สอนให้รู้ได้ง่ายกับสอนที่รู้ทั้ได้ยากคืออย่างเราเนี่ยสอนให้เข้าใจง่ายหรือสอนให้เข้าใจายากประเภทไหนง่ายเนาะ <laughs> สอนง่ายหรือสอนยากอะ่ะ ผู้สอนให้รู้ได้โดยง่ายกำหนดรู้เรื่องที่กล่าวสามารถเข้าใจได้ง่ายอ่ะคือพอพูดปุ๊บนี่เข้าใจแม้ถ้าหากไปเจอคนที่สอนง่ายเนี่ยมาชื่นใจยังเวลาพูดไปแล้วใช้สั์ก็ไม่ค่อยว่ากันเนี่ยเนียก็อีกอย่างหนึ่งผู้มีปกติเห็นประโลกและโทษด้วยความเป็นภัยเราเราเห็นโลกนี้ด้วยความเป็นภัยไหม ว่าเต็มไปด้วยกันดานเต็มไปด้วยชาติภัยชราภัยปยาทิไทยมรณะภัยมเห็นไหมว่าภัยเต็มไปหมดเลยเห็นไหมบอกโอ้โหเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเป็นต้นที่มาประชมกันนี้ล้วนจะเป็นภัยทั้งนั้นเลยเป็นตัววิบัติทั้งนั้นเลยที่มาประชุมกันคือเห็นอย่างงี้ไหมถ้าเห็นอย่างนี้แสดงว่าเห็นเนี่ยโลกภายในโดยความเป็นภัยได้แล้วเห็นโลกภายนอกก็เต็มไปด้วยภัยเลยเนี่ยแล้วก็เห็นปาโลก ที่จะไปในเบื้องหน้าก็คือไปสู่ภัยคือชาติภัยชราภัยพยาธิภัยมรณะภัยตรงนี้ก็พระบรมศาสดาก็พิจารณาที่ได้กล่าวแล้วอุคติตัญยูวิปจิตันยูเนยนยะและกัประทปรมาเป็นไปตามลําดับก็ไปพิจารณาแยกแยะกลุ่มบุคคลเหล่านั้นนะนะประการต่อมาก็ไปพิจารณาถึงอาราดาดาบทและอุทกาดาวบทใช่ไหมพิจารณาเออท่านผู้นี้เป็นบัณฑิตนะ ถึงพร้อมด้วยความฉลาดคือมีปัญญาเป็นผู้หูสูดในธรรมที่จะบรรลุอันสำเร็จจากการเข้าพระสมาบัติได้นั้นถ้าบุคคลเหล่านี้ได้ฟังธรรมที่เราแสดงแล้วน่าจะได้บรรลุเป็นต้นเหล่านี้นะก็ไปพิจารณาเนะี่ยเป็นผู้ที่ถึงพร้อมเฉียบแล้วมีปัญญาที่ลงรักษาบรรลุสมาบัติดังกล่าวเมธาวีก็ เ, เรียกมีปัญญาดีผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาเกิดขึ้นแล้วตามฐานะมีไหวพริบทันเหตุการณ์โดเฉพาะหน้าเป็นต้นได้นะ ประการต่อมาก็คือว่าผู้ที่ถึงพร้อมด้วยปัญญาคือตีใหตุกับปฏิสนธิเกิดมาด้วยความไม่โลภความไม่เกิดแล้วความไม่โกรธแล้วก็ปฏิมาสนธิมาด้วยปัญญาเอาคนบางคนเนี่ยเกิดมานี่มีเหตุสามนะความไม่โลภด้วยไม่โกรธด้วยก็ปัญญาเกิดมาด้วยเห็นไหมอัธยาศัยของคนบางคนเกิดมาไม่โลภเนี่ยอัธยาศัยไม่ค่อยติดข้องหรอกแล้วก็ไม่โกรธด้วยมีเมตตาแล้วก็ปัญญาก็ดีด้วยไหมเรียนอะไรเข้าใจง่ายตั<ส> um> ้งแต่เ <bild> ด็กๆเลยเป็นไหม เป็นแบบนั้นบ้างป่าหรือไม่ค่อยมีวิแววเลย <c oughs> ไม่ค่อยมีวิแววเลยอามาก็เป็นงั้นแหละไม่ค่อยมีวิแววเท่าไห้่อามาเนี่ยรู้ไปรู้ตัวเอง เ, เป็นคนมีวิจิกรคฉชาเยอะตอนเด็กๆอามาคนที่สงสัยอามาสงสัยตัวเองเด็กๆเอ๊ะรามาจากไหนเนี่ยอไปดูความสงสัยสิโฟกการนี่เราชัดเลยแต่ก่อนไม่รู้ไง ใช่ไหมเรามาจากไหนเราจะไปไหนเนี่ยอไปสงสัยแบบนี้ยตอนเด็กๆนะว่างๆก็วิ่งออกไปข้างนอกบ้านแล้วก็ไปนอนนอนดูดวงจันทร์แล้วอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไปสงสัยเรามาจากไหนเนี่ยมันที่อยู่เรา่เนี่ยแล้ ว, ว, ลวเราจะไปไหนไปต้อนอะไรนี่กลุ่มนี้คือกลุ่มมีวิจิกิจฉาเยอะกลุ่มเหล่านี้กลุ่มมีวิจิกิจฉาเยอะลังเลสงสัยตรงนี้ก็คือกลุ่มอปปราชกกะ ชาติกาผู้มีทุลีคือกิเลนะสในจักรสูน้อยเป็นปกติมานานก็คือมีบุคคลที่บริสุทธิ์ไม่มีกิเลสนะข่มกิเลสได้ด้วยสมาบัติฉะนั้นอย่างอาราและดาบทและอุทะกาดาบทเนี่ยกลุ่มเหล่าเนี้มีกิเลสในปัญญาจากักรสูน้อยบุคคลเหล่าเนี้ยนะเขาสามารถที่จะรู้พระธรรมได้ตรงนี้แม้พระบรมศาสดาทรงทราบก็หมายความบอกว่าตอนนั้นนะ่นะ ท่านก็มาพิจารณาด้วยสัพพยุตยานบอกว่าพระองค์ก็คือเทวดาก็มาบอกบอกว่าถึงแก่กรรมในวันที่เจ็ดล่วงมาแล้วก็บาบอกงั้นนะแล้วก็ไปถือปฏิสนธิในอากินจัญญายัตนาพลมไปถามถึงเนี่ยท่านก็ดูด้วยสัพพยุตยานท่านก็บอกโอ้ท่านถึงใช้ศัสต์บอกว่ามาหาชนิโยะผู้มีความเสื่อมอย่างคืออรันระดาบทเป็นต้นแล้วเนี้ยนะเป็นโตนดังกล่าวตรงเนี้เมื่อต่อมาก็ไปพิจารณาถึง ประกาศดาบทเป็นต้นเหล่าเนี่ยนะอันนี้ก็เรียบร้อยเหมือนกันในที่สุดจริงๆท่านเหล่านั้นก็ไปเกิดในเนวัสัญญานาสัญญายาตนาพรมพระเจ้าก็ใช้คําดังกล่าวแล้วมหาชนิโยเป็นผู้เสื่อมวิบัติและการไปเกิดในอรู ป, ปรภูมิเนี่ยเป็นความวิบัติอย่างยิ่งแล้วต่อมาพระบรมศาสดาก็พิจารณาเห็นปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเป็นต้นเหล่านั้นะแล้วในที่สุดตรงนี้ก็คือว่าพระพุทธเจ้าก็พิจารณา และในส่วนจริงก็ที่ว่าจะไปโปรดปัญจวักขีทั้งห้าแล้วก็ครั้งที่แล้วก็ได้พูดถึงในลักษณะที่พรบรมศาสดาเมื่อเสด็จไปแล้วก็ไปเจออุปกาชีวกนั่นแหละนะไปเจออุปกาชีวกในระหว่างทางที่ทรงพบกับอุปกาชีวกนั่นแหละนะตรงนั้น น, นแหละที่ว่าพระพุทธเจ้าก็มา มาพิจารณาเป็นไปตามลำดับที่บอกว่าอุปการชีวกได้พบพระบรมศาสดาเสด็จดำเนินระหว่างทางน้ําไำแม่น้ําขยาและต้นโพธิพุกครั้นแล้วก็ได้กราบทูลว่าดูก่อนนวุโสท่านบวชอุทิศใครใครเป็นศาสดาของท่านหรือท่านชอบใจของธรรมของผู้ใดเมื่ออุปการชีวกกราบทูลอย่างนี้กับพระบรมศาสดาแล้วพะพุทธเจ้าก็ได้ตรัสตอบบอกว่าเราเป็นผู้ครอบงำธรรม ท, ทั้งปวงรู้ธรรมทั้งปวง อันตัรหาและทิฏฐิไม่ชาบทาแล้วในธรรมทั้งปวงละธรรมเป็นไปในภูมิสามได้หมดกิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดในภูมิในการมาภูมิรูปภูมิและอรูปภูมิเรากําจัดได้หมดแล้วเราพ้นแล้วจากความสิ้นไปแห่งกรร ม, มาตันหาภพะว่ันหาวิภพะว่ันหาเราตัดทารุยิ่งด้วยตนเองนี้จะพึงอ้างไทยเล่าว่าเป็นอาจารย์ของเราบอกว่าอาจารย์ของเราไม่มีบุคคลเสมอเราไม่มีในโลกพร้อมทั้งเทวโลก เพราะเราเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดายิ่งเป็นบอกว่าหาเราเป็นศาสดาหาศาสดาอื่นยิ่งกว่าไม่ได้เราผู้เดียวเป็นสัมมาสัมพุทธะเราเป็นเราผู้เดียวเป็นผู้เย็นเป็นผู้ดับกิเลสได้เราจะเป็นแฟนกาสีเพื่อประกาศธรรมจักรให้เป็นไปเราจะตีกองอมตะธรรมในโลกอันมืดเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายได้ธรรมจักสุขนี่ยพระเจ้าก็บอกว่าพระเจ้าจะไปลั่นกองธรรมจักนะไปลั่นกองธรรมจักก็คือว่า ตรงเนี้ยพระเจ้าประกาศบอกว่าเราเนี่ยได้บรรลุปฏิเวทธรรมจักแล้วทั้งตลอดสัจจะได้ด้วยตนเองอย่างนี้จะอ้างใครว่าเป็นอาจารย์ใช่บางสํานวนท่านใช้คําบอกว่าคือคืออุปกาศถามพระเจ้าสหายท่านมีนามว่าอะไรใช่ไห ใครเป็นอาจารย์ของท่านท่านชอบใจของท่านทําของท่านบุทธะนี่ใช่ไหมพุทเจ้าอกดูก่อนอุปการเราเนี่ยเป็นผู้เรามีนะว่าในจินเนี่ยเป็นผู้ครอบงําแห่งสังสารและจักได้แล้วด้วยตนเองด้วยเต็มที่จะพึงอ้างใครเราว่าเป็นอาจารย์ก็แปลว่าอุปการก็ทูลหลังจากนั้นพระบรมศาสดาก็บอกว่าอุปการก็ทูลบอกว่าท่านปฏิญญาโดยประการใดท่านก็ควรเป็นเช่น ที่สุดหาไม่ได้ก็หมายความว่าก็ถ้าท่านปฏิญญาอย่างไรถ้าคนเช่นท่านก็สมควรที่จะเป็นอย่างนี้เป็นต้นแล้ว ก, ก็หลีกไปตรงเนี้ยที่ได้กล่าวกันในครั้งที่แล้วบอกว่าพระบรมศาสดานั้นได้ประทับประทับความรู้สึกหรือประทับพระธรรมไว้ในใจของเขาอุปการเรียบร้อยแล้วแล้วในสื่อจริงๆต่อมาอุปการก็ได้ฟังทำและได้บรรลุเป็นพระนาคาในการต่อมานนั้นเป็นต้นอันนั้นไม่ได้กล่าวในตอนนี้ครั้งที่แล้วได้กล่าวอย่างนี้ บุคคลเหล่าใดถึงพร้อมในการสิ้นอาสวะเป็นต้นเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ที่ชนะเช่นเราดูก่อนอุปการเราชนะทำอัลลามกแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงชื่อว่าเป็นผู้เ ป, เป็นผู้ชนะเมื่อพระเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วอุปการก็ก็ทูลว่าพึงเป็นผู้ชนะเถิดท่านผู้มีอายุนยีแล้วก็สั่นศีรษะแล้วก็แยกทางหลีกไปพระเจ้าบอกว่าอาจารย์ที่สอนให้เพราะ คำว่าอาจารย์ของเราไม่มีนั่นน่ะในชั้นของอาาัตถกถาท่านบอกว่าอาจารย์ที่สอนให้พระองค์บรรลุโลกรุตรธรรมนะ่ะไม่มีการบรรลุมรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งนั้นน่ะพระองค์บรรลุเองไม่ได้ฟังจากบุคคลอื่นนะโดยความหมายตรงนั้นนะ่ะเป็นไปในลักษณะอย่างนี้ตรงนี้ก็คือว่าในการนั้นนะ่ะนะที่บอกว่าเมื่อพระบ ร, รมศาสดาแยกทางจากเอ อุปกาชีวกแล้วเนี่ยนะต่อมาพระพุทธเจ้าก็เสด็จเป็นไปตามลำดับที่จะไปแคว้นกาสีนั่นแหละไปแคว้นกาสีเพื่อจะไปประกาศพระธรรมดังกล่าวนั่นแหละทีนี้บอกว่าในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าในกรณีที่พระบรมศา ส, าสดาทรงเสด็จดำเนินใช่จากพุทธกายาเนี่ยถึง ถึงพราณาสีเนี่ยประมาณสิบแดโยนทีนี้ในระหว่างแม่น้าขยาและต้นโพอ่ะสามคาวุธเป็นหุนทางไกลสามคาวุธเน่เทียบได้กับสิบสองกิโลเมตรท่าว่างั้หนึ่งคาวุธก็เทียบได้กับแปดอุสุภะแปดอุสุภะถ้าเขาตั้งกันก็คือว่าเจดศอกนก็เท่ากับหนึ่งยัดยัดที ย0่ิยัดิก็คือประมาณ1อุสุภาก็คือโคนะอุสุภาก็1นคาวุธถ้า4ี่คาวุธก็เป็น1โยธเช่มั้ยฉะนั้นถ้าหากว่าสมคาวุธก็อยู่ประมาณ12โยธมั้ยประมาณนั้นประมาณ12อโยธทั้งนี้ก่อนที่จะเจออุปการไงเพราะออกจากไอ้พุทธกยาเป็นต้นเหล่านี้ก็เจออุปการ ก, ก, ก็ประมาณ3คาวุธก็ประมาณ12กิโลเมตร ดรงนั้นก็คือว่าพระบรมศาสดาบอกว่าสัพภาพิภูก็คือครอบงำเนี่ยนะท่านบอกว่าท่านเป็นผู้ครอบงาำทำทั้งปวงก็หมายความบอกว่าท่านกิเลส ท, ที่เป็นไปในโลกสามในกาลมภู ม, รภมิรูปภูมิรูปภูมิทั้งหมดสัพพาวิทู ก, ก็คือรู้ทำทั้งปวงรู้ธทำที่เป็นไปในกาลมภู ม, รภมิรูปภูมิมารูปภูมิแล้วก็โลโลกุตระภูมิทั้งสิน้นอันรายละเอียดมายัางไม่แจกตรงเนี้นะต่อไปก็เป็นเรื่องของในกรณีที่จะศึกษาในเรื่องของธรรมจักรกับวัตนสูตร ที่จะเข้าในเนื้อหาสาระนั่นน่ะในการศึกษาคำสอนดังที่ได้กล่าวว่าเมื่ออุปกาชีวกนะผ่านกับพระบรมศาสดาพระบรมศาสดาผ่านอุปกาชีวกเป็นเสร็จแล้วพวกผู้เป็นภาคเจ้าก็จาริกเพื่อจะไปประกาศพระธรรมให้กับบรรดคขีทั้ง5้าดังกล่าวดังกล่าวนั่นแหละทีนี้พอถึงในตอนนี้ก็คือว่า ในครั้งที่แล้วก็พูดถึงในเรื่องของว่าพระบรมศาสดานั้นมีสุรเสียงที่ตรัสบอก ก, กันกับปัญจวัคคีทั้งห้าที่ต่อมาเนะี่ยปัญจวัคคีทั้งห้าว่าเห็นพระพุทธเจ้าก็ใช้คําว่าอาวุโสใช่ไหมสมเด็จพระผูทิภาคเจ้านั้นได้ประทับปัญจวัคคีทั้งห้าเนี่ยนะนะก็เรียกพระบรมศาสดาว่าอาวุโสพระพุทธองค์ก็ไม่ทรงปริวิตรก ว่าปัญจวัคคีย์พิกขุเนี่ยเป็นชาติพราหมณ์ออกบวชบรรพชาเนี่ยก็ยคือบอกว่าท่านตาหนิพระพุทธเจ้าเลยนะทีแรกนะตำหนิบอกว่าพระบรมศาสดาเนี่ยนะที่ว่าออกบวชมาแล้วก็ขนาดละการทรมานร่างกายของตนเองอย่างนั้นจะได้ตัดสรู้ได้อย่างไรเราตถาคตเป็นขัตติยะชาติอันสูงสุดอันสูงสักนะ แต่ว่าปัญจวัคคีย์เรียกเราว่าเอาโศเช่นนี้ไม่สมควรหนักหนาปัญจวัคคียนะ์เนี่ยหยาบช้าดูถูกดูหมิ่นเราผู้ระถาคตพระ อ, องค์ไม่ได้โทมนัสขัดเคืองน้หามิได้นะพระไทยของพระ อ, องค์นั้นเน่ชื่นชมด้วยกำลังของมหากรุณามีพุทธดีกาตรัสแก่ปัญจวัคคีย์พิกขุด้วยสัพพะวาจานอ่อนหวานว่าพิกเวบอกวดูก่อนภิกษุทั้งหลายเนี่ยนะมาสมุดจระะ ท่านทั้งปวงอย่าเรียกตถาคตว่าเอาโสไม่สมควรเลยตถาคตนี้ได้บรรลุปรมาพิเศษสัมมาสัมพธิสยานประหารซึ่งกิเลสทั้งปวงได้แล้วสัมมาสัมพุทโธตถาคตนี้ตะะรัสรู้สัพเพเยยธรรมทั้งปวงใช่ไหมตะะรัสรู้เนี่ยสังขารวิการละขณะนิพพานบัญญัติได้หมดแล้วตะะรัสรู้ขันธ์ธาตุอยายตนะสัจจะอินทรีย์ปฏิจจได้เกลี้ยงแล้วโอท่หัตถ์ท่านทั้งปวงจงเงี่ยโสดลงสดับนะ รับฟังพุทธโอวาทของตถาคตแล้วจงปฏิบัติตามเถิดท่านทั้งปวงจะได้ตัดสรุรรมอันพิเศษอันกุลบุตรในบนรรปชาในพุทธศาสนาแล้วจะพึงได้ซึ่งธรรมที่เป็นที่ประจักษ์ได้อัตภาพในชาตินี้เลยบอกท่านตั้งใจฟังว่าธรรมที่ตถาคตประกาศไปเนอะและเมื่อท่านได้บรรลุพระธรรมที่ตถาคตประกาศไปแล้วเนี่ยท่านจะได้แทงตลอดสัจจะทั้ง4ี่ประการ เมื่อท่านแทงตลอดสัจจะทั้ง4ประการกล่าวคือทุกข์เขตรให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ได้แล้วเนี่ยท่านจะเห็นประจักษ์ได้ตนเองในอัตภาพนี้คือท่านดับทุกข์ได้จริงในชาตินี้เนอะ เ, เอวังวุเตเมื่อองค์สมเด็จพระนราธิะทรงประกาศสิทธิเช่นนี้ปัญจวัคคียภิกขุก็สงสัยอยู่ก็ตอบว่าอาวุโสโคตรมะฆ่าแต่อวุโสโคดมพระโคโดมนี้ข้าพเจ้ายังสงสัยอยู่นะ เมื่อพระโคดมตั้งปณิธานจริยาในอริยะปฏิบัติบำเพ็ญทุกขกิริยาทั้งยังไม่อาจจะตัดสรู้ทําได้ก็บำเพ็ญอริยะปฏิบัติเนี่ยการปฏิบัติแบบพาริยะด้วยการทรมารร่างกายตนเองอย่างยิ่งยวดเนี่ยก็ยังละความเพียรประเภทนั้นละการปฏิบัติประเภทนั้นน่ะแล้วคลายความเพียรเวียนมาสู่ความเป็นคนเลวเนี่ยนะแล้วจะตัดสรู้ได้อย่างไรเมื่อละความเพียรเวียนมาสู่ความมากๆอย่างเนี้ยแล้วจะตัดสรู้ได้อย่างไรเล่า ข้าพเจ้าเห็นหน้าสงสัยยิ่งนักเมื่อปัญจวัคคีย์พิกขุสงสัยอยู่เชนเนี้ยสมเด็จพระมหามุนีนาถศาสาศดานะผู้พระองค์ตัดเสียซึ่งภูเขาอันสูงคือมาะนะท่านต้องการจะตัดมานะเพราะตอนเนี้ยปัญจวัคคีย์มีมานะไหมมีมาน ะ, ม, ะมากเขาประมานะก็แบล็คเยอหยิ่งอยู่ไหมฮะเออมานะมีสองประการนะมานะสูงกับมานะต่ำนะอ้ามานะสูงเป็นไง มาน่าสูงก็คือว่าเป็นผู้สูงอ่ะเป็นผู้มีเกียรติยศมากเป็นผู้มียศถาบรรดาศักดิ์มากเป็นผู้มีร่างกายสวยมากอะไรก็แล้วแต่เยอะแล้วก็สําคัญว่าสวยเนี่นะเขาสําคัญถูกจริงๆนะนีน่เรียกมานะอีกกลุ่มนึงก็คือแย่กว่าเขาจริงนะแต่สําคัญว่าแย่นี่นะมาน่าสองกลุ่มไอ้ ก, กลุ่มหนึ่งเสมอด้วยนะแต่สําคัญว่าเสมอเนี่ย บางคนเนี่ยเ ส, สมอเขาสําคัญว่าสูงเสมอเขาสําคัญว่าเสมอสําคัญเสมอเขาสําคัญว่าต่ำมันก็เยอะแยะหมดเนี่ยนะสรุปแล้วคือมานะปะัญญวิชีพเป็นคนมีมานะจากักพราหมณนี่เป็นคนมีมานะเนี่ยเอางี้คนมีความรู้รมีมานะไหย ม, มีเยอะแล้วคนที่ปฏิบัติมาอย่างนานๆแบบปฏิบัติผิดด้วยเนี่ยก็มานะเยอะสอนยาก <c oughs> <c oughs> ให้สังเกตด้วยที คนที่เชื่อมั่นตัวเองอ่ะวิชาที่สอนให้เชื่อมั่นตัวเองเนี่ยเป็นคนมีมานะเยอะเอาสังเกต ด, ด้วยทีบางคนเรียนด้านวิทยาศาสตร์มาเยอะก็มีมานะมากว่าตนเองชำนาญด้านวิทยาศาสตร์ใช่ั้มบางคนเรียนทังด้านโหราศาสตร์เยอะยังมีมานะเลยวอ้พวกนี้ไม่รู้เท่าเราเรารู้โหดศาสตร์โหราโหบางคนก็ เรื่องดาราศาสตร์มาก็โอ้โหมีความแล้วก็มีมานะสัตว์โลกทั้งหลายก็ตายกับมานะนี่แหละแล้วในสุดจริงก็เที่ยวแบกมานะก็วิ่งกันปะเนะนี่ยมานะเหมือนอะไรเหมือนอ่นอนอางไม่มีอะไรมากมีแต่ลมอยู่ข้างในเนี่ยความรู้ไม่มีความรู้ไม่มีมมมทีนี้เนี่ยพระปรมาสสดาก็มาพิจารณาอย่างเนี้ยบอกว่าเออเพื่อต้องการที่จะข่มจะข่มมานะนั่นเอง บอกว่าเมื่อละเสียซึ่งความเบียนมาสู่อย่างเงี้ยท่านกำพิจารณาว่าสมเด็จพระนาถามุนีศาสดาจะตัดเสียซึ่งกองภูเขาคือมานาอย่างปัญจวัคคีย์ิคูลเนี่ยด้วยพระขันแก้ววิเชียนนะคือพระปัญญานะจึงได้พุทธดีกาตรัสว่าพิก เ, เวบอกว่าอย่างนี้บอกว่ า, นนะวาดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านยังระลึกได้อยู่บ้างหรือถ้อยคําเช่นนี้ตะถาคตตรัสแก่ท่านเมื่อครั้งใดบ้างถามบอกว่าที่พระเจ้าบอกว่า เราได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยคํานี้เราได้ตรัสแก่ท่านครั้งไหนบ้างท่านลองคิดดูที่นโนเฮตังพันเดแปว่าอะไรฆ่าแต่พระองค์ผู้ทรงผู้ผมีภาคอันงามถ้อยคําอย่างนี้พระองค์ไม่ได้ตรัสแก่ข้าพระองค์ณที่การก่อนเลยบอกว่าที่อยู่กับพระองค์มาหกปีเนี่ยไม่เคยเห็นพระองค์ตรัสเลยว่าได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญา พระเจ้าเออเมื่อกันนั้นท่านทั้งปวงมาสงสัยอะไรอยู่เล่าโอทะหาทะท่านทั้งปวงจงเงียโสดลงสะดับคอยตั้งจิตรับรู้และสะดับพระธรรมเถิดอ้ อ, อนวอนไหมอ้อนวอนเนาะอ้อนวอนใครอ้าวอ้อนวอนปัญจวคีหรืออ้อนวอนใครอ้อนวอนพวกเราเนี่ยบรรจวคีเขาพ้นแล้วอ้อนวอนพวกเรา ว่าอย่าหลับให้เงี้ยโสรลงฟังใช่ไหมไม่ใช่ไปนเอี้ยอ้อนวอนคนอื่นนะเงี้ยอ้อนวอนพวกเราพระประมาสศศสดานอะอ้อนวอนพวกเราอย่าหลับอย่าส่งใจไปทางอื่นอย่าเบนหน้าหนีพระพุทธเจ้าอย่าให้ความง่วงอย่าให้ความอย่าให้ธุรกิจมาแทรกได้ใจมางคนเป็นพวกอะไรนะพระหห ก, กิจโจพระหห ก, กรณีโย กิจมากธุรกมากมาเรียกก็พวกนี้นักธุรกิจเยอะเป็นนักธุรกิจในใจตลอดกินกิจเยอะโห อ, อยู่ที่ไหนงานเข้าตลอดงานเข้าตลอดไม่มีเวลาฟังธรรมของพระเจ้าเนืบางทีอ้าวลูกแล้วอ้าวล้านแล้วอะไรก็เรเยอะยะไปหมดนะเนี่ ย, ยไมเดีนี้เงื่อนไขาการฟังธรรมเหลือน้อยลงน้อยล ง, น อ, ยลงนอกนั้นเป็นธุรกิจ เราคนนี้เป็นนักธุรกิจกันหมดเนะนะก็ลองคิดดูนะขนาดว่าบางทีนะขนาดเขาลบกันอยู่อีกครัวโลกหนึ่งเรายังพยายามจะไปลุ้นก็ดูเหมือนจะเป็นผู้นำโลกให้ได้สังเกต ด, ดูไหมโอ้ยเรานี่นั่งลุ้นจอทีวีลุ้นตัวโกงมึงคนลุ้นจนภาษาเสียเลย เมื่อพระบรมศาสดามีพุทธฎีกาตรัสชนีแล้วพระสุรเสียงของพระบรมศาสดาพระองค์นี้ดังตลอดจนไตรเบื้องใต้จนถึงโอเอซีเนี่ยเบื้องบนก็ขึ้นถึงไปวัคคพรมดูทีเนะี่ยพระดัมหลัดเนี่ยกระชากใจเนี่ยนะของปัญจวัคคีเนะี่ยไม่ใช่เป็นพระดํารัดธรรมดาแล้วเป็นพระดําหลัดที่เป่งบอกหรือย้ำบอกว่าคําพูดเช่นเนี้ย ใช่คำพูดเช่นนี้เราได้เคยพูดกับท่านมาก่อนไหมโอท่าทาที่บอกท่านทั้งปวงจงเงี่ยโสดลงสะดับคำนี้นะจงเงียโสดลงคอยสะดับพระธรร ม, มเทศนาที่เราจะประกาศถิดเนี่ยคำนี้เบื้องต่ำนะยันนเวจีเบื้องบนยำพระวกระผมทีนี้โดยขวางเนี่ยนะทั่วป่าสิบปตนาฤกษายวาวั น, นใครเคยไปไหม ที่วารณอระนั่นแหละทะลุทะลวงเลยเ น, นะ่ยน่ะแล้วก็ตลอดป่าหิมพานนันกว้างใหญ่สามพันยอดแล้วก็ตลอดไปถึงแสนโจรจักรวาลเลย <c oughs> นี่พระโสดาเสียงอ่ะนัสรุปแล้ววันนั้นเราก็ได้ยินไม่ใช่ไม่ได้ยินวันนั้น่ะเราก็ได้ยินไม่ใช่ไม่ได้ยินแต่เป็นยังไงได้ยินแล้วมันพลาด พาต้องยอมรับว่าพลาดทำมาจากกับปวัฒิฐนสูตรนะก่อนที่พระเจ้าจะแสดงพระเจ้าประกาศเองแล้วขอร้องให้ฟังเราก็พลาดไปแล้วครั้งหนึ่งไม่รู้ครั้งนี้จะพลาดดีกาไม่รู้ <c oughs> ครั้งนี้สําคัญเนี่ยผู้แสดงเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่มีฤทธิ์อะไรเลยเดียเลยแล้วก็ภูมิมาเทวาสาตธรมนุ ษ, ษาเวสูงอะ่ะขณะนั้นปุ่งเท พ, พเจ้าทั้งปวงก็เออกระเราะกระาหนร้องเปล่าแก่กันเน่ะ พู ม, มาพู ม, มาเทว ด, ดาก็เกินขึ้นไปจนถึงจาตุมหาราชิกาจาตรตมหาราชิกาก็เกินขึ้นไปถึงดาวดึงสาดาวดึงสาเกินขึ้นไปจนถึงอักขันิธาล่ายไปตามลำดับเลยมาริษามาริษาดูแลท่านผู้นรุตุกเทว ด, ดาเขาละก็สนธนาคุยกนันเขาเรียกท่านผู้นรุตุกนิรุตุกแปลว่าท่านผู้ไม่มีทุกข์แต่กิเลสเต็มใจกันนะใช่หไหม <rép> เหมือนพวกเราเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวนี้สบายดีอะนะครับเนี่ย พอ้เดี๋ยวนี้สบายดีนะว่างานการก็ไม่ค่อยได้ทําและสบายว่าไงนั่น น, ะนี่กิเลสเต็มนะเนะี่ยไม่ใช่ว่านี่เราทุกข์คํานั้นน่ะ น, นะกิเลสเต็มแล้วแต่เป็นภาษาที่เขาเรียกกันน่ะนะเป็นภาษาที่ใช้พระเจ้าก็เรียกตามภาษาของชาวโลกพระเจ้าก็เรียกเทวดาเรียกอย่างนั้นมาริสามาริสโอสาเรธาสโมสารธาบอกว่ามาเถิดเราจะชวนกันไปสโมรสรประชุมกัน ที่ปายสิบปัตนะมรรคกถาเยวันเพื่อฟังพระธรรมเทศนาทุลภาชาวเราทั้งหลายเนี่ยเกิดมาครั้งนี้เป็นบุญยราภอันใหญ่หลวงเป็นนักหนาเราถือว่ามีบุญไหมเกิดมาครั้งนี้เป็นบุญญราบอันใหญ่หลวงเป็นนักหนาคิดแบบนี้ไหมได้มีโอกาสมาฟังธรรมจักก่อนตายอ่ะคิดอย่างนี้ไหมโอ้ยเป็นบุญของเราแล้วได้มานั่งหลับฟังธรรมจักก่อนตายย้งเลยยังไง จะมาอันนี้ขอให้เป็นอย่างนั้นเนาะบัดนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าตรัสพระธรรมเทศนาธรรมจักรกับประวัตนาสูตรอันสำนัพราหมณ์และพวกอื่นในโลกทาตมิอาจเพื่อจักสแสดงได้เทวดาเขารู้ใครจะแสดงได้ธรรมจักรใช่ไหมการแสดงธรรมจักรนี่เป็นพระพุทธเจ้าทุลโพดูก่อนชาวเราทั้งหลาย สมเด็จพระพุทธเจ้าจะได้อุบัติเกิดขึ้นตรัสในโลกนี้แต่พระละพระองค์แต่พระองค์เนี่ยยากยากที่จะพบเห็นบอกกว่านั้นนานทีนะจะได้มีพระเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาแต่ละองค์นั้นๆทีไม่ใช่นานธรรมดานะเอานานขนานดไหนตังนานด้วยอุปมาถึงจะรู้ถ้าไม่อุปมาไม่รู้ใช่ไหมบัณฑิตทั้งหลายจะรู้ได้ด้วยอุปมาใช่ไหมจ้าเราเป็นบัณฑิตไหมงั้นเดี๋ยวอุมาให้ฟัง <laughs> เขาบอกการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยการได้อัตภาพเป็นมนุษย์เนี่ยนะยากไม่ง่ายไม่ง่ายเลยแล้วเป็นมนุษย์สมาธิที่แทบไม่ต้องพูดถึงนะนี่เอาเป็นมนุษย์ก่อนนี่นะฮะเท่นั้นถ้าไปเจอมนุษย์ตรงไหนแล้วก็เราบอกว่าเนี่ยเป็นอัตภาพที่ยากไม่ใช่ง่ายได้มาแสนยากมากต้นอุบอมาเหมือนกับอะไรเหมือนบุรุษตาบอดเลนะยืนอยู่มันขอบจักรวาล ตาบอดด้วยนะจับห่วงอันนึง่งยืนอยู่ขอบจั ก, กรวาล น, นั่นแหละแล้วต่อมานะในมหาสมุทรนั้นก็มีเต่าตัวหนึง่งตาก็บอดนี่นะแต่ร้อยปีถึงจะโผลกก่มาทันทีนี่นนะไอห่วงที่บุรุษตาบอดนี่ถือก็เป็นห่วงเล็กๆเฉวียงเล็กๆนะเกๆนะี่ยโยนนะ่ะโยนจากขอบจั ก, กรวาล น, นั่นแหะโยนปุ๊บมานี่นะมาตกตรงในมหาสมุทรเนี่ยนะไอเต่าตัวเนี้ร้อยปีมันโผล่ขึ้นมาเนะี่ย การจะโผล่เอาหัวไปสอดคองใบบวงอะยากหรือง่ายนั่นแหละการได้อัตภาพเป็นมนุษย์สักครั้งเนี่ยแสนยากขนาดนั้นโอ้ต้องรีบยืดม่นหรือมั่นใหญ่งี้นไม่ใช่ท่านก็อุปมาม า, มาเรื่อยๆสิพระพุทธเจ้าบาตัตรเกิดขึ้นยากกว่า น, นั้นยากกว่า น, นั้นฉะนั้นการอุบัติเกิดขึ้นของพระบรมศ า, ศาสดาเนี่ยแสนยาก การที่พระองค์จะแสดงธรรมก็ยากการได้ฟังธรรมก็ยากเป็นต้นอะไรเนี้ยการจะรู้แจ้งแทงตลอดก็ยากมันหลายหลายยากอะ่ะใช่ไหมตอนนี้เป็นมนุษย์แล้วเอาได้มีโอกาสมาฟังธรรมแล้วทีนี้เราจะทําอย่างไรที่จะทําให้เราเดินใจให้เป็นไปกับพระธรรมเป็นหน้าที่ของพวกเราใช่ไหมหน้าที่ของผู้แสดงก็จัดแสดงให้เต็มที่ตามลำดับของพระธรรมเป็หน้าที่ของฟังท่านรักษาใจท่านเองนะออมาก็รักษาใจออกันมาเองดีไหมแบบเนี้ย ต่างคนต่างมาทําหน้าที่ใช่ไหมไม่ว่ากันใช่ไหมใครอยากหลับก็หลับไปดีไหม <laughs> ตรงนี้ก็คือว่ายากที่จะได้พบเห็นนะทุนลพังธรรมสวนังพระธรรมเทศนานี้เราก็ยากที่จะได้สดับโ อ, โอกาสจะฟังว่าทำง่ากเอาโอกาสจะฟังว่าทำยากเพราะอะไรศรัทธาทุลพาเกิดมาแล้วจับมีศรัทธา ในบวรพุทธศาสนานี่ยากมากบางคนฟังว่าทำไม่ได้หรอกอันนี้เป็นเรื่องจริงฟังแล้วก็ปวดหูเขาฟังแล้วมันเหมือนเหมือนเหมือนคนถูกคนผีเข้าถูกน้ำมนตนะ์ะใครเคยเห็นคนผีเข้าแล้วก็น้ำมนลาดรถมึงร้องวีดวิทวิทนะไม่ไหวเขาเจ็บปวดมาก คนที่ไม่มีอัธยาศัยแก่การฟังธรรมฟังธรรมไม่ได้ฟังนิดเดียวเขาจะเขาหลับฟังหรือไม่หลับก็ส่งใจไปทางอื่นบ้างใช่ไห ม, มางทีก็โอ้ ท, ทรมานมากอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี่ยคือเขาเขาเจ็บปวดเขาพระธรรมเทศนายากใช่ไหมการฟังธรรมก็ยากการมีศรัทธาเลื่อมใสในวรพระศาสนานี่ก็ยากนะักเราทั้งหลายจงเวียนไหวาตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏ ไม่รู้จะ ก, กี่ชาติร้อยชาตินะอัด ส, สูดฉลังนะน้ําตาของที่ร้องไห้นั้นน่ะถ้าไม่ได้เหือดแห้งไปและจะเก็บไว้สะสมมากกว่าน้ําในมหาสมุทรมังสาคือเนื้อนะที่ไม่ได้เปื่อยไปนีถ้าไม่เน่าเนี่ยนะถ้าไม่เปื่อยเน่าหรือสุดโทมไปเนี่ยจะเก็บไว้สะสมไว้ก็มากกว่าพื้นพสุธาอัฐิคือกระดูกนี่เล่าถ้าไม่ได้สูญเส้นไปนะจะสูงกว่าภูเขาสูเนลุอีกเนี่ยนะ แต่ค่าศึกคือราคะค่าศึกคือโทสะโมหะทิฏฐิอวิชชาตนณหาครอบงำทำให้เวทนาคือทุกขเวทนาของสัตว์ทั้งหลายนั้นน่ะต้องจมอยู่ในวัตฏสงสารช้านานหนักหนาแล้วที่นี้เราจะได้เห็นหลักแห่งค่าหลังแห่งค่าศึกแล้วท่านหวังนั้นในตอนนี้เราจะได้เห็นหลังของค่าศึกแล้วจะได้เห็นหลังของค่าศึกก็คือจะได้เห็นตัวกิเลสเนี่ย เราไม่ได้เห็นมันมานานแล้วท่านทั้งหลายรีบมาเถอดพระบรมศ า, ศาสดาจักสแสดงธรรมเนะ่ก็แปลว่าจะจุดประทีตในใจเมื่อเราได้ประทีตในใจได้แสงสว่างในใจแล้วมันจะมองเห็นใช่ไหมไอ้ความมืดนั่นแหละมันจะมองเห็นเพราะมีแสงสว่างกำกับความสว่างมันจะได้หายฉะนั้นพวกเราเราทั้งหลายมันตกอยู่ในความมืดนั้นจงมารับแสงสว่างจากพระบรมศาสดาเถิดเป็นต้น ท่านถึงบอกเร็วๆเนี่ยนะชวนกันมาใหญ่เลยเนี่ยเราไปสู่ปลาอีิ10ป ต, ตนะบรักทายวันจะได้ฟังธรรมพระเทศนานใครคิดแบบนี้ไหมตอนเมื่อคืนคิดถึงแต่ตีสี่ไเร็วๆไวๆเดี๋ยวก็จะมาฟังไม่ทันนึกคิดงทำไมโออีกสิบนาทียังไงได้บ <laughs> เสร็จเลยนะฮะ ตรงนี้ก็คือฝูงเทพพยายดาก็ร้องประกาศกันต่อๆไปเกลื่อนกล่นก็มาฟังพระสัทธรรมเทศนาแล้วก็ล้วนแต่ถือดอกไม้ทูบเทียนนะที่มากันไม่ได้มามือเปล่า <c oughs> ถือดอกไม้ทูบเทียนมาด้วยต้องบูชาพระธรรมใช่ไหมแล้วก็ทูบเทียนก็ประทีปชวาลาเป็นต้อนอะไรเนี้ยก็บอกว่าเนรมิตกายเล็กละเอียดเพราะคนมากอ่ะ ยังพวกเรานี้ไม่ต้อง เ, รเนรมิตให้ใหญ่ขนาดไหนก็ได้เนี่ยที่ไม่เต็มแล้วก็เท่ากับอนุปรามานูเลยนะที่อันน้อยมากว่าเท่ากับขนส่ายจามรีจะลดลงอ่ะ้องคิดดูว่าขนส่ายจามรีจะลดลงลองคิดดูเทวดาจะอยู่กันได้กี่องค์ขนส่ายจามรีนี่ถือว่าเล็กสุดนะใช่ไหมเล็กกว่าเข็มอะ่ะ เอาชั่วแค่นั้นนะเทวดาอยู่กันได้กี่องค์อยู่กันได้ยี่สิบองค์ก็มีสามสิบองค์ก็มีสี่สิบองค์ก็มีห้าสิบองค์ก็มีหกสิบก็มีเจ็ดสิบก็มีแปดสิบเก้าสิบก็มีร้อยองค์กับพันองค์ก็มีนะถึงขนาดนั้นก็ยังไม่ใครจะจุพอกันรู้ไหไม่ไม่พอกันใครก็อยากเข้าใกล้ไหมก็อยากจะเข้าใกล้เทวดาที่มีศักดิ์ใหญ่ก็ ก็อยู่ในที่ที่ในน้อยหน่อยมีมีประชากรน้อยหน่อยใช่ไหมเทวดาที่มีศักดิ์ในน้อยก็เออัดยัดเยียดกันหน่อยอย่างเงี้ยนะเขาบอกก็ถ้าฟังธรรมใครรีบมานั่งข้างหน้าไดีๆว่าตรงนี้หละเขาต่อไปเวลาไปเจอพระเจ้าก็ยัยนั่งหน้าโอ้ยฟังธรรมเนี่ยเขายิ่รีบนั่งหน้ากันนะโดยมากบางคนอุ้ยไม่ไกลการนั่งหน้าเดี๋ยวภาพมองเห็นตาจะรู้ว่าแล้หลับช่วไหน ยแล้วก็ไปกันที่ปายสิบตาเมลิกาทยาวัวานเต็มนะไม่มีระหว่างบรรดาเทพบดาในหมื่นจักรวาลก็พามากันชุมนมหมื่นจักรวาลนนีะ่ยมนะไม่ใช่ในจักรวาลเดียวนะหมื่นจักรวาล น, นะแต่พื้นแผ่นดินไปตราบเท่าถึงภร ะ, ะกรพรมรุ่งโรดไปด้วยรัศมีเครื่องประดับอาภรณ์รัศมีกายของพระอินทร์และเทวดาเป็นต้นเหล่านี้ตัดสมิงสมัยนะันสมัยนะนะั้นอะเป็นอุตสาหะ เป็นเดือนอาส า, ารหาเนาะนักคาตเเล่ ก, ก็บเพนเดือนแปดใช่ไหมเป็นเพนเดือนแปดขึ้นสิบห้าก้ามใช่ไหมเวลานั้นก็เป็นเวลาเย็นสุริยะก็อัสดงดับเลี่ยมเขาพระโสมย์ลุ ม, ม, ม, มาทแล้วทัศนายวิคเตวิยะก็คือว่าดุดใครจะเคลื่อนคลาดไปจากที่จะคอยให้ทัศนาชมพระพุทธสุริแห่งพระบรมศาสดาพระหมหากราุณาชนันชินากาักเกเรก็คือฝ่ายพระจัน์เทพบุตรเนะก็แจ่มจำหลัดขึ้นมา ในประเทศปัตสิตุมกาเมวิยะก็คือปกพระจันทร์ดวงจันทร์เนี้ยก็ขึ้นมาแล้วขึ้นมาก็เปล่งแสงเต็มที่เลยโอ้โหวันนั้นเปล่งแสงมากผิดปกติเหมือนอะไรรู้เหมือนต้องการอยากจะเชยชมพุทธสิริของพทธเจ้าใช่ไหมไม่ได้เห็นมานานแล้วแสงแห่งพุทธสิริละ ที่ประดับประดาไปด้วยมหาภูริศลขณาสาสองประการและนุพยัญชนะ80โอ้โหพระจันทร์ยังมีโอกาสเ็นเนาะใครเคยเห็นหน้ามองถามพระจันทร์บ้างไหม้ยพ ร, พระรูปของพระเจ้างามปันใดเนี่ยนะ <c oughs> <c oughs> นระธรรมสารีบอกว่าสมเด็จพระศรีสันเพชรพพระเจ้าผู้ฉลาดในการทรมานสัตว์ให้หายพยศร้ายเนี่ยเปรียบดุจสารทีทรมานทึ่งศิลทบ คือม้าเนะีคือม้านะพระองค์นั้นทรงพระมหากรุณาปราถนาจะริอสัตว์ขนเวในสัพสัตออกจากสังสารวัตรออกจากวัตฏสงสารพระองค์จึงได้ตกแต่งซึ่งธรรมราชรสอันใหญ่หลวงแน่นประดับไปด้วยวิจิตด้วยแก้วเจ็ดประการนะถามพระเจ้ามีสีรัรตนังไหมพระเจ้ามีมีแก้วคือสีไหมโอ้โหสีพระเจ้าบริบูรณ์มากปัญญารัตนังมีไหม ปัญญาด้วยนะเป็นรนัตนะคือแก้วก็คือปัญญาวิมุตเตรัตนังคือพระทองค์นี่มีอารา a t ผลสมาบัติเนะีเป็นวิมุตติวิมุตติญาณนทะัศนารัตนังก็คือมีปัจจเวคขณะญาณ น, นะแล้วก็โพชังคารัตนังมีไหมพุทธิยามีแก้วคือโพชงเจ็ดไหมมีใช่ไหมสติสามโพชง์ธรรมะวิจยะวิรยิยะปีติปัสสธิสมาธิสัมโพชงแล้วก็เบขาสัมโพชงพระเจ้าน่ยประดับไปด้วยโพธิ์ที่นี่นะ ปฏิสัมพิทานและรัตะนังมีปฏิสัมพิทายานไหมีโยชิตังก็คือว่าพระบรมศ า, ศาสดานั้นประกอบไปได้วยราชรสอันวิจิตรแล้วก็ประดับเด็กแก้วเจ็ประการดังพรรณามันเนี้ยจตุสัจญาณสักจักกังก็คือพระบรมศาสดา ก, ก็ทรงจัดแจงซึ่งจักทั้งสด้วยพระเจตุสัจญาณก็คือพระยานพิจารณาเห็นอัดของสัจจทั้งสี่ ก็คือสมมประธานศินทวังก็คือพระองค์นะั้นทรงเทียมด้วยสินทพทั้งสี่ตัวนะคือม้านะก็คืออะไรบ้างอะสมมประธานสี่เมินมา้าใช่ไหมสมมประธานทั้งสี่สมมประธานสี่เป็นชื่อของวิริยนะเนี่ยเป็นชื่อของวิริยะตากาลแล้วก็เวในพ ย, ยริตังก็พระบรมศาสตราจารย์ปรารถนาจะนําไปซึ่งราชรถนะบรรทุกเต็มไปด้วยเวในยสัพพสัต์ ไปสู่ทิศอันกเกษมกล่าวคืออ ม, มะตะมหาพระนิพพานพระบระมาศ า, าสดามีพระวิเย้อุตสาหะในการประกาศวัฒธรรมเทศนามากอุปมาเหมือนกันนั่นแหละบรรทุกเวียนใหญ่ราชรถใหญ่บรรทุกเวนัยศาสตร์เข้าไปสู่ดินแดนกเกษมกล่าวคือพระนิพพานนั่นะท่านอุปมาในลักษณะอย่างนั้นนะ่นนะต้องการที่จะได้ทิศเกษมก็คืออ ม, มะตะพรนะนิพพาน ปรารถนาจะแวะเว้นเสียซึ่งมรักอันประกอบไปด้วยเปลือกตมนะก็คือหมายความบอกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่ามรักที่มันเสียมีอยู่สองทางนี่นะก า, มารมัสกาลิการนุโยคเนี่ยนะปรารถนาจะหลีกเลี่ยงมรคายอีกประการหนึ่งนะที่เป็นเหมือนกับเปลวเพลิงก็คืออัตตากิ ร, รมัานุโยกแล้วดาเนินไปตามทางตรงนะก็คืออริยะอัตถางคีกามรักเจ็ดประการก็มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นในครั้งนั้นนะ พระบรมศาสดาก็ทรงมีพุทธบริหารดําลัดเรียกปัญจวัคคีมาแล้วก็มีพุทธดีกาตรัสบอกพิกเวบอกดังนี้แล้วก็จึงโปรดประทานธรรมจักรกับปวัตนสูตรอันนี้เป็นเทศนาธรรมจักรเทศนาธรรมจักรที่พระบรมศาสดาทร ง, สงแสดงนะที่เรากล่าวกันเป็นไปตามลําดับในหมวดของการแสดงนะที่เมื่อวานที่ผ่านมาเออวันเสาร์ที่ผ่านมาใช่ไหม แล้วก็สาธยายกันสาธยายที่บอกว่าเอวัเมสุตังตรงนี้เป็นเรื่องของนิทานพจน์ตรงนี้เป็นเรื่องของนิทานพจ น, น, น, นพนะ์นะเนี่ที่พูดถึงในเรื่องของว่าเอวังเมสุตังเอกังสมยังบกวาบารานสียังเวิหรารตี อิสปัตตเนเมกกะดายนี่ยนะตัตตะโคบะกะวาปัญจวัคคีย์ภิกขุอามันเตศีนี่อันนี้เป็นนิทานพจน์อันนั้นไม่ใช่พระเจ้ากล่าวพระเจ้ามากล่าวเลยเดวเมตรงเนี้นะนี่พระเจ้ากล่าวเลยอันนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับในเรื่องราวที่ที่ความเป็นมาเรื่องราวความเป็นมาตรงนั้นก็เป็นการกล่าวในเรื่องของกรณีที่พระเจ้ากล่าวในเรื่องของธรรมจักร ข้าพเจ้าคือพระอนุนไงนะได้สดับมาแล้วอย่างนี้ว่าสมัยหนึ่งพระพู้เพระเจ้าประทับอยู่ที่ปลายสิบปัตนะมุกทายาวันใกล้เมืองพราราณสีในสมัยนั้นนั่นแลพระพุทธเจ้าตัดเรียกภิกษุทั้งหลายปัญญวัคคีมาแล้วแสดงธรรมบักจกปพัตนสูตรบอกว่าเนี่ยตรงนี้ใช้พุทธพจน์ไหมใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่แหมดูไม่ใช่ที่ไหนแล้วนี่บอกนิทานพจน์ใช่ไหม S 1> <S 1> <S <N ic> นี่เป็นเรื่องราวไงตรงนั้นท่านก็ตราเกี่ยวเรื่องตามอัจถรถยท่านก็พรารณาพาราณศิยังไงเป็นชื่อของแม่น้ําคําว่าพารานศิยัง่ยชื่อว่าพารานศิยังเนี่ยเป็นแม่น้ําชื่อว่าพาราณส า, า, าณสาเดิมเลยนะพระนครมีอยู่ในหางไม่ห่างจากแม่น้ําำแม่น้ําชื่อว่าพาราณาสาจึงชื่อว่าพาราณสี เขยาให่ยังใกล้แม่น้ำชื่อพาราณสานั้นพาราณสีเนะี่ยใกล้แม่น้ำพาราณาสานั้นส่วนบาลีที่บอกว่าอิสิ ป, ปตเนนามิคทาเยเนี่ยในพระอารามที่ท่านกล่าวไว้ชื่อว่ามิคทายะเนี่ยเพราะเป็นสถานที่ที่ให้อภัยแก่เนื้อทั้งหลายมีชื่ออันได้แล้วด้วยอำนาจของการขึ้นลงของ ลือศีทั้งหลายก็คือลือศีทั้งหลายเขาขึ้นเขาลงกันที่ตรงเนี้ลือศีก็คือผู้มีฤทธิ์ทั้งหลายอลือศีในที่นั้นเป็นชื่อของพระปัจเจกแน่ดีพระปัจเจกพระทีเจ้าเวลาท่านจะลงท่านก็านมาลงตรงเนี้ยท่านจะขึ้นก็ขึ้นที่ตรงเนี้ยใช่ไหมเอาขึ้นลงท่านขึ้นยังไงท่านปีนเขาขึ้นแล้วปีนเขาแล้วแล้วก็แล้ว ก, ก็ค่อยๆตายเขาลง่าท่านเหาะขึ้นแล้วก็เหาะลงที่ตรงเนี้ใช่ไหม ถ้าอย่างเราไปอยู่ก็ปีนขึ้นปีนลงเกาะลงอย่างนี้แต่เราไม่มีอะไรเนี่ยนะด้วยว่าฤาษีคือสัพพัญยูเจ้าทั้งหลายนี่นะก็หมายถึงว่าพระประเจพระเจ้าอุบัติเกิดขึ้นแล้วก็ลงไปประชุมกันในสถานที่เหล่านั้นแล้วก็ประทับเพื่อต้องการประกาศพระธรรมจักรนะ้าที่ตรงนี้แหละฤาษีพระประเจพระเจ้าทั้งหลายที่ออกจากนิโรธสมาบัติแล้วนะโดยการล่วงไปได้เจ็ดวันมีกิจคือการล้างหน้า ท่านต้องการไปล้างหน้าที่สาโนดาตแล้วก็เหาะจากหอะมาทางอากาศแล้วก็เงื้อมเขาคันตะกูดแล้วก็มาลงเพื่อประชุมกันที่ปลายสิบ ป, ปัตนานี้ประชุมกันอันเป็นวันอุโบสถและมิใช่อุโบสถแล้วก็เสด็จกลับยังเขาคันดมาตเมื่อจะเสด็จกลับเขาคันดมาตก็เหาะขึ้นจากเขาตรงเนี้คําเนี้จึงเรียกว่าอิสิ ป, ปัตนะท่านจึงได้ด้วยอํานาจของการขึ้นและการลงของลือสี เขาใหนะเขาเลยเรียกว่าอิสิปตนะไปเป็นที่ขึ้นลงของฤษีส่วนคําว่าปัญจวัคคียเนี่ยพิกสูทั้งหลายตามที่ได้กล่าวมาแล้วเนี่ยพระมหาธีระทั้งห้าเนี่ยนะมีโกนทัญญาพัะธียวัปปะโกนทัญญาวาปะพระธียวั า, า, านามาสชีสเนี่ยท่านเรียกว่าปัญจวัคคือมีพวกหจึงได้นามว่าปัญจวัคนี่นะก็คือปัญจวัคคียมีพวกห้า พระเถล่าทั้งหลายเนี่ยมีในพวกห้าจึงได้ชื่อว่าปัญจวัคอาจว่าผู้นับเข้าในพวกห้าหรือปัญจวัคคีนั่นเองพิกขูอะมันเตสศก็คือว่าพระโพธิป่าเจ้าทรงบำเพ็ญบารมีจําเดินแต่พิธิหารอันทรงสร้างบารมีมาแทบบาดมูลเนี่ยแทบบาดมูลของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนท่านนับจากเสียสงไข่กันเนี่ยพระที่บังกรน่ยนะ ที่ปังกรสัมาสุเวทเจ้านแ่แหละได้รับพุทธวิทยากรนแทบบาดมูลเนะี่ยถนับจิตสงไขยนะถนับยี่สิสนะก็นั่นแหละตั้งแต่สัมบราระวิบากที่เราเรียนรู้กันมานั่นะแหละ2ี่สิบสง์ขายยิ่งด้วยแสนมหากรัปสุดท้ายก็มีพระราชงเงือไทยในอันที่จะออกบรรพชากระทำแล้วสเสด็จถึงโพธิมณฑลโดยลำดับแล้วก็บาทที่ปราชิตะก็ทาลายพลามาณ ในยามต้นแล้วก็ลึกชาติได้ในยามกลางเนี่ยนะแล้วก็ทาที่ประจักษ์ขุยานเป็นต้นให้หมดจดและในยามสุดท้ายก็ทรงที่จะบรรลุสัพพัญญุตยานในปัชิมยามนะแล้วก็ประทับอยู่เจ็ดสัปดาห์ภาทิมนทนผู้มีธรรมเทศนาอันทา้ามหาพรหมราธนาแล้วเนะเป็นไปตามลำดับตรงนี้พระนครพระราสีด้วยการอนุเคราะห์แก่ชาวโลกจึงเตือนให้ภิกษุปัญญวัคขีทราบความประสงค์ จะประกาศ ธ, ธรรมจักรกับประวัติศน์สูตรอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นไปตามลําดับทีนี้พอพูดถึงในเรื่องของธรรมจักประการต่อมาตรงนี้ก็คือท่านกล่าวถึงในรักหน่าบอกว่าธรรมจักธรรมจักเนี่ยนะเทศนายานของพระพภาคเจ้าที่บรรดาให้เกิดธรรมะคือข้อปฏิบัติที่เป็นทางสายกลางจึงเรียกว่าธรรมจักเห็นไหมเวลาพระพุทธเจ้าจาักเทศนาธรรมจักกับปวัติทศน์สูตรเนี่ย เป้าหมายของพระเจ้าเนี่ยต้องการที่จะให้สัตว์ทั้งหลายนะั้นะออกจากทางสองทางก็คืออัจการมัสุ ข, ขาลิกาเนโยคคือการหมกมุ่นในการมคุณทั้งหลายในประการหนึ่งแล้วก็อัตตกิลมะถานุโยคคือการประกอบตนให้ลำบากพัวพันติดแน่นอยู่ในเกี่ยวในเรื่องของของการทรมานตนเองให้ลำบากในประการหนึ่งแล้วก็ให้ดําเนินสู่ทางสายกลางอันนั้นสรุปลงเป็นชื่อของศีลสมาธิปัญญาหรือโพธิปักยธรรมนี่นะ อันนี้ต้องการจะให้สัตว์ทั้งหลายประชุมโพิปักตรงนี้อันนี้ใจความเดี๋ยวไปขยายทีหลังเนี่ยเนี่ยนีเาเรียกว่าธรรมจักรนี่คือเทศนาธรรมจักรที่พระเจ้าต้องการจะประกาศธรรมจักรกับปวัฒนาสูตรนั้นให้เป็นไปอนี้เป็นไปตามลําดับเนี่ยเยตรงนี้ก็คือพระเจ้าก็ได้กล่าวว่าเดเวเมพิคเวยอันตาปปปิเตนนาเสวิตาพายโยยังกาเมสุกามาสุคันลีกาเนโยโก อินโอกำโมโพทุจานิโกอนาริโยอนาตสันหิโตโยจายังอัตตะกิลามทานุโยโกทุโคอนาริโยอนาตสันหิโตเอเตเตพิกเวอุภวันเตอนนปคัมมามัจจิมปฏิปทาตาทาคเตนาจอภิสัมบูธาจักขุกรณีญาณกรณี อุปสมายปิญญาญาสัมบูธายปปา nibbana าสังวตาติเป็นต้นนี่นะตามดับมาจะไม่สายยายแล้วนี่สายยายให้ฟังทีนี้พระบรมาาศาสดาก็ิี่บายพิกเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีเมอันตาทำอันลามกทั้งสองประการอันบันปะชิดในบวรพุทธศาสนาอย่าพึงส่องเสพเลยเป็นอันขาด ธรรมลามกทั้งสองประการนั้นคือกามสุขาริกานโยคประการหนึ่งอัตตกิรมาฐานโยคนั้นประการหนึ่งกามสุขาลิกานโยคก็คือสภาวะความกำหนัดยินดีในกามคุณ น, นี่นะกามปิปาโศมีความปรารถนาความอยากซึ่งกามคุณ น, นั้นเป็นกำลังกามปริราโโหคือมีความกะวนกวายแสวงหากามคุณอย่างไม่มีที่สิ้นสุดไม่หยุดหย่อนจากความปรารถนา โอยพวกนี้ดิ้นลนมากกระเสือกรสนดิ้นลนนะร้อนนะ่ะต้องการเอามาให้ได้ต้องได้ให้ได้ถ้าไม่ได้ไม่หยุดนี่นะกระเสือกรสนดิ้นลนเนี่ยเป็นธาตุของกามาคุณเนี่ยนะกามามุดฉาสันดาลนั้นก็สยบมัวเมาด้วยกามาคุณในสันดาลในอัธยาศัยของสัตว์ประเภทนี้สยบมัวเมามากมีกามาคุณมืดมิ ด, มดยอมจำนนทุกอย่างยอมตายได้บางคนนี่ยอมตายได้เพราะกามาคุณนะเสี่ยงชีวิตได้ยอมตายได้ดึกดึกดินๆ จะไกลแสนไกลขนาดไหนก็ไปลําบากยากเข็นขนาดไหนก็ไปเนะโอ้โหเรื่องการมาคุณเนี่ยแม่สัตว์เนี่ยยอมสยบวิตากาวิจาระอิรมณ์ก็คือชื่นชมนะั้นด้วยวิตกวิจารมากพอได้พอคิดถึงการมาคุณเนะี่ยวิตตกวิจารของสัตว์นี่ทางานมากทํางานอย่างรุนแรงเลยนะทั้งวิตตกโอ้โห ย, ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์วิจารก็เขาคล อ, อเขาครึงอารมณ์อยู่นั่นแหละแล้วก็ใครควรพิจารณาได้เป็นวันเป็นคืนเนะ่ะ บางคนเนี่ยวางแผนชีวิตในการที่จะเสพไอ้คล่องกับกามคุณนี่นะวางแผนเป็นสิบสิบปียี่สิบปีนะเมื่อได้แล้วเนี่ยก็ไม่ไม่สมใจอยากก็ปราถนาที่จะได้การนั้นให้วิจิตยิ่งยิ่ ง, งขึ้นไปเป็นเงนินไหมสัตว์ทั้งหลายก็เร่าร้อนกระวนกระวายแล้วก็ยอมสยบอยู่กับมันอย่างเงี้ยแล้วก็ครัวพันอยู่กับมันไม่ยอมจะแกะตนเองออกจากกามคุณต่างๆเหล่านั้นได้แล้วก็จมสนิทอยู่อย่างเงี้ย ตรงนี้ท่านถึงบอกว่าจมลุ่มหลงมัวเมาเกลือกลัวอยู่ด้วยกามาคุณเขาบอกว่าสัตว์ทั้งหลายในสันดานนั้นย่อมสมบพมัวเมานอะอยู่ด้วยกามาคุณไม่ยินดีในการจะออกเนคขม่าแล้วถ้าใครชวนออกจากกามสักเล็กน้อยรู้สึกเขาขาวนกวาดมากเขาทนไม่ไหวเน่นอนบอกอุ้ยเนี่ยไปฟังทำสักเล็กน้อยนี่นะขอเวลาสักสิบสักชั่วโมงเนี่ยบอกโอยตั้งชั่วโมงนึงเลยเขาว่าอย่างนี้นะเขาเสียเวลาเขาเยอะ ก็เหมือนสมัยก่อนนี่นะล่าที่คอมมินิตเนี่ยก็บอกว่าไหว้ววพระครั้งหนึ่งเสียเวลาปลูกต้นพริกสามต้นนะเอาเขาเขาเขารณรงค์กันอย่างนั้นนะมีประโยชน์อะไรเขาบอกงั้นนะอไหว้วพระครั้งหนึ่งเสียเวลาปลูกต้นพริกทั้งสามต้ น, ต น, ตนเอาปินโตเอาปินโตใส่ข้าวไปถวายพระเหลือแต่ปินโตเปล่ากลับมาแล้วบุญอยู่ที่ไหนถามว่าบุญอยู่ที่ไหนได้แต่ปินโตเปล่ากลับมาไม่เห็นมีอะไรเลย เขาคิดเขาอย่างนี้เนอะเนี่ยคนที่หมกมุ่นในารามคุณทั้งหลายเขาอยาคิดลักษณะแบบเนี้เขาจะเสแล้วเป็นอย่างนี้จริงๆนะสัตว์ทั้งหลายก็กระเสือกกระสนวุ่นวายกันตรงนี้ก็คือว่าปฏิสัร ล, ละสูกาสูการโรวิยะก็คืออุปมาเหมือนกสุกรบ้านนอนจมปลักจมหลุมหลุมเหยื่หลุมคูดอยู่ชื่นชมยินดีบริโภคลาสิ่งรามกนะตามวิสัยของสุกรของหมูอย่างนี้เรียกว่าการมาสุขคาริกานุโยคนะ กามสุขาริกาทีโยกนี้เป็นของชั่วเป็นของลามกสุสาเนปฏินักกุลโปยุยะมีครุณาดุดซากศพของอสุภะซากศพเน่ยซากศพที่ตามปลาป่าช้าที่ทอดทิ้งอยู่ในสุสานประเทศนั่นที่ป่าช้าทั้งหลายกามคุณก็เหมือนป่าช้าเลยท่านทั้งหลายที่ไปเสพคุณกันอยู่เนี่ยนะเสพในรูปเสียงรูปที่สวยๆเสียงที่เพราะๆกลิ่นที่อมหอมรสที่อร่อยสัมผัสที่นิ่ม ก็เหมือนเราเป็นอะไรไปก่อสร้างกศพยุ่นั่นแหละอัฐิกลางครูประมาถ้ามิฉะนั้นเบญจา ก, กามคุณทั้ง5รูปเสียงกินรสสัมผัสเนี่ยก็เปรียบประดุดดังล่างอาัถิคือกระดูกเราดีๆเนี่ยนะอันเปล่าทอดทิ้งอยู่เหนือเมธนีดนเหมือนแผ่นดินนะ่ะบุคคลเหล่านั้นบริโภคกามคุณนั้นก็อุปมาเหมือนกับสุนัขที่กัดซึ่งร่างอาัฐิอันเปล่ากินไปเถอะเอากินกระดูกนะสุนัขที่มันกัดแท้กระดูกมันอิ่มเป็นไหม มันไม่รู้จกเอมมันก็อร่อยเพราะมนงั้นนะ่ะแต่อร่อยน้ำลายนะมีน้ําลายเองยืดๆออกมาหน่อยพอปนๆกับกระดูกหน่อยก็เลียดูดกินหน่อยแล้วก็แย่งนะถ้าสุนัขตัวไหนจะมาแล้วมันก็จะกัดนะใช่ไหมทุกวันนี้โอ้ยสัตว์โลกทั้งหลายก็วิ่งแย่งกินกระดูกกันเนี่ยนะหัวงกระดูกเวลาใครจะมาขอกระดูกกับที่ตรงนี้ขอนั่งหน่อยเนาะไม่ยอมเลยนะไม่ยอมแล้วบอกไม่ได้แล้วเขากำลังกัดเขากาลังมัวเมานะเขากำลังเมามันก็นนะ เมามันด้วยเนี่ยไอ้ร่างกระดูกไอ้ตัวกระดูกเนี่ยสุนัขกัดกัดกระดูกเยอะกัดไปแล้วน้ําลายมันก็ไหลยออกมาใช่ไหมมันหิวอ่พะพอหิวขึ้นมามันโอ้โหที่ไหนวันนี้รสชาติของกระดูกที่ได้น้ำลา ย, ยาด้วยเนี่ยก็มีมเลยสัตว์ทั้งหลายเป็นแบบนี้แหละคงไม่ใช่พวกเราเนาะเราก็คิดว่าไม่ใช่เราเข้าไว้ก่อนแต่คิดว่าเรามันจะเครียดจริงไหมแต่จริงๆคือเราไหม เนีสัตเป็นอย่างเงี้ะอัติกรรมครูปรมาเบญจากากรมาคุณเหมือนร่างกระดูกแท้แท้ที่ทอดทิ้งไว้ในเมธนีโดนในบุคคลบริโภคการมาคุณเนอะอุปมาก็คือสุนัข ก, กัดซึ่งร่างอัติกระดูกจะได้อิ่มหนําสักหน่อยหนึ่งก็หาไม่ได้ยิ่งกินยิ่งหิวอ่ะสุปินักษูปมาลักษณะยินดีบริโภคกามาคุณอ่ะอุปมากเหมือนกับความฝันแปลปวนเป็นอย่างอื่นแปลปวนอย่างอื่นคู่เดียวอ่ะ ไม่อย่างยืนเลยฝันเนะี่ยเมื่อคืนนอนฝันป่ตื่นขึ้นมามีอยู่จริงไหมเนี่ยโอ้ยเมื่อวานนี้ไปกินอาหารอร่อยหายไปไหนแวุยเมื่อวานนี้ไปเที่ยวทะเลมาโอ้เมื่อวานนี้สนุกสนานเหลือเกินเมื่อวานนี้ไปคุยกับเพื่อนสนุกทั้งวนันเมื่อวานดูโทรทัศน์ทั้งวนันความฝันเลยใช่ไหมเรื่องที่ผ่านมาเนะ่อุย้ยเราเนี่เคยเรียนจบปริญญาตรีทเองความฝันไหม นี่แเป็นความฝันกามคุณเป็นความฝันอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนไปแล้วเป็นอื่นไปแล้วไม่มีอยู่จริงแล้วนะอังคารกาสูปมากามคุณเนี้ยอุปมาเหมือนกับหลุมฐานเพลิงบุคคลยินดีในเบญจา ก, กามคุณนั้นก็อุปมามันว่าตกอยู่ในหลุมฐานเพลิงนะมีแต่จะถึงการมรณะถึงการตายแล้วก็เป็นไปในเบื้องหน้าแม้มีตายก็จะเสวยทุกขเวทนาเจียนตายเนี่ยนะ ชั้นใดบุคคลที่มัวเมาอยู่ในราคะดำกิสนาก็หน้าที่จะต้องเวียนว่ายตายเกิดในทุกขเวทนาในสังสารวัฏอย่างแสนสาหัสมีอุปมาที่บอกเบนจากกามคุณเนี่ยเหมือนกับผลไม้ที่มีพิษบุคคลก็ยินดีจะบริโภคกามคุณก็อย่างนั้นนั่นแหละลหลงไหลบริโภคผลไม้ที่มีพิษกินก็ไปด้วยความมาเละอร่อยสารพิษก็เต็มร่างกายไปหมดเลยนะ เราก็ไม่รู้เลยกินของที่มีพิษนะเขาก็ยอดยาพิษลงทุกวนันทุกวันน่ยในสุดจริงๆเราก็เจ็บปวดทรมานตอนนี้ก็เอาฤทินเนี่ยตอนนี้ก็ต้องไปดูแลตาบั่งดูแลหูบั่งดูแลปากบั่งย ม, มูกบ้างเห็นไหมนี่แล้วผลของการบริโภคการมะคุณนะหนักเขา้านัเขา้าฟันก็ค่อยๆไหลไปเทียสี่สองสี่ไม่มีเหลือเลยนะหนักเขา้าสรีระที่เคยแมแข็งแรงก็เริ่มโค้งงอลงเนี่ยหนักเขา้านัเข้าก็แก่งอมหูตากระฟ้าฟางต่างๆเหล่านี้ ในที่สุดจริงๆก็ไม่สามารถจะไปไหนได้ก็ความหวังโอ้เดี๋ยวเราคงดีขึ้นเดี๋ยวเราคงดีขึ้นก็หวังอยู่กับความฝันลมๆแรงๆกับเบญจากามคุณสัตว์โลกเป็นอย่างเงี้ยพุทธ้าก็เทศนาเนี้ยเนี่ยกามาสุการิการโยโยกสัตว์ทั้งหลายก็มัวเมาอยู่ในเบญจากามคุณนี่แหละไม่ยอมที่จะพาตนเองออกจากเบญจากามคุณเหล่านั้นหลงไหลได้เปรืยมกันอยู่เนี่ยอีกอย่างหนึ่งนะท่านอุปมาเนี่ย อสูบมาเนี่ยถ้ามีฉะนั้นเบญจการมคุณทั้ง5คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและทำมารมณ์เป็นต้นนั้เหมือนกระดาบแล้วเหมือนกับบีเหมือนห อ, อกหลาเนีที่บุคคลเนี่ยผู้ลหลงไหลอยู่ด้วยเบญจการมคุณนะบุคคลนั้นต้องการประหารด้วยดาบและกระบี่ห อ, อกหลามีแต่จะได้รับความลําบากเป็นเบื้องหน้านะถ้าไม่ตายก็ได้รับทุกขเวทนานีไม่มีประโยชน์แม้สักหน่อยหนึ่งเพราะบริโภคเบญจการมคุณเป็นต้นด้วยเหตุฉะเนกามาสุ ข, ขาริการในโยคเนี่ย มีสภาวะที่ทําให้สัตว์ทั้งหลายนะั่นเร่าร้อนนะเนี่ยกิจกรรมมคุณเป็นไปในละักษณะอย่างนี้ในขณะที่เราท่านทั้งหลายบริโภคกิจกรรมมคุณในะท่านบางทีท่านอุปมาเหมือนกับใบมีดโกนเลยนะอาบน้ําพึ่งเลยนะเราไม่รู้รอ้อมันเจ็บปวดเลยนะไอนะ้น้ำมีดโกนเนี่ยคมๆเนี่ยนะเอาอาบน้ําพึ่งเราก็อุ้ยความหิวความกระหายความอยากเลียจะดื่มน้ําพึ่งนั้นก็ใช้ลิ้นนะเรีย คมมีดโกนน่ยแพบแต่ละทีเนี่ยลิ้นก็ขาดนะนะเลือดก็ไหลเนี่ยโอ้ยเราก็ยอมนะยอมทรมานยอมโดนด่าโดนว่ายอมทรมานนีบางคนเนี่ยกว่าจะได้อะไรมาแต่ละอันเนี่ยทนทรมานแล้วนะกว่าจะได้มาแต่ละชิ้นแต่ละอันอะไรต่างๆยอมเจ็บยอมปวดยอมเสียบุญกุศลไปไม่รู้เท่าไหร่ไหมคือต่อไปในอนาคตเราจะเจ็บปวดในสังสารวัตก็เพราะไอ้เบญจากรรมคุณนี่แหละ ตรงนี้ก็คือพระบระมาศาสดาเป็นของชั่วเป็นของรามกนะ่ยบุคคลที่ยินดีในเบญจการามาคุณเนี่เป็นอย่างนี้จริงๆเรวสามท่านใช้คําว่าคำโมเลยนะการมาสุกการิกาในโยคเนี่เป็นของชาวบ้านเนะีเลวสามเนี่ยนะทีนี้บอกว่าสิงคารานังวิยะสันตะโกดุดซากอสุภาซากศพเป็นของแห่งสุนัขเท่านั้นเนพะื่อสุนักบ้านสุนัขจริงจอกวิยะคูทราศีทามิฉะนั้นก็ อุปมาว่ากองคูดอันเป็นไปแห่งกิมมีชาติทั้งหลายบอกว่าหลุมอุจระทั้งหลายเนี่ยกลุ่มกิมมีชาติกลุ่มนอนทั้งหลายชอบใช่ไหนอนทั้งหลายชอบจะวิ่งไหลลงไปในหมู่นั่นแหละอุจระทั้งหลายแม้ชั้นใดเป็นจากกรรมคุณก็คือกองวิศรุระก็คือกองกองกองก็ในกองกองอสุภะทั้งหลายหรือกองคูดทั้งหลายเยสัตว์ทั้งหลายก็แย่งใช่ไหมเหมือนนอนนะ่ะแย่งกันนอนมันอยู่ในซ่วมมันกัดกัน น, นะโยมเนะ มันกัดกันมันเจอของใหม่หล่นมาเมื่อไหร่นะ่โอ้ยแย่งกันเกลียวเลยอันนี้เหมือนกันโอ้ยถ้ามีวัตถุชิ้นใหม่ใหไหลมาจากต่างประเทศแท้จริงเป็นของเก่าอย่างที่โน่นเนี่ยนะมันเป็นของเก่าอย่างที่โน่นแล้วมันไหลมาจากต่างประเทศโตมมาโอ้ยวัยรุ่นวิ่งกันตาเหลือกเลยนะวิ่งกันตาเหลือกเลยในแข่งขันเงินใหญ่ตอนเนี้ยนัเข้านัเขายอมขายทุกอย่างขายทุกชิ้นนะในตัวยังยอมขายได้ลองดูเพื่อจะแลกอะไรแลกเป็นยาการมากรู้เนี่ยโอ้ขนาดนั้นไหม โอ้ยนน่ากลัวขนาดนะั้นลองไปดูเอามานั่งรถไปเนี่ยนะตอนไปพักโมนิที่โอ้ต้องผ่านอะไรไปโอ้เนี่ยวเขาแย่งกันนะทีรถไปติดตอนที่แถวใกล้ๆห้างติดกระดินในรังไหลนะโอ้ก็แย่งซื้อของกันเนี่ยนะแย่งกันเลยสารพัดเนี่ยเอามาก็มองนี่หคือความสูงคนในเมืองนึกเดี๋ยวโอ้โหนี่คือความสุขใช่ไหมเนี่ยเขาเบียดเสียดยัดเยียดกันเนี่ยนะ เออเขามีความสุขกันนะบางคนก็สารพัดทั้งเดินไปกินไปหัวเราะไปบางคนก็พูดโทรศัพท์ไปอะไรสารพัดเลยนะบางคนก็ยืนหัวเราะอยู่คนเดียวเนี่ยนะมามองว้าอะไรเรามาในโลกอะไรเนี่ยโอ้ยเขากําลังบ้ากรรมคุณกันหนักแล้วเนี่ยโลกใบเนี้ยใช่ไหมไอ้พวกเราคงไม่เป็นอย่างนั้นเนาะเรื่อไปเป็นกับเขามาเหมือนกันเนี่ยหุย่นหักงวงรินวิสัตตโลกเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วจะทํำยังไงเนี่ยเป็นกันอย่างนี้หมดแล้ว วิ่งกันเป็ น, ปนกลุ่มเป็นกลุ่มแล้ววิ่งเออเนี่ยไหมสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่มันอุบัติเกิดขึ้นมามันก็เป็นแสงไฟสัตว์ทั้งหลายก็เหมือนแมลงเม่าอยู่มันก็วิ่งไล่กองไปนะตายหมดแล้วนานๆจะมีแมลงเม่าอยู่ตัวหนึ่งก็เสือกระสนบอกมันไม่ใช่ทางแล้วเนี่ยก็บินออกมาได้นะแล้วก็ชวนแมลงเมาตัวอื่นบอก oy, ไม่ใช่อย่าบินเข้าไปนะบินเข้าไปตายหมดนะนะตายแล้วก็ทุกปางตายอยู่ที่ตรงนั้นนึง เราท่านทั้งหลายเนี่ยแสงสีเสียงรูปรสกลิ่นเสียงอะไรต่างๆ เ, เนี่ยมันก็คือสิ่งที่หลอกลวงของหคนเราเหมือนแมลงเมาทั้งหลายใช่ไหมเนี่ยสิ่งต่างๆที่มันอันนี้มันพาว่า่งกากนกระตุ้นเศรษฐกิจของสังคมโลกเขานะอย่ามาพูดเถอะมันถวนทางการกระตุ้นเศรษฐกิจกเ น, นเนี่ยถ้านักธุรกิจมาฟังนี่อออพอบอกเอตายแล้วธุรกิจเขาซดหรือเป่าไม่ต้องกลัวหรอกเพราะคนฟังเข้าใจนะมีปริมาณน้อย ไม่ต้องกลัวแล้วมาพูดมาตั้งนานแล้วไม่ค่อยมีใครฟังเข้าใจหรอกงั้นคนคงพ้นทุกกันเยอะแล้วฉะนั้นอย่างไรท่านทั้งหลายอย่าเสียใจอย่าไปคิดว่ามาเป็นศัตรูนะพระเจ้าไม่เป็นศัตรูของใครหรอกงั้นคนที่ฟังแล้วเข้าใจมีปริมาณน้อยนิดในที่สุดจริงๆสมาชิกของท่านก็มีมากอยู่แล้วไม่ต้องกลัวเพราะว่าคนที่มัวเมาถูกกามคุณสยบติดแน่นมีเยอะ คนที่จะเดินออกจากกรรมาคุณได้นะ่ะมีน้อยมากหนึ่งในล้านหนึ่งในสิบล้านหนึ่งในร้อยล้า น, นขนาดนั้นเลยก็ไปแยกแยกไปพิจารณาดูเถอะขอให้เราพวกเราทั้งหลายให้นั่งในที่นี้จงเป็นหนึ่งในในในในในร้อยโกดที่ออกได้นี่เนะออกจากเบญจา ก, กามาคุณกันได้ทีเถอะให้เห็นโทษได้ดีนะว่ามันเป็นโทษจริงๆนะว่ามันทําให้เราทั้งหลายเจ็บปวดมาอย่างยาวไกลในสังสารวัฏ นั่นถ้ามาพิจารณาในลักษณะอย่างนี้ก็คือว่ากามาสุขคาริการโยกที่บอกท่านยิงใช้คำว่าปูธุชนะคือเป็นของไม่ใช่มีอยู่ของบัญญัติชิตทั้งหลายใช่ไหมเขาบอกว่าครูนาดุ ด, ดังลูกคางเป็นของเล่นแห่งทาลกน้อยๆปูธุชนิโกกามาสุขคาริการโยคเนี่ยเป็นของแห่งปุรุชนคนอันดภา น, นคนอันภานเนี่ย เป็นของภาลาบุรุชนนะไม่ใช่ของบัณฑิตบุรุชนเนะ่ยที่สั่งสมมาอย่างเนืองเนืองบริโภคเนืองเนืองอุดติดทักันชิกาวิยะมีดุดดังปายข้าวและเหมือนกับแกลบเหมือนกับรำเป็นเดนนะนะอันบุคคลละทิ้งเทไว้ในรางบอกข้าวที่มันเป็นเดนแกลบหรือว่ารำทั้งหลายเนะ่ยเขาใส่รางเขาไว้เขาใส่รางเขาไว้ ก็เป็นของที่เสพเนืองๆของกลุ่มสุนัขทั้งหลายชั้นใดสุนัขบ้านสุนัขจรจอกเป็นต้นนะสุสาหรื อ, อยังวิยากท่ามิฉะนั้นก็อุปมาเหมือนกระป๋าช้านะีที่โศโคไปด้วยล่างอสุภะร่างศพเป็นที่ซ่องเสษแห่งสุนัขและก็แรงกาทั้งปวงและสศพพระสาธารณาัสัตว์ทั้งหลายเป็นต้นเหล่านั้นนะวุฒจกูติยาวิยาท่ามิฉะนั้นการมาสุขาริการุโยกามาคุณทั้งหลายเนี่ยนะ ก็ดุดเหมือนกับเวจากุดีนะเวจากุดีเนี่ยเป็นที่อยู่ของสภทัทนาแก่ไม่ใช่อยู่ของชนทั้งปวงนะเป็นที่รังเกียจแต่ว่าหมู่นอนทั้งหลายก็ชื่นชมแม่หรืออีกอย่างหนึ่งก็เหมือนกับน้ําล้างอาจมหม้อล้างอาจมถามว่าหม้อที่น้ําที่ล้างอุจจาะปัสสาวะทั้งหลายแล้วเราไปลองน้ํามาเนี่ยน้านั่นน่าดื่มน่ากินน่าดืมไหม ไม่น่าเลยใช่ไหมอันเป็นสัพพสาธารณะแก่ชนทั้งปวงอนนวิริยโยก็กามาสุขาริกานิยมไม่เป็นไม่ใช่ไม่ได้เป็นไปของพวกพระอริยบุคคลทั้งหลายพระอริยบุคคลทั้งหลายไม่ปรารถนาเนาะมีครุณาดุดวงภรรยาของคนจันทานหรือไม่เป็นก็ไม่ได้ปรารถนาของพระม์หาสารนบะวงก็บอกว่าคนที่เป็นจันทานเนี่ยนะพวกพระมหาสาร เ, เขาถือชาติตระกูลนะเขาไม่ปรารถนาเนะ ฉะนนเบนจาการบุคุนทั้งหลายเนี่ยถ้าหากว่าพาริยะทั้งหลายท่านไม่ปรารถนาแล้วท่านไม่ปรารถนาท่านไม่ยินดีท่านไม่เพลิดเพลินมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นทั้งเกตดูไหมท่านเห็นโทษของสิ่งเหล่านี้ท่านมีท่านสละมาอย่างยาวไกลแล้วในส่วนจริงๆท่านก็ไม่ยินดีไม่เพลิดเพลินนะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าท่านก็บอกว่าอุปมาอย่างหนึ่งก็คือว่าสุนักและสุกร อันเป็นของพระยาไกรสอนราชสีเป็นตเตอร์เราเนี่ยนะการมาสุ ข, ขาริกานโยกเป็นของแห่งพระอิยาไม่ใช่เป็นของแห่งอิพระอิยบุคคลทั้งหลายเนะีเป็นของชั่วและเป็นของที่ไม่ดีต่างๆเราเนี่ยตรงเนี้ยพระบระมา ศ, า, ศ า, สาสดาทรงเทศนานะเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายเนะี่ยได้พิจารณาเห็นโทษบางทีท่านบอกว่าการมเหมือนยักษิขีนีที่ห่วงแหนผู้ใดไปตามมักคานั้นก็จะได้ซึ่งความทุกข์เขาบอกทางนี้ถ้าไปแล้วเนะี่ยยักษ์ ถายักษ์ีนี้ก็จับกินหมดแลยนะนี่นะบางทีเนี่ยนะเราความนึกว่าอู้เนี่ยเราศึกษาพระธรรมกคำสอนมาดีแล้วเบ็ดเสร็จเนียในส่วนจริงเราไปติดรู้ไหมหลายหลายคนนะมาศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเบ็ดเสร็จแล้วอยู่ต่อมาเนี่ยพอหยุดฟังได้ไม่นานก็กลับกลายเป็นคนทุสีนนะข้าในาข้าก็ไปติดแน่นในเบญจารามาคุลอีกแล้วเนี่ยมันเหมือนกับถูกยักษ์ศรีฆ่าและเดินไปทางนั้นเมื่อไรแล้วก็ตายเมื่อนั้น น, นนะ ฉะนั้นเราท่นานทั้งหลายเวลาจะเดินเข้าห้างกันที่หลายก็มันเดินเข้าห้างก็มันนกศึกษาได้ดีนะบอกโอ้เรามาในที่นี้คือนางยักษิสีเต็มไปหมดนะมันจะดักกินเราตอนไหนก็ไม่รู้เนี่ยนะให้พิจารณาอย่างนั้นว่าเออเนี่ยต้องวางใจให้ดีนะัน้นะเข้าในเข้ามันจะลุ่มหลงใช่ไหมเดินเข้าในสถานที่สวยๆงามๆเมื่อไรนะู้อุยลืมพระธรรมของพระเจ้าตั้งนานเลยคิดถึงพระธรรมพระเจ้าได้ไหมเอาเข้าไปในห้างเห็นไหมโอ้นี่ก็ทุกโนาเนี่ยนี่ก็เป็นเหตุใ ห, ให้เกิดทุก นี่ก็ถ้าถ้าทําอย่างนี้ได้จะเป็นทางปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์คิดได้ไหมนี่ก็เป็นไปเพราะชาติที่ทุกข์นี่ก็เป็นไปเพราะชาลาทุกข์นี่เป็นไปเพราะพยาธิทุกข์นี่เป็นไปเพราะมันวรรณะทุกข์โอ้เราโศกเพราะสิ่งนี้มาเยอะใช่ไหมเราลำไรลําพันเราไม่สบายกายไม่สบายใจเพราะสิ่งเหล่านี้มามากเราต้องทุกข์เพราะการหาเงินหาทองมาจับจ่ายนี่เยอะเยเข้าไปในห้างนี่อมรณะภัยเกิดแบบนี้ไหมเลือดหายแวบหมดเลย หมดเวลาแล้วมั้งหมดหรือยังหมดเวลาเดี๋ยวอาจจะมาจะลืมเวลาเอามาเองง <c oughs> ั้นเดี๋ยวพักหนะ่อ่านิมนต์พระอาจารย์ฉันเจ้าค่ ะ, อะขอเชิญเข้ามาเที่ยงครึ่งค่ะขอบคุณค่ะ อาจารย์เจ้ักเตะพาสวดพุทธคุณธรรมคุณสังุค่ะอีต uh, uh, uh, ิปิโสภะคะวะระหังสัมสัมพุทโทวิชาจารณส a s ั m น a น n o sukato l o k a อนุตโรปุริสัทธามาสารติสัททาเทวมนุษยานังพุทโภควาติสวาโตภพควตาธรรมโม สันทิทิโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายโกปัจจตังเวทิตาโพวินยุหิติสุปฏิปันโนภาวะโตสาวกาสังโค อุชุปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาญาปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ยะทิทางจัตตาริปุริสยุคานิอัจท่าปุริสบปุขาเอสสะภาขวะโตสะอวกะสังโคอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอันชาลิกราณิโย อนุตตรังปุญญาเขตังโลกาสัตติพระอาจารย์เจ้าคะ่ะมีผู้ขอจะสวดสารพันยะเจ้าคะ่ะอนุญาตคะ่ะ <laughs> อง <elu> ไดพระสามพุทธ สูวิสูทธาสันดานตัดหมูลกะเล็ดมานบ่มีหมุนมีมองมัวหนึ่งนายพระททยท่าอันก็เบิกบานคือดอกบัว ราคีบ่อพันผัวสุวคนทากามจร <c oughs> องค์ไดประกอบด้วยพระกรุณาดังสาคอนโปรดหูประชาคอน มาละโอขะกันดันชีทางบรรเทาทุกข์และชีสุขเกษมสันชีทางพระนรพานอันพนโศกวิโยคภัย ร้อมเป็นจาพิธาจังสุจรารัตวิมลใสเห็นเหตุที่ไกลไกลก็เจนจบประจักษ์จริง กรรมจัดน้ำใจหยาบสันดานบาแพงชายิงสัตว์โลกได้พึ่งพิงมาลาบาบำเพ็ญบุญข้าขอประนุดน้อม สีรากล่าวบังคมคุณสามพุทธทการุณยาภาพนันนิรันดรธรรมะคือคุณอากรส่วนชอบสาทรอนดุดดวงประทีปชาติวาน แห่งองค์พระศาสดาจารย์สองสัตสันดานสว่างกระจ่างใจมนธรรมใดนับโดยมากพลนเป็นแปดพึงยนและเก้ากับทั้งนฤรุานสมยาโลกอดอนพิสดาร อ่านลึกโอราณพิสุจิ์พิเศษสุกใสอีกคำต้นทางคันไลนามขนาดคันไขปฏิบัติปริยัตเป็นสองคือทางดำเนินดุจะคลองให้ล่วงลูปองยังโลกอุดอนโดยตรง ข้าขออ่อนอ่อนอุตมงค์นบธรรมจำนงด้วยอิจิตและกะายวาจาทรงได้าสาวกาศาสดารับปฏิบัติมาแด่องค์สมเด็จพระวันเห็นแจ้งจตุสัตว์เสร็จบาน รู้ทางที่อันพระงับและดับทุกภัยโดยเสด็จพระผู้ตรัสไตรปัญญาพ่องใสสะอาดและปราดมัวมองเพิ้นห่างทางข้าศึกปองบ่มีลำพองด้วยกายและวา่าใจ เป็นเนื้อนาบุญอันภัยสานแด่โลกายและเกิดพิบูรภูนพนสมยาเอารถทศสพนมีคุณอ น, อนอุนเอเนกจะนับเลือตราข้าขอนบหมู่พัสราหกทรงคุณา โนคุณประดุจรามพันธ์ด้วยเดชบุญค่าอาภิวานพระไตรรัตน์อุอดมดิเรศดิรัดสาจงช่วยขจัดโผยภัยอันตรายใดๆจงดับและกลับเสื่อมสูญอนุโมทนาค่ะสาธุสาธุสาธุ <c oughs> ก็ขอโมทนาในช่วงบ่ายเนี่ยก็ตอนนี้ก็ศึกษาในพระธรรมจักรกับปวัตนาสูตรได้ขยายความในพระธรรมจักรกับปวัตนาสูตรที่พระเจ้าแสดงไว้แล้วว่าดดเวเมพิกเวอันตาปปัจจิเต นะนาเสวิตัพพากตเมทเวโ ย, ยจายังกาเมสุกามาสุขาริกานนโยโคฮิโนคัมโมโปทุชนิโกนริโยนัสานิโตโยจายังอตกิรามาธานนโยโคดุโคนริโยนัสสานิโตบอกว่าทางดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่สุดสองอย่างหรือทางสองสายที่บรนประชิตไม่ควรเสพ ไม่ควรเสพในที่นั้นก็คือไม่ควรเจริญน่นะถามว่าที่สุดสองอย่างคืออะไรคือประกอบตนให้ติดแน่นอยู่ในการมาสุขเป็นนิดในพราะการมาตัญหาอันใดมีอยู่การประกอบตนให้ติดแน่นในการมาสุขดังกล่าวเนี่ยนะและการที่ เป็นอาการที่ต่ําช้าเป็นของชาวบ้านเป็นธรรมของบุรุษชนคนมีกิเลสนาะปัญญาหยาบเนะี่ยไม่ใช่ธรรมของผู้ประเสริฐไม่ได้ประกอบไปได้วยประโยชน์เลยการพยายามทําตนให้ลําบากอยู่เนืองๆก็เป็นทุกข์ไม่ใช่ประโยชน์ก็ไม่ประเสริฐในทํานองเดียวกันนั้นตรงนี้ท่านก็กล่าวในความหมา ย, ยนะในพระบาลีที่ท่านขยายดูก่อนภิกษุทั้งหลายเนะี่ยส่วนทั้งหลายสองอย่างเนี่ยนะ เสียงที่ด er uh, ังกล้องพร้อมด้วยนำถ้อยคาเนี่ยมารวมกันในภายใต้ทึงอเวจีที่บอกว่าพระบรมศาสดาที่ทรงเทศนาธรรมจักรกับประวัตินาสูตรเนี่ยด้านต่ำที่บอกว่าดังแทรกแผ่นดินลงไปยันอเวจีหมานรกชั้นบนนั้นติดพวกระพรมแพ่ไปโลกธาตุทั้งสิ้นในจักรวาลนั้นพรมส8ปโกธได้มาประชุมกันนะ พรมนะเทวดาไม่นับนะพระอาทิตย์ก็สะดงแล้วในปัจฉิมอทิตพระจันทร์ก็เต็มดวงประกอบด้วยอาสาหะเลิกทิศบุรพ า, ากําลังโคจรในสมัยนั้นพระบรมศาสดาก็เริ่มพระธรรมเทศนาดังกล่าวเนาะที่ใช้คำบอกว่าธำประจักษ์กพระวันสุรเทวีเมยันตาเป็นต้นปัปปชีเตก็คืออันบรรพชิตเนี่ยนะนะบรรพชิตเนี่ยนะนะพึงตัดวัตถุกรรมอันเป็นเครื่องผูกพันานาการของกระหต บวชแล้วอันนี้ท่านเน้นขับเน้นที่ท่านปัญญวาคีบอกว่าถ้าเป็นบนรรพชีตเนี่ยก็ตัดส่วนแรกคือว่าตัดวัตถุกรรมรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยนะแต่ตัวที่จะต้องตัดอีกจุดหนึ่งก็คือตัวกิเลสกามตัวกิเลสที่ตัวไปเข้าไปยินดีไปเพลิดเพลินเนี่ยตัวเนี้ยนะ อันบันปชิตเนี่ยนะบอกว่าถูกการเป็นเครื่องผูกเป็นเครื่องพนาการของกรหัตคําว่ากรหัตที่ก็แปลผู้ครองเรือนเนี่ยมันจะมีตัวเนี้ยรูปเสียงกินรสเนี่ยเป็นเครื่องพันนาการผูกไว้ฉะนั้นเราท่านทั้งหลายก็จะตัวเนี้ยถูกตัวเนี้ยผูกเขาไว้เป็นเครื่องพนาการรัดเหมือนยังไงที่เคยกล่าวก็ไว้บอกว่าโอ้ บางทีคนตายยังไหที่พูดไว้เขาจะมัดตราสังสามที่อคอก็ผูกก็ใช้โซ่จริงๆโซ่นะั่นเะนี่ยไม่ใช่ได้มือก็โซ่มัดขาก็โซ่มัดก็วมีโซ่มัดอยู่อยู่ก็บุรเอ่ยภรรยาสามีเอ่ยแล้วก็ซับไปอยู่แค่นี้นะ แล้วก็เวลาจะตายก็บอกว่าก็ผู ก, กที่ผูกนะั่นบอกว่ า, างไงบอกไปพบหน้าข้าพเจ้าก็จะไปผูกเนี่ยจะไปผูกนั่นออกไม่ได้เดินออกไม่ได้บรนประชิตต้องตัดผู้เจริญเพลนเนคขม้าต้องตัดหรือผู้ปรารถนาความบนทุกข์ต้องเห็นโทษพระเจ้าตรัสว่าบรนประชิตไม่ควรเสพบรนประชิตเนี่ย บอกว่าบันปชิตเนี่ยนะเป็นเหมือนภาชนะในการปฏิบัติโดยพิเศษโยจายังกาเมสุกามสุขคลิกาโยโคก็บอกว่าประกอบหนึ่งหนึ่ ง, งซึ่งกามสุขอันเป็นปัจจัยให้กิเลสคือราคะโทสะโมหะเป็นต้นอเนี่ยเป็นกามสุขอันเป็นที่อาศัยของกิเลสในวัตถุกรรมทั้งหลายอันนี้บอกว่าไอตัววัตถุกรรมเนี่ยไม่ใช่กิเลสแต่ว่ากิเลสมันชอบนักมันยินดีนะ มันมาในหลายรูปแบบนการมาสุกเป็นที่อาศัยของกิเลสเนี่ยฮีโนคคำโมก็แปลว่าต่ำซามนะฮีโนเนี่ยฮีโนติเนี่ยแปลว่าต่ำซามคำโมเป็นของมีอยู่แห่งชาวบ้านปุถุชนิโกก็คืออันปุตุชนคนที่อ่อนแอต่อเหตุผลคือคนที่มืดต่อการปฏิบัติกันแล้วคำว่าปุตุชนโนี่อีกศัพท์หนึ่งก็แปลว่าปุตุชนคนที่อ่อนแอต่อเหตุผลอ่อนแอต่อเหตุผลของปัญญา ให้เหตุผลก็ให้ไปเถอะให้แล้วให้อีกก็ก็เหตุผลสู้ไม่ไหวเขาบอกว่ามืดต่อการที่จะเดินตามสิกขาสามกาวคือศีลสมาธิปัญญาอนาริโยเนี่ยนะไม่ใช่ภาริยะอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่ธรรมที่มีอยู่ของท่านผู้หมดจดทั้งหลายคือผู้สูงสุดได้แก่ภาริยะทั้งหลาย อนตัตสานิโตแปลว่าไม่ประกอบไปได้วยประโยชน์สอดทิผลอะไรคือไม่ได้เหตุนํามาซึ่งความสุขอันประกอบไปได้วยความลำบากให้แก ต, ต น, นนั้นเกี่ยวกับอัตตกิรมาถานโยโกทุโขเป็นต้นเนะ น, นี่ยนะนี้มาขยายตรงนี้ก่อนแล้วไปเดินตามเรื่องอีกทีหนึ่งการนําทกมาให้ยังตนให้ตายทั้งหลายมีการนอนบนขวกนักหนามเป็นต้นเดี๋ยวจะบอกอไปรายละเอียดเพื่อต้องการที่จะตามรักษาจิตของนักบวชทั้งหลายกลุ่มนี้ก็กลุ่มประเภทที่ ถ้าให้สังเกต ด, ดูนะตรงนี้ขยายก่อนท่านบอกว่าอัตตกิรมัฏฐานุโยโคเนี่ยเป็นตะบะอันสูงสุดไม่เป็นการปฏิบัติต่าไม่ใช่ไม่ใช่พวกขัหัดนะแต่พวกทรมานตนแบบอุกฤษนะอันนี้ต้องระดับอุกฤษแล้วก็ลองลงมาเดยวจะดูอย่างกลุ่มพวกเราว่ามีอัตตกิรมะาัานโยกยังไงอันนี้มาดูตังรายละเอียด ผุ้ดชนเนี่ยแปลว่าบุคคลผู้หนาแน่นคือจะจะพูดก็คือผู้ที่มีกิเลสหนาตามม้ด้วยปัญญาหยาบก็ได้กิเลสหนาปัญญาหยาบเนี่ยอันนี้คือกลุ่มผุ้ดชนแท้เพราะเป็นธรรมที่ไม่สาธา ร, รณะทั่วไปกับด้วยคดหัดทั้งหลายคำว่าทุกโขก็คือหมายความว่าก็เพราะมุ่งหมายว่าผู้ที่เจริญเพราะเหตุใดเนี่ยตัวตัวตนเนี่ยเป็นที่เพรียบพร้อมไปด้วยทั่งพร้อมไปด้วยเบญจกรรมคุณ ท่านผู้จเจริญด้วยเขตที่มีประมาณเพียงเท่านี้ชื่อว่าเป็นที่บรรลุแล้วก็บางคนเขาก็เข้าใจว่าการบารรลุพระนิพพานนั่นจะมีอยู่ด้วยอาการในปัจจุบันทั้งหลายต่างๆเหล่านี้ใช่ไหท่านก็เลยปฏิบัติในสิ่งที่มันไม่ใช่เมื่อสักครู่ได้พูดถึงในเรื่องของคำว่าสมความห้าความหมายในคำว่าการมาสุ ข, ขาริกาโุโยโ ค, โคเป็นต้นเหล่านี้นะท่านบอกว่าความสุขที่ประกอบด้วยกิเลสกรรมนั้นนะ ที่ชื่อว่าความสุขในที่นี้ท่านแสดงถึงความไม่เว้นจากความสุขที่เป็นวิบากที่ได้ด้วยกรรมมาสุขความยินดีความเพิดเพื่อนในกรมมาสุขความติดอยู่ความปรารถนาที่จะประกอบสวยกรมมาสุขอันเป็นนิดในพบอื่นชื่อว่าอนุโยคโคคือการประกอบเนืองเนืองเนี่ยนะทีนี้การประกอบตอนที่ติดอยู่ในกรมาสุขที่ทรงห้ามบรรชิตไม่ให้เสพในข้อแรกเนี่ยพระเจ้าก็สรุปไว้สามไว้ห้าประการ ฮีโน่คำหนึ่งคำโมคำหนึ่งปุถุชนิโกอนาเรโยแล้วก็อนัตสันหิโตห้าความหมายในหความหมายเนี่ยฮีโนเนี่ยเป็นธรรมที่ต่ําช้าข้อ2คําโมเป็นธรรมของชาวบ้านสปุถุชนโกเป็นธรรมของปุถุชนคนมีกิเลสหนาข้อสอนาริโยไม่ใช่ธรรมของภาริยะ 5. อนัตสันหิโต ไม่ประกอบด้วยประโยชน์เสถีสิผลเนี่ยนะโทษของการที่ทำตนทติดแน่นในการมาสุขทรงดำริว่าฮีโนเนี่ยเป็นธรรมที่ลามกต่ำซามเพราะเหตุอะไรจึงได้คำจึงน่าตาหนิอย่างนั้นท่านก็เปรียบเทียบบอกว่าลามกต่ำซามที่ขยายมามาตอนเช้าคนที่หมกมุ่นอยู่ในกาลมาสุขนั้นนะเป็นต้นเหตุแห่งความคับแค้นเน่เหมือนกับถูกพันธนาการเอาไว้อย่างเหนียวแน่น ไม่อาจที่จะออกจากเครื่องพนาราการหรือว่าเครื่องมัดเครื่องผูกตรงต่างเหล่านั้นได้ในสารธารมสมุจยะเนี่ยนะท่านพารนาเขาไว้ที่บอกว่ากาเมปิปาโสอ่ะความอยากซึ่งเป็นกาเมสุขที่ว่าไปแล้วใช่ไหมเป็นของที่มีกำลังมากกามะปาลิลาโหมีความกวนก歪เนียกามสุขไม่มีที่สิ้นสุดยุไม่หยุดหย่อนด้วยความปรารถนา การมุดก็คือว่าในสันดานนั้นยอมสยบมัวเมาในกามาสุขพวกวิตกวิจารณ์ทั้งหลายก็ประกอบไปด้วยกามาคุณอภิรม์ชื่นชมอยู่ด้วยกามาคุณยินดีที่จะกรณีที่ว่าถ้ า, ถาจะบําเพ็ญเนคขมา้าไม่ยอมถ้าจะหลุดตนเองออกจากกามาคุณรู้สึกตนเองนั้นนะกลัวบางค น, นกลัวในการจากลูกกลัวในการที่จะจากทรัพย์สมบัติ กลัวในการที่จะการจะจากจากเกียรติยศชื่อเสียงกลัวไหมกลัวไม่กลัวถ้าเราจะจากลูกจากเกียรติยศชื่อเสียงจากทรัพย์สมบัติจากบ้านจากที่จากการที่มีเงินมีทองมันกลัวเพราะมันยอมสยบไหมหนักเข้าหนักเข้าก็คือว่าไม่กล้าออกจากตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่กล้าออกจากภพ ทั้งๆ ท, ที่มันจะต้องออกก็ต้องไม่อยากออกก็กระวลกระวายกันอยู่เนี้ยเนี้ยลักษณะเนี้ยก็เรียกว่ากลุ่มที่ยอมสยบมัวเมาเพอวิตกวิจารทั้งหลายก็คิดอยู่กับการที่จะหาอุบายในการที่จะออกเอาลองเปิดไปในทีวีเขาจะมีอุบายวิธีว่าทํายังไงจะทําให้ไม่แก่ใช่ไหมทำยังไงจะทําให้อายุยืนยืนทำไงจะให้สุขภาพแข็งแรง ไอ้ผลิตภัณฑ์โฆษณาเสริมความงามทั้งหลายเสริมความไม่แก่ทั้งหลายก็หลอกคนได้ทุกทุกพบทุกชาติก็คิดดูนะขนาดคนแก่ยังสําคัญตันเองไม่แก่ได้ใช่ไหมเราก็หลงระเริงไปกับสภาวะที่ว่าเราถูกโฆษณาเชิญชวนเงี้ยนี่เห็นไหมอิทธิพลเพราะเรายอมสยบกับมันเราไม่ค่าเดินออกแล้วอยากจะเราไม่อยากจากเนี่ย แล้วกวัวเราจะต้องจากลูกจากพ่อจากแม่จากพี่จากน้องจากทรยบจากเพื่อนฝูงบริวารจากธุรกจิจ ต, ต่างๆที่เราปกครองดูแลอยู่เนี่ยมาอย่างนี้ใจยังโหยหาเลยใช่ไหมมันไม่อยากจะออกเออมันเป็นอย่างนี้มันรุนแรงขนาดนั้นเลนะเนี่ยนะลักษณะเงี้ยกามาคุณเนี่ยท่านอุปมายอย่างนั้น อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าปฏิสั ล, ลานะสุกโรวิยะเหมือนสุกรบ้านเกลือกล้วอยูกรุมคูดซึ่อชื่นชมยินดีอยู่ในสิ่งโสโครกตามวิสัยของสุกรเรียกว่ากามาสุขาลิกานุโยคคือการประกอบตนนี่ติดอยู่กับการมาสุขที่เป็นของเลวสามต่ําช้ามีอุปมาเหมือนกับสุสารดังกล่าวแล้วนะไม่ต่างอะไรกับซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้า ส่วนคำว่าอัตถิกลังชรูปรมา ก, ก็คือว่ากามคุณห้าเนี่ยเหมือนกระร่างเหมือนกับโครงกระดูกที่ปราศจากเนื้อที่เขาทิ้งไว้บนแผ่นดินบุคคลที่บริโภคกามาคุณนั้นไม่ต่างอะไรกับสุนักที่กินก้อนเนื้อกินก้อนในก้อนกระดูกแล้วอร่อยน้ำลายเอยงตนเองมันไม่อิ่มแย่งกันไ้เอะไม่อิ่มหรอกยังไงก็ไม่อิ่มไปกี่พบกี่ชาติในสังสารวัตเนี่ย ย่งกินกระดูกชิ้นนี้กันมาหลายพบหลายร้อยหลายโกรธกลับก็ไม่อิ่มพระเจ้าก็เห็นว่าสัตว์กำลังมัวเมาวุ่นวายกันอยู่อย่างเงี้ยก็เลยชี้ว่าทางสายเนี้ยอย่าปฏิบัติมันออกจากทุกข์ไม่ได้บอกว่าทางสายนี้อย่าปฏิบัติให้เดินออกใช่ไหมเราก็ฟังเอี๊ไม่ออกได้ยงไงอ๊๊ออกได้ยังไงงงเงี่ยนะเราเราบอกเอี๊ทาไมมาพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้เราฟังไม่เข้าใจ อีกความหมายหนึ่งก็คือว่าสุปินา ก, กูปมารบริโภคการปรคุณไม่ต่างอะไรกับความฝันฝันว่าได้แก้วมณีฝันว่าได้วิมานฝันว่าได้ทรัพย์สมบัติใช่ไหมแต่เมื่อตื่นขึ้นมาแล้วมีแต่ความว่างเปล่าไม่มีสาระอะไรที่จะยึดถือได้ไม่มีสาระอะไรเลยแม้แต่น้อยนิดแม้ฉันใด กามาคุณทั้งหลายที่เราเหมือนว่าเราได้เราได้กินได้เสพได้คุ้นได้เกี่ยวข้องอะไรทั้งหลายเป็นความฝันพป่หมดแล้วแล้วก็สร้างความฝันในอนาคตแล้วก็ลุ่มหลงมัวเมาในปัจจุบันเนี่ยนะแล้วก็สร้างความหวังในอนาคตอีกต่อไปมองไปอดีตก็หมดหวังอยู่เรื่อยเนี่ยนะเป็นเงี้นไหมอังคารักกาสูประมาหลุมทานเพิง ทุกแสนสาหัสจนกว่าจะตายในที่สุดชั้นใดเนาะก็คือผู้ที่บริภคกามคุณนะก็ถูกราคาดำกิรมาณาเนี่ยทรมานจิตใจให้ได้รับทุกขเวทนาเวียนไห้ตายเกิดในสังสารวัฏจนหาเบื้องต้นและที่สุดไม่ได้เนี่ยเป็นอย่างนี้มันตกหลุมฐานเพิงซะแล้วจิตที่จะคิดออกจากหลุมฐานเพิงมันไม่มีมีแต่ว่า คิดว่าหลุมใหม่มันจะสุกกว่านี้ก็โดดเข้าหลุมใหม่อยู่เรื่อยๆแต่หลุมฐานเพิงก็คือหลุมฐานเพิงมันจะกลายเป็นแก้วมณีมันจะเป็นหลุมเพชรนินยินดามันจะเป็นสถานที่มันโอลานไปไม่ได้ตกลงไปมันก็เจ็บปวดแล้วก็เลยสร้างความหวังในอนาคตว่าเออเนี่ยที่เรามาเจริญกุศลเนเพื่อที่เราจะได้หลุมใหม่อันนี้ก็ผิดอีกเห็นไหมไม่ฟังธรรมเพื่อจะหวังหลุมฐานเพิงใหม่ ไม่ใ้ฟังทำเพื่อจะออกจากหลุมฐานเพลิงนี้มันก็เจ็บปวดอีกถามว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเดิมนะเนี่ยที่ฟังเนี่ยวิชาความรู้ที่เรารู้กันมาเนี่ยเป็นเรื่องเดิมๆทั้งนั้นเรียนมาเหอะศึกษามาเหอะเดี๋ยวก็ลืมเราคิดว่าเดี๋ยวเราไปเรียนใหม่เนียเอาทาบุญก็สุดว่าชาติต่อไปเราจะได้ไม่ลำบากชาติต่อไปเราจะได้ไม่ลาบากเราจะไม่เบื่อไม่เดือดร้อนใช่ไ อันนั้นก็ถือว่ายังเชื่อการเวียนว่าตายเกิดใช่ไหมแต่นี่คือเล่นกับการที่จะโดดรองหลุมโดดไปที่นัเข้านัเข้าเอ้ยหลุมนี้ไม่ดีอย่างที่คิดออกไม่ได้ต้องให้ตายก่อนใช่ไหมเพราะเราไม่มีเราไม่เชื่อท่านผู้รู้ทั้งหลายเราไม่ติเกียกตรตะกายในการที่จะปีนหลุมขึ้นมาเนี่ยพุทธเจ้าบอกให้ปีนขึ้นมาแล้วบอกว่าเอาให้ชาติต่อไปชาตินี้ปีนไม่ทันคิดเงินไหม มอชาตินี้ปีนไม่ทันแล้วขอชาติต่อไปขอให้บางคนตั้งโฆษณานเลยะจะขอโดดลงหลุมอีกนานยังกว่าจะเจอพระสิยยะเมตยัยแล้วคิดดูมันเกิกี่ล้านล้านหลุมอย่มั้งก็อันนี้คือกลุ่มที่คิดอยากอยู่ในหลุมแต่คนคิดบอกว่าเะและเราอยู่ในหลุมจริงแต่เรามั่นใจว่าเราโดดขึ้นจากหลุมเราไม่คิดไม่ติดข้องในหลุมไอ้กลุ่มนี้ก็ถ้ามั่นใจจริงนะ กลุ่มนี้ก็สร้างบารมีเพื่อปรารถนายาวไกลไปแต่คนบอกว่าโอ้โหเราเนี่ยเป็นคนที่แม้ได้ฟังได้ยินอะไรหน่อยมันจะน้อมไปในเรื่องนั้นได้ง่ายมากกลุ่มเหล่านี้ก็กลัวกลัวภัยก็รีบหลบหลบุกบอกไม่เอาแล้วไม่อยากโดดรงหลุมใหม่แล้วสร้างอัธยาศัยอยพ้นนี่ได้นีน่วิสรุกระวิสรุกขะพรูปมาก็คือว่ากรรมคุณห้าเนี่ยเหมือนผลไม้ที่มีพิษกล่าวไปแล้ว ไม่ต่างอะไรคนที่กินผลไม้ที่มีพิษเข้าไปนะประสบกระทบเควทนานะพิษของผลไม้ยางในสุนที่ก็แสนสหาหัสทรมานมากตอนนี้โดนพิษเล่นงานกันหลายคนใช่ไหมเจ็บปวดมากปวดไหมเจ็บปวดไหมแต่ไม่เคสยังกินอยู่นั่นแหละก็ <c oughs> กินต่อใช่ไหมคิดว่าไออันใหม่ไม่มีพิษนะ่ะแต่ที่เสพมามันผิดนะ่ะก็จะลองใหม่ เห็นไหมบางคนเนี่ยไอเสื้อผ้าเนี่ยมันให้มันไม่ดีก็เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่รองเท้านี่ไม่ดีก็เปลี่ยนรองเท้าใหม่ตาคู่นี้ไม่ดีก็เปลี่ยนใหม่ไตนี่ไม่ดีก็เปลี่ยนไตใหม่เสียเลยนอยากลองอยากลองหลุ่มฐานเพิงใหม่ที่จริงก็เสียหายเลยอาสูปมาก็คือว่ากามคุณห้าไม่ต่างอะไรก็ด่าหอกแหลนเหลาที่มีคมนะคนที่ร่วมหลงมัวเมาในกามคุณก็ไม่ต่างอะไรก็ คมของหอกเนี่ยของสัตว์าวุธนั้นมันทิ่มแดงนี่นะปาดประหารเราก็นึกในใจนะตามันฟ้าวหมดแล้วตอนนี้เราถูกหอกนี้ทิ่มอยู่เราคิดว่าหอกอันใหม่ไม่น่าจะทิ่มเราเจ็บปวดขนาดเนี้เดี๋ยวเล่นใหม่ใช่ไหมเราก็ไปเอาหอกใหม่ทิ่มใหม่อีกถามว่าหอกคือหอกไหมดาบคือดาบไหมแหลนเหลาเนี่ยมันก็คือแหลนเหลา มันเสียบเข้าไปมันเจ็บปวดทั้งนั้นนะเจ็บปวดในขณะที่เสียบเข้าไปนะตั้งอยู่ก็เจ็บปวดแม้ขณะถอดก็เจ็บปวดมันเจ็บปวดหมดแล้วตรงเนี้นะการประกอบตนให้หมกมุ่นในการมาสุกสงตัดว่าฮีโนเนี่ยเป็นธรรมที่ต่ําช้าเร็วซามคำโมเป็นธรรมที่ผู้คลองเรือนนะคนที่ติดแน่นอยู่ในเรือนนะ่ะเรือนนั้นเป็นเชื่อของกามาคุณนะรูปเสีย ง, งกินรสสัมผัสเนี่ยเขาเรียกเรือน เรามีกันคนละกี่เรือนยอะหมดเลยใช่ไหมใครที่ติดนั่นในรูปในเสียงในกลิ่นในรสเนี่ยออกจากมันไม่ได้เขาเรียกคนติดเรือนหนึ่งคนติดเรือนขมโมเนี่ยนะสิงคารานังวิยะสันตะโกกามคุลห้าเป็นเหมือนสรากศพเป็นของมีอยู่สําหรับสุนัขจิ้งจอกวิยคูทาราศีกามคุณห้าไม่ต่างอะไรกองอุจระที่เป็นของมีอยู่ของหมู่หนอนถามว่าในอุจระเนี่ยนะ นอนเท่านั้นแหละมันอยู่คนที่ติดในกามาคุณทั้งหลายก็คือนอนก็คือหนอนเนี่ยแต่ถ้าคนไม่ติดกามาคุณเนี่ยปัญหาว่ากล้าที่จะกระดึ๊บกระดึ๊บออกจากกองอุจจารไหมออกมาได้นิดเดียวหิวต่อเฮ้ยกลับไปใหม่ทนไม่ไหวเคยเป็นไหมท่านท่านอุมาแรงไหมแรงไปเนาะ ทีนี้ท่านถึงบอกว่าวิยะจันทินิกาเนี่ยเหมือนกับปลักแห่งน้ําครัมรู้จักปลักน้ําครัมไหยแปลว่าอะไรหนองน้ําครัมเนี่ยเป็นของมีอยู่เองถามว่าน้ําครัมที่น้ํามันเขียวๆเวน่าๆทั้งหลายเนี่ยถามาอะไรมันชอบลงไปนอนสุ ก, กรนะโอ้ชอบมากสุ ก, กรเนี่ยชอบนอนก็อุจละ ปั ส, สวาวะอุจจาระวิ่งนอนก็ดิ้นไปดิ้นมาก็ชื่นใจก็ากามาคุณเหมือนนั่นแหละแล้วเราก็ไปดิ้นกันอยู่เนี้ยต่อไปไปอยู่ใกล้ๆยมผู้ชายบอกโอ๊คอนนอนไกล้ๆคุณหน่อยทอไมไม่อยากอยู่ใกล้หลุมน้เค้าอีกแล้วทั้งป้ายยมผู้ชายก็าเพูดนี้ได้ไมเขากเอ๊ะแสดงว่านอกใจมันคิดไปอีกเรื่องเลยใช่ไหม คิดไปอีกเรื่องเลยคีนังสันตะโกก็คือว่ากามคุณห้าเป็นของมีโยนคันลหัสนะีไม่ใช่ของบรรพชิตผู้เป็นนักบวชปุถุชนิโกก็คือประกอบตัวนี้ติดแน่นในกามาสุขเป็นนิดเนี่ยเป็นของแห่งปุถุชนคนพานที่อ่อนต่อเหตุผลที่เขาบริโภคอยู่หนึ่งหนึ่งดังนั้นคนที่ไม่มีเหตุผลเขาก็บริโภคอยู่อถ้าไปบอกเขาไม่มีเหตุผลได้ไหม เขาบริโภคเลยเขาทอมที่เขาสนุกสนานก็ถ้าเขาบอกว่าจะไปไหนเขาจะไปเที่ยวใช่ไหมเอ้าเขามีเหตุผลเขาแต่ในคำสอนท่านบอกว่าค้นอ่อนต่อเหตุเหตุผลท่านถึงอุปมาบอกว่าการมงคณห้าไม่ต่างอะไรกับปลายข้าวหรือแก่ปรําเป็นเ ด, เดนที่เขาเททิ้งไว้ในรางสำหรับสุกรและสุนัข อีวักคูถักกูมังกามคุณห้าไม่ต่างอะไรกับหลุมอุจจาระที่พวกสุนัขบ้านและสุนัขกิ้งจอกเขาพากันมากินหนืองๆนี่ไม่ต่างกันเลยสุสานนางวิยากามคุณห้าไม่ต่างอะไรกับป่าช้าเป็นที่ทิ้งซากศพทั้งหลายนะเอาซากศพทั้งหลายเนี่เาาย เ, เขาทิ้งก็ไว้อะไรเขาจะแววเวียนมาดีโอ้โหพวกแรงกาทั้งหลายเนี่ยสัตว์ทั้งหลายต่งตางๆพวกมดปลวกทั้งหลายเนี่ยมากันแล้วเป็นแถวหมดเลย นี่นะอย่างเราตายไปเ น, นี่ยใส่ในลรงฝังดินไว้ใกล้ๆใกล้แม่น้ําลงฝังดูดโอ้ยหนอนชอบนักแล้วไม่ใช่อย่างเดียวนะเขาบอกไอ้ปลาไหลชอบจริงๆนะมีคนคนหนึ่งนะเราเอาม า, มาฟังอยู่ข้างๆว่าเขาบอกเคหาจับปลาไหลเขาก็ใช้ฉมวกนึงก็ไปจับหรือบางทีเขาใช้อะไรไปดักเขาได้ทุกวนันทุกวนันมีวันหนึ่งเขาบากงั้นเข้าไปข้างๆบ่าชา้า ไปมันก็เสียงมันร้องโอ้ و, โห و, เสียงอะไรเนี่ยวงี้ยเขาขุดขุดไปก็ไปเจอโรงเนียเขาตกใจเอ๊เสียงอะไรร้องเสียงออร้องเลยนะนะไปไปมาก็ทําไงดีนะเา้าลองเปิดโรงดูแลโอ้ و, โหเขาว่าปลาไหลเต็มไปเลยหูออกเลยก็ตัวขนาดแขนนี่ตั้งแต่นั้นมาไม่ยอมกินปลาไหลอีกเลยเขาบอกแค่นั้นนะมาก็บอกว่าปลาทุกชนิดมันกินหมดแล้วถ้าทุกชนิดมันกินหมดแล้วเอาอะไรทิ้งไปกินหมดของมีชีวิตนะ เอายอมทิ้งไปตัดแขนยอมทิ้งไปแป๊บเดียวมันก็กินมันกินหมดแหละมันเป็นอย่างนี้ก็เลยบอกว่ายอมเลยปลาไก่หมูเนื้อตั้งหลายที่เราท่านต่างหลายกินกันเนี่ยในสังสารวัตรนี่เกี่ยวข้องกับเรามาหลายฐานะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้อง นั่นแหละเรากําลังกินพ่อกินแม่ด้วยเองโดยซ้าไปเราจะคิดมันเดียฉะนั้นเขาถึงบอกมันถึงควรว่าเพียงพอแล้วในการที่เราจะเล่งออกจากสังสารวัตเขาถึงคิดกันได้เพราะเขาถึงไม่ต้องการหมกมุ่นในการมคุณนั้งหลายเขาถึงต้องการสร้างบา ร, รมีตรงเนี้นะวัดจั ก, กุติวิยาเขาคือว่าเป็นแสนเจโสโคกเขาบอกว่าปฏิกูลที่น่าเกียดอันชนทั่วไปพากันมาถ่ายทิ้ง ถว่าเวชกุดีภาษาพระส้วมเนี่ยนะห้องน้าห้องน้ำเนี่ยที่เาเราต้องจำเป็นต้องเข้าไปกันเนี่ยเราเอาเงินทองไปฝากไว้ไหมไม่ใช่เลยเราของไม่สะอาดไปทิ้งเขาไว้แล้วก็รีบออกมากันเลยใช่นี่ทั้งหลายเหมือนกันกรรมคุณยก็อย่างเงี้ยคนมีปัญญาทั้งหลายเขาเขาเกี่ยวข้องเหมือนกันนะแต่เขาเกี่ยวข้องเพื่อจะสลัดออก ไม่เกี่ยวข้องเพื่อจะยึดถือเขาฉลาดนะคนที่เขามีปัญญาทั้งหลายเขารู้จักในการที่จะเกี่ยวข้องกรรมคุณแล้วเขาไม่เป็นทุกข์กับมันเดียวเขาไม่เป็นทุกข์กับการเช่นมีตาหูจมูกลิ้นกายใจของตนเองเขาก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมเพราะเขารู้ว่าเป็นการมพุทุนแล้วถ้าตาหูจมูกลิ้นกายใจสมมติเป็นสามีสมมติเป็นภรรยาสมมติเป็นลูกสมมุติเป็นพ่อแม่พี่น้องเขาจะทุกข์กับตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นไหมเขาไม่ทุกข์หรอก เขาก็เกี่ยวข้องโดยฐานะที่จะต้องมาเกี่ยวข้องกันแล้วก็ทําหน้าที่ให้ดีที่สุดแต่ก็ไม่ทาไม่ไม่เข้าไปยึดถือไม่เข้าไปยึดถือโดยการผูกติดไว้แล้วก็ไม่ไปเสพไปติดจนกลายเป็นเจริญกุศลไม่ได้เขาใช้อย่ายงหรือออย่างหนึ่งก็คืออาจจะมาติดถังวิยะเหมือนสำหรับเขาบอกว่าเหมือนกับชามเหมือนกับอ่างที่ล้างอาจมดังที่ได้กล่าว อนารีโยก็แบบประกอบตนให้มัวเมาอยู่ในกามาคุนนั้นไม่ใช่เป็นของภริยาที่ท่านเปรียบเทียบไว้วิยะจันทารานังภริยากามกคุณห้าไม่ต่างอะไรกับภริยาของพวกคนจันทานนะไม่เป็นที่พึงต้องการของพราหมณ์ทั้งหลายผู้มีตระกูลสูงถ้าถามบอกว่าคนที่เขาอยู่ในตระกูลสูงอะถ้าเราเป็นจันทานเนี่ยเขจะปลาถนาเราไหมโอ้ไปอยู่เขาเขาเขารังเกียจเรานะนี่ก็เหมือนกันนะคนที่เขาเป็นชาติบัณฑิตทั้งหลายเขาเกี่ยวข้องกามกคุณเป็น เขาเกี่ยวข้องกัรรมคุณเขาเห็นโทษกับรรมคุณเขาก็เกี่ยวข้องกัรรมคุณโดยไม่ใช่ไม่ให้กรรมคุณนั้นมาทิ่มแทงเขาเอายอมได้จะจับหอกจับดาบจับมีดเขาต้องระวังไหมต้องระวังอยู่ไหมเออถ้าหากว่าจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับงูพิษเนี่ยเขาก็ต้องระวังถ้าไปเกี่ยวข้องกับพกหลุมทานเพลินเขาก็ต้องระวังไปเกี่ยวข้องกับยาพิษเขาก็ต้องระวังอันนี้เหมือนกันเขาเห็นกรรมคุณห้าน่ะมันมีคุณยังอย่างแต่มันมีโทษมันเยอะอย่างเงี้ยเนอะก็มาพิจารณาอย่างเงี้ย สุนัขาสุกรานังอาจารโยยะเขาบอกว่ากิริยาการที่ไม่ใช่ของภริยะเหมือนกับอาจาระของสุนัขและสุกรทั้งหลายไม่ใช่อาจาระของพญาไกศอนราชาสีใช่ไหมคนละส่วนกันเลยประการต่อมาก็คือว่าการประกอบตนให้มัวเมาในการมาสุขนั้นเปรียบสเสมือนการงานของคนที่มีชาติชั้นเลวไม่ใช่การงานของผู้เบืเสือการประกอบตนนี้ติดอยู่ในการมาสุขเนี่ย จะได้มาซึ่งประโยชน์เพียงน้อยนิดก็หาไม่ได้มีแต่จะนำชาติทุกขชราทุกพยาทุกขมรณะทุ ก, น, า น, าทกนำความโศกความล่ำลายลําพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจมาถึงซึ่งความตายความชิบหายโดยส่วนเดียวซึ่งท่านเปรียบเทียบไว้หลายอย่างหนึ่งตามคุณหนะ้าเหมือนอะไรเหมือนหนทางที่กันดานมีนางยักษินีห่วงแหนอยู่ผู้ใดก็ตามที่ผ่านไปในทางนั้นก็จะมีแต่ความตายพี่น้าชิบหายโดยส่วนเดียว เอาที่เกี่ยวข้องไปสิใครเกี่ยวข้องกับตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วไม่เจ็บปวดยกมือไม่มีหรอกนี่นั่งอยู่นี่ก็รู้ที่ผ่านมาที่เคยไม่เคยเจ็บปวดเพราะการมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเจ็บปวดเคยร้องไห้น้ําตาไหลออกหยกลูกตามาไม่รู้เท่าไหร่ใช่ไหมอันนี้แค่ชาตินี้นะถ้าน้ําตาเหลือเนี่ยนะทุกชาติทุกชาติทุกชาติที่ผ่านมานี่นะเท่ากับน้ําในมหาสมุทรมากกว่านั้น แปลว่าเราร้องไห้มาไม่รู้เท่าไหร่แล้วแสดงว่าน้ําที่ดื่มที่อาบเนี่มันกินน้ําตาตัวเองโดยแท้เนี่ยนะเนี่ยมันกลายเป็นฝนตกลงมากลายเป็นกินน้ําตาตัวเองไม่สะดุ้งสะเทือนเลยนี่คือเราล้องไห้นะ เ, ออเราล้องไห้มาขนาดนี้นะเนี่ยไม่เคยเจ็บปวดกับการที่เราต้องมาล้องไห้ใช่ไหมแล้วเราก็จะต้องกลับไปล้องเขาล้องไห้อีก น, นะะเพราะการที่เราเจ็บปวดกับการติดนั่นในกามาคุณเรออกจากกามาคุณไม่ได้ ออกจากการมาสุขไม่ได้พราะเจ้าบอกทางสายเนี่ยยิ่งเดินเยี่ยมยิ่งวิบัตินะ่ะยิ่งเสพคุนยิ่งวิบัตินะ่ะถ้ายิ่งติดกับมันนะ่ะยิ่งวิบัติเพราะจริงๆแล้วมันจะไม่สร้างปัญญาให้เกิดขึ้นเลยมันจะให้โลภะโทสาวโมหะยังไงจะให้ความรุ่มหลงโดยส่วนเดียวอาศีวีโสวิญะเนี่ยกามาคุณห้าเหมือนอะไรเหมือนอสรพิษไม่ก่อให้เกิดประโยชน์มีแต่จะให้โทษแก่ผู้ที่เข้าไปใกล้ ได้รับทุกนานะประการถามว่าถ้าอยู่กับตาหูจมูกเล่นกายใจเนี่ยเคยท่องทุกวันไหมว่าหนึ่งงูเหา่างูเห่าท่องทุกวันไหมต้องท่องทุกวันวันเนี้ยมันจะกัดเราเมืเ่อไหร่น้ออย่ยอุ้ยผมครั้งหนึ่งมันจะกัดเรากันใช่ไหมเราต้องดูแลมันอย่างดีในะงูเห่าเนี่ยดูแลไม่ดีมันก็วิบัติมันกัดเราอ่ะเคยเป็นโรคที่ผมไหมต้องไปดูแลมันให้ดีด เป็นโรคที่ขนที่เล็บที่ฟันที่หนังที่เนื้อที่เอ็นที่กระดูกที่เยื่อในกระดูกมีหมดโรคเต็มไปหมดนั่นแหละงูเห่ามันกัดก็เราเกี่ยวข้องกับงูเหา่าเราเลี้ยงงูเหา่าเราคิด ว, ว่าเป็นเขาเราไปเข้าใจว่าเขามอบรางวัลมาให้เขา้าใจว่าไม่ใช่รางวัลแล้วเขาบอกยอมบอกยอมนี่นะเขาบอกเอาคุณเอารางวัลไปเพราะงั้น คือดินน้ำไฟลมนี่แหละเอารังวัลไปสี่ชิ้นนี่เป็นชิ้นเอกชิ้นโบแดงนะว่ากันนะเอาไปแล้วรักษาดีว่ากันนะนี่แหละเป็นของที่คุณต้องเชิดชูบูชาดีนะเราก็ตาฝ้าฟางอ่ะเขาเกลี้ยกล่อมเราให้เห็นงูเห่าเป็นเป็นของเราเป็นของสวยงามได้เห็นไหมไอ้ดินน้ำไฟลมที่มันประชมอยู่ในกระแสขันเราเนี่ย แ ท, ท้จริงเขาให้งูเห่ามาสี่ตัวเสร็จแล้วไอ้กรรมคุณเนี่ยเป็นงูเหา่าเอาว่าไงเนี่ยกลับไปต้องไปอยู่กับงูเหา่าทำไงดีทํำไงดีมันกัดไม่งูเห่าเนี่ยต้องเลี้ยงมันดีๆไหมต้องเลี้ยงให้ดีๆต้องคอยเอาใจมันขนาดเอาใจแล้วเนี่ยมันทรยศไหมทรยศน่นี่ย โอ้ยบางทีเราความบางทีเราศรัทธาไปตั้งไว้กับหมอเอาไปตั้งไว้กับงูงเหา่าเขาไม่ใช่สารณนะอีกใช่มปรึกษากันได้ให้ข้อมูลบางอย่างได้แต่ข้อมูลพ้นทุกข์จากวัตฏะไม่ได้นับ้องปรึกษาพระเจ้าพระเจ้ากำจัดพิษเหล่านี้ได้แล้วละละสิ่งเหล่านี้ได้แล้ว <c oughs> คุรัทารายะมะมะทูยะเนี่ยกามงคลห้าไม่ต่างอะไรกับน้าพึ่ง ติดอยู่ที่ปลายมีดโกนผู้ใดที่มีความโลภในอาหารมักจะกินนะเห็นแก่กินเนะี่ยเมื่อเอาลิ้นเนะี่ยไปเลียที่น้ำผึ้งที่คมที่มีติดอยู่มดโกนนะั่นนะลิ้นตนก็จะขาดตกมาเนี่ยนะทกเวทนาปงางตายหรือตายเลียทุกครั้งขาดทุกครั้งเกี่ยวข้องทุกครั้งก็ลิ้นขาดทุกครั้งแล้วแล้วเลียมากี่ครั้งแล้วเนี่ยขาดไปเท่าไหร่เราก็ไม่รู้ทุกทุกทรมานอยู อัมพสัญญาญะวิส พ, พะระภะโวยะเนี่ยกรรมคุณห้าเนี่ยเหมือนผลไม้ที่มีพิษบุคคลบรโภคผลไม้ที่เขาที่มีพิษนี่นะนี่มะม่วงเป็นต้นอะไรเนี่ ย, ยเนี่ยตายนะก็ต้องวิบัติโดยส่วนเดียวคนที่หมกมุ่นในกรรมคุณห้านี่นะก็ประทุกแะพินาศวิบัติตรงนี้เนี่ยท่านถึงบอกว่ากรรมคุณห้าเนี่ยแหละ เป็นยักษิีนีที่แสนจะดุร้ายเมื่อชายใดเข้าไปนี่นะร่วมสมสู่สังวาดด้วยก็เข้าใจว่าเป็นหญิงสาวที่สวยงามก็มีแต่จะถึงความตายผิบหายเป็นเบื้องหน้าแน่นอนแม้ฉัน้นใดท่านถึงบอกว่ากาเมสุ ข, ขาริการโยโคเนี่ยนะท่านก็แยกความหมายบอกว่ากาเมสุ ข, ขาริการโยโคเนี่ยมีสามตอนนะสมตอนก็คือกาเมศนะอันลิกาตอนหนึ่ง อนุโยโคลยตอนหนึ่งเนาะแล้วกามสุกตอนกามาสุขตอนหนึ่งอริกาตอนหนึ่งแล้วก็อนุโยคะในตอนหนึ่งการมาสุขในที่นี้หมายถึงความสุขที่ประกอบไปด้วยกิเลสสกามนอะอําสืบมาได้จากอิทธารมรูปที่สวยๆเสียงที่เพราะๆกลิ่นที่หอมๆรสที่อร่อยสัมผัสที่นิ่มๆเนี่ยอันนี้มาจากคําว่ากามาสุขอริกานี้เป็นชื่อของตันหาอริการ์อริกาเป็นชื่อของตันหา ผู้ที่ติดในกามาสุขนั้นท่านก็วิเคราะห์ว่าอาติพันตีติอัลลาอัลาติอัลคาตีติลาอลลาเป็นต้นแล้วเนี่ยนะท่านแยกบอกว่าตันหาใดย่อมติดคือย่อมผูกพันตันหาใดย่อมติดคือย่อมเกี่ยวข้องเหตุนั้นตันหานั้นชื่ออัลลานั้นเป็นพันทัศน์น่ยนะเพราะอาจว่าผูกอลาทาศนี้อาจด้วยที่เกี่ยวข้องน่ะตรงนี้ท่านก็ลงละปัจจัยก็ หมายเอาตันหาอัลละนี่นะเาแปลว่าเป็นชื่อของตันหาเป็นชื่อของคายเป็นชื่อของตันหาตันหาที่เป็นไปในส่วนของการมาตันหาเพราะว่าตันหาวิภาวะตันหาที่เป็นไปในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ธรรมารมณ์ที่เป็นไปในอดีตอนาคตและปัจจุบันใช่ไหมแล้วก็เป็นไปภายในและภายนอกในบริขารตนเองและบุคคลอื่นคายของตันหามันคุมไปหมดเลย ประการต่อมาเกี่ยวในเรื่องของอนุโยคะหรืออนุโยโคการประกอบใ บ, ใบใ่อยอะไรนะที่เรียกประกอบบ่อยเนี่ยนะอนุโยคะเนี่ยที่ประการต่อมากกคือการประกอบในที่นั้นน่ะเป็นชื่อของการที่บอกว่าการทําให้เกิดขึ้นใ บ, ใ บ, ใบ่อยๆการทําให้เกิดขึ้นเสมอๆการเกี่ยวข้องเสมอๆนี่แหละฉะนั้นการมาสุขนะอลิกาอนุโยคะทั้งสอนตอนเมื่อรวมกันแล้วก็เลยกลายเป็นบอกว่า กามาสุ ข, ขันลิกานุโยกเนี่ยนะการรวมกันเนี่ยก็คือว่าการที่ประกอบตนเองให้ติดอยู่ในการมาสุขความสุขที่ประกอบไปด้วยกิเลสกรรมเนี่ยนะตรงนี้บอกการมาสุขเนี่ยนะตัณหาที่ผูกในการมาสุขชื่อว่าการมาสุขันลิกาการมาสุ ข, ขันลิกายะอนุโยคะเนี่ยนะที่ท่านจัดบอกว่าเป็นความติดหมกมุ่นอยู่ในการมาคุณนั่นก็เลยมาแยกดังกล่าวเลย บอกว่าฮีโนเป็นกา ร, ปรเป็นเป็นการปฏิบัติที่ต่ำช้าคำโมเป็นการปฏิบัติของชาวบ้านปุุชโนเป็นการกระทำของคนที่มีเกิียดหนาปัญญาหยาบอนาริโยไม่ใช่ธรรมของพระอริยอนัตตสังหิโตไม่ใช่เป็นไปประกอบไปได้วยประโยชน์สอดทิผมี่ผลที่ท่านก็มาขยายดังกล่าวบอกโอ้โหเป็นของลามกจริงๆนะเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เราท่านทั้งหลายมาพิจารณาอย่างเนี้ยเราจะเห็นบอกว่า า ก, าาการปฏิบัติที่ทําให้เกิดถามว่าอการปฏิบัติที่การการปฏิบัติตนให้ติดอยู่ในการมาสุขนั้นย่อมเป็นที่เกิดของทรัพย์สินเงินทองเป็นของชาวบ้านผู้ที่อยู่ครองเรือนโดยเฉพาะไม่ใช่การงานของบรรดาชิดนะการปฏิบัติเพื่อรัดทิ้งเป็นอารมณ์จากกิเลส ต, ต่างๆเหล่านี้ในเรื่องเนี้ยในพระบาลีท่านก็แยกความหมายแล้วพระพุทธพน์พระองค์ก็แสดงเลยบอกว่า สิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่ประกอบไปด้วยประโยชน์สถิผลใดๆนะเนี่ยฉะนั้นการประกอบตนให้ผัวพันอยู่ในการมาสุขทั้งหลายเนี่ยเป็นของมีอยู่ของชาวบ้านดังที่กล่าวมาพระบรมศาสดา ก, ก็ทรงแสดงบอกว่าที่บอกว่าความมัวเมาเนี่ยนะที่อุปมาในความหมายในความสุขต่างๆที่ ท่านแสดงโทษของการของเบนจากกรมคุณให้กับภิกษุเบณ ย, ยวคีทั้ง5ในธรรมจักรกับพระวัตนสูตรนีในสุดตันตะเบเทสนาโดยอเนก ป, ประการดังกล่าวถึงแม้ว่าในมหาทุกขคันทสูตรพระองค์สเนสนเทศนาโทษของกามกคุณทั้งห้าโดยอเนก ป, ปริยายนะโดยที่พระองค์นั้นก็ดูก่อนภิกษุทั้งหลายความยินดีในกามกคุณทั้ง5ประการเนี่ยนะ คือรูปควรจะพึงรู้แจ้งโดยจักขวิญญาณเสียงได้พึงรู้แจ้งโดยโสตวิญญาณนะกลิ่นจะพึงรู้แจ้งโดยคานาวิญญาณรสจะพึงรู้แจ้งโดยชิวหาวิญญาณโพธพะก็พึงรู้แจ้งโดยกายะวิญญาณก็ดูก่อนภิกษุทั้งหลายกามคุณทั้ง5รประการเหล่านี้เป็นที่ปรารถนาเป็นที่ยินดีเป็นที่พึงพอใจประกอบการประกอบตนให้กำหนัดในะอีเมโคพิคเวเนี่ยกามคุณ5ประการเนี่ยดังตถาคตแสดงมาเชะนเนี้ย ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสุขโสมนัสอันใดซึ่งอาศัยกามา ส, สุขสุขโสมนัสอันนั้นแลสุขโสมนัสนั้นได้ชื่อว่ายินดีในกามคุณนะโกจะพิกขเวยอาทีนะโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายโทษแห่งกามาคุณทั้งหประการเนี่ยนะโทษของกามคุณนั้นเป็นอย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายคุบุตรบางพวกในโลกเนี่ยเลี้ยงชีวิตด้วยศิลปศาสตร์อันใดนะคือตั้งไว้ซึ่งสําคัญนะบางทีก็คือว่า บางคนก็เรียนเรื่องการคำนวณ น, นะเรื่องการคำนวณเรื่องคณิตศาสตร์ต่างๆเหล่านี้หรือว่าบางท่านก็คือดูแลนะบางคนก็ศึกษาในเรื่องของเกษตรดูแลเรื่องข้าวเรื่องนาเรื่องข้าวเปลือกข้าวสารเนี่ยนะบางข่านก็ดูแลในต้นไม้ดูแลผลไม้บางกลุ่มบางพวกก็ดูแลในด้านของอากาศทั้งหลายบางกลุ่มก็ดูแลเรื่องนกประมาณเท่านี้เป็นต้นนะนะ นิสสุจริงๆก็ไร่นาเลี้ยงชีวิตพาณิชยกรรมการค้าขายทางน้ําทางบกทางอากาศเลี้ยงชีวิตด้วยโครักกรรมบ้างถ้าสมัยก่อนเนี่ยพวกโครักกรรมเนี่ยพวกผลิตปันจากโคทั้งหลายเนี่ยนะรักษาโคของตนให้ดีนะีทุกวันเนี่ยก็มีนะพวกฟาร์มโคทั้งหลายเนี่ยนะีขายซึ่งปันจากโค ร, รถในชีวิตเนี่ยก็ถือซึ่งอาวุธแล้วก็ทําการบํำเลราชแล้วก็เลี้ยงชีวิตด้วยราชบุรุษ กระทำราชการด้วยการแต่งเครื่องอาวุธทยุทวิธีต่างๆบางพวกก็บางพวกพวก็ชํานาญเรื่องศิลปะในเรื่องการเรื่องกองทัพช่างกองทัพมา้านี่นะปัจจุบันก็เปลี่ยนเป็นกองทัพเหล็กหมดแล้วนี่นะปัจจุบันนะเนี่ยอาชีพต่างๆก็ถือเป็นอาชีพนะโอ้ยต้องผ่านต้องแสนทรมานนะคนที่จะไปทํามาให้กินเงินต่างๆเหล่านีเน้เขาเรียกว่าร้อนเอ้ยเนี่ยเบียดเบียนเอ้ย ความหนาวมเบียดบียนเองเหลือบยุงลมแหลดลิ้มลิ้ไรต่างๆนะกายก็เหี่ยวแห้งนะดูการบิกษุทั้งหลายกิริยาที่เลี้ยงชีวิตด้วยมุทภาศิลปร า, าศาสตร์ทั้งหลายก็ดีกิริยาที่ลำบากกายหนาวและร้อนก็ดีทั้งนี้ล้วนเป็นโทษของกามคุณดังนั้นทุกขกขันโทนี่นะบอกนี่เป็นกองทุกข์ที่เห็นประจักษ์กันอยู่นะก็บอกเธอก็เห็นกันใช่ไหมคนที่เขาดิ้นวนกันดิ้นรนกันเอาที่ วิชาการทวิชาการที่สัตว์ทั้งหลายกาลังกระเสือกกระสนเราเรียนกันเนี่ยที่ไปเรียนเรียนกันมาเนี่ยเรียนพืดินลนแสวงหากามคุณนะเพราะกามคุณมันเบียดเบียนเนั้นแล้วก็แย่งกันนะถามว่าเธอก็เห็นไหมเนี่ยนี่ก็ทุกข์แล้วก็เห็นอยู่ทําไมไม่พิจารณาทําไมไม่ไข้ควรนี่โทษของกลามประจักษ์เห็นชัดอยู่ไม่ใช่หรือเนี่ยแต่คนก็มองไม่เห็นนะฮะเอาตื่นขึ้นมาเนี่ยคนจะวิ่งกันวุ่นเลยเราเห็นไหมเขาวิ่งหาการมาคุณกันเน่ยแต่เราก็ไม่เห็น ก็มองไม่เห็นนะว่าเขาเป็นเขากำลังแย่งกันอะไรกันอยู่ใช่ไหมตื่นขึ้นมาแต่วิ่งเข้าครัวแลวเนาะเอาแย่งเข้าห้องน้ำก่อนบอกไว้ไว้สิไว้ไว้สิโอ้ยลำบากเกินไปโรงเรียนก็ยังไปต่อคิวเข้าห้องน้ำอีกแย่งกันโอ้ชีวิตเป็นงี้นะเออนั่นแหละคือความสุขความสุข ที่จริงมันทุกข์แพดเผาเอาเนี่ยเห็นไหมเห็นว่ามันทุกข์ไหมเห็นไม่เห็นอเห็นไหมไม่ออกอ้าวเห็นทำไมไม่ออกเห็นด้วยปัญญาหรือเห็นด้วยโมหะอ้าวเห็นด้วยปัญญาหรือเห็นด้วยโมหะดูมันเห็นนะเนี่แต่จริงไม่เห็นไม่เห็นหรอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายกนระบุนะเพียรปียานที่จะเลี้ยงชีพตนเน่ะนะเตโพคา สมบัติตัณหาที่สำเร็จมาเกิดกุลบุตรนั้นนะ่ะกุลบุตรนั้นก็โศกเศร้าเสียใจนะถ้าไม่ได้สำเร็จนะลำบากทั้งกายและจิตปริเทวนาการนะตีอกชกเสียตัวแล้วโอ้ยร้องไห้ผิดหวังลงไหลฟั่นเฟือนขาดสติบนเพอ่แล้วโมคังวะัตะเมอุท้านังวิริยังความเพียรของเรานีเปล่าแท้กหม่เพียรมาเราทาทุกอย่างขยันมาทุกอย่างใช่ไหม โอ้โห่เปล่าเลยเขาไม่เห็นความดีเราเลยน่าจะเห็นความดีเราบ้างใช่ไหก็ไม่เห็นเลยความพยาญัตของเราเนี่ยไรผลหาประโยชน์ไม่ได้เสียทีเพียรพยายามเหมือนกันพิกเวดูก่อนพิกสุทั้งหลายนี้ล้วนแต่เป็นโทษของกามะคุณเนี่ยนี่ก็โทษกามะคุณเธอก็เห็นกันอยู่นะที่คนผิดหวังกันร้องโหมร้องไห้เนี่ยนะร้องไห้อย่างเดียวมาชอบพูดติดห่มเรื่อยๆทุกขราสีเนี่ยกองทุกเห็นประจักษ์เป็นดังเนี้ย ก็เพราะมีการมคุณเนะี่ยเป็นต้นเนะ่ยเป็นเหตุแห่งการมคุณนะมีการมคุณเป็นโทษนี่แหละโทษแห่งการมคุณตัดสะตัดสเจพิกคเวดูการาญพิกสุทั้งหลายนะเมื่อกุลบุตรนั้นเพียรพยายามนะเพื่อจะเลี้ยงชีวิตโดยประการดังเนี้ยเตโพคาหากว่าทรัพย์สมบัตินั้นสําเร็จแก่กุลบุตรนั้นโอ้ได้มาสมหมายเลยบางคนเนะี่ยลงทุนไปสมหวังเลยนะทำอะไรก็โอ้โหดีใจหมดเลยนะลงทุนมาก็โอ้โห ไ, ได้กําไรเลยกุลบุตรนั้นก็สวยทุกโทมนัสอีก มีการรักษาสมบัติเป็นเหตุอีกแล้วต่นี้ตายแล้วต้องรักษาเอะจะไปฝากไว้ที่ไหนดีนะเนี่ยจะปลอดภัยดีใช่ไหมเศรษฐกิจก็ลงเอาลงเอาโอโ้โหตายแล้วภาวะเศรษฐกิจของโลกก็หดตัวลงขนาดหนักเอ๊ะเราจะไปฝากไว้ในกองทุนไหนดีเนี่ยหากองทุนใหญ่เป็นทุกอีกเลยทุกในการรักษาแล้วต่นี้ วิ่งเข้าหาย่ายใช่ไหมเอในประเทศไทยสักไปปลอดภัยขอธนาคารชาติเอธนาคารชาติจะไม่ได้เรื่องแล้วเอาแล้วเอาธนาคารต่างธนาคารต่างประเทศดีกว่าอา้าวได้ยินข่าวสหรัฐออเมริกาก็เริ่มอีกแล้วเศรษฐกิจกำลังหัวทิ่มลงอีกแล้วลําบากเลําบากไหมนี่ในโทษทั้งการมืคุณเห็นกันอยู่ใช่ไหมโทษของสิ่งเหล่านี้เราก็เห็นกันอยู่เนี่ยแต่เราก็ยังสบายสบายแก้ไขได้ เราคิดว่าแก้ไขได้ทั้งๆ ท, ที่มันไม่ได้เนี่ยตรงเนี้ยในลักษณะเยอะโทมนัสมีการรักษาเป็นต้นเหตุด้วยใส่ใจว่าทําอย่างไรโนทําอย่างไรถึงจะไม่ถูกยึดซับใช่ไหะ ม, มันจะเราจะฝากยังไงเนี่ยถึงจะไม่ถูกยึดเอ๊ะทํำยังไงมันจะเรี่ยงภาษีได้ไอ้ภาษีก็โหดเหลือเกินเนี่ย แวะขึ้นเจ็บเก็บจริงๆสิบเอร์เซ็ตโหน่ากลัวใช่ไหมเราประเทศไทยในโหดสุดๆเลยเนาะในการที่ขึ้นภาษีเนะี่ยขึ้นเกินความเป็นจริงเลยก็ว่ากันไปเลยเนี่ยระบบการต่อรองเต็มไปหมดเลยโอ้โหตายโต้วิ่งกันเต็มเลยเนี๋ยเอาเลยที๋ยวนี้เจ็บปวดไหมเจ็บปวดการทําธุรกิจต่างๆเจ็บปวดหมดเลยเพราะไอ้ที่ว่าไม่ผิดศีลชักลำบากใจเลยเดี๋ยวนี้ เอาแล้วชักลำบากใจต้องศึกษาคำสอนดูเริ่มเห็นแล้วโอ้โหชักไม่ได้เรื่มแล้วเนี่นี่คือข้อเท็จจริงใช่ไหมที่มันเกิดขึ้นนี่เห็นกันอยู่เนี่ยเพราะมันจะต้องถ้าไปลองลองดิเอาทําธุรกิจรายงานตามความเป็นจริงจ่ายตามความเป็นจริงเสียภาษีตามความเป็นจริงเจงเลยเจงนี่ข้อเท็จจริงอะเจงใช่ไม่ใช่นี่ประเทศ เราบอกอู้อย่างนี้ระบบอย่างงี้ไม่ได้เรื่องแล้วก็ว่ากันไปอันนี้เขาเนี้ไงคือโทษต้องการชี้เห็นโทษไม่ต้องการชี้ให้ตําหนิแต่ชี้เห็นโทษของการมาคุณโทษของการเกี่ยวข้องกับการเนี่ยการมาเกี่ยวข้องนั้นเป็นอย่างเนี้ยมันเป็นอย่างนนเ น, งนี้เกี่ยวข้องสิ่งใดไม่ทุกกับสิ่งนั้นไม่มีไม่มีเจ็บปวดแน่นอนแต่จะแลกยังไงให้การเจริญกุศลได้ แล้วให้เป็นไปกับการขัดเกลาวยการสร้างบารมีได้จริงๆเนะี่ยไปคิดอันนี้ต้องไปคิดไปใครกวนนะ่ะแล้วก็ใบกระทาให้ไหมนะเอาให้รอดเนะฮะเราต้องรอดในภบนี้แล้วใาบายภูมิต้องไม่ไปด้วยนะจะรอดยังไงอันเนี้เห็น ไ, ไหมนี่แหละว่าเอาทอทายัางไงโจรทั้งหลายจะไม่นําทรัพย์ของเราไปเงี้ยเอาอะไรตัเนี้ยโจรป้นเพลิงจะได้ไม่ไหมเอาทําประกันภัยไว้ไงเอาล้มอีกแล้วประกันภัยมันเยอะใช่ไหม เอาแล้วเกิดเสซอนามิบ้างเกิดอะไรต่างๆโลกมันเกิดวิบัติมาปบปบปบปบโอ้โหตายแล้วเราก็คิดว่าแม่บริษัทเนี่ยแข็งแรงที่สุดแต่แจ็คลงไปอีกแล้วล้มกันเป็นบริษัทล้มเป็นบริษัทแล้วเนี้ยมันล้มเป็นระเนระนาดเนี่ยนี่คืออะไรเนี่ยนี่รือนี่รือความสุขนี่คือโทษไงนํามาซึ่งบอกว่าน้ําก็อาจจะพลดัดพาทรัพย์สมบัติไปก็ได้ศัตรูผู้ร้ายก็จะไม่ ก็ทำยังไงจะไม่นำทรัพย์ของเราไปได้ก็วิตกวิจารณ์เป็นทุกข์เป็นร้อนนะการจะรักษาทรัพย์อย่างไรดี no, เนี่ยนี่ไงหรือเมือ่อตัดสะเอวังอรคตโตเมื่อกุระบุตรนั้นรักษาปกครองซึ่งทรัพย์ด้วยประการดังกล่าวมาเช่นเนี้ยท้าพยาทั้งหลายนำไปเสียซึ่งทรัพย์สมบัตินั้นโจรทั้งหลายลักไปซึ่งทรัพย์สมบัตินั้นมีฉนั้นก็ไฟก็ไหม หรือน้ำก็พัดพาไปศัตรูผู้ปองร้ายก็ไปญาติไม่ดีทั้งหลายนะก็ลักเอาไปกุลบุตรที่ไม่ดีก็นำความเศร้าโศกทำความลำบากกายและจิตปริเทวนาการตีอกชกตัวนะถึงความลหลงไหลฟั่นเฟือนขาดสติด้วยวาจาวทรัพย์อันใดที่เป็นของเราที่เป็นของเราเป็นของข้าเนี่ยนะทรัพย์อันนั้นหามาได้แล้วแต่เราถูกลักถูกขโมยถูกแย่งไปแล้ว ไม่มีแกเราแล้วร้องไห้ลาโมทุกอีกแล้วโดนโกงเนะืด้วยอาการอะไรต่างๆโวยคนเคยรวยทั้งหลายเห็นไหมโอยมีอยู่ปีหนึ่งใช่ไหมยกปีสี่ศูนย์เล่ากันมาไม่จบเป็นทุกวันเนี่ยนะเดี๋ยวเขาเกิดของเก่าเนี่ยของใหม่ของเก่ า, นะ เ, กาเดี๋ยวกลับมาเกิดใหม่พอลืมๆใหม่เกิดใหม่โอ๊ยทํำท่าทุกกันใหม่อีกแล้วก็เจ็บปวดแล้วก็ไม่ลืมหรอกนะไม่แล้ว อ, อนเะคก็ลืมนะอนะาคก็ลืมลืมลืม สัตว์โลกไม่ค่อยจำทุกไม่เอาทุกมาเป็นข้อคิดเพื่อจะออกจากทุกให้ได้จริงๆนะเพราะพระพุทธศาสนท่านเห็นทุกมาในสังสารวัฏท่านก็มาบอกพระตัดสรู้แล้วท่านบอกเลยท่านแสดงสูตรแรกเลยนะเนี่ยแสดงกรมคุณนี่แสดงกรมคุณเนะีงง่ยนะมันเป็นโทษอย่างนี้ให้เห็นโทษอย่างนี้มันต้องเจาะเข้าถึงความหมายของของการมาสุขาริกานุโยโคทุกโขเนะ อนารีโยอนาตสันนิโต ว, ว่าทําไมพระยะท่านท่านไม่มองเลยท่านไม่เกี่ยวข้องที่ท่านไม่ติดข้องเลยเพราะอะไรใช่ไหมว่าตอนนี้ท่านสบายแล้วยังไงนํามาซึ่งความโศกความลำลายลําพันธ์ใช่ไหมทราบอันใดดังต่ ง, งพิฆเควดูก่อนภิกษุตองหลายโทษอันนี้ก็เป็นโทษแห่งการมาคุณนะทุกขราสีกองทุกเข็ญประจักษ์เมื่อเป็นอย่างเนี้เพราะมีการมเป็นเหตุมีการมเป็นคุณ ม, นะมีการมเป็นข้อมูลนะมีการมเป็นโทษเนี่ยนะ นี่หลาโทษของต่างประคุณปุณณะเจรปรังพิคเวดูก่อนพิกษุทั้งหลายยังมีอีกนะบอกว่าเอาระดับราชาระดับผู้นํารัฐต่อผู้นํารัฐวิวาทกันใช่ไหมเอาอะไรที่เริ่มทะเลาะกันแล้ววางผู้นากับพรามแล้วขราวบดีทั้งหลายก็วิวาดข้าบดีมารดาวิวาดกับบุตรบุตรก็วิวาทกับมันกับมารดาบีดาบีดาบีบีดาวิวาดกับบุตรแล้ว บุตรก็วิวาดกับบีดาทะเลาะกันพี่กับน้องก็ทะเลาะกันพี่ชายก็ทะเลาะกันน้องสาวน้องสาวทะเลาะกับพี่ชายสหายก็ทะเลาะกับสหายอันนี้มีกามาคุณเป็นเหตุนะเนี่ยโอ้โหขัดแย้งกันทั้งวันเนี่ยอามาไปเจอครอบครัวนะเถียงกันน่ะแย่งที่กันหนึ่งศอกที่ศอกเดียวเนี่นะแย่งกันไปแย่งกันมาตกลงไม่ได้คนรวยทั้งคู่เขา่าศักดิ์สิททั้งคู่ฟ้องศาล ขึ้นลงขึ้นศาลลงคิดเดื อ, ทอ ด, อาาอาาอดที่สอกเดียวเมื่อเล่าเอามาฟังมาโอ้โหขนาดเนี้ยที่สอกเดียวแท้ๆยอมกันไม่ได้ศักดิ์ศรีเยอะยัดทุกเลยต้องขึ้นศาเลเลยนะเนี่ยตัดสินใจกันเองไม่ได้ให้คนอื่นตัดสินให้นี่เป็นอย่างนี้อันนี้ใช้ใช้กามาคุณใช้โทษของกามาคุณไหมนี่โทษต้องกามาคุณก็เห็นเห็นอยู่ ทำไมไม่เบือนายทำไมไม่คลายกำนัดทำไมไม่เห็นโทษทำไมไม่เดินไม่ใช่ใครควรไม่ไปเจรณาทำไมไม่เดิประชุมสิกขาสามคนยาวบอกนี่ทางนี้อย่าเดินอย่าเดินอย่าไปยึดติดใช่ไหม <S <S พุทธเจ้าสอนมานานนี่ยังนี่เอามาพวกม า, มาสอนต่อพุทธเจ้าสอนได้ดีกว่านี้ <S 2> <S 2> <S 2> ทีนี้กามาคุณนั้นเป็นเหตุเนี่ยนะตรงนี้ก็บอกว่าเตการะหะวิวาทะ ปามิ น, นาชนทั้งหลายมีพยากาษัตริย์เป็นต้นเหล่านี้ทะเลาะโอ้โตัวนี้ประเทศแต่และประเทศเริ่มทะเลาะ ก, กันเนี่ยแล้วก็เพียรพยายามประหัรประหารกันใหม่ๆก็ด่ากันก่อนใช้ปากก่อนใช่ไหมแต่เข้าแต่เข้าก็ใช้มืออันนี้พยาพยามพยายามแต่เนี้ยเอาแล้วแต่เนี้ยเริ่มตอบโต้กันแล้วน่าแล้วถ้าสมัยก่อนนะถ้าสมัยก่อนประเภทที่ยังไม่ค่อยรุนแรงหน่อยก็ใช้ก้อนดินขว้างกันก่อนใช่ไหม ว่าหินก่อนนี่ก็หนักมาเรื่อยๆก็ไม้เลยนี่ไม้เลยตีกันน่ยเขาก็ดับเอาหอกวิ่งไล่ทิ้มกันเลยแต่เนี้ยถ้าปัจจุบันเนี่ยเอาแหละสารพัดเลยที่ทุกวันนี้สงครามมาไกลเลยเนี่ยยกสู้กันทั้งบนดินใต้ดินน่ะระบบอินเทอร์เน็ตก็เล่นกันแล้วแต่เนี้ยใช่ไหมโอ้โหยิงกันใหญ่เลยแต่เนี้ยเล่นกันใหญ่เลยเอาละแต่เนี้ยโอ้โหตอนนี้เวลาเขาจะยึดพื้นที่กันเขาทำไงรู้ไหมต่างประเทศก็ส่งมาแล้ว ใช่ไหมที่เขารู้คนไทยอ่ะคนไทยจะติดอะไรติดเรื่องการมสาสกรรมคุณพวกติดบันเทิงนี่เอามาแล้วเอาบันเทิงวิ่งตูมก็มาเลยโอย้เรียบร้อยเลยวัฒนธรรมเปลี่ยนหมดเลยอย่างเงี้ยเห็นไหมวัฒนธรรมของไทยเสียหมดเลยเนี่ยก็เรียกศึกชิงศึกกรรมมาศึกกรรมนยเนี่ยศึกชิงกรรมกันนะเนี่ยเขาชิงเรียบร้อยไปหมดแล้วใช่หไหมลองไปดูเถอะมืดมืดหน่อยถ้ามาจะกลับถ้าเดินเดินไปถ้านั่งรถผ่านไปหน่อยเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยแล้ว อมานั่งรถยอมก็ขับแท็กซี่เขาเล่าวันนี้นะท่านนะเนี่ยยอมขับแท็กซี่ตอนกลางคืนนะสถานเรงลมเนี่ยนะท่านนะรถแท็กซี่เนี่ยจอดเป็นแถวเนี่ยนะในกรุงเทพเนี่ยเนี่ยสายนี้อย่างเดียวนี่ท่านนะแท็กซี่พันกว่าคันไม่พอจอดท่านก็เป็นมดเลยท่านเลยเรงอกลราแงกเลยก็งั้นเลนะนี่ไงบอกอ๋อคนไทยเรานี่เป็นอย่างไงโดนเนี่ยไหมโดนค่าศึก เขาโยนร ะ, ะเบิดมาใช่ไหมจริงๆเนี่ยของอย่างนี้เขาผลิตได้ไงไพวกการรมพวกบันเทิงทั้งหลายของเขาน่ยผลิตพวกบันเทิงทั้งหลายเหล่านี้เขาก็โยนลงมาตูมใส่บ้านเราใช่ไหมที่จริงนเ น, นี่ยไอ้เกี่ยวกับเรื่ององหนึ่งเกี่ยวเรื่องของกามไอ้ในกรณีอห่างว่าเรื่องความรู้เนี่ยใช่ไหมเรื่องเรื่องเรื่องการผลิตกับเรื่องบันเทิงทั้งหลายเนี่ยถ้าเราจะดูเนี่ย การอุตสาหกรรมทั้งหลายคือการผลิตทั้งหลายเนี่ยบ้านเราเนี่ยที่จริงเนี่ยถ้าไอ้ความรู้เนี่ยมันไม่ค่อยเข้าถึงกันเท่าไหร่ความรู้จริงๆเนี่ยนะการผลิตไม่ต้องพูดถึงเรารับมาจากต่างประเทศเท่านั้นแหละเราผลิตเองไม่ได้หรอกแต่ถ้าดังกรรเอางี้บรรดาแค่เกมทั้งหลายทั้งหลายที่เขาส่งมาในประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่าเขามาเห็นคนไทยเล่นเนี่ยเขาขำกันเลยนะเขาเล่นกันอย่างมัวเมาอย่างเมามันเนี่ยประเทศเขาเขาเล่นก็แก้แก็แกก็ทิ้งแล้ว เขายว่าเขาศึกษาทำไงก็จะขายได้ได้เงินขายไ ด, ได้ได้เงินใช่ไหมก็ทำมาก็าผลิตขายในบ้านเราบ้านเรามาโอ้โหทำยังไงนะั่นเราจะตามไอ้คนมันผลิตทันเนี่ยเอามาก็หลงเล่นกันใหญ่เนี่ ย, เ, ยเรียบร้อยเดีเนี้นี่เป็นอย่างนี้พระบางองค์เนี่ยขอภัยเนี่ยที่บวชใหม่เนี่ยมาขอลามา อ, อาจารย์ผมอยู่ไม่ได้แล้วถามทาไมช่วงฟุตบอลโลก เนี่ยกามาคุณเลยเนี่ยคือเขาเขาดูมาต้องเขาพ่อแม่สอนเ็ามาแบบนี้บอกว่าเอา้าแล้วพ่อแม่ไม่เชียร์โทษเดยอพ่อแม่ผมก็ติด <c oughs> เรียบร้อยก็ไปเชียร์กันทั้งพ่อทั้งแม่แล้วลูกด้วยนี่เป็นเง น, นะเห็นไหว่ามันเป็นอย่างนี้หมดแล้วนี่โทษแล้วหน้าเข้าหน้าเข้าก็เห็นไหมบองคนก็นวิบัต สุขภาพไม่ต้องพูดถึงไอ้วิบัติตามมายเยอะบ้านแตกสแสแลขาดอะไรเยอะแล้วก็ปัญญาของเราท่านทั้งหลายก็ไปเสียหายกันสึ่งเหล่เนี้ต้องแก้ไม่ได้เอาสิมันแก้ไม่ได้เพราะไม่ฟังธรรมจั ก, กปรปวัตนาสูตรนี่เลยไม่รู้ว่ามัชิมาปฏิปทาเป็นยังไงใช่ไหมว่าอันนี้เป็นกามคุณที่พระเจ้าแสดงไว้เนี่ยนะ่ามันเป็นโทษยังไงมันนํา ม, มาซึ่งความวิบัติยังไงนํา ม, มาซึ่งความเสียหายยังไง แล้วไปเสพติดกับมันแล้วมันออกจากมันไม่ได้อย่างไงแล้วในสื่อจริงๆเหล่าเนี้ยเราจะจมปากกับสิ่งเหล่านี้อย่างไรใช่ไหมสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็มีการประหารประหารซึ่งกันและกันนะนะการลบหลายรูปแบบดังกล่าวเนี่ยนะเตถัดถามรณันปิอิฆัตชันติชนทั้งหลายมีพยากษัตริย์ทั้งหลายก็ถึงคึ่งมรณะตายนะบางทีนะลบกันตายแลย้วบางประเทศเนะี่ยถูกฆ่าตายไปแล้วเห็นไหมบางทีถูกฆ่าตาย ประเทศที่ยิ่งใหญ่กว่าเอาแล้วยังไงยังไงทํำยังไงดีจะทํำยังไงบอกโอ้โหบอยไม่ได้เรื่องเลยเนี่ยในส่วนจริงก็ไปจับเขาแล้วก็ฆ่าตายทําบาปทํากรรมไปทะเลาะวิวาดกันมีทนกรมาคุณเป็นเหตุนะทุกปังตายเลยบางคนเนี่ยนทะเลาะกันทุกปังตายนะบางคนก็ตายไปแล้วไม่รู้เท่าไหร่เห็นไหมแมในบ้านเราใช่ไหมนี่ก็ทุกปังตายด้วยบางกลุ่มก็ตายไปแล้ว บางกลุ่มก็ทุกปานตายทั้งทรมานทั้งคนอยู่คนตายเนี่ยถามบอกว่ามีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นข้อมูลเนี่ยมีอะไรเป็นต้นเขาเนี่ยมีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยเนี่ยกามนี่แหละนี่โทษของกามาคุณก็เห็นกันอยู่ไม่ใช่หรือเนี่ยมีการเป็นเหตุมีเนี่ยเป็นเหตุแห่งกามาคุณมีกามาคุณจะเป็นโทษปุณณจะปรังพิกเวดูก่อนพิกษุระยังมีเหตุอื่นอีกชนทั้งหลายถือเอาซึ่งดาบและโลเป็นต้นอาวุธในยุทธโภคกรนะเอาปืนนะเข้าไปยิงกันแล้ว เข้าสู่สงครามยุทธภูมิกันแล้วเดี๋ยวนี้นะเอายามเนี่ยบอกว่าเขาบอกอะไรเนี่ยยามศึกเราลบยามสงบแล้วพัฒนายามสงบแล้วลบกันเองเนี่ยนะเนี่ยการดวลบกันเองแล้วฆ่ากันเองเนี่ยเนะนี่ยยกเนี่ยนะเอาละเดี๋ยนี้ข้ามหานฟันตึงกันแล้วกันนะ ในสุดจริงๆก็ทั้งหอกทั้งดาบทั้งอะไรต่างๆเหล่านี้เนียถึงการที่ตายตายแล้วเนี่ยไปเกิดในนรกไหนบ้างตายแล้วไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างตายแล้วไปเกิดเป็นเปรตบ้างเ ป, เป็น ส, รสุรากายบ้างสัตว์นรกโอ้โหลำบากเยอะนะตายด้วยความแค้นตายด้วยความโกรธตายด้วยอุดมการณ์ที่ว่ากันเนี่ยนะถามว่าชีวิตจะไปไหนเนี่ยนะ ท่านคนอยู่คนไปเนี่ยโอ้ยแสนทรมานพิกเวดูก่อนพิกษซทั้งหลายอาการที่ย่างเข้าสู่สงครามที่คําห่ําเข็นฆ่าซึ่งกันและการล้มตายสึ่งทุกขปางตายเป็นต้นเหล่านี้ล้วนเป็นโทษของกามคุณนะนี่ทุกขราสรีกามคุณเป็นนี่เห็นประจักษ์อยู่นี่นะก็เป็นโทษของกามมีกามคุณเป็นเหตุนี่เหตุของกามคุณปุณณจจะเจริญังพิกเวดูกนพิกษซทั้งหลายยังมีเหตุอื่นเล่าชนทั้งหลายถือเอาซึ่งะ อาวุธยุธโทโธปกรณ์ต่างๆนั้นน่ะ น, นะก็เข้าห้ามหันมนุษย์ทั้งหลายก่อซึ่งเชิงเทอแนีงอิฐถีสันฐานบอกว่ากรณีอย่างนี้ก็คือว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คือว่าบางกลุ่มก็คือว่ามนุษย์ทั้งหลายอยู่หน้าเบื้องต่ำแล้วก็แทงกันด้วยสาตาร์วุธนี่คือกลุ่มที่คนสู้กันนะระหว่างบางพวกนะั้ถ้าสมัยก่อนนี่นะ คนที่รบกันเนี่ยถ้าเราอ่านประวัติศาสตร์เราอ่านก็ตื่นเต้นใช่ไหมแล้วอ่านก็ได้แต่ประวัติศาสตร์ได้แต่ความตื่นเต้นนะสมัยก่อนพนระทะเลสวนมหาราชในการที่จะไปรบนเนนตีเนี่ยนะยกขึ้นไปในการจะ่ไปบุ ก, กต่างข้าศึกก็อยู่ข้างบนว่างั้นนะแต่เขาเอง ก, ก็มองเราข้าศึกก็อยู่ข้างล่างนี้กนะ็ <c oughs> วิ่งง้แง ม, มันกันก็ขึ้นไล่แทงกันนี่มะก็เลยในสุนจริงกันเนี่ยตายบ้างทุกปางตายบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้สิ่งต่างๆเหล่านี้นั่นแหละว่างั้นนะบางพวกก็ ถึงแก่ความตายแล้วดูก่อนภิกษุนหลายสภาวะถึงความบรณะถึงความตายเหล่าเนี้ยทุกเวทนาปางตายก็มีทรมานก็มีบาดเจ็บล้นตายก็มีบางคนก็พิกลพิการเป็นต้นก็มีในการสู้รบกันในการที่ห้าหันประหัรประหารก็ดูก่อนพิกษูจน์ตรงนี้นี่ก็คือมีทุกเป็นเหตุมีกามคุณเป็นเหตุมีกามคุณเป็นเท่ามูลนะมีมาจากการแย่งชิงกามคุณเป็นเหตุเป็นปัจจัยนะทีนี้ประการต่อมาก็คือว่า ยังมีอีกนะว่างั้นนะกรณีอย่างนี้ก็คือการย่องการป้นต่างๆการคบการในการแย่งชิงภรรยาของบุคคลอื่นเป็นต้นเราเนี้ยนะโหนี่ก็มาเกี่ยวกันในการแย่งชิงกันนะในชีวิตประจําวันเราก็เห็นนะของรักของห่วงซึ่งกันและกันมีการแย่งของกันและกันเยอะแยะเบ็ดเสร็จเ่าเนี้ยนะนี่ก็โทษของการมคุณดังนั้นดูก่อนยังมีอย่างอื่นอี้นะประการต่อมาการประพฤติทุจริตถามว่า ทุจริตทางกายทุจริตทางวาจาและก็ทุจริตทางใจกายะทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเนี้ยอันนี้ถามว่ามนุษย์ทั้งหลายที่ประกอบกรรมทํำขินในการประกอบกายะทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตเนี่ยคนทั้งหลายเนี่ยนะเบนจะขันเน่ยเบื้องหน้าแต่จุจิตติลงก็ไปเกิดในสัตว์เดรัจฉานบังเปรตบ้างสัตว์นรกบ้างนี่นะถามว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ย ท um, yes ี่วิ่งพ่านในกามคุณประกอบติดแน่นในกามคุณแล้วก็วิ่งแย่งการมคุณกันอย่างเงี้ยในส่วนจริงถามว่าตนเองประกอบสุจริตหรือทุจริตก็ประกอบกายสุจริตประกอบกายทุจริตวจีทุจริตแล้วก็มโนทุจริตเพราะอะไรถึงประกอบกายทุจริตวจีทุจริตมโนเพราะกายก็ไม่สะอาดวาจาก็ไม่สะอาดใจก็ไม่สะอาดเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าศีลไงเขาไม่ได้เดินดําเนินตามกุศลศีลอะไรเลยชีวิตของเขา เขาไม่มีเจตนาศีลเจตสิกศีล ส, สังวรนวิติกรมศีลใดๆเลยเขาไม่เคยรู้เรื่องศีลในการที่จะงดเว้นจากบาปประกรรมทั้งหลายเลยแล้วในสื่อจริงๆก็ก็ประสบกับทุจริตสามเมื่อทุจริตสามันประชุมอยู่ในกระแสใจกันแล้วเขาจุดติคือตายไปแล้วก็เข้าถึงอบายทุกติวินิบาตานรกนี้กระโทษของกามนี้ก ก, กามเป็นเหตุนะประการบอกว่าโยกาเมสุฉ ok ันทราคะวินโยอาการที่นำมาเสียซึ่งฉันทราคะ คือความกำหนัดในกามคุณนันใดก็ดีกริยาที่นำเสียซึ่งสละซึ่งชันตราคะตามความปรารถนาและความกำหนัดในกามคุนนี้ชื่อว่ากามณิสารณะถามว่าจะพ้นจากกามคุณไ ด, ได้ได้แก่พระนิพพานเหตุฉะนั้นเน่ยพระบรมศ า, ศาสดาจึงได้เทศนาแก่ปัญจวัคคีย์บอกว่าในธรรมจักรกับปวัตินสุทีโนกาลามะกะโกเนี่ยการมาสุขคาลิกานิยมใ น, นความกำหนัดในเบญจา ก, การมาคุณเนี่ย เป็นของชั่วเป็นของลามกไม่ได้เป็นทางเดินของพริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์บุคคลผู้เป็นบนรรชิชตในวรพุทธศาสนาบุคคลที่เพียรพยายามที่จะออกจากกา ร, รมาคุณทั้งหลายนั้นให้ละเว้นเสียได้และอย่าสมาคมอย่าเกี่ยวข้องคาว่าอย่าสมาคมอย่าเกี่ยวข้องในที่นี้คืออย่าไปเสพติดศึกษาได้แต่อย่าเสพติดเข้าใจ คำมาศึกษากรบเสพติดคนละอย่างนะดูเทรทัศน์ดูเพื่อเสพติดกับดูเพื่อศึกษาต่างกันไหมต่างกันคนละโลกเลยถ้าดูเพื่อศึกษาดูเพื่อจะเอาสาละจริงๆแล้วไม่ไปเกี่ยวข้องกับการที่จะไปยึดติดเลยเลยนี่ยนะดูแต่เข้าใจจริงๆนะแต่ยี่ีกอย่างอามายังไม่กล้าดูนะที่พูดได้เนี่ยไม่อยากจะไปดูหรอกดูแล้วดูแล้วมันไม่ค่อยอยากจะ คือตาคู่เนี้ยไปทำกรรมจากการดูสิ่งที่ไม่ดีมาเยอะแล้วดูตาจนแทบเสียไปแล้วถ้าใช้ดูพระธรรมมาตั้งแต่เกิดป่านนี้มาน่าจะได้ดิบได้ดีกว่านี้เยอะนี่เพราะไปดูสิ่งที่มันไม่ใช่ว่าธรรมคาสอนของพระเจ้าโอ้ผิดพลาดเยอะพอจะมาดูพระธรรมเข้าต้องใส่แว่นแล้วโอ้ลําบากเลยดีย่นี่เป็นอย่างเนี้เริ่มมองไม่ค่อยเห็นนะเป็นงั้นไหมโยมผู้หญิงโยมวัยจายบางด้านอายุมาก พอลูกอังสือธรรมะไม่ดูทำไมตัวเล็กยังนลูกบอกพ่อเขาก็มีแค่นี้นะไม่เหมือนสมัยพ่อตัวใหญ่กว่านี้ยเยอะแล้วลือดมดิดซะแล้วต้องขยายใหญ่แล้วเล็กดูไม่เห็นเนี่ยในลักษณะอย่างนี้ถ้านบอกว่ากามาสุขขาลิกาในโยกนี่นะส่วนอัตตกิลามัทานโยโคทุโคเนี่ยอัตตกิละมัานโยโคเนี่ยเป็นของลามกเหมือนกันนะ อาติกตะกิลมามาสฐานนิโยคัสเนี่ยข้อปฏิบัติขิดรัธิภายนอกเอารัฐีภายนอกก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาดูลัธิภ า, ายในนะในกาลรสรุคัลิกาในโยคเนี่ยรัธิภายนอกก็มีพ่อไปเข้าใจว่านิพานเป็นสุขในปัจจุบันมันมีนะคนที่เขาคิดว่าการเสพกามคุณแล้วเป็นนิพานเขาบอกเขาจะถึงนิพานได้โดยการเกี่ยวข้องกรมคุณโอ้โหมีมากมีก่อนสมัยพระพุทธเจ้าบัต แม้ในยุคที่พระเจ้าบัตรหลังพระทธเจ้าพระธรรมพระเจ้าหลังจากพระศาสนาพระเจ้ามาดำเนินมาตามลำดับศาสนานี้ก็มีอยู่ให้สังเกตได้มาไอมาคันธิยะปริภาชกเขาถือบอกว่าการทำให้ตาหูจมูกเล่นกายใจเจริญอันนี้คือเป็นการประกอบในละที่ของเขาคือการทำยังไงที่จะทำให้เขาได้เสพการมาคุณที่ไม่เคยเสพ รูปที่ ส, สวยๆเนี่ยนะนะถ้าเขาได้เกี่ยวข้องแล้วเขาก็จะไม่ยินดีแล้วเขาจะสแสวงหาที่สิ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องก็หารูปที่วิจิตพิสดารยิ่งยิ่งขึ้นไปเสียงกลิ่นรสสัมผสัสก็ในยะเดียวกันเนี่ยเขาถือว่าการเสพความสุขของเขายิ่งยิ่งไปอย่างเงี้ยเพื่อจะเข้าถึงพระนิพพานเขาเ้าก็เลยมีเยอะฝรั่งฝรั่งบอกเป็นต้นแบบไม่ใช่ถ้าไปอยู่ในสังคมของชมพูเทวี่ ยุคชมพูทวีปก่อนพุทธเจ้าบาดเกิดขึ้นเนี่ยต้นแบบจริงๆมาอย่างเนี้ยกลุ่มชมพูทวีปตอนนั้นยุโรปยังมีประเทศอยู่ยังไม่มีเลยยังไม่มีผู้คนเลยเป็นคนป่าอยู่เลยไม่รู้เรื่องรู้ราวนะเอามาไปเจอฝรั่งเขามาอังกฤษนะบวชเป็นพระเขาอยู่กับอาจารย์อะไรไม่รู้เป็นนักปฏิบัตินะมาอยู่กับมา อยู่กันในเถียงที่ิีแรงมากโอ้โหเต็บปากคือเขาเชื่อเขาเขาเชื่อเขาเชื่อเรื่องว่าเขาสามารถรู้เรื่องวัฒนธรรมประเพณีได้ดีโอ้โหเขาคุยเก่งจริงจริงนะนมาเ็าฟังแล้วฟังอีกมีอยู่วันนี้มาที่ทาไงดีเขาบอกเขาเป็นนักปฏิบัติอ่ะใหม่ๆก็คุยแบบเกงอกเกงใจนเข้านะเข้ามาถาม ให้ถามจริงประเทศคุณเนี่ยตั้งมากี่ร้อยปีอามาบอกประเทศไทยตั้งเนี่ยพวกคุณคือคนป่าไม่รู้เรื่องมีอะไรหรอกแล้วมันจริงๆใช่ไหมลองไปสืบประวัติ ด, ดูทีคนไทยนี่ชอบยกย่องเขามาเจริญที่หลังเราเนียเจริญที่หลังเรา ของเราพุทธศาสนาเนี่ยนะในประเทศไทยในะเข้ามาตั้งนานแล้วแต่เราไปทิ้งพุทธศาสนาไงพอไปทิ้งคำสอนของพระบรมศาสดาเราก็เลยไปเช่นชมวัฒนธรรมตะวันตกมันยึง่งกลายเป็นเ mm hmm. ออของนอกกันอยู่ทุกวั น, นลำบากเลยเสียเลยใช่ไหมของดีๆเราเสียหายหมดตันนี้ mm hmm. ก็ ตรงนี้ก็คือว่าพระพุทธเจ้าบอกอาเจรโกเนี่ยนะพวกที่เป็นอาเจรกาปฏิบัติได้แก่พวกไม่นุ่งผ้าเลยพวกนี้ป่วยกายแม้ในปัจจุบันนี้อินเดียก็มีอยู่เห็นไหมลัทธิเนี่ยมีอิทธิพลยันทุกวันนี้เออพวกเปืวยกายเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเอออาเจรกาเนี่ยไม่ใช่พวกนี่นี่ครหน้าตบุตรเออพวกเกี่ยวกันในเรื่องของ ศาสนานิครณศาสนานิครนอีกอย่างนะศาสนานิครณนี่เขาปฏิบัติแบบอุกรฤษนั่นอีกอย่างเชื่อไหมคนที่ปฏิบัติแบบศาสนานิครณเนี่ยประเภทมีสองนิกายที่กำพรนกสเสวตำพรเนี่ยนะไอ้กลุ่มนิกายที่นุ่งลมห่มฟ้าที่ไม่นุ่งเสื้อผ้าเลยเนี่ยมีแต่พัดถือแต่พัดนี่นะ past, ถ, นนะถ้าไปดูตามวัดต่างๆปัจจุบันเนี่ยมีประมาณสามสี่ร้อยรูปเนี่ยสามซอยสามสี่ร้อยเอามาเคยไปสัมภาษณ์ ไปอินเดียก็ไปสัมภาษณ์เขาไปถามเขาบอกว่าเออถามบอกทําไมคุณปฏิบัติแบบนี้ใช่ไหมเออไม่ใช่ามาถามนะจริงๆพระที่ไปได้วยกันไปถามท่านไปถามเนี่ยทําไมปฏิบัติอย่างนี้ใช่ไหมไม่อายเขาบ้างหรือใช่ไหมคือว่าเขาใส่เสื้อผ้ากันหมดเบส็จเนี่ยท่านมาเปืยกายอย่างเงี้ยนะแล้วเป็นของหน้าเกลียดหน้าอุจาระมาก เดินไปไหนมาไหนก็เดินโชยอย่างชนิดที่ไม่อายใครเลยอย่งเนี้ยไม่อายเขาบังเลยใช่ไหมเอออย่างเงี้ยไอ้อาตมกริยาฐานุโยคะเนี่ยก็จะิญรักษณะ่ห์อย่างเงี้ยแกก็ย้อนถามมาบอกว่าแขนเป็นอวัยวะเป็นใช่ไหมศีรษะเป็นอวัยวะเป็นขาคุณที่โผล่มาเป็นอวัยวะเอาคุณทำไมไม่ปิดให้หมดนะ่ะก็คืออวัยวะส่วนหนึ่งแล้วจะตอบผมบอก ามาเมาบอกผมบอกแล้วไปถามก็ทำไม <c oughs> ก, ก็มีเลยเขาถามแล้วอายเขามไหมเนี่ยไม่ <c oughs> ไปถามแบบนี้ใช่ไหมก็ไปเที่ยมเขาเขที่ ม, มกกับทามาเลยต้องไปถามต่อก็บอกเข้าใจที่คนอธิบายมันเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งแต่มันเป็นข้อปฏิบัติที่คนอื่นเขาไม่ทำกัน แล้วที่คุณไปเข้าใจว่ามันเป็นกิเลสเนี่ยแล้วจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ไหมกิเลสไม่อยู่ตรงนั้ น, นกิเลสมันอยู่ในนามธรรมใช่ไหมมันอยู่ในใจที่ถามนะ่ไม่ได้ถามเพื่อต้องการที่จะไปขัดแยงด้งใดๆแต่ในศาสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านตำหนิการคอบปฏิบัติก็คุยกันไป การเปือยกายอยู่เป็นนิดมุตตาจารโหน่บางพวกก็ถือมุตตาจาระปฏิบัติมุตตาจารโร<ฮ>เนี่ย น, นะเขแปลยืนถ่ายปัสสาวะเป็นนินิคือจะไม่ยอมนั่งถ่ายปัสสาวะปัจสาวะนี่ชาวบ้านมงคลก็ไม่ยอมนั่งถนะ่ายปัสสาวะเนี่ยจะมายืนแต่ถ้าพระเนี่ยภิกษุเนี่ยนะไม่เป็นไข่นี่ยนะห้ามนะห้ามยืนถายปัสสาวะต้องนั่งพระนี่ต้องนั่งเพราะเดี๋ยวจะเป็นเหมือนข้อปฏิบัติของ หัตถาถาวาเลขาบางพวกก็ถือหัตถาอเรขาเลีกปฏิบัติก็คือทายอุจระเพราะทายอุจฉะแล้วใช้มือไม่ใช้ไม้ชําระไม่ใช้กระดาษชําระไม่ใช้น้ําเลยเป็นต้นใช้มือมเพื่อนชําระใช้มือเช็ดทําความสะอาดเป็นข้อปฏิบัติของเขาเลยนะอันนี้เราเคยทํามาไหมเคยตอนเด็กๆ เ, เราเคยทั้งนั้นเลยใช่ไหม ตอนเด็กๆ ก, ก็รู้เรื่องอะไรถายมาไม่ใช่เคยแค่ใช่นะเคยกินอุจจาระตัวเองเลยซ้าไปใช่ไหมใช่เคยทุกคนบางทีแม่พ่อไม่ทถนัด น, นะนอนอยู่ใช่ไหมอุจจาระออกมามือไปติดกระจับใส่ปากเลยเขาบอกคนเรากว่าจะโตขึ้นมาเนี่ยกินอุจจาระตัวเองเท่ากับก้อนขนาดเกือบแทบทุกคนว่บาบอนแต่ทุก ว, วันนี้ไม่รู้ยังไงเล สมัยโบราณเนะี่ยถ้าปัจจุบันก็อะารยมัดมือไว้ก็ได้เอกาคาริโกบางพวกก็ถือกักกาคาริกาปฏิบัติก็คือรับอาหารในเรือนหลังเดียวเอกาโลปิโกก็บางพวกก็กินอาหารแต่มือ้อแต่แต่ละมือ้อแต่ละมื้อก็คือกินคำเดียวเออพวกนิครนเนี่ยก็ถืออย่างนี้นะบบางพวกเขากินแค่คำเดียว ทำไเนี่ยนะบรรดาพวกเคร่งทั้งหลายในประเทศไทยเนี่ยไปเจอนิครณทั้งงายทองนิครณเนี่ยกินคําเดียวเนี่ยเาอยู่ได้จริงๆนะเนี่ยทวารคาริโกก็บางพวกก็ทวารคาริกาปฏิบัติรับก้อนข้าในเรือนสองเหลืองสองเรือนคือเอกิสาวิอิทธิยาก็คือบางพวกก็รับก้อนข้าวสตรีให้คือผู้หญิงคนถ้าไปไม่มีผู้หญิงให้ไม่ไม่รับเลยนะบางพวกเขากําหนดเลยนะบอกว่า ถ้าวันนี้ไม่มีผู้หญิงตักอาหารให้เขาไม่ไ ม, ไม่ไม่กินนักบวชพวกนี้ก็ถือเงี้ยเขาก็เดินไปแล้วเอกาลิโกถ้าสาหานานี้บางพวกก็ถือบริโภคอาหารมื้อหนึ่งแล้วก็งดไปสิบวันกินครั้งเดียวเนี่ยหยุดไปสิบวันเข่งไหมเห็นไหมข้อปฏิบัติลักษณะไหนบางพวกก็บริโภคมื้อหนึ่งแล้วก็งดไปกึ่งเดือนบางพวกก็กินแต่ปลายข้าว บางพวกก็ บ, บริโภคแต่ข้าวแดงสากระพักโขบางพวกบริโภคแต่ผักดองบางพวกก็บริโภคแต่ผลไม้เนี่ยกลุ่มกินผักทั้งหลายเนี่ยตันดุระตันดุระพักโขบางพวกก็บริโภคแต่ข้าวสารกุลนะพักโขบางพวกบริโภคแต่รำวากระจาโรคือบางพวกกับนุ่งผ้าทำโดยปออย่างอื่นไม่หบไม่นุ่งถ้าทำโดยปอถึงจะนุ่งเกสากำพราบางพวกก็ ทำด้วยผมของคนต้องเอาผมของคนมาทําผ้าถึงจะนุ่งถ้างั้นไม่ยอมเนี่ยนะพระเจ้าถึงบัญญัติหมดเลยเห็นไหมห้ามพุกเสือใช้ยีวรแบบนี้หมดเลยะทํำด้วยผมคนทําได้เปลือกปอเป็นต้นนี้พุทธเจ้าฮะมันจะเป็นเหมือนลัที่นี้เขาดิเข้าใจผิดเพราะบางทีมีรัฐที่พวกเนี้ยปฏิบัติจนเคยชินมาเนี่ยตอนยุคพระเจ้าโศกมหาราชเนี่ยโอ้โหตอนนั้นนะ่ะลาบสการลาบเสื่อมถอยมากคนก็ไหลอยาก ศาสนาอื่นเข้ามาสู่พุทธศาสนาข้อปฏิบัติเอาของข้อปฏิบัติตนเองมาดเดี๋ยนี้โอ้โหปนกันเบสเด็จหมดเลยน่ากลัวมากเนอะตอนเนี้เนี่ยเอามาไปเจออยู่คนนึงเนอะมานั่งอยู่ที่กุฏิเอามาทีแรกเขาบอาไปอยู่ที่ที่อีกที่หนึงนะ่งเนอะเขาเป็นฤๅษีฤๅษีปฏิบัติแบบเนี้ยไม่ค่อยกินข้าวกินเล้งด่างเขาบอกว่าเขารู้เรื่องสติปัฏฐานด้วยเนอะสมมติปัฏฐานอิทธิบาทเขาท่องได้หมดแต่เขาไม่รู้จริงหร ถตาก็อยากบวชถามทำไมถึงอยากบวชเขาบอกบวชเสร็จแล้วก็จะมาท้าปฏิบัติกับเกจีทั้งหลายที่นั่งนานๆ <c oughs> อ า, าโอตายแล้วลวบอกเลยกระทำได้ปีกนกเข้านี่ก็ห้ามเนี่ยถ้าทำได้ขนสัตว์เนี่ยการธกาสายิโก บ, บางพวกก็นอนในน้ำละโชชละโถบางพวกก็หมักตัวอยู่เป็นนิดไม่อาบน้ำไม่ชำระกาย สภาวะที่ถือลัทธิภายนอกนานาต่างๆเป็นอธิการเช่นนี้เป็นอัตตะกิฬมฐถานุโยคะก็ทำหาผลประโยชน์ไม่ได้ลำบากเสียเปล่าทุกโขมีแต่จะนำชาติทุกชะาทุกพยาทุทกขมรณะทุกข์นำความโศกความลำเลำลำพันไม่สบายกายไม่สบายใจความรับแคนใจมาสู่ลาวิสคุโวรวยะลัทธิเดรถีนั้นมีครุณาดุดน้ำอ้อยอัลลคนียาพิษ ผู้ใดบริโภคแล้วจะถึงแก่ความตายได้รับจะได้รับประโยชน์มากว่าน้อยหนึ่งก็หาไม่ได้ถ้ามิฉะนั้นนะเดรัถินีคนทั้งปวงอุปมาเหมือนกันนุกมมูดเน่านะที่ประกอบด้วยยาพิษอันแข็งเข้มแข็ ง, ขงผู้ใดสำคัญว่าเป็นยานะดื่มกินนะผู้นั้นก็ถึงถึงความตายแล้วก็จะประสบทุกข์เจียนตายเพราะไม่ใช่เพสทัที่ระงับรักษาโรคเป็นต้นได้อันนี้อุปมาฉันใด รัตที่เดรัถีนี่คนนอกพุทธศาสนาเขาอบมีอุปมาอย่างนั้นมีฉะนั้นบุคคลใดปฏิบัติในรัฐที่เดรัถีท่านอุปมาบอกว่าเหมือนกับบุคคลกินซึ่งน้ำเต้าขมอันประกอบด้วยยาพิษจะได้เป็นคุณสักหน่อยหนึ่งหาไม่ได้แต่จะทำให้ลำบากกายเสื้อเปล่าแล้วก็จะนำมาซึ่งโทษอนาิโยบุคคลที่เป็นรัติเดรัถีทั้งปวงเนี้ยจะได้เป็นไป เป็นทางดําเนินของพระดิยาเขหาไม่ได้เป็นทางของอันดาพานเนี่ยนี่อันดาพานเขาปฏิบัติกันนะคนโง่เนี่ยคำอันดาพานเนี่ยสลาพานังวิยักษอักขิมหิปัตตนังเนี่ยบุคคลผู้ปฏิบัติตามมิจฉาทิฐิหรือลัทธิมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมีอุปมาเหมือนตั๊ ก, กแตนที่โดดลงเข้ากับกองเพลิงโยมก็เห็นตั๊กแตนไยเวาลานันโดดเข้ากับกองเพลิงเนี่ย ได้รับความชิบหายเป็นเบื้องหน้านะอนัตตะสันฮิโตอัตากิรามัฐานุโยกเนี่ยจะเป็นประโยชน์สักหน่อยหนึ่งก็หาไม่ได้มีแต่จะกระทําให้ความถึงความวิบัติโดยส่วนเดียวเวรียักษโคนะเหมือนมหายักษมหายักษเนี่ยที่ผูกเวรนะนะติดตามเพชฌฆาตตามเต่ไม่ค่อยติดตามเพื่อจะพิฆาตเข็นฆ่าให้ถึงความตายเนะี่ยให้เข้าถึงความวิบัติบุคค ล, ลหลงไหลนะ หลงไหลแล้วเนี่ยนะบุคคลใดหลงไปจับก็ดีนี่ไปชื่นชมมันมีอยู่คนที่ามาเคยเล่าไปทีใช่ไหมพ่อตายไปเป็นพระไปไปมามาก็เอ๊ที่คุตินะั้นนะ่ยแกก็ไปอยู่ดูแลอยู่เนะี่ยอยู่ดูแลอยู่แล้วก็ไปอยู่ดูแลเป็นโยมผู้หญิงพ่อแล้วแกแล้วกับพี่ชายก็ดูแล พ่อป่วยใช่เป็นพระต่อมาก็พ่อก็ตายดูมาอยาหลายปีนะพอตายเบ็ดเสร็จแกก็เลยเดูแลอยู่กุินั้นแล้วแกก็ไปปลูกของอะไรอยู่ในวัดนะปลูกพวกไอ้ผลละหมากลากไม้อะไรต่างๆเลยไปไปอยู่ก็ยืดนะว่างั้นเดี๋ยวยืดเบ็ดเสร็จแล้วนเข้านัเขากเนี่ยทบุญอุทิศให้พ่อ ไปไปมามาแต่เนี้ยก็มีงูเห่าตัวหนึ่งนะมีงูเห่าตัวนึงอ่ะเฮ้ยแกก็สําคัญว่าโอนี่คงพ่อแกแล้วมั้งตายคงมาเกิดเป็นงูเห่าคนคนไม่รู้เนี่ยนะไม่รู้ประทามคำสอนเนี่ยนะก็สําคัญอู้ยรักงูเห่าแล้วเกินรักงูเห่ามากก็เลี้ยงงูเห่าเนะตั้งแต่เล็กเลเอาอาหารให้กินอะไรต่างปล่อยวิ่งในบ้านเลยอะในกุดเนะ่ย เว้งเล่นไปเล่นมามีอยู่วันหนึ่งก็นอนก็นอนนอนมันก็คานมากัดเข้าให้เลยแคก็ร้องอะ่ะกัดฉันทำไมฉันให้ข้าวทุกวันว่างั้นเะเรียบร้อยเลยไปนอนโรงพยาบาลเกือบตายแต่เนี่ยตั้งแต่นั้นมาไม่ยอมเลี้ยงงูงเห่าอีกเลยดิ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมเนี่ยมันกัดเอานี้เนี่ยอัตกิลามาถานุโยก็เหมือนในสรารพิษ น, นี่แหละนะ ดุดคนโลดเข้าไปในกองเพิงนะอย่าสงสัยว่าเพิงจะไม่สังหารจากไม่ไหม้นะบุคคลปรารถนาจะพ้นจากสังสารวัฏนะถ้าปฏิบัติตามรัฐทีภายนอกนอกจากพุทธศาสนานี้ก็มีแต่ได้รับความลำบากกายเสียเปล่าแล้วก็จะไม่พ้นจากชาติทุกชรลาทุกขพยาทุทกมรณะทุกดิรลถีนี้คนนอกพุทธศาสนาก็ย่อมล่อลวงคนนะเขาเป็นคนอันดพานให้หลงรุ่มหลงเหมือนอะไรด้วยศัตรู บอกว่าศัตรูเนี่ยเขาแปลงนะเหมือนเขาเหมือนเป็นมิตรนะนะไอ้คนบางคนเนี่ยมาในรูปเหมือนมิตรเนียแต่ที่จริงศัตรูเนี่ยนำมาในนาเข้าไปในป่าในสุดจริงเขาก็ตัดศรีรษะเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เทศนาอัตตกิริมัฐานุโยกรทัททิภายนอกเป็นต้นเป็นของอัลลามกควรที่บรรญัตชิตจะไม่พึงเสพนะนะบุคคลปรารถนาที่จะพ้นจากใครพ้นจากสังสารวัฏละเสียซึ่ง กามคุนต่างๆเหล่านั้นแล้วเนี่ยถ้าต้องการจะศึกษาคําสอนออกจากเนกมําเพนเนกขมะต้องเข้าสู่ในพุทธศาสนาของพระตถาคตก็ปฏิบัติตามทางสายกลางนะคืออริยะอัตถังขิกรรมะเป็นต้นเหล่านี้อันนี้คือท่านดําเนินตามพระธรรมคําคสอนที่ท่านกล่าวไว้ในเรื่องของกามสุ ข, ขาริกานุโยแล้วก็อตตกิรมมานุโยคหะนี่นะตรงนี้ต้อางมาพิจารณานะว่าทุกเนี่ยนะ ในความหมายที่ท่านใช้คำว่าอตตากิระมาฐานุโยโคทุโขเนี่ยนะท่านให้ความหมายโดยศัย์โดยความหมายบอกว่าการทรมานตนเนี่ยนะเป็นการกระทาที่ต่ำช้าว่าเป็นคือถ้าทบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ทรงตำหนิการทรมานตนให้ลำบากเป็นธรรมที่ต่ำช้าว่าเป็นธรรมของชาวบ้านเคยสังเกตไหถ้าเราสวดกันนี่นะ กามาสุขัลลิกาโนโยโคทุโคอนริโยอนัสสนิโตอนริโยอนัสสนิโตพิีฮนอกโมโปโทเชนีโกอนริโยอนัสสนิโตอัตตกิลามาทาโนโยโกดุโคอนริโยอนัสสานิโตเอมีนี้เดียวเองแปลบอกว่าเอไม่ใช่เป็นของชาวบ้านด้วยไม่ใช่เป็นธรรมที่ตามช้าด้วยเป็นธรรมของปุถุชนคนมีกิเลสหนานั้นน่ะ เพราะการทรมานตนให้ลำบากนะั้นนักบวชที่ บ, บําเพ็ญตบะเขาถือว่าเป็นตะบะที่สูงเป็นตะบะที่สูงและไม่จัดว่าเป็นการกระทําที่ต่ํามช้าในพระสูตรนี้เพื่อตามรักษาจิตของนักบวชเหล่านั้นและไม่ตรัดว่าเป็นธรรมของชาวบ้านเพราะการทรมานตนธรรมดาแล้วนักบวช<ว>เขากระทากันไม่ใช่ชาวบ้านทั้งเรียนดูไหมพวกรัตทิภายนอกเนี่ยนะ ทนนี่ไม่ใช่ครหัส่ายเขาทํากันนะเออไม่ใช่ไม่เป็นพวกนักบวชกท็ทําไม่ใช่ครือข่ายทำฉะนั้นการทรมานตนเป็นวิธีที่บำเพ็ญตบะบำเป็นตบะสูงสุดอยู่แล้วเป็นการรักษาตามรักษาจิตของนักบำเพ็ญตบะไม่ตรัสว่าเป็นธรรมของชาวบ้านและไม่ตรัสว่าไม่ตําหนิว่าทรมและไม่ติว่าการทรมานตนเป็นธรรมเป็นของปุรุชนคนมีกิเลสหนาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการปฏิบัติในลักษณะอย่างเนี้เขาต้องการจะออกจากทุกข์น่เนี่ย เขาต้องการเขาป้องกันเขากันบาปเขาไม่ให้บาปแทรกใจเขาเนะยพวกปฏิบัติแบบทรมานตนเองเนี่ยเขาต้องการบางพวกเนี่ยขนาดบาปเกิดนิดเดียวเขาก็โยนนะเช่นบาปเกิดในใจบางกลุ่มเนี่ยทรมานอยู่งั้นนั่งอยู่งนะั้น่ะถ้าบาปเกิดก็โยนก้อนหินหนึ่งก้อนโยนก้อนหินหนึ่งก้อนโยนจนเป็นกองเป็นภูเขาเราวกาอะไรก็มีเขาถืออย่างนี้ก็มีนะแต่ก็คือการทรมานตนเพราะไม่รู้ทางสายกลางตรงนี้ก็คือว่า ท่านถึงกล่าวบอกว่าทีนี้ท่านก็ตอบอีความหมายหนึ่งว่าการประกอบตนให้ลำบากก็ไล่ามาตามลำบากทีนี้ในพระบาลีท่านหมายถึงบอกว่าการทรมานตนเนี่ยถ้าถามบอกทุกโขนั่นในอัจฉากิท่านขยายาพระบาลีบอกว่า ทุกขโมยความเป็นเหตุนํามาซึ่งความทุกข์ด้วยวิธีการทรมานตนให้ตายทั้งหลายมีการอาศัยนอนบนกวากน้ําเป็นต้นในพระบาลีที่ท่านแสดงอตตกิรมถานุโยโคเน้นองค์ธรรมที่พึงทราบเนี่ยนะท่านหมายถึงอะไ ร, รอ่ะองค์ธรรมของทุกขอตตกิรมะฐานุโยคัโคทุกเนี่ยสภาวะนั้นท่านหมายถึงโทสะนะหมายถึงโทสะ ฉะนั้นโทสะธรรมที่ทรมานกายคือนามรูปที่สมมุติว่าตนให้รับความลําบากไม่ได้หมายถึงความเห็นว่าขาดศูนย์นะเป็นการทรมานตนให้ลําบากเปล่าตรงนี้ก็คือว่าท่านถึงบอกว่าโลภะก็เป็นที่สุดอย่างหนึ่งโทสะก็เป็นที่สุดอย่างหนึ่งเข้าใจอย่างแต่เนี้ยเราจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วพวกเราก็มีอตตากิริยมฐานุโยคะ ถ้าตราบใดเรายังมีโทสะอยู่เอาเราเคยเครียดแล้วทำให้ตัวเองต้องทุกข์ไก็ทำให้รูปไอ้ร่างกายที่สมมุติไอ้เนี่ยตัวเราที่ร่วมน้ำที่สมมุติว่าเราเนี่ยแหละเป็นทุกข์ น, น, น, นี่นะตรงเนี้ยนะอาตากิรามาธนิโยโค่ะเนี่ย ก็คือว่าโทสะนี่นะแค่นั้นสรุปแล้วพ yup> ุทธเจ้าบอกว่าอัตตะกีละการมะสุขาริการนุโยค้าก็เป็นที่สุดอย่างหนึ่งที่ทางที่ไม่ควรเดินอัตตะกีละมะฐานิโยค้าการประกอบตนให้ลําบากก็เป็นที่สุดอย่างหนึ่งดมไหมอุเฉทัทธิก็เป็นที่สุดอย่างหนึ่ง สัตสตาทิฏฐิก็เป็นที่สุดอย่างหนึ่งใช่ไหมนี่ก็เป็นทางที่ไม่ควรเดินโลภะก็เป็นที่สุดอย่างหนึ่งโทสะก็เป็นที่สุดอย่างหนึ่งเห็นไมไม่ควรเดินเลยนั้นถ้าเวลาใดท่านทั้งหลายถ้าโลภะเกิดในใจแปลว่าตอนนั้นเรากําลังประกอบตนให้หมกมุ่นในกาลมาสุขแล้วเป็นกาลมาสุ ข, ขาริกานิโยคะอ่อนๆแล้วนะแล้วจะนําไปสู่กาลมกาลมาสุ ข, ขาลิกะนุโยคะอย่างรุนแรงแล้ว ถ้าตราบใจโทสะเกิดขึ้นตอนนั้นก็เริ่มเป็นอตัตตากิริมถานโยค่ะเราเคยกระทํามาทั้งนึงเนี่อันนี้ไม่ใช่ทางที่ควรเดินไม่ควรให้เกิดขึ้นในใจเพราะถ้าโลภะเกิดขึ้นในใจกายกรรมก็วจีกรรมมโนกรรมเป็นยังไงทุจริตไหมก็เป็นที่สุดยริงสู่ทางสายกลางได้ไหมไม่ได้มาชิมาปฏิปทาถ้าโทสะเกิดในใจอันนั้นก็เป็นอตัตตากิรมัฐานโย ค, ค่ะ ใช่บางคนเอาจริงโอาจังมีปณิธานเนี่ยเลยตั้งมั่นเลยใช่ไห ม, มตั้งมั่นเลย <c oughs> ท่านหมายถึงโลภะกับโทสะเป็นส่วนสุดนะเป็นส่วนสุดที่ไม่ควรดำเนินที่ไม่ควรดำเนินประการต่อมาท่านก็บอกว่าอัตากิรามัทานโยคะประกอบความลำบากให้แก่ตนเนืองๆท่านก็วิเคราะห์บอกว่า มุ่งหมายถึงโทสะที่เป็นประธานนะที่เป็นประธานทีนี้ในกรณีแห่งความหมายตรงนี้นะอามาจะไม่ว่าตามความหมายแล้วจะไปขยายเราเห็นประการต่อมาคือว่าโทสะเนี้ยเป็นเครื่องทําตนให้ลําบากอีกอย่างหนึ่งนะกรณีที่ทําตนเองให้ลําบากนี่นะตนย่อมลําบากเพราะความเห็นผิดว่าขาดศูนย์ ตนย่ำลำบากเพราะเห็นเห็นว่าเที่ยงยังไหมความเห็นว่าขาสูง น, นี่ชื่อว่าอัตตากิรมภ์ฐานิโยค่ะอันนี้หมายถึงนักบวชที่ทรมานตนฉะนั้นคนที่เขาทรมานตนเนี่ยเขาอยากเกิดไหมเขาไม่อยากเกิดบรรดาลทิเดลทีนี่คนทั้งหลายเนี่ยนะเขาถือการนั่งแล้วก็ใหม่ๆเนี่ยก็จะอดอาหารไปเรื่อยๆนะอดไป ค่อยๆทรมานไปทรมานไปเขาไม่นุ่งผ้าไม่อะไรต่างๆอยากินน้อยนะี่ะพอใกล้บนปลายชีวิตเนี่ยเขาจะบรรลุโมกษธรรมของเขาเนี่ยนะเขาก็จะนั่งไม่รับอาหารใดๆแล้วนั่งอยู่อย่างนั้นก็ปล่อยให้ตายไปเขาตายแล้วก็ถือว่านี่แหละเขาเรียกว่าเขาดับทุกข์เขาดับเวทนาได้ก็ดับทุกข์เมื่อดับทุกข์ได้ก็พ้นจากการเกิดเขาชื่อเขาดับเวทนาแต่เวทนามันเป็นผลไม่ใช่เหตุ เขาไปดับตัวผลโยมเขาไม่รู้แล้วเขาไม่รู้มัชฌิมาปฏิปทาซะแล้วเขาไม่รู้ข้อปฏิบัติใช่ไหมอย่างพวกเราโอ๊ยเนี่ยพวกนี้ปฏิบัติผิดแต่เราก็เฉื่อยชาไม่ยอมปฏิบัติอันนี้เราพวกกล่าวมาสุขขาลิกาเนยกุกเราจะไปตําหนิว่าเขาเราดีกว่าเขานะเนี่ยเราแย่ตรงเนี้ยเราแย่ตรงเนี้ยเพราะเราไม่ยอมกร ะ, กระตุ้นตัวเองใช่ไหมเราบอกโอ๊ยไม่ได้เราเดี๋ยวเป็นอัตตากิรัมถานุโยกฤฤฤฤฤ แล้วอย่าลืมนะพระในศ า, าสนาถ้าท่านจะเดินเจ็ดวันยืนเจ็ดวันนอนเจ็ดวันเนี่ยนั่งเจ็ดวันนะนนนะไม่เป็นไม่เป็นเพราะท่านระวังโลภะกับโทสะเป็นต้นได้ใช่ไหมถ้าอย่างเราเป็นไหมสวดมนต์แปบเดียวก็มักจะเป็นสวดไปละมันนะมอะบางคนเคยเป็นไหมโวสวดแล้วเมาะน้ําลายอ่ะสวดใหญ่เลยสมัยก่อนเนะี่ยมาสวดเร็วที่สุดรู้ไหม กรณียามาทาคุตเตเรนยันดังสนตังประทางไปสวายเจ้าโหสวดเลยเวย้สวดโ อ, ดโอ้ชื่นใจมันดีสนุกอ่ะเอามาก็ไม่รู้แลวก็เป็นบุญไงสวดของขึ้นในใจเหมอขึ้นปปปปปปปปปกให้สวดเลยแป๊บเดียวได้แล้วบอกเหมยกับมันสนุก <c oughs> โทสากินแล้ว <c oughs> แล้วก็ไม่รู้มันไม่ใช่ว่าสวดมนแล้วกิเลสมันจะกลัวที่ไหนแล้วเ <c oughs> ข้าใจยังเขาสวดเอาบุญต้องรู้ความหมาย บางคนเนี่ยโอ้ยสวดไม่เอาความหมายไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยสวดอัด ก, กันเข้าไปโมงสมัยก่อนมีทําน้องด้วยนะทํานองสนุกกันเลยบางอย่างโยกแตล่ละลับโซ่กันโอ้ยตายแล้วพระเราเฮ้เลาะไก่กลมประเภทกามาสุขการิการโยกก็มีนะเล่นนะโมกอัตรีจะจบนี่ลําบากเงินใช้น้ำโมกอัตรีจบแต่ทีสองนาทีสามนาทีสี่นาทีลาบาก ก็เล่นโลภะเนี่ยเห็นต้องระวังใจเป็นเนี่ยไม่แล้วแต่ว่าใครสวดเนี่นะใครสวดว่าผู้สวดเนี่ยรู้จริงไหมเนี่ยแล้วสวดเพื่ออะไรสราธยายเพื่ออะไรเพื่อขัดเกลารือเพื่อเพิ่มกิเลสเนี่ยเนี่ยเนยอันนี้ต้องดูด้วยนั้นบางทีเนี่ยเราดูสวดคล่องงั้นในดันการสวดเอามาเป็นคนสวดเร็วกันก่อนเนะี่ย สวดเร็วมากมันมากสวดเข้าไปเ๊าแป๊บเดียวจบเลยใช่ไหมเอ๊ะมีนิดเดียวสวดหมดแล้วย ouais ิ่งหาเลยมาสวดดีสวดใหญ่เลยใช้เวลาแป๊บเดียวเสร็จแล้วแป๊บเดียวเสร็จแล้วลิ้นไวมากวิ่ประสวดเดิยเนื้อเก็ทําเวลาแข่งกันในสวดเดินเนื้ที่ไหนได้ไม่ได้บุญนีไม่ได้บุญเลยเป็นไปด้วยการแข่งกันโดยแท้ดีกว่าร้องเพลงหน่อย เปลี่ยนอารมณ์หน่อยกันเนเนี่ยเป็นการบีบคั้นตนให้ลําบากนะเพื่อหวังจะทําลายความโลภความรักซึ่งเป็นราค่าตันหาบางคนน่ยตัดอารมณ์ด่างๆเนี่ยนะบางคนใช้โทรศัตัดโลภะเช่นว่าเอา้าวฉันก็คุณแยกทางกันนับตั้งแต่วันนี้โทรศัตัดพั่วเลย้เราใช้โทรศัตัดนะแล้วก็เดินจากเลยแล้วบอกว่า แล้วเอาสักสรีเข้ามาอักลิเรามีศักดิ์ศรีเราจะพูดตามไปงอ้อตามไปพูดไม่ได้นี่ทั้งโลกก็ใช้กันแบบนี้ไม่มีอะไรหรอกใช้โทสะตัดโลภะแล้วก็ใช้โลภะตัดโทสะเอายามเครียดมากๆก็เอาโลภะมารอไปแล้ว เ, เดี๋ยวพวกเข้าชวนเนี่ยอย่าเก็บตัวสิออกมาเที่ยวบ้างดูหนังดูละครเที่ยวอะไรกับเพื่อนเห็นไหมเอาโลภะแก้โทสะ สัตว์โลกอยู่กับกามะสุขาลิกาในโยกและอัตตากิรามาานิยกอย่างนี้จริงๆไม่สามารถเข้าสู่ร่องรอยของมชิมาปฏิปทาได้ยอมเป็นงั้นไหมชีวิตเห็น ไ, ไหมทีนี้เราจะรู้ว่าพระเจ้าแสดงธรรมาจาักแสดงให้กับเราฟังจริงเหรอแสดงให้กับเราฟังจริงถ้างั้นเราจะเดินกระแสจิตไม่เป็นเลยโมเราจะคิดข้อหาทางสายกลางไม่รู้เลย นี่เรารู้เริ่มรู้ใจทางสองสายแล้วใช่ไหม ต, ต้นเขาของเขานี่คือโลพาเนี่ยของกามาุขาริการยุโยคต้นเขาของอัตตกิรมถธาทุโยตคือโทสะแต่ทั้งโลพาและโทสะโมหะอยู่เบื้องหลังไหมโมหะอยู่เบื้องหลังปิดแน่นเลยทําให้ไม่เห็นโทษเลยเนี่ ย, เ, ย, เ, ยเสียหายเลยเนี่ยวิ่งไปแล้วเอาไปศึกษาพระธรรมด้วยโลพาได้ไหมฟังพระธรรมด้วยโลพาได้ไหมด้วยโทสะก็ได้โลภาก็ได้ใช่ไหม น่ากลัวมากมันไม่ได้เว้นเรานะบอกว่านี่ห้ามนะจะเข้าห้องนี้ฟังธรรมแล้วโลภะห้ามเข้าโทรศัพท์ก็มันไม่เคยฟังมันไม่เคยฟังแล้วประการต่อมาก็คือว่าที่สุดอันบุคคลประกอบอยู่นั้นนะธรรมส่วนสุดนั้นชื่อว่าโยคะอันนี้เป็นยุชธะธาต ในอัตว์ประกอบลงณปัจจัยกระทําที่บุคคลประกอบเนืองเนืองเนืองเนืองในคือบ่อยๆ่อยท่านจึงใช้คําว่าอนุโยคะทั้งสองอย่างเลยเนี่ยสัตว์โลกทั้งหลายก็ประกอบบ่อยๆประกอบเนืองเนืองซึ่งกามาสุขขันบ้างนิ่กาโนโยคะบ้างหรืออัตตกิรัมมันมาฐ า, โ น, โานุโยคะโยอนุโยคะก็คืออนุโยคะนั่นแหละอนุโยคะเนืองเนืองบ่อยๆเสมอเสมอสัตว์โลกทั้งหลายก็อยู่กันอย่างเงี้ย โยกาโลพาโทสะมีโมหะคุมอยู่อย่างนี้นะให้รู้เถอะว่าสัตว์ทั้งหลายนั้นนะ่ะเดินผิดทางแล้วสัตว์ทั้งหลายเดินผิดทางนั้นนะ่ะคือใครคือใครเรานี่แหละใช่ไหมอย่าไปมัวมองคนอื่นมันจะไกลตัวไปเรานี่แหละใช่ไหมในบรรดา คนอื่นกับเรานี่คนที่สอนยากคือคนอื่นหรือเราเราเนะ่ยทางนั้นจงสอนเราหรือสอนคนอื่นก่อนสอนเราก่อนนะพอสอนเราก็ไปถึ่งป๊อว่า น, นี่ถ้าเขาบอกว่าเราเนี่ยสอนยากเธอต้องเชื่อเราเนอะเอาอีกแล้วเลยทงอีกแล้วเข้าใจยังเรานี่แปลกจริงๆ ท่านก็ให้ความหมายอัตตกิริยมาถาเนี่ยนะอนุโยคะเนี่ยก็คือว่าการประกอบตนให้ลำบ า, ทบ า, ทบากทุกขาคนึงๆเนี่ยนะเป็นส่วนสุดนะการปฏิบัติ ท, ทรมานตนต่างๆพวกเจ้ารัทีต่างๆเนี่ยบพระพุทธเจ้าไม่ได้ตำหนิเพราะเป็นธรรมที่ต่ำชาดังกล่าวนะสิ่งต่างๆเหล่านี้เราท่านทั้งหลายก็มาพิจารณาเนี่ยมาพิจารณาถึงว่าคำโมเนี่ยยนะ เป็นธรรมของชาวบ้านนั้นน่ะนะผู้เจ้านั้นอ่ะไม่ตัดก็ไว้ในการทรมานตนก็เพราะเป็นธรรมเนียมของนักบวชทั้งหลายต่างๆนั้นท่านไม่ทรมานตนก็จริงแต่จริงๆถ้าพูดถึงในส่วนของโทสะธรรมแล้วเนี่ยผู้องค์ก็บอกว่าเราท่านทั้งหลายนี่แหละเป็นผู้ที่ประกอบไปด้วยโทสะธรรมนะเป็นอัตติกิรัมาฐานุโยคะทรมานตนให้ลำบากเราเนี่ทําตนเองให้ลําบากนีเรามานานแล้ว การเสพทรมานตนให้ลำบากทั้งกา마สุขันและก็อตตา ก, กิรมถานุโยคสรุปแล้วสองตอนจบแล้วเนาะในส่วนของกา마สุขันิกายนโยค่ะกับอัตตากิรมาานุโยคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คือมาพิจารณาประการต่อมาพระพุทธเจ้าก็แสดงทางสายกลางและในทางสายกลางพระพุทธเจ้าแสดงอเอเตเตเทฆาวอุโภอันเตเรามีหนังสือมาไหม อ, องสวดมสวดมาชิ ม, มาปฏิบัติไว้แบบนีงตอนที่สามอ่ะมีไหมคือเขียนตอนที่สามไปไหมอ่าลองอ่ะท่องในฟังหน่อยอ่าท่องกันเองนะลองดูที่อ่าใครมายุนตรงไม้พาท่องหน่อยท่องบัลลีคงสวดกันได้เลยนะสวดตำน้นองไหนก็ได้สวดไป มีใครสวดเป็นไหมคะก็สวดธรรมดาสวดธรรมดานะเจ้าค่ะอาจารย์นำให้เล็กๆเอาเือยมนำไม่เป็นว่ามาอยู่แป๊บเดียวเองเดี๋ยวกลับไปพวกเราต้องอยู่กันเอง <c oughs> ต้องสอนช่วยกันนะคะพ อ, อะไม่ไม่ทราบอเอเตพิกเวโฮ อ, อันเต อ, เ อ, อนตอุปคามา มัชชิมาปฏิปทาตถาคตเณนะอภิสัมจากุกัรณียะนะกัรณีอุปัสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวตติกตมาจะสาภิกขเวมัชชิมาปฏิปทาตถาคตเณนะอภิสัมพุทธา จากขุกระนียะนกรณีอุปสมายะอภิญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติอายะเมวะอริโยอถังคิโกมกโคเสยยีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโขสาภิกขเวมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอะพิสามพุทธาจากขุกรณียนะกรณีอุปัสสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติ อ่าแค่พอแล้วสาธุสาธุนี่ก็สวดก็เพาะกันดีเนสวดดีเดี๋ยวพระอาจารย์พาสวดตรงนี้ก็คือว่าเกี่ยวในเรื่องของพระพุทธเจ้าแสดงในปฏิบัตานี่เป็นปฏิบัานี้เป็นข้อปฏิบัติเป็นมัชฌิมาปฏิบัาเป็นทางสายกลาง ทางสองสายนั้นพระพุทธเจ้ากระทำหนิทั้งสองสายว่าเป็นทางที่ไม่ควรดําเนินใช่ไหมทีนี้การเดินทางสองทางเนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ในใจเราไหมสองสายที่ผ่านมาอยู่ในใจของเรามาอย่างยาวนานในสังสารวัฏสรุปแล้วเราท่านทั้งหลายพ้นทุกข์ไม่ได้เรารู้แน่นอนเราต้องเดินอยู่สองสายนี้แหละนะวนกันไปกับวนกันมาในสังสารวัฏนี่แหละแล้วเราก็ออกจากสองสายนี้กันไม่ได้แล้วก็เจ็บปวดกันเพราะไอ้ทางสองสายนี้แหละ ทางสองสายนี้พระเจ้าทุกพระองค์กรทรงตำหนิว่าไม่ใช่เหตุทางที่เธอทั้งหลายพึงดําเนินพึงเดินพึงทําให้เกิดขึ้นฉะนั้นทางสองสายนี่มันฝังแน่นใน ใ, นใจของเราไงพอฝังแน่ในในใจเราแล้วเนี่ยเราก็ละมันไม่ได้มันเป็นอัธยาศัยเก่าใช่ไหมมันก็ผุดมาคอยผลักดันอยู่เรื่อยๆพระเจ้าก็เลยแสดงเอเตโขบังเอเตเตพิกเวบางเนี่ยนะอุโภวันเตอนุปกรรมะเนี่ย มัชชิมาปฏิปทาตถาคเตยานพิสัมพุทธาจากขุกระริยายนากรณีเนี่นะดูก่อนภิกษุทั้งหลายมัชชิมาปฏิปทาทางสายกลางเนี่ยไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างใช่ไหมคือทางสองมัชชิมาปฏิปทาเนี่ยนะมัชชิมาปฏิปทาเนี่ยพระเจ้าไม่เข้าไปใกล้แปลว่าไกลกันมากนะใช่ไหมไม่เข้าไปใกล้ที่สุด ของทางสองสายนั้นไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนั้นคือไม่เข้าไปใกล้อะไรไม่เข้าไปใกล้กามสุขาริกานุโยกไม่เข้าไปใกล้อตตกิรัถานุโยกไม่เข้าไปใกล้สัตสตาทิฏฐิไม่เข้าไปใกล้อุเฉททิฏฐิไม่เข้าไปใกล้กลโลภะไม่เข้าไปใกล้ททกล โ, ลกลโทษาใช่ไหมเป็นต้นเนี่ย เ, ออเราก็จะเห็นว่า แสดงให้เห็นชัดว่ามัชิมาปฏิวัตที่พระองค์จะกล่าวเนี่ยนะบอกว่าเราจะถาคตตัดสรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วประกาศเลย <c oughs> พระเจ้าบอกว่าเนี่ยพระเจ้าประกาศบอกว่าสัตว์โลกในสังสารวัฏเดินกันได้แค่สองสายไม่สามารถเดินสายมัชิมาปฏิบัตาได้แม้ทุกวันเนี้ยเสียงพระธรรมพระเจ้า ก, ก็มีอยู่ แต่คนไม่หันมาม า, ม, ามองมาฟังธรรมะอยากขบวนในที่สุดคนก็เลยกลับไปเดินไอ้สองสายกันอีกใหม่เพราะเป็นทางที่เคยชินอย่างยาวนานในสังสารวัตร ข, ของในใจของศาสตร์ใช่ไพระเจ้าต้องบอกว่าเราตถาคตได้ตัดสรู้ด้วยปัญญายิ่งแล้วอภิญญญาเาานี่ยนะเป็นปฏิปทาที่สร้างปัญญาจากสุปัญญาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยสร้าง ญาณ น, นะนี่ท่านใช้คําว่าอะไรจากขุกกรณีใช่ไหมจากขุกกรณีญานากรณีปัญญาจากขู่สับเดียวกันนะันะ่ะจากขุกกรณียานากรณีอุบสมาญาปัญญาญาเนี่ยสร้างญาณความรู้ความเป็นไปพร้อมในความตัดสู้พร้อมเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตัดสู้เพื่อปรินิพพานเนี่ยนะ ภิกษุทั้งหลายมัชฌิมาปฏิบทานั้นอ่ะอันตรฐาคตตัสรู้ด้วยปัญญายิ่งอเป็นไปเพื่อปัญญาทั้งหลายสร้างความรู้แล้วก็เป็นไปเพื่อความรู้พร้อมอะเพื่อสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตัสรู้เพื่อปรินิพพานเนี่นะประกอบด้วยองค์แปดคืออะไรก็สัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินี้แปลว่าอะไรสัมมาทิฏฐินี้คืออะไร เห sociedad, ็นชอบคือเห็นอะไรเห็นในเริยสัติอันนี้ว่าจับประเด็นนี้ก่อนนะสัมมาสังคปะดํำริชอบคือกุศลสังกปะคือดํำริออกจากกามีไหมเป็นเนกขมัสังกปะดํำริออกจากามไม่เบียดเบียนก็ดํำริในการไม่พยายามว่าไปสัมมาวาจาก็นี่แหละเว้นจากวจีทุจริตสสัมมากัมมตาก็เว้นกายทุจริตสาม สัมมาชีวะก็เว้นจากกายทุจริตสามพจีทุจริตสที่เกี่ยวกับอาชีพสัมมาวายมะก็สัมมาประธานสีนั่นเองเพียงชอบ嘛สัมมาสติก็นั่นแหละสติประธาน 4. สสัมมาสมาธิก็คือปฐมฌานเป็นต้นจนถึงเจตุจฉานเป็นหลักเขาไวเนี่ยท่านตั้งหลักเขาไวอย่างนี้นั่นแหละก็คืออริยมรรคมีอง 8. ค์แปดคว่าเอเตเตก็แปลว่าเหล่านั้นเนี่ยนะอนุปคัมมะเนี่ย ดูก่อนพิกษัทั้งหลายปฏิบัทานนั้นแหละอันพระตถ า, าคตบุตตรสูตยิ่งแล้วปัญญาให้เกิดสร้างญาณแล้วก็เป็นไปเพื่อความรู้พร้อมตัดสู้เป็นไปเพื่อปริพภานเป็นไปพวกดับสนิทโดยส่วนไม่มีส่วนเหลืออนุปัฏมะไม่เข้าไปใกล้มัชชิ ม, มาก็คือเป็นข้อปฏิบัติในท่ามกลางกลางโลภะกัทโศสะเขาใชอย่ายงว่าถ้าเราท่านทั้งหลายเนี่ยนะ กายกรรมวจีกรรมมโนโกรรมของเราเนี่ยโดยเฉพาะตัวโมโนโกรรมนี่นะที่เป็นไปกับโลภะเป็นไปกับโลภะที่เป็นไปกับโทสะแปลว่าตรงนั้น เ, นเราเข้าใกล้ส่วนสุดแล้วถ้าโลภะเกิดขึ้นก็เข้าเข้าไปอยู่กับกาลมาสุกัลลิกาเนุโยกถ้าโทสะเกิดขึ้นเวลาใดก็ไปอยู่ในอตัตตกิรมัฐานุนโยกนะเนี่ยสองสายเนี่ยแต่มัชฌิมาปฏิปทาที่พระองค์บอกว่าเป็นท่ามกลางท่ามกลางทั้งสองอย่างนั้น ข้อปฏิบัตินั้นจึงเชื่อวมาชิมาไปว่าอยู่ในท่ามกลางเนี่ยนะเป็นทางสายกลางนั่นแหละปฏิปทาเป็นเครื่องดําเนินไปสู่อะไรไปสู่ความพ้นทุกข์ไปสู่พระนิพพานท่า น, นปฏิปทาเครื่องดําเนินเอาสมมติไม่สมมุติเรื่องจริงเลยเอาเรื่องจริงเลยให้ทานเนี่ยนะตอนเช้ามีใครเอาขคสนะเมืเ่อกี้เอาน้ํามาถวายยกน้ํามาเนี่ยยกมาด้วยโทสะก็ได้นะ ยกมาด้วยโลภะก็ได้นะแต่ว่าน้อมในการที่จะบูชาพระธรร ม, มใช่ไหมไม่ใช่บูชามาเนะียบอกเออเนี่ยท่านดื่มน้ําไปแล้วจะได้ฟังพระธรรมของพระเจ้าให้พอๆท่านจะเป็นอะไรช่างหัวท่านเด้อ <c oughs> ไม่ใช่คิดอย่า ง, ง น, านั้นนะขออภัยไม่ใช่สอบนี้เนี่ยอันนี้หมายความว่าจะได้ฟังพระธรรมพระเจ้าจะได้เข้าใจเนี่ยนะลักษณะอย่างเนี้ยอันนี้น้อมบูชา รรก็คือบูชาพู้ดิจ้าวบูชาปริยสง่งนะเนี่ยนะเนี่ยลักษณะอย่างเนี้ยจิตที่มีสัตตินทรียวิญยินทรียสติินรีสมาตินทรีระปัายินรีมีความเข้าใจอย่างอย่างทราบซึ่งอย่างนี้เป็นมชิมาปฏิปทาเนะีเพราะไม่เข้าไปใกล้ส่วนสุดคือไม่ใกล้โลภะและไม่ใกล้โทสะแต่ถามว่าเดินได้ตลอดวันนะหันไปดูหน้าภรรยาแล้วบุญเหลือไหมสมมุตินะ ถ้ายังเหลืออันี่แสดงว่าโอ้เนี่ยนะก็มองก็เข้าใจถึงพระธรรมคําำำสอนของพุทธเจ้าเนี่เนะี่ยคือมองไปในจุดใดจุดหนึ่งต่างๆเหล่านี้โลภะก็ไม่แทรกใจโทสะก็ไม่แทรกใจลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่เข้าไปใกล้สุสดเป็นมัชฌิมาปฏิปทาในชีวิตจริงถามบ อ, อกว่าก่อในชีวิตจริงเราเดินอย่างนี้ไปได้เราจะไปประชมอะไร เราจะไปไประชุมสติปัฏฐานสมบัติฐานอิทธิบาทอินทรีย์พราพุทธชงอริยมร์เนี่ยมันใหญ่เลยเกินมันใหญ่เลยเกินมันไม่ใช่ของเล็กๆใช่ไม่ใช่เป็นของหนักเราจะต้องเดินสุจริตษาไม่แข็งแรงที่จะรองรับคุณธรรมเหล่านี้ไม่ใช่เดินแค่นี้แล้วจะรีบรองรับไม่ใช่แล้วมันจะต้องปูพื้นฐานอย่างดีเลย กายกรรมวิญกรรมโนกรรมต้องสะอาดเพอนั้นมัชมามัชมาปฏิปทานั้นเนี่ยทางสายกลางนั้นน่ะนะเป็นทางดําเนินไปสู่ความพ้นทุกข์เป็นทางดําเนินไปสู่พระนิพพานเขาน้อมอะไรรู้ไหมเนี่ยมีนิพพานเป็นอัจฉาิยะได้เนี่ยน้ําแก้วเดียวเนี่ยไม่ใช่ว่าโอ้โหทาบุญบาทเดียวค้ากําไรเกินควรเหมือนพูดกันยุคปัจจุบันไม่ใช่เลย เขาเรีแล้วมีเป้าหมายทําแล้วมีจุดมุ่งหมายทําแล้วมีวิธีคิดทําแล้วมีทางดาเนินนําแล้วมีข้อปฏิบัติไม่ใช่ว่าเป็นการต่ําต้อยอะไรเนี่ยเพราะการต่ําต้อยไม่ได้วัดกันที่ของตรงนี้เขาวัดกันที่การเดินกระแสจิตที่เป็นไปกับสิกขาสามได้จริงเขาวัดตรงนั้นอภิสัมพุท ธ, ธาก็ปแปล ว, ว่าแทงตลอดแล้วแทงตลอดแล้วเดี๋ยวอามาจะแยกในรายละเอียดในชั้นของทีกายอีกทีหนึ่งเนี่ย เวลาอธิบายเนี่ยไม่สามารถที่จะเชื่อมติดกันได้บางครั้งะนะจักขุ ก, กรณียานาการณีเป็นไวยพจน์ของจักขุกรณีนี่แหละอุปสมายาเนี่ยเป็นไปเพื่อความสงบสงบในที่นั้นเป็นการสงบราคาโทสะโมหามานะทิฏฐิวิจิกิจฉาหีริกาโนตบะอุทธะจัปอภิน ญ, ญาญะเพื่อประโยชน์แก่การตัดสู้สัจจทั้งสี่อภินย่อญญายะธรรมเพื่อตัดรู้ริยะสัจธรรมทั้งสี่ ตัดสรู้ไหมบอกว่าอริยศาสตร์เนี่ยเป็นธรรมที่ควรรู้ยิ่งใชทุกเป็นธรรมที่ควรกําหนดรู้สมุทัยเป็นธรรมที่ควรละนิโรธเป็นธรรมที่ควรทําให้แจ้งมรรคเป็นธรรมที่ควรเจริญแล้วท่องกันได้ัเมื่เด็กๆนะี่คำนี้แต่เจริญไม่ได้เนี่ยเจริญไม่ได้บอกทุกเป็นธรรมที่ควรควรกําหนดรู้ถามว่าอะไรเป็นทุกขชาติปีทุกข้าแม้ความเกิดก็เป็นทุกกระเสลดกันอยู่เงี้ยนะ ชาลาที่ปีทุกข้าแม้ความแก่เอะก็เบียทุกข์ก็ว่ากันไปว่าเบ็ดเสร็จก็ไม่เห็นสะทกสะท้านอะไรเลยใช่ไหมชีวิตก็ยังเป็นอยู่ดีอยู่เห็นคนเกิดก็โอ้ยไปฉลองงานวันเกิดกันอยู่นี่ชาชาตที่ีทุกข้าไหยเห็นอย่างพระโพธิสัตว์เห็นไหมลาหูรังชาตังพันนังชาตังนี้เห็นแบบนี้ไหม พอเห็นปั๊บสะดุ้งเลยบอกว่าโอ้โ oh, หถ้าเราไปเสพคุ้นกับถามว่าเรื่องอะไรเราจะเอาคอ้องเราเนี่ยเดินเข้าไปแล้วเข้าไปสวมห่วงคือโซ่เกิดขึ้นแล้วทำไมเราจะต้องเอาศีรษะของเราเนี่ยคานเข้าไปแล้วก็เอาโซ่มาคล้องแล้วเอากุญแจล็อกหม่ที่ท่านอุทานนะท่านไม่ไม่คานเข้าไปนะแล้วลาวลังชาตังอุย้ยลลกนาลักนล <c oughs> คนละ ม, ม, มุมไหมนะ ลูกคนละมุมเลยอ่ะเขาคิดไว้ก่อนเ ข, เ, ขเขาไม่เขาเขามันไม่เดินเข้าไปไปว่าจิตของเขาไม่ฉาบไม่เข้าไปฉาบติดก็ เ, เห็นโทษไปไข้ควรไปพิจารณาไปวิจัยไปเห็นทุกข์ไปเห็นทองแท้วิจัยอยา่างอยากทราบซึ้งเลยเห็นได้จริงๆเลยไม่ใช่ลาหูรังชาตังพ น, นันนังชาตังอธิบายคนอื่นฟังชัดเลยแต่ตนเองก็อยู่กับห่วงออกไม่ได้ ไม่ใช่ไม่ใช่ฐานะนั้นฐานะพระเจ้าเนี่ยคือท่านไม่ไปเกี่ยวข้องคือไม่เอาจิตไปฉาบติดกับสิ่งเหล่านั้นนั้นอภิญญายะเนี่ยท่านต้องกำหนดแต่ในรายละเอียดต้องไปขยายอีกทีนะนิพานายะก็คือเพื่อต้องการทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานเมื่ตอนเวลาจะบวชเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยสับพระทุกขานิสรณะนิพาน า, น า, นาสจิก ร, ราธาน การบวชของข้าพเจ้าครั้งนี้เพื่อจะกระทำพระนิพพานในแจ้งสงสารทุกสารทุกันใหญ่ชื่นใจแล้วก็เงียบไปสกิดอีกทีท่านเมื่อไรจะเร่งเร้าในการทํานิพพานในแจ้งอย่ายุ่งผมก็เรามีงาน <c oughs> เสร็จเลยเดี๋ยวนี้ไปคนละเรื่องเลยใช่ไหมปฏิปทานนะั้นสร้างยานที่สัมพยุดด้วยปฐมมรรคเนี่ยเขาเรียกยานการณีนี่นะเหตุนั้นปฏิปทานนั้นเรียกว่าจักขุกรณี คำว่าจักขุกรณีจริงๆเนี่ยนะอีกความหมายหนึ่งก็เรียกว่าสามารถที่จะเป็นปัจจัยแก่ข้าสร้างยานในปฐมมรรคได้รู้จักปฐมมรรคไหมโยมคือมรรคแรกคือโซดาปฏิมรรคอะเป็นต้นน่ะนั่นแหละจักขุกรณียาหนกากรณีอุปสมายาิญญ า, าสมบูรดายาเนี่ยตรงนี้นะเอเตเตพิกเวอุภอนเตอนุปคัมมามาชิมา ปปทาตาาคเตนะอภิสัมบุธาจากุกรณีญาณากรณีเัพ่สัเดียวกันนะอุปสมาญาอภิญญายาสมบธาญนิบานายสังวตตีนี่นั์ตรงนี้นะให้หมว่าจากุกรณีเนี่ยปฏิปทาสร้างญาณที่สัมปยุทธด้วยปฐมมรักษ์ใช่ไหมเออจากุกรณีนี่นะความหมายหนึ่ง ก็คือปฏิปทาในการสร้างญานเนี่ยที่สัมยุได้ปฐมมารมักนั้นน่ะเหตุนั้นปฏิปทานั้นเรียกว่าจักขุกรณีปฏิปทาใดสร้างยาณที่สัมยุได้วยมักเบื้องบนสาเหตุนั้นข้อปฏิบัตินั้นเรียกว่าญานักรณีอันนี้อีกความหมายหนึ่งเนะท่านแยกจักขุกรณีเป็นปฐมมารมักยานักรณีเป็นทุติยามารตติยมารแล้วก็เจตุธรรมมาท่านแยกอย่างนี้ในความหมายทั้งนี้นะ เออในความหมายในลักษณะตรงนี้นะทีนี้ท่านบอกว่าเพื่อความรู้ยิ่งถึงทำทั้งปวงทั้งหลายเพื่อปัญญาเป็นเครื่องรู้ที่สัมปยุทธ์ด้วยอรัตผลนี่นะสัพพกิเลสานังเนะี่ยอุปสมายะสัพพ a t h ม m านังอภิญญายะเพื่อเข้าไปสงบระงับกิเลสทั้งหลายทั้งปวงเสียได้อุปสมายะเนี่ยนะท่านขยายตรงเนี้ย เพื่อรู้ยิ่งทำทั้งปวงทั้งหลายคําว่ารู้ยิ่งทำทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยรู้ยิ่งในเริยสัตว์เนีแล้วก็เพื่อปัญญาเพื่อปัญญาเป็นเครื่องรู้ที่สัมพยุตด้วยอรัตผลเพื่อเป็นเหตุดับสนิทแห่งกิเลสและขันธ์ทั้งหลายด้วยนิกิเลสานันจักขันทานนันจ า, น, านิพ า, านายะคำว่านิพานายะในที่นั้นเป็นชื่อของอะไรเป็นชื่อของอนุ ป, ปาทาปรินิพานด้วย เป็นการดับกิเลสแล้วก็ดับขันได้โดยไม่มีส่วนเหลือน่ากลัวไหมถ้าจะดับขนาดนั้นหวาดเสียวไหมสำหรับคนมีกิเลสทั้งหลายหวาดเสียวแต่จริงๆอย่าคิดว่าจะดับได้ง่ายๆใช่ไหมแต่นั่นแหละก็คือประโยชน์เพื่อตรงนั้นแหละทีนี้สัจจะคะถาพิญ ญ, ญานิเทศวุตตาเนี่ยาถาสัจจะว่ถถาถาจาร์กล่าวไว้ในพิญ ญ, ญาณนิเทศ ทีนี้ถ้าไปดูในความหมายเนี่ยภนะิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติเนี่ยนะให้ถึงที่ไปดับแห่งทุกข์เป็นต้นแล้วเนี่ยมีในรายละเอียดตรงเนี้ยเออถ้าเราดูในความหมายในคําสอนเดี๋ยวเอามาเดินตามในคําสอนที่ท่านบอกว่าบุคคลที่ปรารถนาจะพ้นจากไข้จากสังสารวัตรนะลาเสียซึ่งคารวัตมีนันกกลุ่มรุนแรงเนี่ยก็ออกบรญรชาในพุทธศาสนา ของตถาคตก็ปฏิบัติตามทางสายกลางคืออริยะอัฏฐานขิกรรมมรคคืออริยมรควิองแปดประการดังกล่าวแต่ถ้าคาเตนาวิสัมบทธาอริยะอสรางคิกรรมมรคเนี่ยพระตถาคตตรรู้ประจักษ์แจ้งด้วยอนนาวรณญานอนวิเศษนะจากขุ ก, กรณีนะอริยมรควิองแปดนี้เป็นเหตุให้เห็นแจ้งในทุกขสัจจะและนิโรธาสัจจะนะยาณกรณีเป็นเหตุให้เห็นแจ้งในสมุทัยสัจจะและมรคสัจจะนี่ท่านเดินอย่างนี้เลยนะ อุปสมายาพิญญาญาสัมโพญญะเนี่ยอริยมรรคมีองค์แเนี่ยเป็นปัจจัยที่จะให้สงบระ ง, งับกิเลสเป็นปัจจัยให้กําหนดซึ่งจตุอริยสัจสีได้ตัสรู้อริยสัจสีเนี่ยนะเป็นปัจจัยให้เห็นประ จ, จักษ์ชัดแจ้งซึ่งอมาตะพานิพานอัตถังคิโกมัคโคอริยมรรคมีองค์8ประการเนี่ยอริโยเนี่ยนะเป็นของเป็นไปแห่งพาริยะ เป็นธรรมอันเอาดมแล้วก็เลิดอันประเสริฐด้วยจักอวัตติวิยะคุณนะท่านอุปมาเหมือนอะไรเหมือนพระบรมจักรพรรดิราชพระบรมจักรพรรดิราชเนี่ยอันทรงซึ่งเดชานุภาพเนี่ยทรงคุณนั้นมากในในหมู่อาริยาอริยาราชทั้งหลายในปวงชนทั้งหลายท่านบอกว่าย่อมไม่อาจเพื่อจะต่อต้านฤทธิ์ของพระ อ, องค์ได้สมุทโยวิยะ อริยมรรคมีองค์แดนั้นเป็นที่ประชุมแห่งโพธิปักจียธรรมถามว่าในอริยมรรคมีองค์แปดนั้นอะไรประชุมอยู่สติปฐานสีสัมมาปทาน 4, สมมาน 4, อิทิบาสีอินทรีห้าพระหโพชงเจ็ดเนีไปประชุมในอริยมรรคมีองค์แปดนั่นแหละสมุตทะโยวยะเป็นที่ประชุมของโพธิปักจียธรรมทั้งปวงอุปมาดังพระมหาสมุตเป็นที่ประชุมของแม่น้ําทั้งปวง ถามว่าแม่น้ําน้อยใหญ่ในโลกใบนี้ไหลไปไหนนอ้องไหลลงสู่มหาสมุทรชั้นใดใช่ไหมโพธิปักขิยรทำนะถ้ายอมได้ตั้งขึ้นในใจนะเริ่มดิเริ่มสติปัฏฐานหรือยังตอนเนี้ยมีสติปัฏฐานนอ้อยตั้งขึ้นในใจยังใช่ไหมถ้าเริ่มตั้งสติปัฏฐานสมมตประธานอธิบาทอินทรีย์อย่างใดอย่างหนึ่งไว้ในใจนะเป็นแม่น้ําสายนี้เล็กๆแล้วจะไหลลงมหาสมุทรแล้ว ในเข้าจะไปประชุมนู้อะไรในโลกุตระทำมือในโลกุตระมากและกหนับที่สุดจริงๆจะมีพระนิพพานทำเป็นอารมณ์นะแล้วในที่สุดจริงๆจะได้อนุปาทานบริณิพานใช่ไหมดับสนิทโดยไม่มีส่วนเหลือไม่ต้องมาปวดตายแล้วใช่ไหมมีตาปวดตาไป ม, มีตามีหูขับปวดหูมีจมูกกับปวดจมูกใช่ไหมมีปากอะปวดปากเลยมีกายถ้ามีใจอ่ะปวดใจ ใช่มนี่ชีวิตเป็นแบบนี้ท่านอุปมาเหมือนมหาสมุทรเป็นที่ประชุมแห่งแม่น้ําทั้งปวงแม่น้ําน้อยใหญ่ในบรรดาที่มีอยู่ในโลกธาตุทั้งสิ้นเนี่ยนะก็มีกระแสนะอันใหญ่ไหลลงไปสู่ ม, ามหาสมุทรทั้งสิ้นนะจะพ้นจากมหาสมุทรไม่ได้แม้ชั้นใดอารยมร์มีองค์แปดนะเป็นที่ประชุมของโพธิปักขีย์ธรรมนะคือสติประธานสมพระประธานอิธิบดีอินทรีย์พะระแล้วก็โพระชนก ก็อุปมาอย่างนั้นอธิการมูริกโตโตนะอริยมรรคมีองค์แปดนั้นเป็นยอดมงคลวิเศษของกุศลธรรมทั้งปวงโอ้โหในบรรดากุศลทุกชนิดเนี่ยไม่มีอะไรประเสริฐเท่ากับมรรคมีองค์แปดนะ่ะเขาเรียกเป็นยอดของธรรมใช่ไหมในบรรดายอดของธรรมะนี่นะในด้านของไอ ในยอดของพระธรรมที่เป็นไปในที่เกี่ยวกับในเรื่องของไม่ใช่วิราคานี่นะเออไม่ใช่เป็นธรรมที่เ ป, รรร เ, เป็นสังกตธรรมเนี่ยเป็นสังกตธรรมนี่นะในบรรดายอดของสังกตรธรรมเนี่ยคื อ, ค อ, คอมาร์กมีองแปดใช่ไหมะฉะนั้นกุศลใดๆทั้งหลายที่เราก็ทํากันเนี่ยเป็นกุศลที่เขาเรียวกว่าน้อยนิดแต่ว่าจะสู้มาร์กไม่ได้มาร์กนี่สิเป็นยอดของธรรมะฉะนั้นยอดของธรรมนั่นแหละเป็นที่ประชุมของอริยมรรคเออเป็นที่ประชุมของโพธิปักนะ มณิฑูปวิยะเวชยันโตแก้วมณีเป็นยอดเวชยันปราสาสตแห่งสมเด็จอมรินทราธิราชใช่ไหมแก้วมณีเนี่ยเป็นยอดเวชยันปราสาสตของพระเจ้าจักรพรรดินะสพกามทาโทมมณิวิยะถ้ามีเช่นนั้นก็เหมือนกับแก้วมณีโชษแปดเหลี่ยมที่สําเร็จด้วยมโนรสตามความปรารถนานะ บอกถ้านไนี่มาแล้วปราถนาสิ่งสูงสุดได้เวชยันตร์รสนะนะหรือเวทเวทเวทยันตระโถอันุตรโรอุปมาเหมือนวเวชยันตรรสอันเป็นญา น, นันประเสริฐสําหรับอมรินทราธิราชเท้ า, ทาสกาเท้าสกาเนี่ยเขาจะมีรสเนี่ยเขาเรียกว่าเ ว, วชยันตรรสรสเนี่ยเอตาที่สังญานัง อริยมรคมีองค์แปนี่เป็นญานที่อุดมที่สุดถามว่าในบรรดาญานกันเนะเราบอกโอ้ถวายรองเท้ากับพระเขาเรียกถวายยานถวายล่มก็เป็นยานนะใช่ไหมโอ้ชื่อให้ยานเนี้ยให้ให้ยานให้ความสะดวกสบายแกทา่านต่างๆในการสัญจรไปมาอะไรต่างๆเลยเนี้บแต่ว่ายานที่ประเสริฐที่สุดก็คืออริยมรคถ้าใครได้ขึ้นสู่นาวานี่นะสู่ยานันนี้นะ โอ้โหยพยายนอันตรายต่างๆเนี่ยสามารถที่จะข้ามมหาสมุทรได้ในมหาสมุทรนี่นะมันเต็มไปได้วยไผ่น้อยใหญ่ใช่ไหมโอ้โยภัยจะปลาล้ายภัยจะขึ้นภผยนานับประการนี่นะเพราะเราเนี่ยในสังสารวัตรที่ผ่านมาที่หาเบื้องต้นในที่สุดไม่พบเนี่ยเรานั้นขึ้นยานผิดก็เราไปประกอบทางที่มันผิดนี่แหละเราจึงผู้ใดได้ปฏิบัติตามแล้วนะนิพานนักเสวะ สันติเกศบุคคลนั้นจะถึงสํานักพันิพาณเป็นเรื่องได้พระมหากรุณานีพระบรมศาสดามีพระมหากรุณาตรัสเป็นปุจฉาวัดไซยะทีทางเนี่ยอริมากมีองแปดเนี่ยประการนี้เป็นประการใดเวิสัชนาบอกมากมีองแกลทั้ง8ประการก็มีสัมมาทิฏฐิประการหนึ่งสัมมาสังกัปโปประการหนึ่งสัมมาวาจาประการหนึ่งสัมมากรรมันโตสัมมาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติแล้วกัสัมมาสมาธิเนี่ยนะแปประการเนี่ย สัมมาทิฏฐิเป็นอย่างไรนี่ไล่ไปตามลำดับเล็กๆ น, น้อยๆตรงนี้เดี๋ยวขยายทีเนี่ยนะถ้าว่าดูกริอย่างสูงสุดเลยนะที่มีเวลาตอนนี้นิดหน่อยเนี่ยนะได้แก่ปัญญาที่กล้ า, าหารมีนิพานเป็นอารมณ์นั่นแหละสัมมาทิฏฐิถามว่าปัญญาในเบื้องต้นเนี่ยมีอารมณ์หลากหลายมากมาย แต่ถ้าหากว่าพัฒนาไปไมันเหมือนอย่างนี้น้ำเนี่ยน้ำที่อยู่ยังไม่ใช่เป็นน้ำในมหาสมุทรเนี่ยมันมีรถอะไรต่างสารพัดกันน้ถ้าไปในมหาสมุทรรเดียวหมดนะมีรถเดียวมีรถเดียวนี่ก็เหมือนกันน้ำเนี่ยเป็นรถจืดบองรสกร่อยบงังรส ด, ด่างอะไรเยะแยะไปแต่ถ้าลงในมหาสมุทรรเดียวหมดเดีย ว, น, ยวนี่ก็เหมือนกัน ตอนนี้ก็เหมือนกันก็มักที่เป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะสัมมาวาจาส ม, มากัมมิตะของเราท่านทั้งหลายที่จเจริญกันกระท่อนกระแท่นเนี่ยนะแล้วขาดช่วงเป็นระยะระยะขาดมากกว่ายาวเนี่ยนะเป็นงั้นไหมในชีวิตจริงเราไปชมศิกขาสามเดินไม่สะดวกนะโยมเนียเดินไม่สะดวกเลยอุปสรรคเยอะมากอุปสรรคเยอะเราเป็นผู้สร้างอุปสรรคเองหรือเจออุปสรรคจริงๆนะีทั้งเราสร้างเองทั้งเจอเองเป็นต้นด้วยเนาะโอ้เราก็คือเราเดินไม่ถูกด้วยอะ ในส่วจริงๆก็เจออุปสรรคดักซ้ายดักขวาอะไรเยอะแยะไปเสร็จสัมมาทิฐิของเราเดินไม่ค่อยเข้าร่องเข้ารอยอะเราเจริญสัมมาทิฏฐิไม่ได้เพราะเราไม่รู้จักมิจฉาทิฏฐิไม่รู้จักสัมมาทิฐิถ้าไม่รู้จักสัมมาทิฏฐิไม่รู้จักสัมมาทิฏฐิแล้วเราจะรู้ได้ไงไหนเป็นสัมมาทิฏฐิไหนไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิแม้มทะรุนถ้าไปขยายมิจฉาทิฏฐิสิบสัสมาทิฏฐิอีกสิบก็ยาวเลยเดี่ยวนะ หรื อ, อยังมาจะิญ ม, มาขยายเรื่องกรรมสักตาสัมมาทิฏฐิวิปัสนาสัมมาทิฏฐิฌานาสมาธิฏฐิาาลายยากเลยมรรคสมาธิฏิผลสมมาทิฏฐิเรื่องใจยาวเลยเดี๋ยอันนี้ว่าไว้สรุปก็คือว่าสัมมาทิฏฐิถ้าจะว่าด้วยอุกฤษได้แก่ปัญญาที่กล้าหานมีนิพพานเป็นอารมณ์ถอนได้ซึ่งเอาวิชานุสัยแล้วเห็นแจ้งซึ่งอริยสัจธรรมทั้งสี่เห็นแจ้งทุกสมุทยัยนี้เลยมาก ถ้าว่าโดยกําหนดเบื้องต่ําได้แก่กรรมสกตายานี่แหละคือปัญญาที่พิจารณาสัตว์ทั้งหลายนะพิจารณาเห็นบุญเห็นบาปเป็นสมาธิที่ได้เห็นบุญเห็นบาปอะรู้จักบุญรู้จักบาปอเอาแคเ่นี้ยยากไหมอเอาแคเ่นี้ยคํามารู้จักบุญรู้จักบาปเนี่ยถ้าโทสาเกิดในใจรู้จักไหมโลภะเกิดในใจรู้ไหยมานาทิฏฐิวิจิฉาเกิดในใจรู้ไห ม, มา รู้ทาไมให้มันเกิดบาปมันโจรไหมเหมือนโจรไหมอ่ะโจรเนี่ยมันขึ้นบ้านเนี่ยมันมาปล้นหรือมันมาเอาของมาให้แล้วถ้าโจรขึ้นบ้านเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเป็นโจรจริงเราเชิญคาบนั่งเชิญคาบกินอาหารแล้วทาไมโทรศัพท์ขึ้นมาทาไมเราไม่ไล่ลงมาเร็วๆฮะว่าไงธีน้ามิธาเป็นโจรไหมรู้จักไหมแล้วทำไมให้เข้าบ้าน ไม่รู้จักไม่มีสัมมาทิฏฐิถ้ามีสัมมาทิฏฐิจะไม่ให้มันเกิดหลอกเชื่อที่เชื่อพระเจ้าเหอะมันจะไม่ต้องเชื่อมาเพราะเราไม่รู้จักบุญไม่รู้จักบาปมันเผอครัว่าใช่ไหมจะรู้อีกทีมันเอาของไปหมดแล้วตอนนั้นอะตอนโจรขึ้นบ้านตอนนั้นศีลเกิดไหมสมาธิเกิดไหมปัญญาเกิดไหม อาเรียซาบหายหมดหรือยังมันปล้นไปหมดหรือยังจนหรือยังอน า, าถาหรือยังยากไร้หรือยังยากไร้แล้วเป็นคนอนาถาแล้วตอนนั้นน่ะเพราะโดนปล้นไปหมดแล้วมันเป็นอย่างนี้จริงๆนี่นะเราไม่มีสัมมาทิฏฐิจริงถ้าเราเดินสัมมาทิฏฐิจริงเราจะไม่ถูกโจนปล้นแล้วแล้วเาสสราเราซ้ํำซากและโจนหน้าเดิมๆด้วย หน้าเดิมเดิมเพียงเปลี่ยนท่าทีหน่อยแค่นั้นเราก็หลงอีกแล้วจริงเป็นงั้นจริงไหมโอ้หน้ากลัวจริงๆไอตัวไม่รู้จักบุญไม่รู้จักบาปเนี่ยสัมมาทิฏฐิมันไม่เดินไม่เดินทํำยังไงเราจะได้มักเบื้องต่ําที่เป็นสัมมาทิฏฐิมีญาณรู้จักบุญรู้จักบาปได้ไปคิดคิดอย่างเดียวพอไหมต้องไปทํำยังไงต่อ ต้องไปดำเนินต้องทำให้เกิดขึ้นทำโลภะโทสะโมหะให้เกิดหรือทำญาณให้เกิด <Yeah. S 1> รู้จักโลภะโทสะโมหะแล้วก็ป้องกันนะอย่าให้โลภะโทสะโมหะมันขึ้นบ้านหลังนี้อีกปิดประตูให้ดีเจออยู่ด้วยกันก็ปรึกษากันบ่อยๆวันนี้โจรขึ้นบ้านกี่ครั้งแล้วแล้วมันรักอะไรไปบ้าง <laughs> บอกว่าโดนป้นตั้งแต่ตื่นแล้ว <laughs> วันนี้โดนไปห้ารอบก็นับไว้ใช่ไหมบางคนไม่รู้เลยป้นไปเท่าไหร่แล้วสาวจะมามงคลบอกเอา้าอยากขึ้นมาก็ขึ้นเนทะ้าทําไมไม่เคยเก็บอริยทรัพย์เลย <c oughs> ก็เคยไม่เคยเจริญอะไรเลยอนะปล่อยมันขึ้นอยากจะขึ้นก็ขึ้นตามสบายคนทุกวันนี้เป็นอย่างนี้ไหมเป็นอย่างนี้จริงๆใครอยากจะขึ้นมาก็ขึ้นบ้านหลังนี้สบายมากเปิดทุกช่อง ตามสบายอะไรมารับหมดใครจะนินทาอะไรมาหูยรู้เรื่องหมดเอะไรมาป๊อบป๊อได้ทุกเรื่องนะใครพูดเรื่องอะไรเข้าใจทุกเรื่องแหมไปทุกเรื่องเลยอธิบายได้หมดเนะื้อรู้ทุกเรื่องไม่รู้อยู่อย่างเดียวว่าบุญคืออะไรบาปคืออะไรนอนอกนั้นรู้หมดโอ้ยน่ากลัวมากชีวิตน่ากลัวมากน่ากลัวมากเนี่ยคือสัมมาทิฏฐิองค์มากองค์แรกเดินได้ยังเดินยากไหม ทำยังไงจะให้เดินเอ า, อางี้ดีไหมลองไปทานอาหารว่างให้มัรกเกิดให้องค์แรกเกิดให้เกิดจริงๆนะอาลองดูเผื่อที่มัรกจะได้ช่องในการที่ไปคข้ควรพิจารณาบ้สมควรเก็บเวลาเลก พอเล่นเชิญเข้ามาสามโมงครึ่งนะคะไม่ทราบว่าอะไรจะเกิดม น, นะ่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะขออภัยท่านอาจารย์ระหว่างที่ทอรอท่านอาจารย์นะคะขอเรียนเชิญไปชมนิทรศการอรราสาฬหบูชานะคะคราวนี้ไม่ได้จัดสนามหลวงค่ะจัดฉบับย่อที่วัดมหาธาตุท่าพระจั น, นะะ ท, ท ร, นร์นะคะวัดมหาธาตุท่าพระจันทร์ 22-26 กรกฎาคมนะคะ 22-26 กรกฎาคมที่อาคารมหาธาตุวิทยาลัยถ้าเราเข้าทางประตู วัดหมหาธาตใกล้ๆกับธรรมศาสตร์นะคะท่าประจันท์ก็จะอยู่ขวามือนะคะที่นั่นก็จะมีห้องฉหนังนะคะจะเป็นเต็นท์ห้องฉหนังซึ่งอันนี้อยู่ปากทางเข้าบสถจะจุได้ร้อยกว่าคนนะคะแล้วก็มีนิทรรศการขนาดเล็กนะคะสองร้อตารางเมตรมีบรรยายธรรมในโบสถ์บรรยายธรรมมีวันที่ยี่สิบสองถึงวันที่ยี่สิบห้ากรกฎานะคะยีิบสองถึงยี่บ้าเวลาสิบสานาิกาถึงสิบหกนาฬกานะคะ พระสงค์ที่นิมนต์ไว้แต่ว่ายังไม่ได้กำหนดวันแน่ชัดนะคือมีพระอาจารย์สมน์พระอาจารย์สมทบพระอาจารย์มหาประนอมที่อยู่ว่าจากแดงอีกรูปหนึ่งยังไม่ทราบชื่อนะคะเป็นนันว่าขอเรียนเชิญไปชมนิทรรศการอสังหาบูชา 22-26 กรกฎาคมนะคะวันมหาธาตุ ก็เรียนเชิญ น, นะคะมีบรรยายธรรมยี่สบสองถึงยี่สิบห้านะคะวันสุดท้ายไม่มีบ่ายโมถึงสี่โมงเย็นนะคะค่ะขอบพระคุณค่ะมีมีฉา้หนังด้วยนะคะสรุปว่ามีฉา้หนังมีบรรยายธรรมมีนิทัศการะคะ่ะ สวด อ, าอาริยมรตมีองค์แปดาาตามลาดับไม่สวดเลยตัด่ดาานตาสวดสวดไปตามลาดับเนียมีท่านใดสวดพระมั้งคะ<อ>มีไหมคะอาจารย์ีนีไ่ไม่หมถึงพระท่านไมยให้พระท่านนำอ๋อได้ค่ะ ขอขอดึงไม่ให้พระอาจารย์ท่านหยงให้ท่านโยงจุดไว้แล้วมองเห็นหรือเปล่าพระท่านมองเห็นมีมีหนังสือให้ท่านไหมเสียงมันบีบี้ไม่พอ เตเตพิกเวอุโพอันเตอนุปขัมมะเอ่อโทษนะคะตรงไหนนะคะทางใสาอ๋อหน้าสายก็สี่สวดแบบธรรมดานะคะอ่าว่าไปอิดังอิดังโโปะนะพิเกเวทุกขังอริยสัจจัง ชาติปีทุกขาชราปีตุขขาพยาทีปีตุขขาทุกโขมรนาปีตุขังโสกัปริเดวะทุกขาโทมานัสุปายาสาปีตุขขาอาปิเยหิสัมปโยโคทุกโขลปิเยหิวิปโยโคทุกโผลยำปิีฉังนรพัตติตามปีตุขัง สังกิตเตนะปัญจุปาดานขันธาดุขาอิดังโโหปนะพิคเวดุขาสมุทโยอริยสัจยาง ย, ยายางตันหาโปโนภวิกานันทิราคะสหคตาตัตระตัตราพินันดินีเสยยาธีดังกามตันหา ภวตันหาวิภวะตันหาอิดังโขปนัปพิกเวดุขานิโรโธอริยสัจยังโยตัสยาเยวตันหายะอเสสะวิราคุิโรโธจาโค ป, ปตินิสัคโคมุตติอนารโยอิดังโขปนัปพิกเว ทุกขนิโรธคาไินีปฏิปทาอริยสัจยังอายเมวะอริโยอัฏฐานคิโกมัรโคเสยยาธีดังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากรรมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ อิดังดุขขังอริยสัจยันติเมผิกขเวปูเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจากขุงอุตปาดิญาณังอุตปาดิปัญญาอุตปาดิวิชชาอุตปาดิอาโลกโกอุตปาดิตังโโหปัญ น, นิดังดุขขังอริยสัจยังปรินเยยันติเมผิกขเว ปุเพอนันนุสสุเตสุธรรมเมสุจากขุงอุดรปิยานางอุดรปาดิปัญญาอุดรปาดิวิชฌาอุดรปาดิอาโลโก อ, อุดรปาดิตังโขปณิตั ง, อองจุขังอริยสัจยังปริญญาจันติเมภิกเวปุเพอนันนุสสุเตสุธรรมเมสุ จากขงอุตปาดิยาหนังอุตปาดิปัญญาอุตปาดิวิชาอุตปาดิอาโลกโกอุตปาดิอิดังทุขะสมุทโยอริยสัจจันติเมผิกเขเวบุเพอ น, นันสุตเตสุธรรมเมสุจากขงอุตปาดิยาหนังอุตปาดิปัญญาอุตปาดิ วิชาอุตปาฏิอารมโกอุตปาฏิตังโขปนิดังทุกขะสมุทโยอริยสัจยังปหาตพันติเมภิกเเวะปุเพ อ, อ น, นันสุเตสุธรรเมสุจากขุงอุตปาฏิญานางอุตปาฏิปัญญาอุตปาฏิวิชาอุตปาฏิอารมโกอุตปาฏิ ตังโโหปนิตังจุกขะสมุทัโยอริยสัจจังปะหีนันติเมภิกขเวปุเพอ น, นันสุเตสุธรรมเมสุจากุงอุปปาดิญานังอุปตปาดิปัญญาอุปปาดิวิชฌาอุปปาดิอาโลโกอุปปาดิอิดังจุกขนิโรโธ อริยสัจจันติเมเผิกคเวปุเพอ น, นันสุเตสุธรรมเมสุจากขุงอุตปาดิญาังอุตปาดิปัญญาอุตปาดิวิชาอุตปาดิอาโลโกอุตปาดิตังโขปนิดังดุกขาเนโรโทโอริยสัจยางสัจิกาตพันติเมผิกคเว ปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจากขงอุตปาดิญาังอุตปาดิปัญญาอุตปาดิวิชาอุตปาดิอาโลโกอุตปาดิปนิดังทุกขานิโรโธอริยสัจยังสัจจิกะตันติเมพิกขเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุ จากขงอุตปาดิยาหนังอุตปาดิปัญญาอุตปาดิวิชาอุตปาดิอาโลโกอุตปาดิอิดังดุขะนิโรทคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกเเวปุเพอนัุสุเตสุธรรมเมสุจากขงอุตปาดิยาหนังอุตปาดิ ปัญญาอุตตปาดิวิชาอุตตปาฏิอาโลกโกอุตตปาฏิตังโขปนิดังทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังพาเวตพันติเมภิกเเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจากขงอุตตปาฏิยานางอุตตปาดิปัญญาอุตตปาฏิ วิชาอุตตปาฏิอาโลกโกอุตตปาฏิตังโขปนิดังทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังพาวิตันติเมภิกขเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตตปาดิญาณาังอุตตปาฏิปัญญาอุตตปาฏิ วิชาอุตปาฏิอโลกโก้อุตปาฏิยาวกีกวันจเมีพิกเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังดวารสาการังยาถาภูตังยานัสสนังนาสุวิสุทังสอโอโหสิ ตาวาหังพิกเวสเดวเกโลเกสมารเกสพัพพา ม, มเกสัสสสมาณพัมมานิยาปัชายะสเดวมนุษยายะอนุตรังสัมมาสัมโพทิงอาภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยะโตจักโเมพิกเว อเมสุจตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังดวาดสาการังยะถาภูตังยานัสสนังสุวิสุทธังอโหสิอาถาหังพิกเวสเดวเกโลเกสมารเกสพรมมเกสัตสมณรามมนิมนยาปชายะ สเดวมนุสายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสามุตโธปัจจัญญาสิงยานันจปนเมทสนางอุดะปาดิอากุปปาเมวิมุตติอยามันติมาชาตินัตถิดานิปุนัพโวติอิดามาวจพัชควา อาตามนาปัญจาวัคยาภิกขุภักขวโตภาสิตังอภินันดุงอิมัสสะมินจัปปนะเวยาการณาสมิงพันยามานอ า, ายัสมัตโตโกนทันยัสวิระชังวีตมลังธัมมะจักขุงอุตปาดิยางกินจิสมุตรยะธรรมัง สัพพันธังติทธรมมันติแค่นั้นพอแล้วแค่นี้แค่ตรงนี้อันนี้จบแล้วปัญญาเห็นธรรมเกิดขึ้นแล้วก็ในในการสาธยายในการสวดนี่ก็ถ้าใครสวดได้ก็ดีนะสวดได้สาธยายได้ก็ดี <c oughs> เออตอนช่วงหยุดไปก็คือพูดถึงในเรื่องของคำว่าไล่ามาตามลำดับตั้งแต่โยจายังกาเ ม, มสูกามาสุา尔ิกานโยโค ก, ก, การเสพกามาสุขในรมที่ยั่วยวนก็หมายถึงการเสวยสุขที่ประกอบด้วยกิเลสกามนีโนก็คือต่าสามคำโมก็เป็นของชาวบ้าน <c oughs> เพราะเขาเาซ่องเสพกันนะคมโมปุรุชนิโกก็ เป็นข้อปฏิบัติของบุถุชนคนโง่เขาอนาริโยก็ไม่ประเสริฐไม่บริสุทธิ์ไม่สูงส่งและก็ไม่ใช่ของภาริยะอนัตสานิโตก็ไม่ประกอบด้วยประโยชน์คือไม่อาศัยเหตุอ น, นามาซึ่งประโยชน์สุขมาให้ทั้งความสุขในปัจจุบันนะพบสุขในพบหน้าตลอดถึงปรมัตถประโยชน์นั้นไม่ได้เลยอตตกิรมมานุโยโกก็คือการประกอบในการเบียดเบียนตนก็หมายถึงการทําตนให้เป็นทุกข์อย่างความทุกข์ให้เกิดขึ้นดังกล่าว ทุกโขเป็นทุกเนี่ยนะนำความทุกมาให้ด้วยข้อปฏิบัติที่เบียดเบียนตนมีการนอนบุกอกหนามเป็นต้นทีนี้เรากำลังเข้าสู่มัชชิมาปฏิบาาัตาทางสายกลางทางสายกลางหมายถึงอริยมรักษาริยมรักษนั้นไม่เข้าไปใกล้ที่สุดต่งทั้งสองส่วนนั้นอริยมรักษนั้นไม่เข้าไปสู่ไม่เข้าไปใกล้าการมาสุขคาลิกานิยกเพราะอะไรเพราะการมาสุขคาลิกานิยกเป็นส่วนหนึ่ง อัตะกิราถามโยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งทมที่หลุดพ้นจากส่วนเหล่านั้นจึงเรียกว่ามัชิมาปฏิปทาคาว่ามัชิมาเนี่ยเป็นกลางในส่วนทั้งสองนั้นชื่อว่าปฏิปทาเพราะเป็นสิ่งที่กุลบุตผู้ปรารถนาจะหลุดพ้นจากวัตทุกพ์พึงดำเนินเข้าใจเราเป็นกุลระบุตใช่เป็นบุตรของพระผู้มีภาคเจ้าปรารถนาจะหลุดพ้นจากวัตทุ ปรารถนาที่จะหลุดพ้นจากชาติทุกชลาทุกพยาทิทุกมรณะทุกเป็นต้นถ้าปรารถนาก็พึงดำเนินดำเนินทางไหนเออมัชฌิมาปฏิปทานี่แหละพระบรมศาสดาสารเถรนทางสายกลางตรัสว่าจักขุกกรณีก่อให้เกิดจักสุน่ได้กล่าวมาแล้วหมายถ้าสูงสุดและหมายถึงปัญญายาณในปฐมมรรคเป็นต้นจักขุกรณีทาให้เกิดปัญญาจักสุ คือทางสายกลางก็ก่อให้เกิดปัญญาจากสุเนื่องจากเป็นไปเพื่อความยั่งรู้อริยสัจเจธรรมทั้งสี่เนื่องจากทําให้เกิดการรู้เห็นมีการกําหนดรู้และการแทงตลอดเป็นต้นรู้ทั้งสองส่วนทั้งปัจจตารักษณะและสามัญยลักษณะแล้วสามารถที่จะแทงตลอดพระนิพพานเป็นต้นได้อันนี้ก็ต้องไปแยกแยะรายละเอียดอีกเยอะเลยนะเนี่ยมาก็ตัดคร่าวๆอย่างเงี้ยนะ จากขูกรณีนั้นตรัสไว้โดยอ้อมเพราะข้อความที่ปรากฏบางส่วนจัดเป็นสิ่งที่หมู่ได้กระทําไว้แล้วเขาเรียกปัญญาจักษุไม่แตกต่างจากสายกลางก็ตามนะทางสายกลางนี่เป็นองค์รวมของอริยามารรคมีองแปดส่วนปัญญาจักษุที่เป็นชื่อของสัมมาทิฏฐินั้นน่ะเป็นองค์ประกอบหนึ่งของอริยามารรคมีองแปดเป็นชื่อของปัญญาใช่ไหมปัญญานั้นน่ะอยู่ในมรรคมีองแปด เป็นหนึ่งองค์ใช่ไหมในองค์มรคนั้นทีนี้อย่างนี้เขาบอกเป็นการกล่าวโดยอ้อมเป็นองค์ประกอบหนึ่งของอริยมรคทางสายกลางทําให้เกิดปัญญาจากักษุจึงเป็นสํานวนที่ตรัสไว้โดยอ้อมส่วนคําประกอบที่นับเข้าในองค์รวมทั้งแปดนั้นนะ่ะการใช้ในลักษณะนี้เป็นสํานวนทางภาษาถ้าเรียกว่าอภัทูปจาระก็คือว่า อภัยทูปจาระก็คือสำนวนที่กล่าวไว้โดยไม่ต่างกันบางแห่งกล่าวถึงสิ่งที่เหมือนกันได้ต่างกันบางแห่งก็กล่าวสิ่งที่ต่างกันให้เหมือนกันในที่นี้กล่าวสิ่งที่ต่างกันให้เหมือนกันเนี่ยนะยาณกกรณีเนี่ยเป็นคำวัยพ์ของจกักขุกรณีอุปสมายะนี่เพื่อสงบระงรับราคะโทสะโมหะคือสงบระงรับกิเลสอภิญญายะเพื่ อ, อยังรู้อริยสัจสี่คื อ, อยังรู้ทุกสมุทัยนิโรธมรร สัมโพธยะเพื่อรู้อริยสัจโดยชอบนิพพานายะเพื่อรู้แจ้งพระนิพพานเนี่ยนะถ้าธํามราชว่านิพพานายะเนี่ยเพื่ออะไรสูงสุดเพื่ออนุปาทาปรินิพานดับกิเลสและขันห้าโดยไม่มีส่วนเหลือตอนนี้ยังมีเหลือไหมเต็มหมดเลยแล้วถามว่าทิ้งขันนี้ก็ไปแบกขันใหม่ไหมอุย้ยเรายังมีข้อปฏิบัติที่ไม่ตรงเยอะเลยเนะ่ย่ห็นไหมลองคิดดูนะ อย่างเราเนี่ยถ้าไปดูคนทะเลาะกันเนี่ยเราจะต้องไปเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเชื่อเนี่ยเขาเรียกว่าอย่างเราเนี่ยไม่ใช่ทางสายกลางไม่ใช่กลางหรอกต้องพระพุทธเจ้าต้องสาวกของพระพุทธเจ้าสิแต่ไม่ใช่สาวกที่มีกิเลสนะอมมาก็อย่าไปมั่นใจว่าอมาเนี่ยเป็นผู้เราก็อย่าไปมั่นใจอมามีสายกลางตลอดบางครั้งถ้าโลภะกับโทสะเกิด ตอนนั้นเรามาก็เป๋เขาบนเกินอยู่นะนี่ตรงนี้ต้องดูเงี้ยฉะนั้นต้องบอกว่าถ้าชื่นชมบุรุชนแล้วไม่ใช่ทางสายกลางไม่ใช่ใช่ไหมเราไปยินดีคนมีกิเลสเนี่ยมันจะไปทางสายกลางได้ไงใช่ไหมช่ที่สุดจริงๆเราก็เอียงแล้วก็ไม่รู้ตัวว่าเอียงด้วยนี่เป็นอย่างเงี้ย เพราะเรามีอะไรฉันทาคติโทษสาคติพยาคติโดยเฉพาะที่น่ากลัวที่สุดคือโมหคตินา ก, กัมากแล้วนึกว่าเป็นปัญญาคติซึ่งไม่มีซึ่งไม่มีเหมือนปัญญาเพี้ยเป น, นะโมหเนี่ยรู้ทุกเรื่องไม่รู้อย่างเดียวคือมัชฌิมาปฏิปทาจะเดินยังไงโมหนี่ไม่รู้อยู่เรื่องเดียวเนี่ยไม่รู้ว่าเอ๊มัชฌิมาที่เกิดในใจเนี่ยเกิดยังไง ทีนี้พระตถ า, าคตตัดทางสายกลางเนะ่ยได้เกิดดวงตาเห็นธรรมกัตมาจะสาทางสายกลางที่ตถาคตจะตัดจรู้เนี่ยนะก่อให้เกิดดวงตาเห็นธรรมก่อให้เกิดปัญญาย่อมเป็นไปเพื่อความสงบระงับกิเลสเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้แจ้งเพื่อดับทุกข์นั้นเป็นไฉนเนี่ยนะส่งตอบโดยในว่าอเยเมวะเนี่ยทางสายกลางก็อริยรมรรคมีองค์แปดนั่นเองเป็นต้นน่ยนะ ในพระดํารัสว่าอายเมวานี่มีอาจว่าห้ามในตํารัดว่าอายะเมวาเนี่ยมีประโยชน์เพื่อห้ามทางปฏิบัติที่ยังสัตว์เขาบอกห้ามการปฏิบัติอื่นนะห้ามการปฏิบัติอื่นเพราะการห้ามในที่นี้เป็นการห้ามความความมีอยู่ของทางปฏิบัติอื่นเนื่องจากไม่มีหนทางอื่นที่ คิดเองได้หรือที่คิดแล้วจะสามารถพ้นทุกข์ได้ส่วนพระดํารัสว่าอริโยนั้นชื่อว่าอริยะเพราะเหตุที่บอกว่าผู้ห่างไกลาจากกิเลสโดยนิรุติในนะตามภาษาพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้ไกลาจากกิเลสแล้วไกลไม่ใช่ไกลธรรมดานะื้อเลยไกลแสนไกลเไกลาจากราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิวิจิกิจฉาหิริกะอโนุอัตตาและก็อุทะจักแต่เรานั้นเป็นผู้ใกลเนาะ ใกล้แสนใกล้กิเลสและกิเลสเข้ามาง่ายมากนะสกิดนิดเดียวเราก็ยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับอยู่เนี่ยนะฉะนั้นสภาวะของพระผู้เป็นพเจ้าผู้เป็นพระริยะเพราะเป็นสิ่งที่พระองค์ผู้เป็นพเจ้านะเป็นพริยะพระองค์ทรงตรัสเป็นเพื่อความบรรุเป็นอาริยะเนี่ยเป็นอริยะธรรมมันเบร์เสอร์อาริโออะทังเยโกมากโกเนี่ยนะที่บอกว่าอริยะสาวเนี่ยสภาวะทําให้ เป็นอริยะนะชื่อว่อริยะอริยะมีอยู่ห้าความหมายนะผู้ห่างไกลาจากกิเลสผู้ทําให้ศัตรูคือกรรมชั่วอันตรธานไปสภาวะเป็นของพระผู้ภาคเจ้าผู้เป็นอริยะสภาวะเป็นไปเพื่อบรรลุธรมความเป็นพระรยะแล้วก็สภาวะทําให้เป็นพระรยะเนี่ยนะฉะนั้นมรรคมีองค์8ปประการก็มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นอันเนี้ย แปดประการเนื่องจากหมู่องค์มร์แ8ดนั้นได้ชื่อว่ามร์เพราะหมู่นั้นจัดว่าเป็นองค์เป็นส่วนเป็นองค์ประกอบมร์โดยประมร์เน่ยนะเป็นเหมือนเครื่องดนตรีที่ประกอบไปได้วยองห้าเพราะไม่เหมือนกับพระเวทที่ประกอบด้วยองหกเขาบอกเครื่องดนตรีที่ประกอบด้วยองห้านี่นะถ้าสมัยโบ ร, ราณก็มีอะไรกองขึ้นกองที่ขึ้นหนังหน้าเดียวกองขึ้นหนังทั้งสองหน้ากองขึ้นหนังทั้งหมดแล้วก็ เครื่องดีตีดีสีตีตีเคาะมีฉิงเป็นต้นอันนี้นะแล้วก็เครื่องเป่าก็มีขวี่เป็นต้นอย่างนี้เขาเรียกองคประกอบของเครื่องดนตรีอันตตังเจวาวิคเตวิคตามาตาวิคตังคะังสุริยังเจติสุริยังปัญจังคิกรรมคริทริทรตังนะบอกเครื่องประกอบปีองค์5เป็นต้นดังกล่าว ส่วนมรคนั้นนะเป็นสภาวะที่เป็นหมู่นะกำจัดกิเลสมรคคือสภาวะสแสวงหาพระนิพพานเนื่องจากว่าอาริมรคนะที่รับอนิพพานเป็นอารมณนะ์ก็เหมือนกับการสแสวงหาพระนิพพานแล้วมรคคือสภาวะที่ผู้ปรารถนาพระนิพพานพึงสแสวงหาอย่างเราต้องสแสวงหามรคไหมต้องสแสวงหามรคเพราะอะไรเมื่อขึ้นสู่นาวาคือมรคนี้ได้แล้วมรคจะพาเราไปพระนิพพานใช่ไหมนี่เป็นอย่างนี้ เนื่องจากปฏิบัติเพื่อบรรลุพระนิพพานนั้นต้องบำเพ็ญเหตุให้บรรลุพระนิพพานนั้นอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามรคคือสภาวะที่ผู้ปรารถนานิพพานเนี่ยพึงปฏิบัติให้สําเร็จตรงนี้ก็คือว่าประการต่อมาได้พูดถึงสัมมาทิฏฐิเป็นมรคในฐานะเป็นเหตุมรคนี้เป็นเหตุนีเป็นเหตุเพื่อให้บรรลุพระนิพพาน ไม่ใช่มาร์กนั่นเป็นเหตุทําให้นิพพานเกิดไม่ใช่ไม่ใช่ว่าถ้าสมุทัยเนี่ยก็เป็นเหตุของทุกข์สัมมาทิฏฐิเป็นหนทางอย่างรู้ใช่ไหมสัมมาสังกปะเป็นหนทางแห่งการน้อมจิตส่วนลมสัมมาส ม, มาธิก็เป็นหนทางแห่งความไม่ฟุ้งซ่านเป็นต้นก็ว่าไปทีนี้องค์มาร์กต่างๆเราเนี่ยนะสัมมาทิฏฐิสภาวะรู้โดยชอบสัมมาสังกปะก็ดํารีชอบเนี่ คือน้อมสัมปยุศเข้าสู่อารมณ์คือพระนิพพานาสามารถนิมิพานาเป็นอารมณ์ได้หมดนะสัมมาวาจาก็คือกล่าวชอบเป็นต้นนี้ว่าไปตามลําดับทีนี้ในส ม, มาธิฏิดังวาโดยอุกฤษดังกล่าวได้แก่ปัญญาก้ า, าหานมีนิพานเป็นอารมณ์ถอนเสียซึ่งอวิชานุสัยเห็นแจ้งซึ่งอริยสัจ4ี่ถ้าว่าโดยเบื้องต่ําก็ได้แก่กรรมสกตายานนะปัญญาที่ไปรู้จักบุญและบาปแต่เท่านี้ก็นับว่าเป็นส ม, มาธิฏิได้ในเบื้องต้นดังกล่าวอันนี้กล่าวยโดยย่อก่อน สัมมาสังกประที่แก่วิตกเจตสิกนะคือวิตกที่เป็นไปโดยชอบเนี่ยถ้าในเบื้องยังไงดีต้นๆหน่อยกันเลยนั่นแหละการบำเพ็ญทานศีลเนี่ยนะคนเราบางทีสัมมาวิตกเนี่ยน้อมในการที่จะให้ทานนะน้อมในการที่จะรักษาศีล น, น้อมในการที่จะออกบรรพชาโอ้โหที่นี่แรงเลยอย่งน้องออกจากกรรมเนี่ยนะวิตกที่เป็น จะไม่ผูกพยาบาทาค่าจองเวนเนี่ยนะวิตกที่จะไม่เบียดเบียนสัตว์เนี่ยนะถ้าจะว่าด้วยกิจแล้วเนี่ยสัมมาสังกาปรานั้นน่ยก็ได้แก่วิตกที่ยกเอาสภาวธรรมที่เกิดพร้อมกันตน น, น้อมเข้าพระนิพพานเลยมีพระนิพพานคือสภาวะที่ดับทุกไปอารมณ์เลยสัมมาวาจาคือถ้อยคําที่เป็นวจีสุจริตปราศจากมุสาวาตปิสุนาวาจาพุรุสวาจาสัมผัสปราปะเนี่ยนะ อันนี้อันนี้ได้หลายละเอียดตรงนี้แต่ถ้าสูงสุดก็นั่นแหละสภาวะที่มีพระนิพพานสัมมาชีวะก็เลี้ยงสัมมากัมมันตาก็นั่นแหละเวเป็นการกระทําที่เป็นไปกายกายสุจจริตสามถ้าเบื้องต้นให้สังเกตสัมมาวาจาสัมมากัมมันตสัมมาชีวะที่ได้กล่าวไว้ในชั้นของศีลใช่ไหมเป็นเจตสิกศีลในชั้นของเจตสิกศีลเนี่ยสัมมาวาจาเวลาเกิดขึ้นในกระแสของขันในในจิตใจเนี่ยนะ ตัวสัมมาวาจานั้นจะเป็นไปในการที่จะงดเว้นจากวจ ja ีทุจริตการที่จะงดเว้นจากวจีทุจริตนั้นตอนนั้นสัมมาวาจามาเป็นเป็นหัวหน้าของหมู่เจตสิกทั้งหลายบรรดากลุ่มเจตสิกทั้งหลายกลุ่มนามมารมทั้งหลายที่เกิดร่วมกันกับสัมมาวาจานั้นก็คล้อยตามอนุโลมตามอนุวัตตามสัมมาวาจานั้นสัมมาวาจาก็เป็นสภาวะที่กําจัดบาปในการที่จะไม่พูดเท็จ สามารถที่จะตัดนะวงจรแห่งการกล่าวเท็จได้แล้วโดยเฉพาะไอ้มูลเหตุนะมูลเหตุแห่งการที่จะกล่าวเทนะ็จมันคืออกุศลทั้งหลายเนะื้อก็จะไม่ไหลเข้าสู่ใจเลยฉะนั้นคนที่มีสัมมาวาจารตอนนั้นนะ่ะกุศลสุจริตสามเขดีมากกายก็สะอาดวาจาก็สะอาดด้วยนะใจก็สะอาดด้วยนะืจริงๆแล้วแต่ขับเน้นที่วาจาขับเน้นที่วาจาก็คือวาจาที่จะเปล่งจะกล่าวจะพูดออกมาเนี่ยก็เป็นไปด้วยวจีสุจริตทั้งหลายเป็นต้นเนะี่ย ลักษณะอย่าง้ก็ เ, เรียกกลุ่มสัมมาวาจาที่เป็นไปในชั้นพื้นฐานแต่ถ้าในชั้นระดับสูงสัมมาวาจาไปประชุมในโลกุตละก็ยกเอาสภาวธรรมก็เกิดมีพระนิพพานเป็นอารมณ์เลยเนี่ยนะแล้วก็เป็นไปในการฐานะมีสมาธิฏฐิเป็นตัวนําไปนี่เขา้าใจเงี้ยนะสัมมารกรรมตา ก, ก็นั่นแหละงดจากกายยทุจริตสามก็เป็นไปในส่วนของกุศลสีนั่นเองดังกล่าวตรงนี้ก็เป็นไปในส่วนขการที่ไม่ไม่ให้บาป ที่เป็นไปในการฆ่าการลักการเบิกพติ ผ, ผิดในกรรมให้เกิดขึ้นเลยโดยเฉพาะมนะูลเหตุน่ยความไม่ความไม่โลภความไม่โกรธมันเกิดขึ้นด้วยนะในขณะนั้นนะไม่ใช่ไม่เกิดแต่เกิดขึ้นในฐานะที่คล้อยตามเพื่อจะเป็นการอนุวัตตามแห่งการที่จะไม่แสดงออกมาทางกายเนะี่ยด้วยการไปฆ่าไปลักหรือไปพืชไปพืผิดในการมได้ได้เด็ดขาดด้วยได้อย่างได้อย่างดีแท้คล้ายๆเห็นปุ๊บมันตัดได้เลยนะียตัดได้เลย แล้วก็กุศลก็เกิดขึ้นตอนนั้นกายวาจาใจก็สะอาดส่วนสมาชีวานี่ไหมาการเลี้ยงชีพทั้งหลายเหมือนเราท่านทั้งหลายเนี่ยถามว่าที่เราประกอบอาชีพกันทั้งหลายเนี่ยดูตรงไหนดูว่ากุศลเดินไหมดูตรงนั้นเพราะว่าถ้าเป็นไปกับวจีทุจริตเป็นไปกับกายทุจริตแล้วประกอบอาชีพอยู่อาชีพเราเป็นมิจฉาชีพนะทั้งๆ ท, ท, ที่ทําอาชีพถูกเอาสมมติทํารองเท้า ทำใหญ่เย็บใหญ่อกเครียดเหลือเกินเนี่ยคนสั่งมาเยอะเหลือเกินไม่มีสมาวาจารนะอย่างเงี้ยเออไม่ ม, มีไม่มีสมาชีวะนะมีได้ไงอะ่ะจิตเป็นอกุศลสมาชีวะต้องจิตเป็นกุศลกายต้องสะอาดวาจาต้องสะอาดใจก็ต้องสะอาดก็ใช่ไหมการประกอบอาชีพต้องเป็นไปกับกุศลถึงจะเรียกว่าสมาชีวะอันนี้เป็นพื้นฐานของสมาชีวะที่เป็นไปของโลกิยาเขาจะยังนี่เป็นอย่างนี้ มันก็ตัดวงจรบาปได้จริงแล้วชีวิตจริงเป็นแบบนี้ไหมถ้าชีวิตจริงไม่เป็นอย่างนี้ก็แปลว่าสัมมาอาชีวะไม่เดินและเดินก็ไม่ยาวเดินก็ตะขุกตะขักและชีวิตจริงอะขับรถเป็นอาชีพนะตอนนั้นอะเราดํารงอาชีพของเราอยู่นะในฐานะที่เราประกอบอาชีพการงานที่เราไปกรอกการงานถ้าทุติริดออกทางกายทางวาจาใจเป็นบาปตอนนั้นไม่มีสัมมาอาชีวะนะทั้งทั้งที่เราขับรถไม่ได้ไปปล้นใครเนี่ยเพราะบาปมันเกิด เขาใชยังเราไม่ได้เดินสัสมาชีวะตอนนั้นเป็นมิจฉาจิตมันเป็นบาปมันจะเป็นสัมาชีวะได้ยไงเขาใช้ยังมันเป็นได้แค่รูปแบบแต่กุศลมันไม่เดินจริงสัมาชีวะไม่ได้เดินได้จริงแล้วถามบอกว่าเมื่อสัมมาวาจาสัมากรรมตาสัมาชีวะในชั้นโลกิยะประชุมไม่ได้และโลกุตระนี่จะทำยังไงอธิษฐานเอาได้ไหม ก็อธิษฐานไม่ได้มันต้องทําพื้นฐานให้แน่นพื้นฐานให้ดีดงนั้นตรงเนี้อย่างนี้ถ้าเดินเป็นปฏิบัติเกิดที่ยังเกิดที่ยังเกิดแล้วปฏิบัติมันเกิดแบบนี้การปฏิบัติมันเดินได้มันเป็นไปได้ในชีวิตแบบนี้นะคําว่าสัมมาวาจาสัมมากรรมตาสาม า, ส า, มาชีวะมันเดินได้จริงในชีวิตอย่างนี้แต่ตอนนี้ยังไม่ได้มี น, นิพพานเป็นอารมณ์ใช่ไหะ ที่มันมีนิาพานเป็นลมหรอกเป็นไปกันในเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆเหล่านี้ที่เป็นสภาวะถ้าเป็นสภาวะที่เขาเกิดจริงๆก็เป็นสภาวะประมาจารย์แต่สิ่งที่แวดล้อมทั้งหลายที่ความเข้าใจทั้งหลายนั่นเป็นการตรึกเป็นการคิดให้เกิดความเข้าใจเพราะสภาวะที่ไปกําจัดบาปได้จริงๆคือสัมมาชีวะมันเกิดแล้วมันก็จะเกิดตัดตอนได้เป็นระยะเลยเนี่ยนกุศลก็เดินได้สะดวกดิอ้านั่งฟังพระธรรมเนี่ยหลับเนี่ยเป็นสัมมาชีวะไหม เป็ น, ไ ม, ปนไม่เป็นเป็นก็ห้ามทํามิจฉาอาชีวะในห้องเรียนในห้องทําฝังใช่ไหมถ้าอย่างนี้ไม่ได้ังนั้นบุญไม่เกิดแล้วต้องทําสม า, าชีวะให้เกิดอย่างเงี้ยเพราะสมาชีวะเป็นชื่อของกุศลกายต้องสะอาดวาจาต้องสะอาดใจต้องสะอาดเป็นผลของศีลใช่ไหมผลของศีลก็ดูตรงนี้ก็ดูตรงนี้ศีระณนะตรงเนี้ยแปลว่าอย่างนี้ไม่เกลื่อนกลนไม่กระจัดกระจายไม่สซ่านไปด้วยการทุศีลเป็นตัวแล้วอาชีพก็สุดจริต ประกอบอาชีพสุดจริตด้วยและเดินจิตที่เป็นไปกุกศลด้วยถึงจะเรียกว่าสัมมาอาชีวะเนีย่ยเวลาเราสวดก็เข้าใจอักตรงนี้สัมมาวาจาสัมมากรมมันโตสัมมาอายเนี่ยเวลาสวดจรงิงจก็นึกถึงอักตรงนี้เลยนี่สวดไปเอาแหมเป็นนกแก้วเลยไม่ได้ใช่ไหมตามป็นนกขุนทองนอกกระปูดตาไมายุ่งเลยเดีวยวนี้ <c oughs> <c oughs> เลยไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้ แต่ไม่ได้แล้วที่สวดไปยังหงึกนึกถึงงานไปด้วยก็เร่งสวดใหญ่แต่เนี้ยอ๋อเร่งสวดใหญ่เร่งสวดใหญ่แต่เนี้ยจะตัดอารมณ์แค่นี้เองมีอะไรหรอกคล้ายๆเหมือนชิงยังหวาใช่ไหมเราต้องรู้เหตุผลต้องรู้จักหน้าตาก็วิดีว่าไม่ไมนาให้เกิดเลยนั้นบาปนิดเดียวก็ไม่ควรให้เกิดใช่ไหม ถ้าหลุมอุจจาระใหญ่ๆนี่เหม็นไหมกิเลสถ้าเกิดเยอะๆก็เหมือนนั้นนะถ้าเอาลดลงมาน้อยยังเหม็นอยู่ไหมนิดหน่อยยังเหม็นอยู่ไหมเหลือถ้าเศษยะข้ า, ายังเหม็นไหมโอ้โหนั่นแหละกิเลสต้องให้หมดจริงๆอนยะ่างนั้นต้องให้หมดจริงๆนะถ้าอย่างนั้นมันก็ยังมีกลิ่นใช่ไหมแต่เพราเอิญพวกเรามีกลิ่นต่อมีกลิ่นเลยสบายเลยอยู่ด้วยกันได้ <laughs> คุยกันรู้เรื่อง แล้วคนมีกิเลสประเภทเดียวกันมองตากันพบนี้เข้าใจกันเลยโอ้เข้าใจใช่ไหมดกันภาพบางทีไม่ต้องพูดกันเลยเพราะกิเลสคล้ายกันเนี่ยดูภาพเห็สังเกตดูนะบางทีเพศตรงกันข้ามถ้ากิเลสสอดคล้องกันมองปภาพก็เข้าใจเลยบางคนแทบไม่ต้องสื่อภาษาพูดเลยแค่ภาษาตารู้แล้วก็ว่าเรายัางงงอยู่เลยเนี่ยนะคนเขาว่าเนี่ยเขาเรกิเลสมันใช่ไหมกิเลสมันสื่อทํางานกันแล้วอย่างนี้ไหม นี่เป็นอย่างเงี้ยนี่ก็เรียกสัมมาอาชีวะประกอบอาชีพที่ปราศจากมิจฉ า, าชีพไม่ได้ทําโกหกมายาเลี้ยงชีพเป็นต้นสัมมาวายโมนี่เป็นชื่อของสมัชพระธานทั้งสี่อันนี้สมัชพระธานสี่เนี่ยเพียนทั้งหลายเราเนี่ยนะเป็นเรื่องของการต้องบรรยายเยอะแต่สรุปคําว่าสัมมาวายามะเนี่ยนะ คือสภาวะเพียรชอบเนี่ยนะที่จริงความเพียรเนี่ยสภาวะของความเพียรเนี่ยลำดับแรกจริงๆนี่ยผู้เท่เจ้าเนี่ยสรรเสริญความเพียรคนที่เพียรได้ดีก็แปลว่าเพียรในการที่จะสามารถตั้งกุศลได้ยาวๆคนที่เพียรได้ดีเนี่ยนะถามว่าคําว่าสําความเพียรชอบในระดับพื้นฐานจริงๆเนี่ยสามารถเดินกุศลจิตได้ทุกชาวนาะ ลงทวางไม่ว่าการขึ้นชาวหน้าใหม่ก็จิตก็เป็นไปกุศลอย่างนี้อ่ะสามารถค้ำเจนกุศลเกิดได้ทุกเรื่องและเป็นไปกับทุกทวารเลยทางทวารตาทวารหูทวารจ ม, มูกทวารลิ้นทวารกายทวารใจไม่ใช่เพียนไปโกรธไปชื่อว่าเพียนชอบเนะเพียนไปความโลภก็มีนะโลภก็มีความเพียนอยู่ในนั้นโกรธก็มีความเพียนอยู่ในนั้น เมตช้าทิฏฐิก็มีความเพียรอยู่ในนั้นมานะาก็มีความเพียรอยู่ในนั้นอย่างนั้นเขาเรียกผีไม่ใช่เพียรชอบหรอกเพียนในเพียนอยู่กับบาปเพียนในการที่จะทําบาปให้เดินเนี่เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ใช่เพียรในการถ้าหบาปเกิดนะ่ะเพียนรับบาปใช่ไหมใช่บาปเนี่ยที่มันเคยเกิดในกระแสะขันเรามาอย่างยาวไกลนะเอาแค่ในปัจจุบันนะพบเนี่ยเคยสมาทานไหมล่ะมานับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ย จะไม่ให้บาปชนิดนี้ยหมุนเข้าสู่กระแสจิตเข้าพระเจ้านับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะ บ, บริณิพานเนี่ยก้าคิดมล่ะเขาคิดกันอย่างนี้นะคือคนอย่าพ้นทุกข์เช่นเราเคยมีบาปเกิดขึ้นมาเยอะหมดนะที่ผ่านมาเคยประกอบบาปเยอะหมดปานาทีบาตาทิานาทา น, าทนาทานกาเมษุมิชาจารมุสาวัตปีสุณาวาจา พ, ร, าจาพ ร, ะระุสาวจาสัมผัพลาปะบางท่านก่ออภิชาบางพยาบาทบางมิชาทิฏฐินี่นะ เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรเยอะแยะหมดนั้นเคยเกิดแล้วใช่ไหมหรือบาปบางอย่างนี่บาปประเภทนี้เคยเกิดแล้วบอกว่าจะไม่ให้บาปประเภทนี้หมุนเข้าสู่กระแสจิตข้าพเจ้านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอันนี้ก็ยังนับว่ดีใช่ไหมถ้าบอกว่าจนกว่าข้าจะเข้าไเจ้าจักบริณิพานโอ้นี่ชัดเลยอันนี้แปลว่าตั้งตังจริงเลยเนี่ยอย่างเงี้ยใช่ไหม อา้าวแล้วถ้ามันเกิดละ่ะคนกลัวกันรึเปล่าไปทำอุ๊ยไม่ได้หรอกท่านอาจารย์โยมตั้งไม่ได้หรอกตั้งที่ไรมันก็มาเกิดทุกทีเอาก็ตั้งบ่อยๆถ้าตั้งสักพันครั้งเป็นไรไหมไม่เป็นไรก็หมื่นครั้งใช่ไหมทำมันไม่ได้ก็ตั้งไปเรื่อยๆ เ, เหมือนเหมือนนอนเนี่ยนอนเนี่ยไม่อยากลุกเนาะเคยเป็นไ้มล่ะเอาอีกนิดน่ะเอาอีกนิดเห็เออนไหมแล้วก็บอก ลุกได้แล้วนอนทําอะไรนอนแล้วได้อะไรพุทธเจ้าบอกความเกียรติาดไม่ดีต้องใส่ข้อมูลเขาไปเรื่อยๆที่พอเขาหยุดสักพักหนึ่งก็ ข, ขอนอนต่อนั่นไม่เชื่อไม่กระทัพงะพุทธเจ้าแล้วจะไปเชื่อใครถามเขาไปเรื่อยๆเนี้ยนะแม้ขนาดว่าทําพุทธเจ้าอยู่ในใจยังไม่รู้จกักไอ้หรืออะไรเงี้ยนะถามเขาไปเรื่อยๆถามเขาไปเรื่อยๆดูจะทนไหวไหมอ้าวจะทนไหวปล่อยเข้ามาอ้าวอยากนอนนอนไป น่าไม่อายนอนอยู่น <Jub ilee> <through marriage> <stero id> <vel> <rene> <think> ั่นแหละนอนอยู่พอกพูนบาปอยู่นี่แหละน่าจะได้บุญตั้งเยอะก็มานอนกินบาปอยู่เงี้ยไล่ไปเรื่อยๆเงี้ยนะเราอยู่ที่เราจะให้ข้อมูลใช่ไหมใช่นี่ไม่ยอมให้ข้อมูลเออดีแล็ดีแล้วเราไปตามใจเงี้ยให้ที่นอนอยู่นั่นแหละเอาอยากนอนนอนไปก็ให้ข้อมูลความรู้เข้าไปใส่ความรู้เข้าไปยอมใส่ป๊ป๊อปป๊อป๊๊อนะเข้านะเขาทนไม่ไหวลุกขึ้นมาแล้วเดีเนี้ลุกมายังมันท่าท่างวงเงี้ยอีกยังไม่ยอมฟังอย่างไรไหม กไล่ข้อมูลอีกจากลุกอย่างงวงเยาอย่างเดียวก็ให้ข้อมูลไปเลยนะกเข้าก็เดินเี้ยทำไมเดินง่วงๆไม่เอาทำไมเดินอย่างเงี้ยเดินอย่างงี้คือเดินอย่างคนเมาไงยังไงนักไล่ลข้อมูลไปนักเข้านะกเข้าในส่วนจริงก็เริ่มคลายได้เหมือนนั่งฟังธรรมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไปฟังคราวนี้สงสัยไปหลับอีกแล้วใช่หไหมต้องสบประมาทเขาไว้เลยใช่ไหมเพราะหลับทุกที่อ่ะแล้วก็ให้ข้อมูลไปเรื่อยๆ พอทำท่าเพื่อนๆหน่อยนั่นมาแล้วเนี่ยมาแล้วมาแล้วเนี่ยเราไม่ค่อยเตือนเขาใช่ไหมถ้าเราเตือนเขาจริงๆเนี่ยน้าเข้านา้าเขาก็หายนี่เราไปตามใจเขามานานใช่ไหมเหมือนลูกเนี่ยแม่ขอเที่ยวหน่อยไม่ได้ลูกเราห้ามครั้งเดียวแม่ขอเที่ยวหน่อยอาะทาไมต้องไปด้วยล่ะนี่แปลเริ่มยอมแล้วนะเนี่ยใช่ไหมถ้าแบบนี้แปลว่าไปต่อรองเขาแล้วทําไมต้องไปโอ้โหเพื่อนนัดแม่ ใครนัดอีกนัดเลยเลยเป็นประจำแปลว่าต่อรองอะ่ะลูกเขาได้ใหญ่แล้วก็บอกได้แน่นอนแล้วแบบเขาก็ลุกใหญ่ปอบปอบบาปก็ลุกใหญ่ม้นี่เหมือนกันเราตามใจเข้ามาอย่างยาวนานแล้วเราไม่รู้ทันเขาอะสัมมาวยมามะไม่เดินใช่ไหมอนนันสัมมาวยมามะเนี่ยต้องรู้จักจะใช้ให้เกิดขึ้นจริงๆในการที่จะกระตุนต้นเตือนในการที่จะก้าวออกจากบาปเป็นอย่างหนึ่งนะบาปบางอย่างที่ไม่เคยไหลเข้าสู่กระแสจิตมีไหะ มีเราได้ยินข่าวนางสือพีมีเยอะไหมคนที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ทุบตีพ่อแม่มีไหมในคัมภีร์มีเยอะไหมโอ้โหไปทุปสร้ายพ่อแม่ทั้งหลายนะยังได้ฆ่าแม่ฆ่าพ่อฆ่าพระ อ, อรหันต์ทำร้ายพรุทธเจ้ายังพระโลหิตให้ห่อทําสงให้แตกอย่างกันนี่กรรมอย่างนี้เราบอกว่าจกไม่ให้จกไม่เข้าสู่ใจของเราพี่น้างานับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไม่ประมาทดีไหมนี่เรียกวป้องกัน แล้วทีนี้กุศลใดๆอ่ะเอวิสุทธิเจตีระวิสุทธิที่เคยเกิดในกระแสใจไหมเนี่ยอ้าวถ้าไม่เคยเกิดโอปะณีโกเข้ามาน้อมเข้ามาใช่ไหมอย่าไปน้อมกิเลสน้อมศิกขาสามน้อมสีระวิสุทธิจิตตะวิสุทธิ่กลางขาวิตตะนะวิสุทธิเป็นต้นเหล่านี้ยน้อมมาน้อมศีลสมาธิปัญญาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นในใจอย่างนี้เขาเรียกว่าเห็นไหมเขาเรียกเพียรเจริญกุศล ที่ยังไม่เคยได้เลยอ่ะยังไม่เคยเดินมัศสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะได้จริงเลยเนี่ยตรงนี้ไม่เคยเดินได้จริงเลยก็ก็เดินให้มันได้ในกรณีอย่างนี้ก็คือเป็นข้อมูลในการที่เราจะต้องใครควรในการที่จะทําให้เกิดขึ้นใช่ไหมสำคัญไหมสัมมาวายมะเนี่ยสาคัญมากมากเลยท่าไปใช่ไหมเป็นตัวประคับประคองไงก็ถึงบอกว่าให้สังเกตดูนะถ้าในมหาจตารีสก่าสูตร เป็นต้นที่เคยนํามากล่าวรู้จักสมัสมามาทิฏฐิว่าเป็นสัมมาทิฏฐิรู้จักมิจฉาทิฏฐิว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิความรู้นั้นเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยนี่ก็ต้องไข่ควรตัวสัมมาทิฏฐิที่บอกมาทั้งสัมมาทิฏฐิที่เป็นส่วนเบื้องต่ําที่เป็นกรรมสกตายานยังไงที่เข้าไปรู้จักบุญจากบาปเบื้องต้นยังไงเป็นต้นก็แยกบุญแยกบาปชาัดก็ทํากุศลให้เกิดขึ้นยังไงนะก็น้อมไปในทานศีลภาวนาก็ไล่ไปตามลําดับนี่นแล้วก็สัมมาวายมะต้องรู้อะไร ต้องเพียรละอะไรละมิจฉาทิฏฐิเข้าถึงสัมมาทิฏฐิความเพียรนี้จึงจะเรียกว่ความเพียรชอบถ้าไม่เพียรแบบนี้จะเพียรชอบยังไงใช่ไหมถ้าละถ้าละความเหจฉผิดไม่ได้จะไปเรียกว่าสัมมาวยามะด้วก็เรียกว่ามิจฉาวายามะเพียรในมิจฉาทิฏฐิเดินสัมมาวยามะเป็นชื่อของสัมมาประธานสี่ความเพียรเพื่อจะละเสียซึ่งอกุศลที่ตนเคยกระทา จัดเป็นสมัปประธานประการหนึ่งความเพียรเพิ่มจะไม่ให้อกุศลที่ไม่บังเกิดนั้นไม่ให้บังเกิดขึ้นนะหรือจัดเป็นสมัปประธานน่ความเพียรที่จะบำเพ็ญกุศลที่ยังไม่เคยบำเพ็ญนั้นน่จัดเป็นสมัปประธานประการหนึ่งเพียรในการที่จะบำเพ็ญกุศลนั้นในเพิ่มภูลพิญโยภาพเป็นสมัปประธานประการหนึ่งทั้งสี่ประการนี้ชื่อว่าสัมมาวายมะนีเดียก นี่โดยย่อนีนี่จัดโดยย่อไว้ก่อนสัมมาสตินั้นเป็นชื่อของสติปัฏฐาน4ี่ใช่ไหมที่กล่าวท่านวงเล็บเขาไว้เนี่ยเป็นชื่อของสัมมาสติปัฏฐานสถ้าสามัครสติปัฏฐาน4ี่ก็กายานุปัสนาสติปัฏฐานประการหนึ่งเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานประการหนึ่งจิตานุปัสนาสติปัฏฐานประการหนึ่งและธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานประการหนึ่งเจริญพระสติปัฏฐานเนี่ยนะผูก เบื้องต้นก็นยงไงกายานุปัสสนาอันนี้แปลว่าอะไรถ้าสติที่เป็นไปกับการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยเป็นสติในการที่แปลว่าต้องเข้าใจอย่างดีแล้วใช่แต่ถ้าไม่เข้าใจเลยบางคนนี่นะโอ้โหยังไม่ค่อยรู้ข้อมูลแต่อยากพ้นทุกข์อะเอาเป็นไปได้ไหมไม่รู้ข้อมูลเลยแต่อยากพ้นทุกข์ มีอัธยาศาัยอยากวนทุกแรงเหลือเกินลแล้วยิบเลยเชื่อไหมเดี๋ยวไ ป, ไปมาก็กลับมาที่เดิมไปไม่รอดไม่รอดสักลายลองทำถามดูเพราะรีบร้อนไปเดี๋ยวก็กลับที่เดิมเดี๋ยวก็กลับที่เดิมอยู่ีฉะนั้นเอาข้อมูลให้ดีให้เข้าใจแล้วเดินให้เป็นโดยเฉพาะว่าบางทีเนี่ยนะเดินสิเดินทาจาขานุสติยังไม่เป็นเลย ใช่ไหมเพราะจาการนุสติก็เป็นหนึ่งในสี่ประธานนะ <c oughs> ใช่ไห้ใช่อสีลานุสติก็เป็นหนึ่งในสี่ประธานเนี่ยก็ยังเดินไม่เป็นเลยอา <c oughs> จะเดินยังไงเอาศีลมาละลึกเนี่ยแค่เอาศีลมาระ ล, ลึกยังไม่เป็นแล้วจะระลึกได้ยังไง IAN? เพราะไม่เคยเดินศีลเป็นระบบเลยใช่ไหมไม่เคยทําให้ศีลเกิดขึ้นในกระแสใจได้แล้วจะตามละลึกจะเจริญศีลานุสตยงงิยังไงเนี่ยอจะเจริญยังไงดียกตัวอย่างศีลานุสติเนี่ยจะเจริญยังไงอ่ะ อุ้ยเราไปสมาทานศีลมาแล้วแค่นี้ดิมันไม่ใช่แล้วทางนั้นจะมะก็สมาทานกันแทบจะทุกวันเลยเอ่ะมายังบันเตวีสุงวิสุงลัคนาทายาติสระเนในสหปัญจศีลาในอยากจะอุ้ยบรรยาการัฐนาค่องเลยพระก็ให้ใหญ่รับศีลมาเสร็จแต่ก็นึกว่ามีศีลแล้วใช่ไหมเอามากันนึกงั้นแหละตอนเอามาไปบวชที่เอามาตั้งใจเต็มที่เลยนะ ตั้งใจโหเนี่ยที่พระท่านกำลังสวดสุนารุเมพันเตสังโฆเนี่ยนะแล้วก็เรียกไ อ, อ, อ, อ้ชื่อใช้ยาเพิทุอะไรเนี่ยอามานี่ก็โหเนี่ยแสดงว่าความเป็นพระนี่นะเลือแหล่งต่างมันวิ่งเข้าตัววาวปุ๊บปุ๊บปุ๊ บ, บ, บตลอดเวลามาเข้าใจงั้นจริงๆนึ่คิดดูอามายังบวชแบบโง่เลยอ่ะอามาไม่รู้เรื่อง <c oughs> ก็จะรู้ได้งไงใช่ไหมก็ตอนอามาบวชเนี่นะมาบวชเนีนสามเดือนนะ บทเน้นก่อนนะเขาให้ท่องอะไรก็นี่เอาหนังสือส่วนมวลเนี่ยมาท่องเอาให้ท่องเอามาก็ท่องท่องท่อ่อ่อเออหมดแล้วเนี่ยเอาเขาให้ท่องมีอะไรบ้างไงให้ท่องเอามาก็ท่องท่องหมดแล้วอาเขามีนวัตกวรมเก่าเรื่อนึงสมัยนั้นนะนะเอาให้ท่องเอามาก็ท่องท่องเป็จเสร็จแล้วไปบอกเออหมดแล้วไหนมีอะไรท่องอไหมเขาหมดแล้วจบแล้วเสร็จแล้วไม่มีอะไรแล้วมาอยังไงเนี่ยเขาบอกกันมีแค่นี้ยแล้วบวทได้เออท่องคำบทว่าท่องท่องท่อ มันก็ไม่รู้แล้วก็ไปนั่งบวชพระก็ล้อมเต็มพระก็ไม่บอกแล้วก็มามาไปตั้งใจใหญ่เข้าไปโอ้โหวันนี้เราจะเป็นพระดีใจสุดชีวิตอะพอบวชเบเสร็จตอนนี้โอ้โหเดินผิดคนมาเล ย, ดยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่คนเดิมแล้วเดินออกจากบวชนี้เคร่งทําท่ามองต่ําเล่นดีเนอะเอ า, าอะไรแเงี้ยนึกว่าโห้ยยิ่เป็นพระแล้วสบายแล้ว นี่ไงโอ้โหมันเนี่ยข้อปฏิบัติเป็นอย่างเงี้ยมันก็สําคัญผิดอย่างเงี้ยนะไม่ไม่รู้อามาไม่ผมโยมก็คงไม่ต่างเ่ยอามาเวลารับศีเรษณ์นี่ไปต่างอะไรกันใช่ไหมเมียมาจะไม่มีข้อมูลเหมือนกันเอาสิการรับศีรเหมือนกันก็สําคัญมันมีเหมือนกันเอาสิแล้วจะมียังไงเด็กเนี่ยมันจะเกิดยังไงศีรษณมันจะเดินยังไงมันวิ่งเข้าจริงหรือเปล่าบอกก็ ศีลศีศีลมันจะวิ่งเข้าทางไหนศีลวิ่งเข้าทางไหนอะยุ่งเลยเนี่ยเด็กมันถามตอบไม่ได้ยุง่งเห็นไหมเนยกรณีอย่างเงี้ยเพราะความเข้าใจไม่ถูกเพราะจริงๆศีลเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่เข้าใจและสามารถเอามาเกิดได้จริงๆใช่ไหมเจตนาศีลเป็นยังไงเจตสิกศีลสังวรอวิติกมาต้องเอาไป ให้ครวรไปฟังให้เข้าใจแล้วเดินได้ในในใจจริงๆแล้วสามารถทํากายสุจริตวาจาสุจริตแล้วก็ใจสุจริตกายวาจาใจสะอาดให้เกิดขึ้นเป็นผลของศีลจริงๆตรงนี้ต่างหากที่จะระลึกได้ตาม ล, ลึกได้ถึงศีลของตนเองใช่ไหมสามารถที่จะลึกโดยบุคคลผู้รักษาศีลก็ได้สูงสุดเนี่ยสามารถระลึกเป็นสภาวธรรมคือเจตนาเป็นต้นก็ได้เนี่ยโอ้โหอย่างนี้ไม่ธรรมาดานะครับ นิรันศีลานุสติเดินนะเดินได้จริงๆแล้วลองคิดดูนะถามบอกว่าพระบรมศาสดาประธานสัมมาวาจาสัมมากมตาส ม, มาชีวะในชั้นของโลกียะเนี่ยเพื่ออะไรพระองค์มีพระมาหากรุณาธิคุณนะใช่ไหมที่ประทานศีลนะเนี่ยเพราะพระองค์เนี่ยมีตาคือปัญญายา น, นันหมดจดจากราคะโทสะเพราะหงค์เพระองค์เห็นอบอภัยที่เป็นไปในเบื้องหน้า เราเนี่ยถ้าไม่มีตัวกุศลศีลรักษาเนี่ยเราจะรักษาสถานะความเป็นมนุษย์ไม่ได้เราก็จะต้องไปเกลื่อนกลลแอบอัดยัดเยียดในใบยภูมิเราจะไปเจ็บปวดและในส่วนจริงเราจะออกจากวัาแตทุกไม่ได้พระองค์ก็ประทานกุศลศีลให้อย่ังนี่คือพระมหากรุณาที่คุณที่ยิ่งใหญ่ของพระบรมศาสดาที่พระองค์ทรงมองเห็นอดีตอนาคตและปัจจุบันอย่างชัดเจน พรองค์ก็ครุณาเราท่านทั้งหลายก็ประทานกุศลศีลแต่เราไม่รู้รายละเอียดไงใช่ไหมว่านี่เป็นเป็นอริยทรัพย์อันประเสริฐเมื่อไม่รู้ว่าเป็นอริยทรัพย์อันประเสริฐเนี่ยมันเหมือนว่าเป็นของมีค่าเรากลายเป็นคนต่ำต้อยอ่ะคนต่ําต้อยเราใช้ของมีค่าไม่เป็นเอาอาดามาเนี่ยนะอามาไม่เคยเข้าโรงแรมใช่ไหม ก็ไปต่างประเทศเนี่ยก็ไปเข้าโรงแรมเอามาเอ๊มันเปิดยังไงนี <laughs> ่ไม่รู้ว่าเอ๊เขาเปิดยังไงไฟอ่ะแทนระบบสัมผัสเนี่ยมามาเอ๊มันยังไงแล้วบ้านเรามันจะต้องเปิดสวิทช์ปิดเปิดปิดเปิ ด, ปดแล้วมันอยู่ยังไงเนี <laughs> ่ยอย่างเงี้ยนะแค่เนี้ยแล้วก็มองลำบากแล้วเพราะไม่มีข้อมูลอะไรใช่ไหมมันต้องมีข้อมูลอย่างเงี้ยถ้าไม่มีข้อมูลก็เรียบร้อยก็มันก็มันก็นั่นไม่เป็น เนี่ยในลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าฉะนั้นกรณีที่ตัวสัมมาสติเนี่ยต้องระลึกตัวสิกขาสามระลึกกุศลศีลเป็นเบื้องต้นนั้นอย่างนี้ได้นะแล้วในสิ่จริงๆก็คือระลึกถ้าเราบอกว่าชัดที่สุดคืออะไรรู้ไหมสัมมาสติเนี่ยเบื้องต้นจริงๆต้องระลึกพุทธานุสติเดี๋โอ้โหถ้าคนจเจริญพุทธานุสติไม่ได้เนี่ยคุณธรรม อ, อื่นๆเนี่ยจะเฉาไปหมดเลยเนาะอ๋อถ้าจเจริญพุทธานุสติอ๋ อ, อนี่นะ พูดถึงพุทธคุณนที่จะเป็นเจริญจเจริญพุทธสัมมาสติที่จะเจริญพุทธานุสตินี่นีการระลึกถึงคุณของพระบรมศาสดาจะลึกยังไงใช่ไหมอะไรคือคุณของพระบรมศาสดาเรือเราจะนึกยังไงเนี่ยนึกถึงฐา น, นบารมีเห็นคุณพระเจ้าไหมนึกศีลศีลแล้บารมีเนคขมาปัญญาวิรยิยะขันติสัจจะทิฏฐานะเมตตาแล้วเบข า, าเนี่ยเราเห็นคุณรหรือไม่ยัง ในขณะที่เราเจริญกุศลธรรมแล้วเราพ้นจากบาปอากุศลได้เป็นช่วงๆเนี่ยเราเห็นพระมหากราุณาธิคุณของพระพุทธมิลภาคถ้าเห็นเป็นระยะระยะจริงๆอันนี้เขาเรียกว่าสัมมาสติที่ตามลึกถึงคุณได้มันเหมือนว่าเราเนี่ยพ่อแม่ให้ทรัพย์สมบัติไว้ปู่ตายา ย, ายายให้ทรัพย์สมบัติไว้แล้วเวลาเรามีชีวิตอยู่ เราก็สามารถใช้ทรัพย์สมบัติได้เป็นระยะระยะเราชื่นใจไหมก็ชื่นใจหรือครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยบอกข้อมูลต่างๆแล้วก็ไว้ให้วิชาความรู้เราก็ไปใช้วิชาความรู้นั้นแล้วก็ประกอบอาชีพแก้ไขปัญหาได้แล้วก็นึกถึงครูบาอาจารย์ใช่ไหมอันนี้เราเราออกจากบาปได้เป็นช่วงๆเป็นระยะระยะได้แล้วออกจากโทษภัยได้เนีย่ย เราสามารถพ้นจากทุกข์ทั้งหลายเนี่ยนะคือทุกจากกิเลสคือความรุ่มร้อนทางใจเป็นต้นได้แล้วเราเห็นแนวทางอย่างถูกต้องในการที่จะเป็นปฏิปทาให้เข้าถึงความพ้นทุกข์เนี่ยเราเห็นคุณท่านไหมถ้าเห็นคุณเนะ่ตอนนั้นนะพุทธคุณเกิดนี่เราไม่ค่อยตามมัลึกยังไหมถ้าตามมัลึกเป็นระยะระยะที่บางคนเนี่ยเนยเอางี่นะบางคนเนี่ยเขา เขาไม่เห็นคุณอย่างอื่นเนี่ยเขาบอกว่ามีเด็กวัดคนเขาอยู่วัดแล้วต่อม า, าก็ก็สายเรียนหนังสือเรียนไปเรียนมาเขาได้เป็นเป็นใหญ่เขาบอกว่าเขาเนี่ยโตมาพรวัดวัดมีเพราะมีพระ พ, พุทธเจ้าพระมีพ่อมีพระพุทธเจ้า ฉะนั้นเขาเห็นคุณของพระพุทธเจ้าเขาว่าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะศึกษาว่าศึกษาแล้วก็มีอาชีพการงานอยู่ทุกวันนี่เด็กวัดเขายังเห็นคุณของพระบระมศาษษษษษสดาได้ใช่ไหมเขาไม่ได้เรียนอะไรเลยอะอาศัยวัดเนี่ยไปเรียนทั้งโลกอาศัยวัดไปเรียนทั้งโลกมันให้คิดได้เราเนี่ยเรียนพระธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยฟังพระธรรมด้วยแล้วเอาพระธรรมให้เกิดในใจไม่ได้เนี่ยนะ คิดคุณของพระเจ้าไม่ได้มีสัมมาสติในพุทธานุสติไม่ได้น่าน่าอายไหมก่อนน่าอายอันนี้ก็ต้องตามระลึกให้เป็นใช่ไหมจะได้เห็นคุณของพระบรมศาสด า, าได้ชัดขึ้นอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสติปัฏฐานเอาเป็นหนึ่งในสติปัฏฐานยังไงเพราะว่าพระเจ้าตรัสไว้ในเอกนิบาตบอกทำอย่างหนึ่งที่บุคคลจเจริญแล้ว หรือว่ากระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งย่อมเป็นไปเพื่อตัสรุ้ย่อมเป็นไปเพื่อปณิพานทำอย่างหนึ่งคืออะไรทำอย่างหนึ่งคือพุทธานุสติเอาเลยสินั้นจเจริญพุทธคุณเนี่ยพ้นทุกได้นั้นคนที่จะเจริญพุทธคุณแปลว่าท่านปนั้นศีลต้องดีต้องเห็นคุณของศีลแล้วต้องเห็นคุณของสุดจริตแล้วต้องเห็นคุณของพระธรรมคุณของพระญาสง์เป็นต้นอย่างดีแล้วตามเลื่อนถึงคุณของพระญาณ อย่างนี้นะเขาสามารถที่จะเป็นไปเพื่อปลาโมดปีติปสัสสติความสุขและสมาธิเกิดแล้วเขาสามารถจะพอกพูนสิกขาสามเพื่อจะออกจากกาเมชันท่พยาบาทีนมิท่าอุทธาจารกุจฉาวิจกิจฉาในที่สุดจริงๆต่อมาเขาสามารถจเจริญวิปัสสนากรรมฐานทั้งปัจจัลักษณะและสามัญลักษณะอย่างลงส่วนเริยสัตว์และพ้นทุกได้โดยสายพุท ธ, ธานุสติก็คือหนึ่งในสตรีประฐาน สืบฐานถ้าสรุปลงแล้วเนี่ยจะสรุปลงสองส่วนส่วนที่เป็นรูปกรรมฐานกับอารูปกรรมฐานพุทธานุสติจริงๆเนี่ยเป็นปรมัทิตยโดยสภาวะใช่ไหมฮะตัวสภาวะจริงๆคือปรมาทิตยนี่แล้วก็โอ้คุณของพระเจ้าคืออะไรนะสัพพัญญุตยานตัวสัพพัญญุตยานนะที่กล่าวพระธรรมเนี่ยที่แทงตลอดอริยสัจธรรมเนี่ยนะใช่ไหม สัพพุยตยานคือมหากริยาญาณนสัมบยอดที่เป็นปัญญาญาณของพระบรมศาสดาทั้งหลายเอาคือสภาวธรรมนี่ถ้าตัวสัพพยตยานที่เป็นญาณสัมบยอดจริงๆประกอบด้วยปัญญาอา้าวอยู่ในไหนเนี่ยอยู่ในตัวโพชงก็ได้ใช่ไหมเป็นองค์แห่งการตัดสินรู้อ๋นี่เป็นอะไรเป็นนามกรรมาฐานนี่เอาเป็นนามกรรมฐานเอาเป็นสติปัฏฐานนี่โอ้ยเนี่ยเราจเจริญสติปัฏฐานก็คือจเจริญโพธานุสตินี่แหละคนก็ไม่เข้าใจเข้าใจะยัง ว่าแท้จริงเจริญพุท ธ, ธานุสติคือการเป็นหนึ่งในการเจริญสติปัฏฐานอยู่ในหมวดธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นต้นนะเอาเจริญในส่วนของรู ป, ปรกายได้ไหมอาจได้ในส่วนของรู ป, ปรกายของพระเจ้าที่ประดับไปด้วยมหาปุริษระขนาดสาองประการและนุพยัญชนะ80ดรู้จริงนะถ้ารู้จริงแล้วตรวจสอบในรักษาสูตรในทีคันกายดีหรือเปล่าถ้าตรวจสอบมาดีเราจะเห็นคุณเห็นรู ป, ปรกายของพระเจ้าน้อมถึงคุณด้วย ขนาดได้เห็นรู ป, ปกายพิจารณารู ป, ปกายพระเจ้าเป็นรูปกรรมฐานน้อมถึงคุณเป็นนามกรรมฐานเลยนี่ก็เป็นสองส่วนเนี่ยก็แยกกันไปนี่ก็ต้องแยกเป็นใช่ไหมคนเข้าใจต้องแยกเป็นฉะนั้นกรรมฐานทั้งหมดที่จะไม่เป็นสติปัฏฐานไม่มีแต่ต้องเป็นของพระเจ้าเนี่ยถ้าไม่ใช่พระเจ้าบอกคำว่าทั้งหมดเนี่ยต้องเว้นที่ม า, มาเกิดใหม่เนียต้องเป็นกรรมฐานที่อยู่ในสามสิบแปด เว้นอากาศกถินอโลกะออกไปในส่วนที่จะมาเจริญนะในส่วนของอนุสติทั้งหลายเนี่ยนะเป็นนั้นที่จะไม่เป็นสติปัฏฐานไม่มีแต่ไม่ใช่เอามังงอกกันใหม่นะอันนั้นไม่เอานะเอาที่มันเป็นในคําสอนของพุทธเจ้าจริงๆถ้าอย่างเงี้ยก็ไปแยกไปพิจารณาไปไข่ควรวนนะสมาสมาธิการเจริญ อุปสมานอุปจารสมาธิและอัปนาสมาธิเนี่ยมาเก่าย่อๆก่อนเนาะก็คือตั้งจิตมั่นในที่ใกล้จะให้สำเร็จฌานแล้วก็อัปนาสมาธิก็เป็นอง์ฌานมีปฐมฌานเป็นอาทิเป็นต้นเลยสรุปตรงนี้ก็คือว่าตัวสมาธิมีสองส่วนในส่วนของอุปจาระกับส่วนของอัปนาถามว่าที่เรานั่งๆกันอยู่เนี่ยใครได้เคยเชยชมอุปจาระในใจบ้าง เคยทําให้เกิดในใจสักครั้งไม่ในชีวิตนะ่ะไม่เคยคิดบ้างหรืออุตส่าห์เข้ามาเวทโบว์วแวดวงอยู่ในแวงล้อมของภาษศาสนาของพระพุทธเจ้าเลยนะได้สัมผัสอุปจาระสมาธิสักครั้งน่าจะดีเหมือนกันนะดีไหมน่าจะกระตุ้นบ้างอย่างอื่นยังกระตุ้นได้แต่ก่อนปรารถนาเลี้ยงจบแล้วก็ปรารถนามาแล้วใช่ไหมปรารถนาให้ประกอบอาชีพการงานประสบความสําเร็จปรารถนามีลูกสําเร็จแล้ว ปาถนาทางกลามนี่เมสสําเร็จหลายอย่างเนะ่ยองปราถนาแค่อุปจาระเล็กๆเ <c oughs> แค่ออกจากกลามคุณหน้าออกจากกลามฉันทะพยาบาทีนมิท่าอุทะจักกุปุจจะวิกจิกิฉากลามาคุณเนี่ยเหมือนการเป็นหนี้ไหมเป็นเราเป็นหนี้มานานไหมเนี่ยตอนนี้ใช้หนี้หมดหรือยังอย่างนะถามใช้หนี้ไปเนี่ยคนเป็นหนี้เขาหน้ากรุณาไหมหน้ากรุณาเนี่ยลองถ้าเขามาท้วงมาอะไรไปทันทีนั่นนี่ย นี่นางฟังธรรมเนี่ยพุทธเจ้าห้ามไงไม่อยู่อไปเลยเพราะคนเป็นหนี้ฟังธรรมได้ไม่นานหรอกดูโทรศัพท์เลยดูโทรศัพท์เลยมีใครโถเข้ามาสนี่คนเป็นหนี้นะกลัวเจ้าหนี้เขาจะโกรธใช่ไหมต้องไปใช้หนี้ก็บางคนบอกตรงๆนะยมยังมีหนี้เดี๋ยวไปขอดูแลลูกก่อนขอไปดูแลสามีก่อนขอไปดูบางคนหมดหนี้แล้วเสียใจอะ่ะ อยากจะหาหนี่ใหม่แปลกจริงหมดหนี้แล้วอยากจะเพิ่มหนี้ระบบที่ถูกสอนกันให้เพิ่มทุนเนี่ยนะไม่ไม่ดีเลยเพิ่มทุนกันอยู่เรื่อ ย, ลยแล้วก็คือต้องการอยากจะมีหนี้เยอะๆเขาบอกถ้ามีหนี้จะได้ขยันก็มั่งถามว่าแปลกชอบให้คนทวงหนี้ทุกเช้าครับ แตกไหมก็ต่อไปเลิกได้แล้วเป็นนี่นะพยาบาทเหมือนโรคร้ายนะคนมีโรคเรายังมีโรคอยู่ไหมราคาโทระมาเวียนเกิดตลอดเวลาไหมนี่คือโรคเกิดตลอดเนี่ยทีน้ามิท่าเหมือนติดคุกไหมเหมือนติดคุกนะออกไปไหนก็ไม่ได้ถูกจองเราเนี่ยจะจะฟังว่าทำก็ไม่ได้ฟังดีกัเขาเรอกทีน้ามิท่ามากดปุ๊บอย่างเงี้ยเย่ะไหมแล้วก็ อ้ถ้าจากุกุจ่เหมือนอะไรเหมือนเป็นทาตเหมือนเป็นทาตุโอยคนเป็นทาตุเขายอมเขาหมดเลยเนี่ยส่วนวิจิกิจชาก็เดินทางกันดานไปจิตเนี้ยอุปจารสมาธิเป็นตัวอะไรเนี้ยออกจากความเป็นหนี้ได้อปนาสมาธิก็ออกมั่นคงเลยจิตที่แน่ลงในขณะที่บำเพ็ญทานหรือจเจริญฟังธรรมเป็นตัวอะไรเนี้ยแต่ละขณะเนี่ย เป็นคณิกะสมาธินะนี่เป็นคณิกาสมาธิได้ในชั้นของสารถธาธิปณีในในสารถาสมุจิยสังหาหรือในชั้นของดีกาหลังๆเนี่ยท่านให้เลยนี่แหละเป็นสมาสมาธิแต่มีข้อแม้ว่าต้องเป็นคณิกาสมาธิที่เป็นไปกับการบาเพ็ญทานรักษาศีลและต่อเนื่องนะต่อเนื่องเนละสมาธิที่เป็นไปเป็นช่วงเนี่เนะท่านให้เลยนี่แหละสมาสมาธิ แต่ต้องเป็นไปกับทานศีลภาวนาแล้วต้องเข้าใจทานศีลภาวนาด้วยนะเพราะขั้นขับเน้นตัวตัวสัมมาสมาธิต้องมีพระปัญญาที่เป็นวิปัสสนาในตัวฌานนะสมาธิฏิตัวสมาธิที่มีสัมมาทิฏฐิคอยเกื้อหนุนอยู่ใช่ไหมตัวสัมมาทิฏฐิจะต้องมาเกื้อหนุนให้สังเกต ด, ดูนะว่าตัวสัมมาทิฏฐิตัวสัมมาวมามะตัวสัมมาสติสามองค์เนี่ยนะ จะเป็นองค์คอยจัดการจัดแจงในการที่จะละมิจฉาทิฏฐิ qui, ในการที่จะเข้าถึงสัมมาทิฐิแล้วต่อมาก็มาไข่ควรตัวมิจฉาสังฆปะกับสัมมาสังฆปะก็จะทําสัมมาสังฆปะนั้นให้เจริญไพบูญยิ่งๆแล้วก็จะละมิจฉาสังฆปะใช่ไหมความเพียรสัมมาทิฐิก็จะเพียรพยายามในการที่จะเออสัมมาทิฏฐิก็จะเข้าไปจัดแจงในการที่จะเข้าถึง ส, ม ส, มสงะะะัมมาสัมมาสังฆปะเพื่อจะละมิจฉาสังฆปะ ตัวสัมมาวายมะก็เพียรทิจละมิจฉาสังกปะเพื่อเข้าถึงสัมมาสังกปะเพียรอย่างนี้เรียกวเพียรชอบสติก็คือเพียรทิจละมิจฉาสังกปะเพื่อจะเข้าถึงสัมมาสังกปะอย่างนี้เขเรยกเรืลึกชอบสัมมาทิฏฐิสัมมาวายมะสัมมาสติก็แวดล้อมตัวสัมมาสังกปะแล้วก็ขยายสัมมาสังกปะเนี้ยให้กว้างขวางยิ่งขึ้นมีเป็นไปในลักษณะอย่างนี้นี่เป็นไปอย่างนี้นะ นัตัวสมาธิฏิสัมมาวยามะสมาสติทั้งสมองค์เนี่ยนะทั้งสมองค์เนี่ยก็จะมาหมุนใช่ไหมมาแวดล้อมสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาขยายในให้กว้างขึ้นสัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวยามะสมาสติไรไปเลยเนี่ยแม้สัมมาสมาธิก็จะมาจัดแจงดูเลยในเบื้องต้นอยู่เป็นอย่างนี้ จะไม่ให้มิจฉาสมาธิเข้ามาเกิดครั่วเลยเห็นไหมวิธีเจริญก็เจริญลักษณะรักษาศีลเจริญภาวนาฟังพระสัทธรรมแต่ละขณะเป็นขั้นิการสมาธิจัดเป็นสัมมาสมาธิก็เข้ากันก็เป็นอริยมรรคมีองแปดในเบื้องต้นในมรรคทั้ง8ประการนี้ประชุมกันนะเป็นที่ประชุมของโพธิปักจัยธรรมนู่นในโล ก, กุตละสติปัฏฐานสมมาปทานอิทิบาทอินทรีย์พระโพชฌง มักนี่นะตัวมักนั้นเป็นที่ประชุมเหมือนทะเลดังกล่าวเหมือนมหาสมุทรพระธรรมจักรเทศนานี่นะพระบรมพระโพธิปักิยธรรมเนะี่ยท่านที่อุปมาเลยตรงนี้เดี๋ยวสรุปตรงนี้ก่อนโพธิปักิยธรรมสาสิบเจ็ดก็มีสติปทานสี่สมะปทานสี่อิทธิบาทสี่อินทรีห้าพระห้าโพชงเจ็ดแล้วก็มักแปดสามสิบเจ็ดไหมเหมือนดุมของรถนี่นะมันดุมรถดุมล้อปฏิจจสมบาท มีสิบสองไหมเหมือนซี่ก ร, รมเนี่ยยมอยู่กรุงเทพไม่เคยรู้เคยเห็นเกวียนไหมเคยเห็นดุมเกวียนไหมเคยเห็นซี่ของเกวียนไหมซี่กรรมไหมซี่กรรมมันจะมีแปดบ้างสิบบ้างสิบสองแล้วแต่ใช่ไหมคนจะทำกันแต่ของเก่าจริงเขาทำสิบสองซี่สิบสองซี่คือปฏติ จ, จากสุโุบาทสิบสอง นะวิชาหนึ่งซี่สังขารวิญญาณนามรูปสรายาตนาภาษะเวทนาตันหาอุปาทานภาวะชาติแล้วก็ชร า, ามรณระสิบสองก็ดีเลยวงนี่น ะ, ะกงรู้จักกงไหมกงรอบนอกรอบนอกนั้นมันจะมีเขาเรียกเป็นฝักเขาเรียกฝักมะขามมันมีอยู่สี่ฝักเพราะว่ามันใหญ่ไงเขาจะต้องมาเชื่อมต่อกันให้เป็นให้เป็นล้อเขาเรียกกง ฝักที่หนึ่งคือทุกฝักที่สองคือสมู ท, ทยัยฝักที่สามคือนิโรธฝักที่สคือมรคโยวาคำนั้นเนี่ยธรรมจักรกับประวัตนาสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยจัดเอาอริยสัจสีเป็นกงอารานังปัจจิยานังปัจจัยคือปฏิเจริญบาตรเนี่ยเป็นสี่ก ร, รมนาพิเจวะสัทธมังก็จัดเอาโพธิปักขิยาสามทำสามเจประการเป็นดุม อัญยะมันยังประวัติเตนโตบอกว่าสมเด็จพระพุทธองค์เนี่ยตรัสเทศนาทั้งปวงนี้ให้มีในกระทบแล้วก็ให้ไหวตลอดถึงกันและกันคือพระองค์ตรัสเทศนาอริยสัจสีนั้นมีในตลอดถึงปฏิจจุบาทแล้วก็กระทบถึงโพธิปักขยธรรม37ตรัสโพธิปักขยธรรม37เทศนาก็แทงตลอดถึงปฏิจจสิบส แล้วก็ทบถึงอริยสัจสถึงที่ตรัสเทศนาปฏิสุบบาทนะก็เทศนามีไนตลอดถึงอริยสัจสี่ตลอดถึงโพธิปัจเจ้ธรรมสามสิบเจ็ดอาศัยเหตุที่พุทองค์ตรัสเทศนามีไนอันกระทบถึงกันและกันอย่างเนี้ยจึงได้นามบัญญัติว่าพระธรรมจักเขออ้าใจยังจริงต้องเขียนให้ดู เ, ออเขียนในใจเนี่ยมาเขียนใน ใ, นใจแล้วก็นึกถึง ภาพวงเวียนนี่ใช่ไหมวงล้อของเกวียนเนี่ยใช่ไหมรอบนอกก็เป็นโกงไปสี่สิบสองก็เป็นกรรมไปสี่กรรมไปตรงกลางก็เป็นดุมไปแค่นี้เองดุมสี่กรรมกงกงสี่กรรมดุมแค่นี้ไมมีอะไรหรอกแล้วแต่พระเจ้าจะแสดงอะไรก่อนแสดงอริยสัจกระทบปฏิจจะประชุมลงในพอที่ปักไหมหรือแสดง ปฏิจสมบตัติยังให้ลงอริยศัสตร์แล้วประชุมลงโพธิปักประชุมในอริยศัสตร์เป็นต้นไหมหรือจะแสดงโพธิปกักกิยธรรมไหมมาทะลุทะลวงมาแทงตลอดโพธิปักษ์เโพเอปฏิจสมบตัตประชุมลงในอริยสัตร์ไหมลักษณะนี้จึงเรียกว่าพระธรรมจักรท่านอุปมานี้ฉันใดสักตาจักกระราถาจักกังยีวะ มีครัวนาดดดังเกวียนและจักรของรถธรรมดาเนี่ย네จักรและเกวียนและจักรของรถนะั่นะนะนะเมื่อมีแต่ดุมเนี่ยก็หรือถ้ามีแต่ดุมนะไม่มีกรรมและกองเนี่ยหรือมีแต่กรรมกองไม่มีหรือมีแต่ดุมไม่มีกำอย่างนี้ไปต้นเนี่ยก็ยังไม่ชื่อว่าเกวียนไม่ชื่อว่าจักรใช่ไหมาถ้ามีอย่างเดียวเรียกว่าเกวียนเรียกว่าจักรได้อย่าง ก็ไม่เรียกมันต้องครบทั้งสามส่วนต้องครบทั้งดุมทั้งซี่กรรมทั้งกงมันก็เรียกว่าดุมเรียกยูมันเรียกเกวียนเรียกว่าจักนี่เหมือนกันก็เรียกเป็นแผนกแผนกนะแต่ถ้ายังไม่ได้คุมส่วนรวมกันก็นไว้ก็ยังไม่เรียกนะเนี่ยสรยถาอันนี้มีอุปมาชั้นใดอริยสัจสี่ประการเนะี่ือบทุกสมุทรไทยนี่รอมรรคนั้นอนะ่ะเมื่อพออระองค์ตรัสเทศนา ตรงไปตามเรื่องอริยสัจสีอย่างเดียวนะเนื้อความอยู่แต่อริยสัจก็มีความปรากฏว่าเป็นอริยสัจเทศนาเท่านั้นยังไม่เรียกว่าธรรมจักรเข้าใจยังจะได้มีน้ำปรากฏว่าพระธรรมจักรไม่ใช่แต่ถ้าหากว่าเวลาแสดงโพธิปักเคียธรรมอย่างเดียวนะไม่ให้กระเทือนถึงปฏิจจาหรือลงอริยสัจนะ อันนั้นก็เรียกว่าโพธิปักเทศนาอย่างเดียวหรือจ ะ, จะแสดงเกี่ยวในเรื่องของเกี่ยวในเรื่องของปฏิจจสมบาทอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้กระทบถึงอริยาศาสตร์หรือว่าโพธิปักก็ไม่เรียกว่าธรรมจักอันนี้ก็เหมือนกันนะถ้าตรงนี้ก็คือว่าดังที่ได้กล่าวบอกว่ากงของเกวียนของรถนั้นย่อมทําให้ฝักมะขาไม่ครบทั้งสี่ทุ ก, กงนะ ทำให้ฝากมะขาไม่ครบสอันก็กระทำแต่อันหนึ่งอันหรือสอันเป็นต้นนี้ลักษณะอย่างนี้ท่านต้งบอกว่าพอที่ปักทิสธรรมก็ดีปฏิเสธบาาเป็นต้นเหล่านี้ก็ไล่ถูกบอกว่าทุกสมุทไทยนี้รสมากนั้นเป็นโกงชาติชารามรณะอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปทรายยศนภาภาษาเวทนาตันหาประธานบอกว่าชาติฉลามรณะก็เป็นซี่กรรมแบก แล้วก็ ส, 4, สติปทานสี่สัมมาปทานสอิทธิบาทสอินสี่ห้า 5, พระรหโพธชงเจ็ดอริยมรรคมีองแปดก็เป็นดุมไปเนี่ยนะกรณีอย่างนี้วิธีเจริญมันกระทบกันยังไงพระโยขาวจรจเจริญ ส, สติปทานจเจริญสัมมาปทานเจริญอิทธิบาทจเจริญอินทรีย์จเจริญโพธชงเจริญอริยมรรคจะได้ปราด ถ, ถึงการพิจารณาสังขารวิญญาณหรือพิจารณานามรูปพิจารณาสลาญาตนาภาษะเวทนาตันหาปาทาน ไม่ได้เลยเอาเราไปพิจารณาสติปทานไปพิจารณาอะไรเออไปละไปพิจารณาอะไรใช่ไหมไปพิจารณาปฏิจจะปฏิจจะใช่น้ารูปไหมใช่ไม่ใช่ใช่ขันห้าไหมไม่ไม่พ้นจากขันห้าเลยใช่ไหมนั้นสติจเจริญสติปทานเป็นต้นเหล่านี้ไปพิจารณาทีพิจารณาอาวิชากับกลุ่มนิวรธรรมไงสังขารใช่ไหม สังขารกลุ่มสังขารคือเจตนาอยู่ในส่วนไหนอยู่ในส่วนของเขาอยู่ในส่วนของกายานุปัสนาเวทนาจิตตาหรือธรรมาเขาอยู่ในส่วนของธรรมานุปัสนาไปอย่างนี้เป็นตัวนะั้นนะอยู่หนึ่งในขันห้าไหมเอาขันห้าก็เองวิญญาณเอาพวกวิญญาณทั้งหมดวิญญาณนะขันห้ก็เป็นจิตตานุปัสนาไงนามรูปโอ้โหขันห้าครบเลยทีเนี้ย น, นะสราญตรนะนักกับขันห้าผัสสะเห็นไหมเอาผัสสะก็ผัสสะ ภาษาก็เป็นกลุ่มของเวทนากระด็เออเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มของภาษาภาษานุปัสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานวินใช่หไหมจิตตานุนัสนาสติปัฏฐานก็มีใช่ไหมใช่ที่ท่นานแยกไว้ในเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานเนี่ยจะไปดูก็จะเห็นโอ้พระธรรมของพระเจ้าเนี่ยแท้จริงก็คือตัวปฏิจจสมุปบาทก็เป็นอารมณ์ของการเจริญสติปัฏฐานนั่นเองเข้าใจอย่างฉะนั้นการเจริญสติปัฏฐานเจริญสติปัฏฐานสี สมรรทานสีอิทิบาทสอินสีห้าพละห้าก็อไปพิจารณาอะไรพิจารณาปฏิจจานั่นเลงพิจารณาปฏิจจะเอายกตัวอย่างสักหนึ่งตัวอย่างดีไหมถ้างั้นเดี๋ยวไม่เห็นใช่ไหม ย, ยกตัวอย่างก็คือว่าถ้าพิจารณาเกี่ยวกับในเรื่องของกลุ่มของของเวทนาในปฏิจจะใช่ไหมเวทนาเนี่ย เวทนาสุขเวทนามีไหมสติที่ตามระลึกถึงสุขเวทนาตามระลึกถึงทุกขเวทนาตามเลิกถึงอทุกขมสุขเวทนาใช่ไหมพระพุทธเจ้าบอกว่าให้เห็นสุขเวทนาโดยความเป็นทุกข์ให้เห็นทุกเวทนาโดยความเป็นลูกศรเนยให้เห็นอสุขอทุกขมาสุขเวทนาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเมื่อเห็นสุขเวทนาโดยความเป็นทุกข์จะละราคานุตสัยได้ถ้าเห็นทุกเวทนาโดยความเป็นลูกศรจะละ ปฏิคานุสัยได้ถ้าเห็นทุกขก็มาสุขเวทนาเจรักขะเอาวิชานุสัยเป็นต้นได้ไหมเขาบอกว่าไอตัวสุขเวทนาเนี่ยเป็นวิปริณามสุขเออวิปริณามทุกข์มันเปลี่ยนอท่านทั้งหลายพิจารณาดูดิเราทั้งหลายได้สุขทางตาหูจมูกเล่นกายใจแล้วมันหายไปที่หมดเปลี่ยนหมดแล้วเปลี่ยนทุกขนานไหมทุกขนาจิตเลยเปลี่ยนตลอดละเนี่ยสุขเนี่ยมัน แ ป, บป๊บเดียวแป๊บเดียวกันนั้นแต่เราพยายามจะรักษาไว้รักษาไว้พยายามหาอุบายวิธีสารพัดเลยที่จะทําให้สุขมันได้อารมณ์ในการที่จะเดินอย่างต่อนนี้ใช่ไหมเสียงไหนที่จะให้ความเพลิดเพลินโอ้โหเอาอย่างเสียงนี้ดับไปดูเสียงใหม่เสียงนี้ดับไปคิดถึงเสียงใหม่เนี่ยนะพยายามจะหล่อเลี้ยงสุขแต่เอาอยู่ไหมสุขเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์เนีมันทุกข์เพราะการเปลี่ยนเขาเรียกวิปริณามะทุกข์ ฉะนั้นการปรารถนาการหวังกระสุขเวทนาเนี่ยเราวิ่งจับเงาดีๆเนี่ยทุกขเวทนาก็เหมือนลูกศรเนี่ยปักเข้าไปก็เป็นทุกข์ตั้งอยู่ก็เป็นทุกข์ถอดออกก็เป็นทุกข์นะทรมานมากเราเนี่ยพอถูกทุกข์ย่างลงเราทุกข์สองดอกนะกายเป็นทุกข์ใจทุกข์ด้วยไหมโอ้ยใจเป็นทุกข์คนอื่นด่าเราทุกข์ใช่ไหมคนอื่นด่าน่าจะคนอื่นเป็นทุกข์ใช่ไหม แต่เราทุกข์ลุงอ่าทำไมทุกข์พอมณสิการพลาดเห็นไหมอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นในกรณีที่บอกว่าเราเนี่ยก็จะอยู่กับสุขเวทนาที่อิงงรมกุลอิงเนคขมมะฉะนั้นการวิจัยการรอบรู้สุขเวทนาเนี่ยไม่ใช่ไปคอยดูสุขเวทนาที่มันกำลังเกิดแวบๆอเพราะฉะนั้นอย่า ง, างเขาวิจัยจนมีความเข้าใจเวทนาอย่างทองแท้ พิจารณ า, า, าสุขเวทนาในอดีตได้ไหมในอนาคตได้ไหมปัจจุบันได้ไหมได้เขาเข้าใจแล้วรอบรู้ว่าสุขเวทนาที่อิงกรรมคุณเป็นยังไงสุขเวทนาอิงเนกกรรมะเป็นยังไงเขาเข้าใจเอาฟังทำไหมทําให้สุขเวทนาเกิดได้ไหมเนี่ยเขาก็น้อมหาสุขเวทนาอย่างนี้เพื่อจะเป็นฐานก่การที่จะบรรลุแต่เขาไม่ต้องการติดกับสุขเวทนาชั้นพื้นฐานนะแต่ต้องเเอาตรงนี้เป็นฐานรองรับเพื่อจะพัฒนาให้ แ, แสใจนังนเองนั้นก้าวที่จะพัฒนาสูงสูงจริงๆขึ้นไปเมื่อย่างนี้เหมือนอย่างนี้ทางโลกเราเนี่ยเวลาเขาเอาการมาสุกเป็นเครื่องล่อเส็เสร็จปุ๊บเราเป็นกับดักไหมเราติดเลยเราไม่สามารถจะเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นฐานแล้วก็ศึกษาแล้วก็ก้าวพ้นต่อไปเราก้าวไม่ได้เพราะเราไม่ได้ดูอย่างผู้ศึกษาไงเราไม่ได้ดูอย่างผู้วิจัยแต่เราไปดูอย่างเสพอย่างบริโภคอย่างเมามันเนี่ยเสียหายเลย อันนี้ก็ต้องไปพิจารณาเนี่ยให้ตรงนี้สติที่ตามันลึกเนี่ยเป็นสติประธานได้สมมประธานอิทธิบาทอินทรีย์ก็เป็นไปลักษณะอย่างนี้เหตุนั้นพระโพธิปักญาธรรมเนี่ยนะมีสติประธานเป็นต้นน่ยจึงจัดเป็นดุมเป็นที่ประชุมแห่งกรรมคือพปฏิเสธบาททั้งปวงนักปราชญ์กสันนิฐานบอกว่าพระธรรมเทศนาที่พระบรมศาสดาเนี่ยนะเทศนานั้นมีโพธิปักญยธรรมเนี่ยเป็นดุม ปฏิบัติเป็นกรรมแล้วก็อริยสัจสีเป็นกงนะอันนี้ก็ให้เข้าใจในลักษณะอย่างนี้ฉะนั้นการแสดงพระธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยดุมก็ไหวดุมไหวก็กระเทือนถึงกงเนาะกงก็สําแดงก็กระเทือนถึงถึงกรณีที่ว่าดุมเนีก็ถึงซี่กรรมซี่กรรมก็ถึงกงเนี่ยนะมันก็กระเทือนถึงกันและการในลักษณะนี้ท่านก็เลยไปต่อไปท่านก็ไปศึกษาในอริยสัจแต่ละข้อ นั้นในช่วงนี้ก็ไม่ทันแล้วในการที่จะศึกษาในด้านของทุกขสัตย์เนี่ยนะด้วยอดของกานคําว่าปีร ะ, ะโถโ่เป็นต้นอย่างไรในตอนนี้เวลาที่เหลือเราสาธยายอะไรดีฮะสาธยายธรรมจักรหรืออะไรฮะเวลาเหลือเยอะเนี่ยอาจจะสาธยายอะไรดีมีหนังสือทุกคนอ่มมีทุกคนองสาธยายธรรมจักรดู ใช้ร า, ายช่วงไหนหรือจะสาธยายบทอื่นบ้างฮะว่าไงเนี่ย อ, อ่อนหนังสือไม่มีงานก็เ อ, เอาธรรมจักนี่นะที่จริง สาธยายก็จะไม่จบไม่จบก็ฮะอ่าได้ได้อ่านสวดพระบารมีสิบของพระพุทธเจ้านะเพราะว่าสาธยายจะไม่จบเลยมันจะได้นิดเดียวเองเวลาจะหมดก่อนอาก็ให้นึกถึงนะเวลาเราจะสาธยายบารมีสิบของพระบรมศาสดาเนี่ย วิธีไข้ควรก็คือว่าไข้ควรขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระเจ้าใช่ไหมนึกถึงพระธรรมคําสอนของพระเจ้าที่เราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสถ้าเราไม่ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาเนี่ยเราก็เป็นผู้ที่ลุ่มหลงใช่ไหมลุ่มหลงอย่างมากเลยเนี่ยที่พระเจ้าตรัสไว้ไงตรัสไว้ที่ดตำรัดด้วยว่า บห่หงเวสรณังยันตีนะีบห่หงเวสรณังยันตีปัปปตานีวานานีจาอารามรุคาเจตั ญ, ญานีมนุสสาพยาตาชิตานะบอกมากจริงๆนะสรณ ะ, ะที่บุคคลนับถือทั้งภูเขาทั้งป่าไม้ทั้งรุคาเจดีสําหรับมนุษย์ ผู้ถูกภัยนะคุกคามใช่ไหมใช่เราถ้าไม่ได้เจอเพระบรมศ า, ศาสดาเราก็เป็นหนึ่งนั้นแหละนับถือจระเขบังนับถือพระอินรพระพรหมละเยอะแยะไป็มนะถือป่าไม้ไปเข้าเป็นต้นแล้วเนี่ยเนตังโคสารนังเขมังเนตังสารณมุตตามังเนตังสารณมากัมม สาบาดุคาปมุนจตินั่นไม่ใช่สารณะอันกเกษมนั่นไม่ใช่สารณะอันสูงสุดบุคคลอาศัยสารณะนั้นแล้วย่อมไม่พ้นจากทุกทั้งปวงได้อาศัยไปเถอะเราท่านทั้งหลายใช่ไหมบางทีเราจะยึดบุคคลนั่นบุคคลนี้เป็นสารณะเป็นที่พึ่งอย่างยาวไกลในสังสารวัฏเพราะเราถูกโปรยด้วยสารพิษ ด้วยมิจฉาทิฏฐิของเราครูทั้งหกมีปุรณะกัสปะมัคคลิโคสานะอชิกะเกตกำพลสัญชัยเวรพุทธนีฉะนั้นสารพิษเหนานี้ก็เต็มกระแสใจเราเลยเราก็กลายเป็นมิจฉาทิฏฐิกันอย่างยางโยจาบุตันจารดมัญจาสังกัญจาสารานังขาโตจตาริอริยสจานีสัมปัญญายาปสติ ส่วนผู้ใดนะถึงพระพุทธเจ้าด้วยพระธรรมด้วยพระ ร, รยสงฆ์รร ด, รรด้วยเป็นสาณะเห็นอริย ส, สัจด้วยปัญญาอันชอบดูขังดูคสมุ ป, ปางดุคาซาจติกามังอริยังอัังกิกังมากขังดูโคปัสมะคามินัง คือเห็นทุกข์นะเห็นเหตุให้เกิดทุกข์ก้าวร่วงความดับทุกข์ด้วยแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามสิกขาสามคืออริยมรรคมีองค์8ปดด้วยเอตังโคสระนังเขมังเอตังสารณนามุตตาังเอตังสารณนามากัมมะสบดุดขาปมุตจะติ นั่นแหละเป็นสาระอันกเกษมนั่นแหละเป็นสาระอันสูงสุดผู้อาศัยสาระนั้นแล้วย่อมพ้นจากชาติทิฐุกชราทุกพยาธิทุกมรณะทุกทั้งพวกพวงเป็นด้นไดน้นั้นเราท่านทั้งหลายเนี่ยนึกถึงบา ร, รมีธรรมของพระบรมศ า, ศาสดาใช่ไหมเวลาเราสวดบา ร, รมีสิบก็ให้นึกถึงว่าถ้าไม่มีบา ร, รมีสิบไม่มีพระหมหาบุรุษที่มีเอกเป็นเอกบุรุษ บำเพ็ญบรารมีมหาปริจาคะา 5, สร้างบรารมีมาด้วย20สประสง์ขายยิ่งได้แสนกับถ้าไม่มีท่านผู้นั้นเราก็คือคนมืดคนบ้าคนบอดนะหลงไปในสังสารวัฏเราไม่รู้จักบุญจักบาปเลยฉะนั้นระลึกถึงคุณของท่านเห็นคุณของท่านเราจะได้ตามระลึกพุทธานุสติด้วยสาธยายไปด้วยนยะ ฐานาปารามิปานุธานาปปารามิสฐานาปารามาธาปารามิปานุเม ตาไมตรีกรุณามุิตาอุเบกปาระมิสัมปันอิติปโสบกาวาสีระปาระมิสัมปันโนสีร ลามิซัมโนเสลาปรามิาปาลามิซัมโนเมตตาไม าลามีสัมปันโนปัญญาพารามัทธปามีสามปันโนเมตตากรุณาโมติตาอุเบคปา สัมปันโนอิติปิโสมคะวะเวริยะามิสัมปันโนอปปะปามีสัมปันโนเวรยะครมัตปารามิส เปโซมาฆาวาคันตปารามีสัมปันโนคันอปารามิสัมปันโนคันตปารมาตปามสัมปันโน ปาตรีกรุณามทิตาอุเกปารามีสัมปันอิเปิโสมควสัจจาปารามีปันโนสัจจาอุปปาร ปัณโนสัจาปารมาตาปามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณาอุเบกขาปาราสัมปันโนอิติปิโสมาควะ อาติธานาปารามสัมปันโนอาติธานาปารามิสัมปันโนอาติธานาปรามาตาปารามิสัมปันโนเมตตามัยตรี ปรุณาโมทิตาอุเบกราามิสัมปันโนอิติปิโสมะคววาเมตตาปาลามิปันโนเมตตาโอปาปา ปัณโนเมตตาไมตรีกรุณาขปารามิสมปัณโนยที่ปิโสมาวอุเบกขปารามิสมปัโนอุเบกขอุปา ปาลามิสามปันโนเปคขาปาลามิสามปันโนเมตตาครุณาโมทิตาอุเปคขาปาลามิสามปันโนอิติปิโสมาคะวะ ท่าสัปปารามิสามปันโนทาสัปปปมีสามปันโนทาสัปรมาถะปะรามิปันโนเมตตามัย p e s Makawa. ท่านทั้งหลายรลึกถึงคุณของพระบรมศาสดาแล้วก็ตั้งมั่นในการที่จะเดินสิกขาสามตามรอยบาทพระศาสดาจนเป็นปัจจัยเกิดความพ้นทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกประการนะต่อไปก็ตั้งใจอุทิศ ส, ส่วนกุศลสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่ไมีมมปามาจองมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพระเจ้าได้ทําในบัดนี้ และแห่งบุญอื่นที่ได้ทําไว้ก่อนแล้วคือจะเป็นสัตว์เราได้ซึ่งเป็นที่รัาคายและมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เราอื่นซึ่งเป็นกลางกลาหรือเป็นคู่เวีกันก็ดีสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลก อยู่ในภูมิทั้งหลักอยู่ในภูมิทั้งมีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันนักท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพกร็รู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแท่ให้